ข้อความในมหาประทานสูตรทีขณิกายมหาวักกล่าวถึงการพยากรณ์นิมิตรหรือพยากรณ์มหาปริศลลักษณะของพระโพธิสัตว์ในข้อยี่สิบแปดหน้าสิบเจ็ดกล่าวว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลายก็เมื่อพระวิปัสสีราชกุมารประสูตรแล้วแลพวกอมาตะก็ได้กราบทูแลแด่พระเจ้าพันธุมะว่าขอเดชะ พระราชโอรสของพระองค์เนี่ยประสูตรแล้วขอพระองค์จงทอดพระเนตรพระราชโอรสนั้นเถิดภิกษุทั้งหลายพระเจ้าพันธุมะได้ทอดพระเนตรเห็นพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็รับสั่งเรียกพวกพราหมณ์ผู้รู้นิมิตมาแล้วตรัสว่าขอพวกพราหมณ์ผู้รู้นิมิตผู้เจริญจงตรวจดูรพระราชกุมารเถิดภิกษุทั้งหลาย พวกพราหมณ์ผู้รู้นิมิตได้เห็นพระวิปัสสีราชกุ ม, มานั้นแล้วก็ได้กราบทูลพระเจ้าพันธุมะดังนี้ว่าก็เป็นธรรมเนียมของสมัยแต่เก่าก่อนนั่นะการตรวจเครื่องหมายเนี่ยนะกล่าวว่าบุคคลผู้เป็นพระราชโอรสนั้นมีลักษณะอย่างไรพวกพราหมณ์ที่พระเจ้าพันธุมะเนี่ยนะนะเชิญมา ก็กล่าวตอบว่าขอเดชะขอพระองค์จงทรงดีพระไทยเธิดพระราชพ ร, พระราชโอรสของพระองค์ที่ประสูติแล้วเนี่ยมีศักด์ใหญ่ปลื้มใจได้เลยวา่าดีใจได้เลยข้าแต่พระมหาราชเป็นลาบของพระองค์คือพระองค์ได้ดีแล้วผู้เป็นเจ้าของสกุลอันเป็นที่บังเกิดแห่งพระราชโอรสเห็นตา น, นี้ ก็คือถือว่าเป็นผู้เลิศที่สุดในวงตระกูลเป็นบุคคลพิเศษในชาติตระกูลเนี่ยนะมันก็คือว่าเป็นโชคเป็นบุญเป็นวาสนาของตระกูลแล้วถือว่าตระกูลนี้ได้ดีแล้วขอเดชะพระองค์นี้ได้ดีแล้วคือเป็นลาบได้ดีเนี่ยแปลว่าเป็นลาบของพระองค์แล้วเพราะพระราชกุมารนี้ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะสามสิบสองประการ มหาปริศลลักษณะก็คือลักษณะของพระมหาบุรุษเนี่ยนะคือบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นั้นมีลักษณะประจำองค์อยู่สามสิบสองอย่างซึ่งมีคติหมายถึงความสำเร็จเป็นสองอย่างเท่านั้นไม่ไม่เป็นอย่างอื่นนั้นเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนความสำเร็จที่เขาได้รับนั้นมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรม ทรงธรรมก็คือทรงกุศลกรรมบท10เป็นพระราชาที่เคารพเธอทูลบูชากุศลกรรมบท10เป็นพระราชาโดยธรรมหมายถึงว่าพระองค์นั้นปกครองแผ่นดินโดยธรรมโดยธรรมก็คือโดยพระมหาอ่าโดยกุศลกรรมบท10บนั่นเองอ่าอาณาเขตของพระองค์นั้นพระองค์เป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสเนี่ยเป็นขอบเขตหมายคือว่าปกครองแผ่นดินนี่จอดทะเล พระองค์นั้นทรงมีชัยชนะแล้วมีพระราชอาณาจักรที่มั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการ น, นะนะก็คือจักรรัตนะช้างรัตนะมารัตนะแก้วอารมณีรัตนะแล้วก็อิทีหรือนางนางรัตนะนางแก้วเนี่ยนะนะครหะบดีรัตนะแล้วก็ปรินายกรรัตนะเป็นที่เจ็ด พระราชาพระองค์นั้นเนี่ยจะมีพระราชบุตรของพระองค์นี่กว่าพันพรราชบุตรแต่ละองค์นั้นล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกริั์สามารถจะย่ำยีข้าศึกนะสามารถที่จะย่ำยีเสนาของข้าศึกได้และพระองค์นั้นจะได้รับชัยชนะโดยธรรมในการปกครองนั้นไม่ต้องใช้อาจยาคือการปรับสินไหมเป็นต้น การปกครองของพระองค์นั้นไม่ต้องใช้ศาสตราคือไม่ต้องมีการสั่งประหัดประหารทิมแทงพระองค์นั้นครอบครองแผ่นดินนี้มีสมุดสาครเป็นขอบเขตปกครองแผ่นดินนั้นบริเวณของที่ปกครองก็คือแผ่นดินนั่นเองอันนี้คือความสำเร็จอย่างที่หนึ่งถ้าหากว่าพระองค์ทรงครองเรือนอีกความสำเร็จอันหนึ่งถ้าหากว่าพระองค์ออกผนวดเป็นบนรรปชิต พระองค์จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเปิดหลังคาคือกิเลสแล้วในโลกก็ผู้ที่มีลักษณะเครื่องหมายประจำตัวนี่นะที่งดงามสามสิบสองอย่างในสรีระลักษณะแบบนี้จะมีความสำเร็จในชีวิตอยู่สองอย่างเท่านั้นคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิหรือเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่สองอย่าง ถ้าหากว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดนั้นก็จะเป็นพระราชาที่ประกอบด้วยกุศลกรรมบทสิบนะอยู่ครองปกครองโดยไม่มีอคติสี่นะไม่เป็นไปโดยผิดผิดคือไม่เป็นผู้ลำเอียงด้วยฉันทาคติโทสาคติโมหาคติและพยาคติเป็นพระธรรมราชาที่เคารพบูชาเทิดทูนกุศลกรรมบทสิบพระราชาพระองค์นี้เนี่ยนะ ไม่ใช่เป็นพระราชาที่ดุร้ายแต่เป็นพระราชาที่ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นพระราชาที่สงเคราะห์ประชุมชนทั้งหลายสงเคราะห์ด้วยทานสงเคราะห์ด้วยปิยวาจาสงเคราะห์ด้วยอัตจริยาและสมานตต า, ตาซึ่งไม่เหมือนกับพระราชาบางองค์ที่เบียดเบียนโลกนนะกดขี่ข่มเหงด้วยภาษีและการลงอาจยาเป็นต้นพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่าพระราชาบางองค์เนี่ยนะที่เบียดเบียนชาวโลกหรือเบียดเบียนบริวารชาวเมืองชาวแว่นแคว้นของตัวเองเนี่ยนะด้วยรีดภาษีลงอาทยาเป็นต้นมันพวกมนุษย์ทั้งหลายก็จะพากันละทิ้งมัชชิมชนบทก็จะพากันทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปอยู่ตามภูเขาไปอยู่ตามฝั่งทะเลหรือไม่ก็หนีไปอยู่ตามเกาะต่างๆเลี้ยงชีวิตอยู่ที่ชายแดน คือบางเมืองเนี่ยภาษีมันคมเหงหนักผู้ปกครองนั้นใช้แต่อำนาจอย่างที่ตัวเองต้องการพวกนี้ก็หนีไปแล้วก็พวกมนุษย์เหล่านั้นก็ถูกโจรร้ายเบียดเบียนปล้นเอาประชาชนพวกนั้นก็ห น, นีไปอีกเขาเหล่านั้นก็พากันอยู่หนีไปอยู่ในสถานที่ที่มันสงบร่มเย็นปกรอชนบทใดที่มีพระราชาปกครองโดยรีดไถภาษี แล้วก็ลงอาจยาอย่างรุนแรงมีการปรับสินไหมที่แพงจนจนประชาชนรับไม่ได้การปกครองก็ใช้แต่ศาสตราอาวุธมีการประหัตประหารทิ้มแทงชนบทในที่อยู่ในการดูแลการปกครองของพระราชาพระองค์นั้นไม่มีความมั่นคงเพราะว่าผู้ที่ประกอบอาชีพรรมาค้าขายก็มัวแต่วาดระแวงนะมัวแต่วาดระแวงมัวแต่หวาดสะดุ้งนะ กลัวจะสูญเสียภาษีกระว่ารีดไถมากจนไม่มีกระจิตกระใจทำเหมือนกับว่าทำเพื่อส่งหลวงทั้งหมดตัวเองเนี่ย อ, อาบเหงือ่อท่วมกายก็ไม่พอจะได้ใช้หรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำเกษตรกรรมก็เหมือนกันเพราะถ้าหากว่าภาษีรีดมากเกินไปไถมากเกินไปแล้วผู้ปกครองนั้นเอาไปปรนเปรุ ข, ของตัวเองเนี่ยประชาชนเหมือนมีความรู้สึกว่าเขานั้นถูก รีดถูกไถมากเหลือเกินแค่เรียกว่าพวกอมองเห็นว่าผู้ปกครองนั้นเป็นพวกกระหายเนื้อกระหายเลือดดื่มกินแต่แค่เรียกว่าหยาดเหงื่อแรงกายของประชาชนนั้นประชาชนเหล่านั้นก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าสําหรับแผ่นดินของพระเจาะ้าจักรพรรดิไม่เป็นอย่างนั้นแผ่นดินของพระองค์นั้นเป็นแผ่นดินที่มีความมั่นคงเพราะว่าพระองค์นั้นดํารงอยู่ด้วยธรรมคือเนื่องจากพระองค์นั้นเป็น พระธรรมราชาเมื่อพระองค์เป็นพระธรรมราชาการปกครองของพระองค์นั้นจึงปกครองโดยธรรมนั้นการปกครองของพระองค์นั้นไม่มีการขูดรีดไถ่นะการเสียภาษีอากรก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองแล้วก็การที่พระองค์ดารงอยู่ในฐานะสูงสักและสูงส่งอ น, นั้นก็เพื่อที่จะได้ช่วยให้ทานนั้นภาษีที่ไดมาก็คือไดโดยองรวม เพื่อที่จะกระจายรายได้ไปให้แก่ประชาชนโดยรวมประชาชนก็จะอยู่ดีมีสุขเมื่อประชาชนอยู่ดีมีสุขเนี่ยนะการประกอบอาชีพทั้งหลายประชาชนเหล่านั้นก็ทําด้วยความขยันขันแข็งเพราะคิดว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของเขาพระราชาก็เป็นเหมือนกับบิดาของเขาอย่างคล้ายคประเทศเราเมื่อก่อนนี้ก็เรียกว่าเรียกพ่อเนี่ยนะเพราะว่าพระองค์นั้นปกครองบ้านเมืองเช่นกับพ่อดูแลลูกนะก็ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนทั้งหลายทีนี้พระเจ้าจากักรพรรดนั้นประกาศถึงว่าพระองค์เป็นผู้ที่สูงสุดแล้วก็สูงส่งนั้นก็เนื่องจากว่าพระองค์นั้นมีรัตนะเจดประการรัตนะเจ็ดประการก็ที่กล่าวไปแล้วก็คือพระองค์มีจักรรัตนะเนี่ยนะจักรรัตนะช้างรัตนะมหารัตนะ แก้วมณีรัตนะแล้วก็อิทีรัตนะเครือหาบดีรัตนะปรินายกรัตนะความหมายของรัตนะนี้หมายคือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความยินดีก็คือเนื่องจากว่าพระองค์นี้มีสิ่งที่น่ายินดีมีสิ่งที่น่าปลาปลื้ม่มอันนี้คือความหมายของรัตนะพระองค์นี้มีเครื่องปลื้มใจประจำชีวิตอยู่เจ็ดอย่างซึ่งมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะสาหรับบุคคลทั้งหลายทั่วไปเนี่ยนะ อย่างจักก็คือประกาศถึงว่าผู้มีอำนาจจักไม่ประกาศถึงว่าหมุนไปโดยรอบเนี่ยนะหมุนไปโดยรอบครอบคลุมอาณาจักรทั้งหมดอันนี้ก็คืออำนาจนั่นเองส่วนมีช้ชางเรียกว่าหัตถิรัตนะหรือช้างเนี่ยนะหรืออัสารัตนะคือม้าเนี่ยรัตนะอันนี้ก็หมายถึงพระราชาที่สมบูรณ์ด้วยเยื่อยาดพานะก็คือมีพาหนะไปไหนก็ได้อย่างที่พระองค์ประสงค์ พระองค์มีแก้วมณีก็คือมีเครื่องที่ทําให้พระองค์สาเร็จความปรารถนาคือจะปรารถนาสิ่งใดก็ปรารถนาสิ่งนั้นได้อย่างไม่ยากไม่เย็นแล้วก็ชีวิตครอบครัวก็เป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขสบายเพราะมีอิทธิรัตนะมีพร่งยาที่ตามใจทุกอย่างเนี่ยนะคือหมายก็ว่าไม่ใช่ตามใจตัวนะตามใจพระเจ้าจักรพรรดิ ท, ทุกอย่างคือไม่เคยสร้างความลําบากใจให้พระเจ้าจักรพรรดิใดๆเลย เนะเป็นผู้ที่มีปกติยิ้มก่อนเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็สําหรับเรือนคลังบ้านเมืองนั้นเป็นเมืองที่เศรษฐกิจรุ่งเรืองเจริญมากเพราะอะไรเพราะมีครือา บ, บดีหรือขุนคลังนั่นเองขุนคลังที่ฉลาดสามารถในการดูแลปกครองเกี่ยวกับเรื่องอเรือนคลังของบ้านเมืองเนี่ยนะด้นเศรษฐกิจของบ้านเมืองนี่ดีเยี่ยมเพราะว่าได้ขุนคลังที่ฉลาดมากเรียกว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด บ้านเมืองมีแต่เจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียวส่วนความมั่นคงของบ้านเมืองนั้นอยู่ด้วยปรินายกหรือว่าทหารเนี่ยนะหรือ ท, ท, ที่ด้านการทหารด้านการทหารนั้นก็มีความมั่นคงถ้าสังเกตดูเนี่ยน ะ, ะพระเจ้าจักรพรรดนั้นคือผู้ที่มีอาณาเขตปกครองที่ครอบคลุมยิ่งใหญ่มากยานพาหนะของพระองค์ก็มีแต่ของดีความคิดนึกของพระองค์ก็สมความปรารถนา ครอบครัวก็อบอุ่นบ้านทรัพย์สินของบ้านเมืองเนี่ยนะก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็มีอำนาจที่มั่นคงเนี่ยนะเพราะว่ามีผู้ที่ชำนาญในการบริหารช่วยในด้านการปกครองัน้นพระองค์ก็เป็นถือว่าเป็นพระราชาที่สบายมากว่านั้นเนยเป็นพระราชาที่สบายมีเวลาคิดถึงธรรมะเยอะ พระราชาพระองค์ใดที่มีความเดือดร้อ น, อนเช่นอาณาจากักรไม่มีความมั่นคงแผ่นดินเล็กแผ่นดินน้อยเนี่ยนะอำนาจก็ไม่คือเป็นพระราชาที่หาความสุขไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เพราะมัวแต่น้อยใจว่าวบ้านเมืองของเราทําไมมันแคบแท้เล็กแท้น้อยแท้นะ อ, อยากคิดว่าโอ้ยทํามีน้อยๆแล้วคนจะได้มีความสุขบอกตรงกันข้ามคนที่มีน้อยนั้นไม่ได้ทําให้มีความสุขอะไรนะรวมๆแล้ว ก็มีอะไรมีแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจทั้ตัวที่จะทำให้ขยายขอบเขตขยายอนาคตได้ก็คือจักรรัตนะทันจึงมีเครื่องปลื้มใจเนี่ยนะเครื่องที่ทำให้เกิดความดีนั้นอนุภาพของจักแก้วจะเสด็จไปไหนก็ไปได้สงความประสงค์ไปได้อย่างรวดเร็วก็เพราะมีช้างแก้วมีม้าแก้วนะแก้วมณีก็ทำให้สงบร่มเย็นเนี่ยนะเรียกเสด็จเข้าตัวนะชีวิตก็ไม่มีความเครียด แล้วก็นางแก้วนะก็เครื่องที่ช่วยให้กำลังใจส่วนเครือหาบดีแก้วก็ดูแลเรื่องเรียกว่าทรัพย์ของแผ่นดินปรินายกแก้วก็ด้านการทหารด้านการปกครองที่มีความมั่นคงเนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยนะสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการนี่แหละพระองค์จึงเกิดแต่ความยินดีนะเป็นพระราชาที่อยู่โดยธรรมใช้ชีวิตอย่างมีความสุข หรืออีกในหนึ่งนะรัตนะทั้งเจ็ดประการเนี่ยมีความหมายว่าทำความชื่นชมนะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเพราะว่าชนทั้งปวงเนี่ยนะรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นที่ชื่นชมเป็นที่สักการะบูชากราบไหว้ของประชาชนมันจุดศูนย์รวมหรือที่เรียกว่าเทวสถานปกตินี่บ้านเมืองของพระราชาทั้งหลายอาจจะมีเทวสถานมีสถานที่ ที่น่ารื่นรมต่างๆแต่ว่าของพระเจ้าจักรพรรดนั้นจุดศูนย์รวมแห่งศรัทธาของประชาชนก็คือองค์จักรพรรดิกับจักรรัตนะ์จักรรัตนานั้นแหละเป็นที่ให้ประชาชนได้ชื่นชมนะนะเป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้บูชานั้นก็คือถ้าหากว่าเขาจะเอาดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟมาจุดบูชานั้นเขาจะมาบูชาจักรรัตน์กันแล้วก็รัตนะทั้งเจ็ด ประการของพระเจ้าจักรพรรดนั้น Banana. เป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้อย่างเช่นจักรรัตรนะนั้นไม่สามารถจะตีเป็นราคาเป็นมูลค่าเป็นสิ่งที่มีราคาคือประเมินค่าไม่ได้มีค่ามากมาทั้งแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะทั้งเ็ดประการของพระเจ้าจักรพรรดนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้จาักรารัตรนะก็ประเมินค่าหาประมาณไม่ได้หรือแม้กระทั่งว่า ช้างรัตนะเนี่ยนะก็หัตถีรัตนะนั้นก็เป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้มา้าเรายียกว่าอัศรัตนะก็หาค่าหรือมีค่าหาประมาณไม่ได้แก้วมณีหรือนางแก้วหรือครห บ, บดีแก้วปรินายกแก้วขุนคลังเนี่ยนะประเมินขุนคลังที่ฉลาดเนี่ยประเมินราคาหาประมาณไม่ได้ผู้ที่คุ้มครองบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยนั้นก็เป็นบุคคลที่มีค่าหาประมาณไม่ได้ นันก็รัตนะของพระองค์นั้นมีค่ามากและก็ไม่มีสิ่งใดจะมาเปรียบอีกแล้วในเจ็ดประการเหล่านั้นก็ไม่มีอะไรจะมาเปรียบมันถือว่าแต่ละอย่างมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็หาดูได้ยากไม่ใช่จะหาดูได้ง่ายๆแม้กระทั่งองค์พระเจ้าจักรพรรดิก็หาดูยากรัตนะทั้งเจ็ดนั้นก็หาดูยากเพราะว่าเป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีบุญ แล้วก็รัตนะทั้งเจ็ดอย่างเนี่ยนะถ้าหากว่าพระพระจักรพรรดิไม่มีบุญจริงก็ไม่มีอำนาจจะดูแลจะปกครองสิ่งทั้งเจ็ดประการได้เพราะแต่ละอย่างนั้นเป็นสมบัติของผู้มีบุญของดีทั้งหลายเนี่ยนะ จ, จักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วแก้วมณีนางแก้วครืหาบดีแก้วปรินายกแก้วเนี่ยนะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของผู้มีบุญเพราะาผู้มีบุญจริงๆเนี่ยนะสา ม, มารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ได้ ถ้าพูดถึงธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยนะลําบากอะไรกันเอามีแก้วมันีสักแก้วหนึ่งก็เดือดร้อนแล้วนอนไม่หลับแล้วอยู่ไม่เย็นอยู่ไม่เป็นสุขแล้วว่างั้นเถอะก็ไม่ต้องแก้มแวมัีหรอกมีเพชรเม็ดเดียวนี่ก็แท้ป่วยแล้วว่างั้นนะนั้นอกรัตนะนั้นจึงแปลว่าเครื่องใช้ไม่สอยของผู้มีบุญผู้มีบุญก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าพระองค์ครองเรือน พระองค์จะสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการและพระองค์นั้นดํารงอยู่โดยกุศลกรรมบททั้งสิบประการโดยไม่เปื้อนบาปนะะคือผู้ที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยนะคติชาติหน้า น, านี้แน่นอนคือสวรรค์ชั้นดาวบดึงแน่นอนก็เนื่องจากว่าพระองค์นั้นฮะดำรงอยู่โดยจกักรวัติวัดเนี่ยนะก็าเรียกว่าวัดของพระเจ้าจากักรพรรดิก็คือประกอบด้วย อาครียกว่าทศพิตราชจะทำเป็นต้นแล้วก็เป็นผู้ที่ส่งเคราะห์ประชาชนอย่างหาที่เปรียบนี้ได้พูดถึงประชาชนทั่วไปแล้วได้รับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรียก ว, ว่าอยู่ด้วยบุญญาธิการของพระองค์แล้วพระองค์ก็เลี้ยงดูเขารักเขาอะไนะรคเรียกว่ารับประชาชนเหมือนกับบุตรแล้วพระองค์นั้นปกเนื่องจากว่าประชาชนรักพระองค์เนี่ยนะก็ไม่มีใครทําชั่วทุกคนก็คอยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแล ให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นกันหมดเพราะฉะนั้นแผ่นดินเนี่ยถ้าจะสงบร่มเย็นก็ต่อเมื่อผู้มีบุญดูแลและปกครองเฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีผู้มีบุญปกครองบ้านเมืองก็ระส่ำระสายมีแต่ความวุ่นวายทีนี้พูดถึงว่าผู้ที่ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะสามสิบสองประการเนี่ยนะถ้าหากว่าพระองค์ออกบวชเป็นบนรรปชิตคือเป็นผู้เวน้นจากบาปด้วยกายวาจาและ ใจนั้นจะได้เป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ก็คือผู้ไกลจากกิเลสผู้กําจัดข้าสึกคือกิเลสผู้หักซีกรามแห่งสังสารวัฏผู้ควรเครื่องสการะบูชาผู้ไม่มีความลับในการกระทําบาปเป็นต้นนั่นเองแล้วก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องโดยพระองค์เองเนี่ยนะก็คือผู้ที่มีพระสัพพัญยุตยานเป็นต้นเพราะว่าพระองค์นั้นเปิดหลังคาคือ ราคะโทสะโมหะหลังคาคือบาปอากุศลธรรมได้หมดสิ้นแล้วทีนี้ เ, เ, เหตุผลที่ที่กล่าวพยากรณ์ว่าพระราชกุมารเนี่ยนะพระราชกุมารของพระเจ้าพันธุมะเนี่ยนะที่สามารถพยากรณ์ว่าบุรุษผู้นี้ถ้าครองเรือนจะได้เป็นจั ก, กรพรรดิถ้าออกบวชจะเป็นบนรรพชิตนั้นเหตุผลก็มีอยู่ต่อไปว่า ขอเดชะก็พระราชกุมาร น, นี้ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32สองประการเหล่านหนอะไรล่ะเป็นเครื่องหมายบอกบอกว่าบุรุษผู้นี้จะมีความสำเร็จเป็นสองอย่างเท่านั้น น, นะอะไรเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเป็นผู้ที่สูงสุดเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จที่สูงสุดโดยไม่เป็นอย่างอื่นหมายค่ะว่าถ้าครองเรือน จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรมเ ป, เป็นพระราชาที่เป็นใหญ่โดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตทรงชนะแล้วมีพระราชาอาณาจักรที่มั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการคือจักรรัตนะช้างรัตนะมารัตนะแก้วมณีรัตนะหรือว่ามณีรัตนะอิทธีรัตนะเครหบดีรัตนะและปรินายกรัตนะเป็นที่เจ็ดพระราชาบุตรของพระองค์นั้นมีมากกว่าพัน แต่และองค์นั้นล้วนแต่กล้าหานมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์นั้นชนะโดยธรรมปกครองโดยไม่ต้องใช้อาทยาคือการปรับศิลปไหมโดยไม่ต้องใช้ศาสตราเครื่องประหารทิมแทงพระองค์ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตอันนี้หมายว่าถ้าพระองค์ครองเรือนถ้าหากว่าเสด็จผนวด บวชเป็นบนรรปชิตจะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเหตุผลก็เนื่องจากว่าพระองค์นั้นมีพระมหาปริรสลักษณะ32สองประการขอเดชะก็พระราชกุมาร น, นี้มีพระบาทประดิสถานเป็นอันดีเรียว่ามีพระบาทเนี่ยเสมอกันข้าแต่สมมุติเทพการที่พระราชกุมาร น, นี้มีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดีนี้ เป็นมหาปริศลักษณ ะ, ะของพระมหาบุรุษข้อที่หนึ่งนนะต่อไปขอเดชะก็พระราชกุมาร น, นี้เนี่ยนะมีพื้นใต้ฝ่าพระบาททั้งสองของพระกุมารเนี่ยมีจักซึ่งเกิดขึ้นมีซี่กัมข้างละพันเรียกว่าฝ่าพระบาททั้งสองเนี่ยเป็นเป็นเหมือนล้อเกวียนนะเป็นจักแล้วก็มีซี่เป็นพันพันก็คือมีลายมือพิเศษเออขอไปลายฝ่าเท้าที่พิเศษมาก เป็นรอยจักว่างั้นเป็นรอยจักเนี่ยเป็นเป็นพันซี่มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงข้าแต่สมมุติเทพแม้การที่พื้นภายใต้ฝ่าเท้าเอ่อฝ่าพระบาททั้งสองของพระราชกุมารนี้มีจักเกิดขึ้นมีซี่กัมข้างละพันมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงนี้ก็เป็นพระมหาปริศลักษณะของพระมหาบุรุรนั้น เพราะว่าแปลว่าไม่ใช่ว่าซี่เอตัวตัวจักที่อยู่ในฝ่าเท้าเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีความเสียหายบกพร่องอันนี้มันสมบูรณ์แบบทั้งหมดเนี่ยอันนี้เหตุผลอันหนึ่งละที่สามารถทําให้ประสบความสําเร็จนะทำไมครับถ้าครองเรือนจะได้เป็นจกักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปก็พระองค์มีส้นพระบาทยาว ข้อสนะข้อสี่พระองค์มีพระองค์คูลียาวห้ามีฝาพระหัตและฝาพระบาทอ่อนนุ่มหกมีฝาพระหัตและฝาพระบาทมีลายดุจตาข่ายเจ็ดมีพระบาทเหมือนสังข์คว่ำแปดมีพระชงเรียวเนี่ยนะดุจเนื้อแข้งทรายแต่ก็อาดุจแข่งเนื้อทรายนั่นนะเก้าพระองค์เนี่ยสถิตยืนอยู่ก็ ม, มิไม่ต้องน้อมหรือก้มลงเอาฝาพระหัต ลูปคลำได้ถึงพระชานุคือเขาทั้งสองเสบมีพระคุยหะเรนอยู่ในฝักสิบเอ็ดมีพระชวิวันผิวพันดุดผิวเอ่อเรียกว่าดุดสีแห่งทองคำคือมีพระตาจะคือหนังเนี่ยประดุดหุ้มด้วยทองเรียกว่าเหมือนพระปิดทองอย่างนั้นเถอะ สิบสองมีพระชวีคือผิวนี่ละเอียดเพราะพระชวีคือผิวที่ละเอียดนี่แหละทำให้ทุลีละองค์จึงไม่ไม่ได้ติดหรือแปดเปื้อนอยู่ในพระกายได้สิบสามมีพระโลมาชาติคือเส้นขนเนี่ยนะเส้นหนึ่งหนึ่งเกิดในขุมขุมละเส้นนะเส้นขนเนี่ยมีขุมละเส้นสิบสี่มีพระโลมาชาติที่มีปลายช้อยขึ้นข้างบนคือเวียนเป็นทักษิาวัตเนี่ยนะมีอ่ ถ้โลมาชาคือขนนั้นมีขนสีเขียวผิวทองขนสีเขียวมีสีเหมือนดอกอัญชันขดเป็นกุลทนทักษิณาวัตอะนะขนทุกขดเนี่ยจะเวียนขวาเวียนขวาแล้วก็สีเหมือนดอกอัญชันสีเขียวเนี่ยนะสิบห้าพระองค์นั้นมีกายตรงเหมือนกายพรหมสิบหกมีพระมังสะเต็มในที่เจดสถาน สิบเจ็มีกึ่งพระกายท่อนบนเหมือนกึ่งกายท่อนหน้าของราชสีสิบแปดมีพระมีระหว่างพระอังศาเนี่เต็มเรียกว่าบาเนี่เต็มหมดสิบเก้ามีปริมนทนดุจไม้นิโครตคือต้นไทรวาของพระองค์เท่ากับพระกายของพระองค์พระกายของพระองค์ก็สูงเสมอกับวาของพระองค์น่นะเรียกว่าวากับสริระเนี่ยสูงเท่ากัน ยี่สิบมีลำพระศอกลมเท่ากันนะคอเนี่ยกลมกลมข้างบนข้างล่างเนี่ยกลมเสมอกันยี่สิบเอ็ดมีปลายเส้นประสาทสําหรับนํารสอาหารอันดีหมายคําว่าลิ้นเนี่ยนะเป็นลิ้นชั้นพิเศษเป็นลิ้นที่รับรสอาหารได้อย่างดียี่สิบสองมีพระหานุดุดคางราชสีคือคางของพระองค์เนี่ยเป็นคางอย่างดีเป็นคางเหมือนกับคางราชสี ยีสามีพระทนคือฟันสี่สิบสี่ยี่สิบสี่มีพระทนคือฟันเนี่ยเรียบเสมอกันยี่สิบห้าเนี่ยนะมีพระทนคือฟันเนี่ยไม่ห่างยีสิบมีพระทาถะขาวงามคือเขี้ยวของพระองค์นั้นขาวแล้วก็งามยีสบเจ็ดมีพระชิวหานี่ใหญ่คือลิ้นของพระองค์นั้นเป็นลิ้นที่ใหญ่ยีสิบดมีพระสุรเสียงดุดเสียงแห่งพรมพระองค์นั้นตรัดมีสำเนียงดังนกกระเวศ ยี่สิบเกมีพระเนตรเนี่ยดำสนิทสามสิบมีดวงพระเนตรดุจ ด, ดวงตาแห่งโคสามสิบเอ็ดมีพระอุณาโลมบังเกิดหน้าระหว่างแห่งพระขนงมีสีขาวอ่อนควรเปรียบด้วยนุ่นก็คือมีขนที่หน้าผาก ต, ตรงพระหน้าผากเนี่ยเป็นสีขาวระหว่างคิ้วนะสามสิบสองมีพระเสียนดุจประดับด้วยกรอบพระพัก นคือเหมือนกับว่าไม่ต้องใส่กรอบก็ดูงดงามเลยข้าแต่สมุติเทพแม้การที่พระราชกุมาร น, นี้มีพระเสียรดุดประดับด้วยกรอบพระพักนี้ก็เป็นพระมหาปริศลักษณะของมหาบุรุษนั้นคือแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเป็นลักษณะของผู้ที่ประกอบด้วยอ่ามหาปริศลักษณะหรือลักษณะของผู้ที่เป็นมหาบุรุษนั่นเองผู้ที่เป็นมหาบุรุษเช่นนี้นี่นะอะ่ถ้าหากว่าครองเรือน ขอไปอขอเดชะพระราชกุมารนีที่ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะสามสิบสองประการเหล่านี้ซึ่งมีคติคือความสําเร็จเป็นสองอย่างเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็คือถ้าหากว่าทรงครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงชำนะแล้วมีราชอาณาจักรอันมั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการจักก ร, รัตนะชอะ อธิรัตนะอัศรัตนะมณีรัตนะแล้วก็อิทีรัตนะเครหบดีรัตนะปรินายกรัตนะเป็นที่เจ็ดราชบุตรราชบุตรของพระองค์นะั้นมีกว่าพันองค์ล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตรสามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์นี้ทรงชั้นะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตรา ครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตถ้าหากว่าพระองค์เสด็จออกผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดหลังคาคือกิเลสแล้วในโลกอธิบายตามลำดับมหาปริศลักษณะสามสิบสองของพระมหาบุรุษเนี่ยนะบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติด้วยตระกูลด้วยผิวพันธ์นะด้วยซับเป็นต้นนั่นเองเรียกว่ามหาบุรุษเนี่ยนะ บุษรพู้มีมีความยิ่งใหญ่เกิดในตระกูลที่ยิ่งใหญ่อยู่ในประเทศที่ยิ่งใหญ่บทว่าสุปฏิทิตฐปาโทเนี่ยนะที่บอกว่ามีพระบาทประดิษฐานเป็นอันดีเป็นพระบาทที่เสมอกันเรียบคือพระองค์นั้นเป็นเป็นบุคคลที่ไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นเนี่ยนะเวลาวางเท้าลงบนแผ่นดินเนี่ยนะปลายฝ่าเท้าส้นเท้าหรือข้างหน้าเท้าเนี่ย ย่อมจดก่อนคือหมายคก็ว่าขาของคนเนี่ยโดยมากพิการมันไม่มีความยาวเสมอการนะบางคนขาซ้ายยาวบางคนขาขวาเนี่ยาวบางคนเนี่ยมันมีส่วนยาวหรือส่วนสั้นก็คือแปลว่าพิการมีพิการแตกต่างกันเพราะความไม่สมบูรณ์ของโครงสร้างทางกระดูกนะมีกระดูกบางส่วนที่มันมันสั้นไปมันยาวไปมันไม่เหมาะสมก็มีความพิการเล็ ก, ลกๆน้อยๆอยู่ในตัว เรือพิการมากไปเลยแต่ของพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าพระองค์นั้นมีโครงสร้างทางสรีระคือโครงกระดูกเนี่ยนะที่เหมาะสมที่สุดมันพระบาททั้งสิ้นของพระกุมารเนี่ยจรดพื้นโดยเยียมเหยียบพระบาทครั้งหนึ่งดุจพื้นรองเท้าทองคํานั้นฝ่าพระบาทของพระองค์นี่จะเหยียบกับพื้นได้อย่างเหมาะสมเสมอดีราบเรียบอย่างเสมอและตัวฝ่าพระบาทเนี่ยนะฝ่าเท้าก็เรียบเสมอเหมือนเหมือนแผ่นทองคําเหมือน ข้อต่อไปบอกว่าพื้นใต้ฝ่าพระบาทหรือว่าฝ่าพระบาทฝ่าเท้าของพระองค์เนี่ยนะมีจักเกิดขึ้นมีซี่กรามข้างข้างรพันซี่กรามก็คือตัวซี่ไปหามีมีอะไรบางมีกงคือรอบนอกมีดุมคือแกนกลางเนี่ยนะแล้วก็มีซี่ซี่ระหว่างกงกับดุมเนี่ยจะมีซี่อยู่พันซี่บาลีบอกว่าณพื้นพระบาทเนี่ยนะมีจักทั้งสองเกิดขึ้น มาจะฝ่าเท้าข้างละจักรเลยนะจากเหล่านั้นมีซี่มีกรงมีดุมได้ก่าสมบูรณ์ด้วยอาการทุกประการได้ยินว่าดุมของจากเหล่านั้นปรากฏณนทะ่ามกลางพื้นพระบาทกล่าวว่าเอาตรงกลางเลยนะวัดเส้นองศาถ้าตรงกลางพระบาทนั้นอาจจะเป็นดุมดุมก็คือแกนกลางแล้วก็ลวดลายวงกลมกําหนดด้วยดุมย่อมปรากฏก่าดูกลมเหมือนกับเป็นดุมเกลียเลยเหมัน้น วงกลมล้อมหน้าดุมก็ปรากฏท่อน้าปรากฏซี่ปรากฏลวดลายวงกลมในซี่ทั้งหลายก็ปรากฏกรงก็ปรากฏกงแก้วมณีก็ปรากฏเกี่ยว่าลวดลายเนี่ยนะรายละเอียดที่ไม่ได้กล่าวในบาลีก็มีเพิ่มอีกนะก็คือเกียว่ามงคลมงคลร้อยแปดในฝาพระบาทเช่นอ่นะในในพื้นพระบาทจริงๆเนี่ยมีเป็นตาราง เป็นเหมือนกับตะข่ายเป็นตารางเนี่ยนะเป็นตารางเหมือนกับกระดานหมากรุกเนี่ยหมากอสเนี่ยนะเป็นเหมือนกระดานแบบนั้นในในในตารางเหล่านั้นก็มีอะไรบ้างมีรูปหอกรูปเว่นสองพระฉายรูปดอกพุทซ้อนรูปสายสร้อยรูปสังวานรูปทาทองรูปมัชฉาคู่คือปลาคู่รูปต่างรูปขอรูปปราศาสรูปเสาระเนียรรูปเสวตฉาตรูปประขันรูปพัดใบตาลรูปหางนกยูง รูปพัดวาลวิชณีรูปมงกุฎรูปแก้วมณีรูปบาตรูปดอกพวงมะลิรูปดอกบัวขาบรูปดอกบัวแดงบัวขาดอกปทุมดอกบุญทริกหรือแม้กระทั่งรูปหม้อน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำรูปถาดเต็มไปด้วยน้ำรูปมหาสมุทรรูปเขาจักรวาลรูปป่าหิมพันเขาสิเนรูรูปพระจันทร์พระอาทิตย์รูปดาวนกษัตว์รูปทวีปใหญ่ทั้ง4ี่มีทวีปน้อยเป็นบริวารทั้งสองพัน โดยที่สุดถึงบริวารของพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยอันนี้เป็นบริวารของจักรลักษณะนั่นเองเขาเรียกว่าฝ่าเท้าเนี่ยประกาศว่านี่มันฝ่าเท้าของพระเจ้าจากักรพรรดิมันเป็นเครื่ององค์ประกอบของผู้ที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดินั่นเองเนื่องจากว่าณพื้นภายใต้ฝ่าพระบาททั้งสองของพระราชโกมารเนี่ยนะมีจักเกิดขึ้นมีซี่ข้างามีซี่กรรมเนี่ยจักแต่ละข้างเนี่ย มีสี่ก ร, รมมีสองข้างมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงข้าแต่ส ม, มุติเทพแม้การที่พื้นภายใต้ฝ่าพระบาททั้งสองของพระราชกุมาร น, นี้มีจักเกิดขึ้นมีสี่กรัรมข้างละพันมีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงนี้เป็นพระมหาปริศลักษณะของพระมหาบุุษนั้ น, นข้อความนะเกี่ยวกับเรื่องฝ่าเท้าของ พระโพธิสัตว์หรือของพระพุทธเจ้าอันนี้เวลาที่เราน้อมกราบนนพุทธบาททั้งหลายของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ระ ล, ลึกถึงว่าพระองค์นั้นมีฝ่าพระบาทเช่นนี้เนี่ยนะพื้นพระบาทเช่นนี้ที่พระองค์เหยียบย่ําเนี่ยนะเหยียบคำว่าเหยียบในหมายว่าเดินเสด็จพุทธลำเนินเพื่อโปรดสัตว์เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ตลอดระยะเวลาสีา่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะก่อนหน้านั้นก็เป็น ฝ่าพระบาทที่รองรับสําหรับผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปส่วนมหาบริศลักษณะข้อที่สามก็คือพระองค์นี้มีส้นพระบาทเนี่ยยาวส้นพระบาทนี่ยาวส้นพระบาทยาวก็คือส้นเท้ายาวอย่างนั้นเถอะส้นพระบาทแปลว่าส้นพระบาทของพระองค์นั้นบริบูรณ์ ส้นพระบาทของพระมหาบุรุษนี้ไม่เป็นเหมือนปลายเท้าของคนอื่นที่ยาวลำแข้งตั้งอยู่สุดส้นเท้าหมายาว่าเท้าข้างหน้าเนี่ยยาวแต่แข้งเนี่ยตั้งอยู่ข้างหลังแต่ของพระมหาบุรุษนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระบาทเนี่ยมีสี่ส่วนถ้าหากว่าปลายพระบาทเนี่ยมีสองส่วนลำพระชงเนี่ยตั้งอยู่ในส่วนที่สามส้นพระบาทใหญ่ในส่วนที่สี่เป็นเช่นกับลูกคลี่หนัง ทำด้วยผ้ากำพลสีแดงดุดม้วนด้วยปลายเข็มแล้วก็ตั้งเอาไว้เพราะนั้นก็ส้นพระบาทของพระองค์เนี่ยจึงยาวแล้วก็เหมาะสมงดงามนั่นเองแสดงว่าการทำนายพระมหาปริศลักษณ ะ, ะของพระมหาบรุษเนี่ยดูจากเท้าขึ้นนะค่อยๆไล่จากฝ่าเท้าก่อนแล้วพื้นเท้าเนี่ยถ้านอนอยืนก็ยืนเสมอกันหมายความว่า ถ้านอนด้วยแล้วฝ่าเท้านี่ยื่นออกไปเนี่ยเสมอกันฝ่าพระบาทก็มีกองจักแล้วก็ตำแหน่งของส้นเท้าเนี่ยนะตัวส้นเท้าเนี่ยก็ยาวตั้งอยู่ตรงกลางพอดีทีนี้นิ้วเท้าแหละองค์คุลีนิ้วเท้าทั้งหลายหรือว่าองค์คุลีเนี่ยนิ้วเท้านิ้วอ่านิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยหรือนิ้วพระหัสนิ้วพระบาทของพระมหาบุรุษนะั้นไม่เป็นเหมือนนิ้วของคนอื่น นิ้วของคนอื่นทั่วไปเนี่ยนะบางนิ้วเนี่ยยาวบางนิ้วนี่สั้นแต่ของพระมหาบรุษนิ้วพระหัตถและนิ้วพระบาทของพระองค์เนี่ยยาวเหมือนนิ้วของวานน์คล้ายนิ้วลิงอะนะแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดแบบนิ้วลิงอะนะคือข้างโคนเนี่ยใหญ่แล้วก็เรียวไปตามลําดับคล้ายๆกับลําเทียนถึงปลายนิ้วเช่นเดียวกับแท่งหรดานที่ขยําด้วยน้ํามันยางแล้วปั้นเอาไว้ก็คือลําเทียนนั่นเอง ก็เหมือนกับลําเทียนเพราะฉะนั้นจึงมีนิ้วพระหัสนี่ยาวะก็คือนิ้ว น, นิ้วแต่ละนิ้วก็งามแล้วก็ยาวนิ้วพระหัตต์ก็ยาวนิ้วพระบาทก็งามข้อห้าพระองค์นี้มีฝ่าพระหัตต์และฝ่าพระบาทนี้อ่อนนุม่มโมทุตัลุณะหัตถปาโตความว่ามีพระหัตต์นยนะแปลว่าเป็นมือมือมีเท้าเนี่อ่อนนุม่มเหมือนอะไรเหมือนปุยฝ้าย ทียีตั้งร้อยครั้งเนี่ยนะหมายก็ว่ามันอ่อนนุ่มมากเหมือนสำลีเหมือนกันแเป็นสำลีเป็นร้อยชั้นที่ยีอย่างดีแล้วก็รวมตั้งไว้ในเ น, เนยใสยเหมือนกับว่าเป็นสำลีที่ชั้นชั้นชันชั้นช้ น, นเนี่ยนะบางบางเนี่ยร้อยชั้นแล้วก็ใส่เนยใสพันก็ยุบลงก็นิ่มนวลพราะน logic. ในเวลาพระชนพระองค์เนี่ยพระชนมายุจเจริญอายุมากขึ้นมากขึ้นก็ตามพระหัตถและพระบาทก็อ่อนนุ่มเหมือนเมื่อประสูตร ตอนที่ประสูตินิ้วมือนิ้วเท้าอ่อนนุ่มฉันใดพระองค์นี่มีพระชนมายุมากขึ้นมากขึ้นฝ่าพระหัตฝ่าพระบาทก็นิ่มฉ น, นั้นนั้นพระหัตพระหัตและพระบาทของพระโพธิสัตว์นั้นอ่อนนุ่มอันนี้เป็นลักษณะของพระมหาปุริสลักษณะข้อที่ห้านะสาหรับผู้ที่เป็นมหาบุรุษนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าหยาบกระด้างเหมือนกับ ก, บก ร, รมกำมกรคนใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยนะจับแล้วก็หยาบกระด้างไม่ได้เป็นแบบนั้น เปล ว, ว่าประกาศถึงความเป็นสุขุมาลชาติเนี่ยนะเป็นผู้ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งหกพระองค์นี้มีฝ่าพระหัตถ์และฝ่าพระบาทเนี่ยมีลายดุดตะข่ายก็คือมีลายเหมือนตาข่ายก็คือลา ย, ลา ย, ลายกระดานหมากรุกเป็นต้น น, นะบทว่าชาลหัตตาพาโดความว่าระหว่างพระองค์ุลีเนี่ยนะหนังไม่ติดกันนิ้วเนี่ยไม่ใช่ว่าติดกันเป็นปื้นเหมือนนิ้วเป็ดอะนะไม่ใช่แบบนั้น ขาเป็ดเนี่ยที่มันติดกันเป็นปื้นไปหมดเลยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะองค์เนี่ยเพราะผู้ที่มีนิ้วนิ้วมือนิ้วทัาปื้นอย่างนั้นเขาก็บวชไม่ได้อยู่แล้วพระมหาบุรุษนั้นมีนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นิ้วพระบาทพระบาทเนี่ยทั้งห้าเนี่ยชิดกันคือก็ช่องว่างระหว่างนิ้วเนี่ยมันจะมีอยู่สี่ทั้งสี่นั้นก็งดงามแล้วก็นิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยก็ ถ้าหากว่าเอามาติดกันก็จะติดกันอย่างสวยงามมากแต่ก็มีช่องทั้งสี่ช่องเนี่ยนะอย่างงดงามบอกว่านิ้วของพระองค์เนี่ยนะที่ที่มีลายตาข่ายเนี่ยเช่นกับหน้าต่างตาข่ายอันช่างผู้ฉลาดประกอบไว้ดีแล้วฝ่าพระหัตถ์ฝ่าพระบาทของพระองค์นี้จึงมีลายดุดตาข่ายส่วนข้อต่อไปอีก ข้อเเนี่ยนะพระองค์นี้มีพระบาทเหมือนสังค่ําพระบาทเหมือนสังค่ํามหมายคาอว่าข้อพระบาทตั้งอยู่เบื้องบนพระบาทของพระโพธิสัตว์นั้นจึงเป็นเหมือนกับสังควมพระกระหอยสังที่คว่ําลงอะนะ <overt> เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงมีพระบาทเหมือนสังค่ําจริงอยู่ข้อเท้าของคนอื่นที่อยู่บนหลังเท้าเพราะฉะนั้นเท้าของคนเหล่านั้นจึงติดกันเหมือนติดด้วยสลักกลับกรอกไม่ได้ตามสะดวก เมื่อเดินไปฝ่าเท้าก็ไม่ปรากฏก็คือของคนทั่วไปเนี่ยเวลาเดินเนี่ยความที่ข้อเท้าเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ดีเนี่ยมันมันไม่สมสองไม่สมส่วนเพระนั้นรอยเท้าก็ไม่สวยการเดินก็ไม่สะดวกเนี่ยนะเดินก็ไม่สะดวกเพราะเดินก็ปวดก็เมื่อยไปหมดแต่ของพระพูพ ธ, ธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นข้อพระบาทของพระมหาบุรุษนั้นตั้งขึ้นเบื้องบนฉะนั้นพระกาย ท่อนบนของพระมหาบุรุษตั้งแต่นาพีนะตั้งแต่ท้องเนี่ยนะตั้งแต่ตั้งแต่สะดือขึ้นไปเนี่ยเวลาที่พระองค์พุทธดําเนินหรือเดินไปโดยปกติเนี่ยไม่มีการสั่นเลยเหมือนอไรเหมือนเรือเอ่อเหมือนพระพุทธรูปทองคำเนี่ยนะที่ตั้งอยู่บนเรือไม่มีการสั่นสะเทือนนะความอ่อนนุ่มเนี่ยเดินนะไม่สั่นสะเทือนแต่ว่าพระกายท่อนล่างเนี่ยไหวก็ไหวปกติเนี่ยนะ แล้วก็ตัวพระบาทของพระโพธิสัตว์ก็กลับกรอบไปมาได้อย่างสะดวกเพราะนั้นก็สามารถที่คนทั้งหลายก็สามารถที่จะมองเห็นได้ถนัดต่อไปแข้งนะนะไล่ตั้งแต่ฝ่าเท้าพื้นเท้าลักษณะนิ้วมือนิ้วเท้าก็มาหาแข้งพระชงนยนะรีแล้วก็เรียวดุดเนื้อแข้งเออดุดแข้งเนื้อสายเนี่ยนะไม่ใช่เหมือนนักมวยปล้ำนะ แ, แบบแข้งเนื้อสายก็คือประกาศถึงความงดงาม เอนิชังโคเนี่ยนะมีพระชงเรียวดุจเนื้อสายอธิบายว่ามีพระชงเนี่ยบริบูรณ์ด้วยหุ้มพระมังสะเต็มไม่ใช่วันเนื้อตะโพกติดโดยความเป็นอันเดียวประกอบด้วยพระชงเช่นกับท้องข้าวสาลีท้องข้าวเหนียวอันมังสะที่ตั้งอยู่เสมอกันโดยรอบล้อมอยู่แล้วกลมกล่อมดีแล้วนะัก็คือเป็นคนที่มีแข่งงามแล้วก็คําว่าแข่งนี่รวมทั้งเพลาด้วยเนี่ยนะ แต่ละอย่างก็งดงามส่วนต่อไปเก้าพระองค์สถิตยืนอยู่ก็ไม่ได้น้อมลงหมายความว่ายืนตรงๆเนี่ยนะไม่ต้องก้มตัวลงเนี่ยสามารถเอาฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองเนี่ย ล, ลูบคลาได้ถึงพระชานุนะครว่ายืนยืนอยู่ตรงๆเนี่ยมือลูบเข่าได้เลยบทว่า อ, น โ, อนโนอโนนมันโตก็คือไม่น้อมลงเนนะ อันนี้ประกาศถึงความที่พระมหาบรุษเนี่ยไม่ค่อมไม่ใช่เป็นคนค่อมแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนแคร์ด้วยไม่ใช่เตี้ยแคร์หมายค่ะว่าบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยคอมทางกายส่วนบนเช่นกระดูกไม่สมส่วนในช่วงบนบางคนเนี่ยมีความไม่สมส่วนในช่วงล่างทั้งส่วนช่วงบนและช่วงล่างเนี่ยนะกายเนี่ยถ้าแบ่งเป็นสองช่วงนะช่วงบนกับช่วงล่างของพระมหาบรุษนี้สมส่วนทุกประการ ไม่เหมือนบางคนเนี่ยนะช่วงขาอช่วงตั้งแต่เอวลงไปหาขาเนี่ยบางคนก็ยาวบางคนก็สั้นบางคนเนี่ยตั้งแต่เอวขึ้นมาศีรษะบางคนก็ยาวสั้นไม่สมส่วนแต่ของพระมหาบุรุษนี้สมส่วนเมื่อสมส่วนอย่างนี้เนี่ยนะพระมหาบุรุษนั้นยืนตรงๆเนี่ยมือของพระองค์เนี่ยลูบถึงเข่าได้พอดีเลยคนเอ้มันจะงามหรือบางคนบอกเอเนี่ยถ้าลักษณะอย่างที่กล่าวมาจะงามได้ยังไง ก็นั่นะสิเกิดมาเคยเห็นแต่คนพิการนะไม่รู้ว่าคนสมบูรณ์แบบนี่มันจะเป็นยังไงเนี่ยนะคนที่งามที่สุดนี่เป็นยังไงก็เอาแต่คนพิการมาเปรียบเนี่ยนะก็เลยนึกไม่ออกเอ๊ะคนงามเนี่เป็นยังไงนั่นเองมันเราอย่ามาเปรียบกับคนยุคนี้เลยเนี่ยนะทําบุญมาต่างกันเยอะเนี่ยนะต่างขนาดไหนก็ต่างจากหากคู่ที่่หางจากผู้ที่เป็นมหาบุรุษตั้งสองบันกับปีเพราะฉะนั้นนึกยังไงก็นึกไม่ออกข้างหน้าท่านก็บอกว่า ไม่มีช่างท่านใดสามารถจะปั้นได้เหมือนไม่สามารถจะปั้นได้เหมือนนนี่ต่อไปข้อสิบนะพระองค์มีพระคุยหาเร้นอยู่ในฝกักแปลว่า อ, องค์ชาติของพระองค์นั้นอยู่ในฝกักเหมือนกับโคหรือเหมือนกับช้างเป็นต้นนั่นเองส่วนสิบเอดเนี่ยนะพระองค์มีผิวพันธ์ดุดสีหรือผิวแห่งทองคํา แปลว่ามีหนังคือตาจะคือตาโจเนี่ยหนังประดุจหุ้มด้วยทองเหมือนกับว่าเอาทองแผ่นเนี่ยนะมาปิดด้วยความงดงามบทว่าสวุวรรณวันโนมีสีเป็นสีทองคาความว่าพระมหาบรุษนี้เช่นกับรูปทองแท่งที่คลุกเคล้าด้วยสีแดงเนี่ยฉาดแล้วก็ขัดด้วยเนื้อด้วยเขี้ยวเสือแล้วก็ระบายด้วยดินสอแดงตั้งเอาไว้อันนี้โบราณกรรมวิธีในการตกแต่งทองอะนะ เขาบอกว่าผิวของพระพุทธเจ้าบอกดูทแท่งทองคําชมพูนุ่ละเอียดฉันใดผิวของพระองค์ก็ละเอียดสีงามเหมือนกับแท่งทองคําธรรมชาติบริสุทธิ์เนี่ยนะแล้วต่อไปเนี่ยนะไม่ใช่สีทองเฉยๆแล้วก็หยาบกระด้างไม่ใช่แต่พระองค์มีพระชวีนี่คือผิวที่ละเอียดเพราะความที่ผิวของพระองค์ละเอียดเนี่ยนะฝนทั่วลีละอองจึงไม่ได้ติดอยู่ในพระกายได้ก็อสิบสองว่าอย่างนั้น เพราพวกฝุ่นทุทลีละ อ, องความเศร้าหมองเตือนต้นเนี่ยไม่มาแปดเปื้อนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะถึงมาโดนร่างกายของพระองค์ก็กลิ้งตกลงไปเหมือนกับน้ําที่ตกไปจากใบบัวก็พระพุทธเจ้าทั้งปวงเนี่ยนะาถามว่าเอา้าวถ้างั้นทําไมพระองค์ต้องแปลงฟันด้วยล่ ะ, ะนะหมึกกระวกว์เคี้ยวไม้สีฟันทําไมต้องแปลงฟันทําไมต้องส่งน้ําทําไมต้องล้างพระบาท ก็บอกว่าที่พระองค์ทําอย่างนั้นเพื่อให้ร่างกายได้รับอุณหภูมิเนี่ยนะอุณหภูมิที่เหมาะสมที่เรียกว่าอุตุหรือฤดูหมายความว่าให้ได้สัมผัส ร, ร้อนสัมผัสหนาวสัมผัสเย็นได้รับอุณหภูมิอั น, นที่สมที่เหมาะสมที่ร่างกายทั้งหลายควรจะได้รับและที่พระองค์ส่งน้ําเป็นต้นเนี่ยนะก็เหตุผลหลายๆอย่างก็คือทายกก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนะคนอื่นก็จะได้ทําบุญกับพระองค์ได้ และที่สําคัญก็เป็นหลักการปฏิบัตินั้นแม้กระทั่งพระองค์ล้างพระบาทเป็นต้นเนี่ยล้างพระบาทล้างพระหัตต์อันนี้ก็เนื่องจากว่าพระองค์ประสงค์จะให้ผู้ที่เขาอุปถัมภ์หรือผู้ที่เป็นทายกผู้ที่ทําบุญจะได้รับผลบุญด้วยเพราะนั้นพระองค์จึงชําระพระบาทแล้วก็เข้านะเข้าเนาสนาสนะเป็นต้นแต่จริงๆแล้วผิวของพระองค์นี่ละเอียดไม่ต้องบ้วนปากเนี่ยนะก็ไม่มีสิ่งสกปรกอยู่ในปากดูแล้ว แต่ถึงขนาดนั้นพระองค์ก็บ้วนเพราะเหตุผลว่าเพื่อต้องการอุตุคือความเย็นเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็คือความเย็นและความสดชื่นทางร่างกายอีกอันหนึ่งก็ ค, คือเพื่อบุญของผู้ที่ทําบุญนั่นเองอันนี้ก็เริ่มเกี่ยวกับเรื่องผิวเนี่ยนะเรื่องผิวแล้วต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องเส้นขนตามร่างกายโลมาชาติคือเส้นขนเส้นหนึ่งหนึ่งก็คือขนเนี่ยจะงอกอกอกมาขมละขนขมละขนขมละขนเนี่ยนะขมละเส้นน่ะนะ แล้วก็ที่สําคัญท่านบอก ว, นนนะาาว่าขนเนี่ยนะโลมาชาติโลมะโลมาคืแปลว่าขนเนี่ยนะเส้นขนเนี่ยที่มีปลายช้อยขึ้นข้างบนเส้นขนแต่ละเส้นนี้นมีสีเขียวเหมือนอะไรเหมือนดอกอัญชันแต่ละเส้นนั้นขดเป็นกุนทนทักษินาวัดขนเนี่ยเวียนขวาเนี่ยนะเอจงจริงนะข น, ขนของบางคนนี่เขาเวียนอ่ะนะเคยเห็นเหมือนกันมันดูเวียนเวียนเหมือนกัน แต่นี้แต่ของพระองค์เนี่ยเวียนทั้งร่างกายเลยนะสีเขียวแล้วก็งามตัดกับหนังหนังสีทองเลยนะเนื่องจากว่าพระมหาบุรุษมีโลมาชาติคือขนเนี่ยนะที่มีปลายช้อยขึ้นเบื้องบนตอนปลายเวียนเป็นทักษิณวัด ต, ตั้งอยู่มองดูพระพักงามนะนะแปลว่ามองดูแล้วก็งดงามพระมหาบุรุษมีพระโลมาชาติมีปลายช้อยขึ้นข้างบนไม่ใช่ว่าลูดลงไปข้างล่างนะแต่ช้อยขึ้นบนหมด อันนี้เกี่ยวกับเรื่องโลมาชาติคือเส้นขนนี่ต่อไปเกี่ยวกับ ร, ร่างกายแ่ะเนี่ยนะบางคนเนี่ยงามในรายละเอียดเล็กน้อยแต่ว่าตัวใหญ่ๆนี่ไม่งามแต่ของพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นกายของพระองค์เนี่ยตรงเหมือนกับกายของพรหมนะเหมือนกับกายพรหมะอะบรมอะอบรมอบรมุชุคัตโตความว่าพระหมหาบุุษมีพระวรากายเหมือนกายพรหม เธอมีพระวรากายเนี่ยสูงตรงขึ้นไปทีเดียวซึ่งแต่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายโดยมากย่อมน้อมไปในที่ทั้งสามคือที่คอบางทีเวลานั่งเนี่ยคอตกเลยเหมือนันนะนั่งคอตกบ้างนั่นน ง, ค อ, ง, งคอเอียงบ้างนั่งก็เรียกว่าแทบเหมือนกับ ว, ว่าคอนี่งายขึ้นข้างบนบ้างก็เรียกว่าเหมือนกับแง่หน้าเป็นต้นแต่ของพระหมหาบุรุษเนี่ยจะตรงทั้งหมดเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปเนี่ยมันมีความคดตรงคอตรงเอแล้วก็ตรงเขา่าเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวลายืดเวลาเดินเนี่ยมันก็เหมือนเดินก้มเหมือนกับเดินหงายนะ ก, ก็ก็เคยเห็นคนเดินอยู่แล้วนะบางคนก็เหมือนกับเดินงอแงนั้นบางพวกก็มีร่างกายสูงบางพวกก็คดบางพวกก็แงนหน้าเที่ยวไปเหมือนจะเดินนับดาวอย่างนั้น บางพวกมีเนื้อและเลือดน้อยเป็นก็เหมือนกับโรคเป็นโรคเสียท้องบางคนก็เหมือนเหมือนกับเดินง้อมหรือเดินก้มไปข้างหน้าเดินตัวสั่นแต่ของพระมหาบุรุษไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยตรงทีเดียวประมาณเท่าส่วนสูงเหมือนอะไรเหมือนเสาทองคำที่ยกขึ้นในเทพนครเนี่ยนะนั้นเรียกว่าตั้งแท่นเหมือนกายพรหมะนะก็คล้ายกับเทวรูป สิบหกมีพระมังสะเต็มในที่เจ็ดสถานเนื้อเต็มในที่เจ็ดแห่งเจ็ดแห่งก็คือมีเนื้อบริบูรณ์เจ็ดแห่งก็คือหลังพระหัตถ์ทั้งสองอ น, นะไม่ใช่มองเห็นกระดูกไปหมดเลยนะแล้วก็หลังพระบาทหมายคว่าหลังพระบาทหลังเท้านะหลังเท้าทั้งสองก็เนื้ออูมบริบูรณ์จะงอยบ่าก็ไม่ใช่บุ๋มลงไปนะก็งามแล้วก็ลำพระศอก็ไม่ใช่ว่า อ่าไม่งามนะลำพรศอกเกลี้ยงกลมมพนั้นเรียกว่าเต็มในที่เจ็ดสถานเพราะฉะนั้นเอของพระองค์นั้นไม่ปรากฏเป็นเส้นเลือดไม่เหมือนกับคนทั่วๆไปใช่ไหมเห็นเส้นเลือดเห็นเหมือนกับกระดูกนะเรียว่าหยิบมือขึ้นมองก็เรียกว่ามองแทบจะมองเห็นกระดูกอยู่แล้วเนี่ยนะบางคนก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเหมือนกับมนุษย์เปรตยอยงั้นแต่ของพระมหาบุรุษไม่เป็นอย่างนั้นก็ดูงดงามนะ บางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมองเห็นเส้นเลือดแทบจะมองเห็นโครงกระดูกไปทุกทุกส่วนไปหมดนะแต่ของพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นปรากฏเหมือนรูปศิลาและเหมือนกับรูปปั้นที่งดงามส่วน17เดเนี่ยนะสิบอกว่าเกี่ยวกับพระองค์นี้มีกึ่งพระกายท่อนบนเหมือนกึ่งกายท่อนหน้าของราชสีนะถ้าดูดีๆก็เหมือนกับบอกว่าสีหปุพพกายู หมายเขาว่าพระมหาบุรุษมีกึ่งกายท่อนบนเหมือนกึ่งกายท่อนหน้าของราชสีเพราะฉะนั้นพระมหาบุรุษจึงชื่อว magic. ่ามีส่วนพระวรกายเบื้องหน้าเหมือนกึ่งกายเบื้องหน้าแห่งราชสีเพราะว่ากายเบื้องหน้าของราชสีนี่บริบูรณ์แต่ข้างหลังนี้ไม่บริบูรณ์ข้างหลังเนี่ยไม่ไม่สวยนะราชสีนี่ส่วนหน้านี่สวยก็พระวรกายทั้งหมดของพระมหาบุรุษดุดกายเบื้องหน้าของราชสี แม้พระวรกายของมหาบรุษก็เหมือนกับกายของราชสีก็คือย่อมไม่ตั้งอยู่สูงสู ง, สงต่ำตำ่ด้วยสามารถแห่งความฟูและแฟบเป็นต้นก็หมายความว่าเหมาะสมส ม, ส, มส่วนงดงามนะพันที่ไหนควรจะยาวที่นั้นก็ยาวที่ไหนควรจะสั้นก็สั้นที่ไหนควรจะล่ําก็ล่ําตรงไหนควรจะเรียวก็เรียวตรงไหนควรจะกว้างก็กว้างตรงไหนควรจะกลมก็กลมดังที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย พระมหาบุรุษทรงปลื้มพระไทยนักแลเมื่อผลกรรมปรากฏนะทาให้สุ้ดทรงนิ่งดงามเพราะอวัยวะส่วนใดยาวอวัยวะส่วนนั้นย่อมตั้งอยู่ยาวทรงงดงามเพราะอวัยวะส่วนใดสั้นอวัยวะส่วนนั้นก็ย่อมตั้งอยู่สั้นพระองค์นั้นทรงงดงามเพราะอวัยวะส่วนใดล่ําอวัยวะส่วนนั้นก็ตั้งอยู่ล่ําทรงงดงามเพราะมีอวัยวะส่วนใดเรียวอวัยวะส่วนนั้นย่อมตั้งอยู่เรียว ทรงงดงามเพราะอาวัยวะส่วนใดกว้างอาวัยวะส่วนนั้นย่อมตั้งอยู่กว้างทรงงดงามเพราะอาวัยวะส่วนใดกลมอวัยวะส่วนนั้นก็ย่อมตั้งอยู่กลมก็แปลว่าตรงไหนควรจะยาวควรจะสั้นควรจะล่ําควรจะเร็วควรจะกว้างควรจะกลมแต่ละอย่างนั้นก็เหมาะสมและสมควรที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าอัตภาพร่างกายของพระมหาบุรุษนั้นสะสมไว้ด้วยทานเป็นอันมาก สะสมบุญไว้ด้วยบุญเป็นอันมากเนื่องจากว่าเป็นสริระที่ได้รับการตระเตรียมมาด้วยบารมีทั้งสิบคือบารมีเนี่ยทั้งสิบที่พระองค์ได้ให้มาตกแต่งนะสริระร่างกายที่ตกแต่งด้วยฐานะบารมีตกแต่งด้วยศีลบารมีตกแต่งด้วยเนคขัมมะบารมีเป็นสริระร่างกายที่ได้รับการตกแต่งด้วยปัญญาบารมีวิริยะบารมีเนี่ยนะขันติบารมีสัจจะอธิฐานเมตตาและ อุเบขาบารมีทั้นบารมีทั้งสิบนั่นแหละเป็นตัวมาคอยตกแต่งสรีระท่านศิลปินทั้งปวงหรือว่าผู้ที่ออกแบบทั้งหลายเนี่ยหรือผู้มีฤทธิ์ทั้งปวงในโลกไม่สามารถจะสร้างรูปเปรียบได้แม้แต่พญามารท่านบอกว่าท่านก็ไม่สามารถเนรมิตให้เหมือนให้เหมือนได้นะนะท่านท่านทําไม่ได้พญานาท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่สามารถทําให้เหมือนได้แต่ก็พอให้ดูเป็นแนวกว็แล้วกันนะ เบอกว่าถึงขนาดว่าสร้างไม่เหมือนอย่างงดงามขนาดนั้ น, นผู้ที่ได้พบได้เห็ น, นนะก็เรียกว่าได้เห็นพระองค์นะว่าเป็นบุญตาแล้วเนี่ยนะเรียกว่าเป็นทัศนานุตรยะเพราะการเห็นบุรุษผู้ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างสูงสุดเนี่ยนะเพราะว่าผู้ใดก็ตามที่มองอพระองค์ด้วยความชื่นชมนนะในบุญบารมีที่พระองค์สร้างสมมาในพุทธสรระที่บุญตกแต่ง แล้วก็เป็นสรีระที่ส่งไว้ซึ่งพระคุณอันหาประมาณไม่ได้ก็เป็นเหตุแห่งประโยชน์และความสุขแก่ผู้ที่มองด้วยจิตใจที่ชื่นชมเนี่ยนะต่อไปสิบแปดเนี่ยนะมีระหว่างพระอังศาเต็มคําว่าระหว่างพระอังสาก็คือพระมหาบุรุษนี้มีอังศาเนี่ยเต็มบริบูรณ์ก็คือบ่าเนี่ยอังสาก็คือจงอย่าคือบ่าเพราะเหตุนั้นพระมหาบุรุษมีระหว่างพระอังสาเนี่ยเต็ม อันที่จริงฐานะนั้นของคนพวกอื่นนี่บุม๋มหลังและเท้าทั้งสองของก็ปรากฏเฉพาะตัวแต่ของพระหมหาบุุษพื้นพระมังสาตั้งแต่บั้นพระองค์จนถึงพระศอขึ้นไปปิดพระปริสดางตั้งอยู่เหมือนแผ่นกระดาทองที่ยกขึ้นไว้เนี่ยนะคือถ้าดูจากข้างๆ ข, ข, ขึ้นบนเนี่ยนะตั้งแต่ส่วนส่วนหลังอะ่ะส่วนหลังบ้างส่วนหลายๆด้านะนะโดยเฉพาะส่วนด้านหลังเนี่ยงดงาม ไ ล, ไล่ตั้งแต่คอจดเท้าเนี่ยนะงามหมดเลย19มีปริมนทนดุจเรียว่ามีปริมนทลดุจไม้ใสหรือไม้นิโครธหมายความว่าวาของพระองค์เท่ากับพระกายพระกายของพระองค์เท่ากับพระวาของพระองค์เรียกว่ากายเสมอกับวาวาเสมอด้วยกับร่างกายเนี่ยนะ อธิบายว่าบทว่านิโครทะปริมันโลคือพระมหาบุรุษมีปริมณฑลเนี่ยดุดต้นใส่ต้นนิโครธอธิบายว่าพระมหาบุรุ ษ, มรมรษแม้โดยพระวรกายแม้โดยประพยายามประมาณเท่ากันเหมือนใดเหมือนต้นใส่ที่มีลำต้นและกิ่งเสมอกันความสูงกับความกว้างเนี่ยของต้นใส่เนี่ยเท่ากัน เพราะจะเป็นห้าสิบอกก็ตามร้อยศอกก็ตามย่อมมีประมาณเท่ากันส่วนยาวและส่วนกว้างนะส่วนกายของคนอื่นนี้ไม่เท่ากันกายเคยวัดหน้าว่าของตัวเองแล้วมาวัดส่วนความสูงเนี่ยโดยมากไม่เท่ากันบางคนก็สั้นบ้างบางคนก็ยาวเกินบ้างแต่ของพระมหาบุตรนั้นเท่ากันว่ากายก็เท่ากับวาวาก็เท่ากับกายกระวสมส่วนวัดได้เหมาะสมและก็สมส่วนทุกประการ ยี่สิบพระองค oh ์นี้มีลำพระสอนเนี่ยกลมเท่ากันเนี่ยนะลำคอของพระองค์เนี่ยเท่ากลมงามนะตั้งแต่ส่วนล่างและส่วนบนเนี่ยกลมกลึงงามเพราะว่าบางคนนี่มีลำคอยาวบางคนเนี่ยลำคอเนี่ยคดบางคนเนี่ยลำคอเนี่ยหนาบางพวกก็เหมือนนกกระเรียนบางพวกก็เหมือนนกกระยางบางคนก็เหมือนหมูเพราะเวลาพูดบางคนเนี่ยเอ็นก็เหมือนกับตาขายปลากดเรียกว่าบางคนเนี่ยเรียกว่าเส้นเอ็นเนี่ยออกมาเพราะน บางทีก็เสียงก็ออกมาแหบแต่ของพระมหาบุรุษไม่เป็นอย่างนั้นลำสอของพระมหาบุรุษเช่นกับกลองทองที่เขาเกรงไว้ดีแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเหมือนกลองพันที่เวลาพี่พระองค์ตรัสเนี่ยนะเอ็นเป็นตาข่ายก็ไม่ปรากฏพระสุรเสียงของพระองค์นี่จึงก้องดุดเสียงเมฆกระหึ่มนะก็คือคือเนื่องจากว่าไม่ใช่บางคนเวลาพูดเนี่ยนะโหเส้นเอ็นเนี่ยนะ เส้นเอ็นบ้างเส้นเลือดฝอยเอเส้นเลือดต่างๆก็แหมออกมาหมดเลยหรือลูกก็เดือกอะไรเป็นต้นก็ปรากฏแต่ของพระองค์นั้นไม่มีเป็นแบบนั้นต่อไปนะไลต่ตั้งแต่ตั้งแต่เท้ามาจนถึงยั้ยตั้งแต่เท้ามาถึงเข่าอะไรไล่ามาจนถึงคอแล้วทีนี้ต่อไปเกี่ยวกับช่องปากบ้างลิ้นที่ปลายลิ้นเนี่ยนะที่แผ่นลิ้นของพระองค์เนี่ยเส้นประสาทสําหรับนํารสมาดีก็แสดงว่าลิ้นของพระองค์นี่บางแดง เป็นลิ้นที่สามารถรับรสได้เป็นอย่างดีแปลว่าสา อ, อาหารที่วางแตะปลายลิ้นเท่านั้นแหละแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายแปลว่าเป็นคนที่ทานอะไรก็อร่อยหมดเนี่ยทั้นเส้นประสาทสําหรับนํารสอาหารของพระมหาบุรุษนั้นชั้นเลิศพระมหาบุรุษจึงเป็นผู้มีปลายเส้นประสาทสําหรับนํารสอาหารอันเลิศได้ยินว่าพระมหาบุรุษมีเส้นประสาทสําหรับนํารสอาหารประมาณเจ็ดพันเส้น มีปลายขึ้นเบื้องบนแล้วก็รวมกันที่ลำพระศอนั่นเองพรกยอาหารแม้เพียงเมล็ดงาตั้งอยู่บนปลายพระชิวหาก็แผ่ทั่วแผ่ซ่านทั่วร่างกายทุกส่วนของพระองค์กระอาหารแตะปลายลิ้นนี่อร่อยหมดเลยเพราะฉะนั้นพระมหาบุตรเนี่ยเริ่มตั้งความเพียรอันยิ่งใหญ่หรือมหาประทานเนี่ยนะพระองค์จึงสามารถให้ร่างกายเนี่ยเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารเท่ากับข้าวสารเมล็ดเดียวขนาดของอาหารเท่าข้าวสารเมล็ดเดียวนี้ก็อยู่ได้ เพราะอะไรเพราะเส้นอาหารที่รับรถเนี่ยมันเอาสามารถเอาไปหล่อเลี้ยงได้เป็นอย่างดีด้วยเพียงผักดองฝายมือหนึ่งบ้างหมายความว่าอาหารแม้กระทั่งว่าผักดองก็ได้เนี่ยนะเท่ากับว่าเราอุ้งมือเดียวเนี่ยนะก็ก็อยู่ได้แล้วแต่ของคนอื่นไม่เป็นอย่างนั้นนะนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาหารก็ไม่ได้แผ่ไปทั่วร่างกายได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นจึงมีโรคมากแต่ของพระองค์ไม่ใช่เป็นคน ที่โรคเป็นต้นเลยก็ทําบุญมาดีนะทําบุญมาดีก็ทําให้บริโภคอาหารอร่อยแล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรยีสองพระองค์นี้มีพระหานุคือคางดุจคางราชสีบทว่าพระหานุคือคางของพระมหาบุรุษดุจคางราชสีเพราะเหตุนั้นพระมหาบุรุษจึงมีพระหานุคือคางเนี่ยดุจคางราชสี คางราชสีเนี่ยนะคางท่อนล่างบริบูรณ์ท่อนบนไม่บริบูรณ์พระราชสีเนี่ยไม่บริบูรณ์แต่ของพระมหาบุรุษนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งสองข้างทั้งข้างล่างและข้างบนเหมือนใดเหมือนพระจันทร์ในวันขึ้นสิบสองค่าเคยดูพระจันทร์ขึ้นสิบสองค่าเนี่ยนะก็คือแปลว่าคางเนี่ยกลมงามเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นสิบสองค่าทีนี้ในช่องปากเอกเนี่ยนะในช่องปาก พระองค์นี่มีพระทนคือฟันเนี่ยสี่สิบซี่ทั้งสี่สิบซี่นี่ก็เรียบเสมอกันไม่ใช่มีสูงสูงตำๆทั้งสี่สิบซี่ก็ไม่ใช่ว่าห่างกันซะจนหน้าเกลียดเนี่ยนะแต่นี่แค่เรียกว่าเหมาะสมดีสำหรับฟันสี่สิบซี่ข้างบนยี่สิบข้างล่างยี่สิบเนี่ยนะของพวกเราทั้งหลายโดยปกติก็มีสามสิบสองซี่เนี่ยนะสมสิบสองซี่ก็ต้องอีี่ซี่ที่งอกมาทีหลังก็ไม่รู้มาทำให้หมอมี งนี่งานดำมันก็มีพวกตันตแพทย์คอยพาออกเนี่ยนะแตถ้าไม่พ่านี่สร้างความเดือดร้อนมหาศาลมันงอกมามันก็ไม่ได้งอกขึ้นตรงมันดอกมาชนพวกชนฟูงก็หมดอนะก็ต้องพาตัดต้องเอาออกอ่ะจะปวดกันอ่ะนะแต่ของพระองค์เนี่ไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นสม่ำเสมองดงามทั้งสี่สิบสี่อของบางคนเนี่ยฟันนี่สูงสูงต่ำต่ใช่ไหมแต่ของพระองค์เนี่เสมอเรียบกันไปหมด ฟันของคนอื่นบางทีเนี่ยก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับฟันห่างเหมือนฟันจอร์เขนหรือเหมือนกับเขี้ยวปลาที่มันแบบแหมอะไรนะมันโคนเนี่ยใหญ่ปลายเนี่ยมันแหลมแบบนั้นนะะแบบฟันของผู้โหดเหี้ยมทั้งหลายเนี่ยพร้อมที่จะกัดเป็นต้นพระองค์ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ฟันของบางคนนี่ก็ฟันเสียฟันเน่าฟันดําฟันไมมมีสีแต่ฟันของพระองค์นี่ขาวสะอาด เนี่ยนะเขรีว่างดงามเหมือนดาวประกายพรึกเหมือนเหมือนมุกเหมือนอะไรเนี่ยนะเหมือนดาวงดงามบางคนก็มีแต่โรคฟันนะนะะเดือดร้อนก็เรื่องฟันปวดฟันเจ็บฟันเมื่อยนะะฟันหลุดฟันหักถอนฟันทําฟันโอ้เกี่ยวกับฟันฟันั่นแหละให้หมอฟันมาเล่าให้ฟังโอ้โหสุดยอดเลยพ่างั้นเกี่ยวกับเรื่องฟันฟันนยความปฏิกูลไม่ได้เล็กน้อยเลยในนะชช่องปากเนี่ยนะ ต่อ ไ, ไปสําหรับพระเขี้ยวทาตะคือเคี้ยวเนี่ยขาวแล้วก็งามยี่สิบเจ็ดนี้พระองค์มีพระชิวหาเนี่ยใหญ่แผ่นลิ้นของพระองค์นี่ใหญ่ปะหุตะชิวโหยี่สิบเจ็ดนะบทว่าปะหุตะชิวโหก็คือพระองค์เนี่ยมีพระกุมานี่มีพระชิวหาใหญ่คือลิ้นของคนเราเอิรดเนี่ยบางคนเนี่ยลิ้นเนี่ยหนาบางคนเนี่ยลิ้นเนี่ยเล็กบางคนกับลิ้นสั้นบางคนลิ้นกระด้าง ไม่มีความสม่ำเสมองดงามแต่ชิวหาของพระมหาบุรุษเนี่ยอ่อนยาวใหญ่แล้วก็สีสวยเนี่ยนะพระกุมาร น, นั้นเมื่อปลดเปลื้องความสงสัยของผู้ที่มาเพื่อสแสวงหาลักษณะเพราะอะไรพระชิวหาของพระองค์เนี่ยอ่อนพระองค์ก็สามารถเลบลิ้นเลบชิวหานั้นอะ่ะดุดของแข็งที่สะอาดแล้วก็ลูบช่องพนาสิษ์ทั้งสองได้แล็บลิ้นเหมือนกับทํำลิ้นให้เป็นเหมือนกับมว้วนแล้วก็เรียกว่า สอดเข้าไปในช่องจมูกได้แล้วก็ยาวถึงขนาดไหนคะเราว่าแลบลิ้นไปถึงหูได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าหนาเละเนอะเต็มปากอะไรไม่ใช่พูดแล้วพูดอยากแท้นเนี่ยนะไม่ใช่แต่ลิ้นใหญ่แล้วก็บางเนี่ยนะเรียกว่าแล้วก็ความใหญ่เนี่ยนะสามารถแผ่ขยายให ญ, ใหญ่สามารถเรียกว่าปิดหน้าผากได้อ่ะอ่านะเรียกว่าแลบลิ้นถึงโน่นอ่ะเส้นผมได้นะั่นแหละ ไม่ใช่ผมยาวนะหมายว่าปกติเรียบไ ด, ได้พันพระองค์นี้จึงมีลิ้นที่อ่อนยาวแล้วก็ใหญ่แล้วก็บางเหมือนกลีบบัวว่างั้นเถอะพันถ้าถ้าสามารถแผ่ขยายให้บางเหมือนกลีบบัวไอไอความสามารถอันนี้ทําให้พระองค์เนี่ยพูดได้เพราะมา ก, ก น, นะเพราะลิ้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของเสียงอนี้ยเป็นฐานของเสียงเป็นเครื่องมือที่ในการแต่งเสียงออกมามันมี ลิ้นมีริมฝีปากมีเพดานมีปุ่มเมือกเนี่ยนะแล้วก็มีตัวคอแล้วก็มีตัวอกเป็นต้นพวกนี้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเสียงหมดฉั้นคนที่มีสรีระร่างกายไม่สมส่วนเสียงมันฟังแล้วน่ารำคาญอย่างนั้นเ่ยเป็นเสียงที่ไม่เพราะเป็นเสียงที่ไม่น่าฟังแต่เนื่องจากว่าเกี่ยวกับระบบช่องปากเนี่ยนะตั้งแต่ริมฝีปากไล่เข้าไปภายในเนี่ยเหมาะสมสมส่วนจึงเป็นเหตุให พระองค์เนี่ยเสียงเหมือนกับเสียงพรมันยพระองค์มีพระสสระเสียงดุดเสียงแห่งพรมพระองค์นั้นตรัตมีสำเนียงเสียงดังไพเราะเหมือนนกกระเวกคำว่าเสียงพรมเนี่ยนะคือเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์8เป็นเสียงที่แจ่มใสเป็นเสียงที่ฟังแล้วก็เข้าใจง่ายเป็นเสียงที่ไพเราะเป็นเสียงที่น่าฟังเป็นเสียงที่หยดย้อยอ่านะก็เรียกว่าเสียงหวานเหมนกันเถอะเป็นเสียงที่ไม่แตกพร่าเป็นเสียงที่ลึก แต่ก็เสียงที่กังวาลมันพระองค์นั้นมีเสียงเหมือนเสียงพรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นเสียงที่ฟังแล้วไม่เบื่อมีหน้าพระนลยังชอบฟังมากเลยแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าติดในเสียงนะติดในเนื้อหาด้วยเสียงก็เพาะเนี่ยนะสำเนียงก็ไม่ใช่ว่าขัดขาดหายหาเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดับสูงๆต่ำๆฟังแล้วก็น่ารำคาญบอกไม่ะเสียงก็เพาะเพราะเป็นเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์แปดเหมือนเสียงพรมสำเนียงที่ตรัสก็ ต่อเนื่องเหมือนกับนกกระเวกเนี่ยนะพั้นผู้ที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าโดยมากไม่ง่วงนะนะอาจจะมีบางคนมีบ้างแต่ก็รวมๆแล้วคนที่มีสติสัมปชัญญะดีอดีตชาติไม่เคยเกิดเป็นงูขี้หลับเนี่ยนะก็พอที่จะฟังติดตามเนื้อหาในพระธรรมคําสอนของพระองค์ได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลเนี่ยนะทำให้พระองค์เนี่ยแสดงธรรมแล้วสัตว์ทั้งหลายตรัสรู้ได้ง่าย ทำไมจึงยกตัวอย่างว่าเสียงพรมก็เพราะว่าเสียงพรมนั้นเป็นเสียงที่แจ่มใสเป็นเสียงที่เพาะเพราะ อ, อะไรเพราะไม่เกลือด้วยน้ําดีและเสมหะเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพูดไปก็ขาดเสลต์ไปไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าไม่เกลือกล้วด้วยน้ําดีเป็นเสียงที่ไม่มีเสมหะมาแปดเปื้อนฉันใดกรรมของพระมหาบุตรก็ทําแล้วทําให้วัตถุของพระองค์นี่สะอาดเพราะนั้นเสียงของพระองค์นั้นเป็นเสียงที่เกิดจากวัตถุที่บริสุทธิ์ เป็นเสียงที่ว่าอาศัยไล่ไปตั้งแต่ท้องขึ้นมาเลยเนี่ยนะจริงๆก็คำว่าท้องก็หมายถึงกระบังลมเนี่ยนะเพราะว่ากระบังลมเป็นตัวตัวฐานทำให้เกิดเสียง เ, ยเป็นตัวดันขึ้นเนี่ยนะดันขึ้นแล้วก็ปอดเนี่ยนะก็ไล่ช่วยมาหลายๆอย่างทำให้เส้นเสียงแล้วก็ระบบสายระบบของเสียงะนะที่เปล่งออกมาดังอย่างที่ดังๆกันอยู่นี่มีองค์ประกอบหลายอย่าง แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีบุญเนี่ยนะไม่มีบุญเนี่ยทำให้เสียงพร้อมที่จะมีปัญหามีปัญหาของเสียงที่สังเกตจากอะไรนะพูดอะไรแล้วไม่มีใครสนใจฟังเลยนั่นแหละแปลว่าถ้าเสียงดีจริงใครก็ใครก็อยากฟังในชะ่ไหมแต่เสียงแหมพูดคำหนึ่งขึ้นมาว่าน่าราําคาญน่าราําคาญเงียบๆหน่อยได้ไหมอย่างนี้นะก็แสดงว่าบุญไม่ดีเนี่ยนะหนึ่งเสียงอาจจะดีแต่ว่าเนื้อหามไม่ได้เรื่องเป็นต้นก็ต้ององค์ประกอบอนะ ทั้งทั้งเสียงด้วยเนื้อหาด้วยแต่นี้พูดถึงตัวเสียงเสียงของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะจึงเป็นสําเนียงเหมือนนกกระเวกเนี่ยนะหมายถ้าว่าเป็นเสียงที่ก้องไพเราะต่อเนื่องสนองเหมือนกับนกกระเวกเป็นเสียงที่น่าชื่นชมคนได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าสําเนียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยเลิกทําอย่างอื่นเลยนั่งฟังอย่างเดียวว่ากันไม่มีเรื่องอื่นน่าสนใจกว่านี้อีกแล้วนะ แล้ก็เป็นคนรูปงามแล้วก็เสียงเพาะเนี่ยนะแล้วก็ที่สําคัญถ้าหากว่าโดยเอาเบญจา ก, กามมาคุณก็เป็นคนที่ไม่มีกลิ่นตัวงั้นนะไม่มีกลิ่นตัวแล้วก็อะไรนะสัมผัสก็นิ่มเหมือนอะไรเหมือนสัมลีใช่ไหมคนประเภทนี้แสดงว่าทาบุญมามากนี่ดวงตาละ่ะยี่สิบเก้าพระองค์มีพระเนตรดําสนิทตาของพระองค์นั้นดําสนิท คําว่าดําสนิทนี่มันจะวาดดาทั้งลูกเลยนะดำทั้งกัทั้งลูกกับตาเหมือนก็นเอาพลอยสีพลอยสีดําไปใส่ลงไม่ใช่แบบนั้นพลอยสีนินสีดําไปวางแบะลงไปไม่ใช่เพราะอะไรเพราะพระเนตรของพระกมารนั้นประกอบด้วยสีเขียวที่บริสุทธิ์ยิ่งนักเช่นกับดอกสามหาวเฉพาะในที่ที่ควรเขียวอ่ะนะคำว่าดํำหมายว่าสีออกเขียวๆอ่ะนะตรงไหนที่เหลืองก็ก็เหลืองเช่นกับดอกกันนิกาตรงไหนที่สีแดงก็แดงเช่นกับ ดอกฉบาตรงไหนขาวก็เหมือนกับดาวประกายพฤกตรงไหนก็ดำก็ดำเหมือนกับลูกประคำดีควายฐานพระเนตรของพระองค์เนี่ยเหมือนกับสีหบัญชรแก้วก็เหมือนกับหน้าต่างแก้วที่เผยออกแล้วในวิมานทองก็แปลว่าลืมตาที่งดงามที่สำคัญดวงตาของพระองค์นั้นเหมือนลาสามสิบมีดวงพระเนตรกลมเนี่ยนะดูเหมือนตาโคเหมือนตาของลูกโคดะนะ ตาของลูกโคบอกลูกโคนี่มีอยู่สองกลุ่มลูกโคดำธาตุนาะกับของลูกโคแดงที่ผ่องใสอธิบายว่าพระองค์นั้นมีพระกุมารเนี่ยมีดวงเนตรเช่นกับโคแดงอ่อนเนี่ยนะซึ่งเกิดได้คู่เดียวดวงตาของคนอื่นไม่บริบูรณ์ถ้าตาคนทั่วไปบางคนเนี่ยถลนออกมานอกบ้างบางคนนี่ลึกเข้าไปบ้างบางบางคนเนี่ยตาเหมือนช้างตาเหมือนหนูตาเหมือนประดุกตาเหมือนอะไรก็ว่ากันไปแต่ของพระองค์เนี่ย ความที่บุญสังสมเนี่ยดวงตาของพระองค์นั้นดูอ่อนสนิทดําละเอียดดูดแก้วมันีกลมอ น, นะเข้าอ่ะค่ะว่าที่เขาล้างแล้วก็ตั้งเอาไว้อย่างดีขัดแล้วก็ตั้งเอาไว้อย่างดีก็แปลว่าเป็นผู้ที่ตางามมากะนะค่ะว่าดูตาก็ดูไม่เบืล์พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ว่าดูส่วนไหนก็ดูได้เพรั้นพระพิสุสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกคนจะนั่งนิ่งแล้วก็ดูพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ก็ดูพระมหาปริศลักษณะทำให้จิตเนี่ยของเขาโคจรไปในพุทธคุณเนี่ยได้มาก น, นะเห็นพระรูปฟังเสียงเนี่ยนะติดตามพระธรรมที่พระองค์ทรงประกาศนั้นเขาเหล่านั้นเนี่ยก็ได้อะไรนะศรัทธาก็ยิ่งเจริญขึ้นสัตทินศีก็มีกำลังมั่นคงในพระรัตรนะตรายวิริยรีเนี่ยนะเห็นประโยชน์ของพระธรรมที่พระองค์สอนเขาก็ภาคเพียรในการเจริญกุศลและ ละอากุศลนะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีสติตั้งมัน่นมันบุคคลที่อยู่ใกล้พระองค์ก็ทําให้เป็นผู้ที่ไม่เผลอเป็นผู้ที่ดํารงอยู่ด้วยสตินี้พระองค์เป็นผู้ที่มีจิตใจที่สงบเพราะฉะนั้นบุคคลใดเข้าใกล้ของพร ะ, พระองค์เนี่ยนะทำให้จิตใจสงบแม้กระทั่งว่าคนที่สูญเสียจากวัตถุอันเป็นที่รักเป็นต้นที่จิตใจเร่าร้อ น, ร, นรําคาญเดือดร้อนลําบากกายลําบากใจแต่พอเห็นพระพักของพระองค์ก็ทําให้ สงบใจเนี่ยทำให้สงบใจมีความสุขไปมันก็พระองค์เป็นผู้สั่งสมบุญนะเพื่อที่จะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความสุขมันสัตว์ทั้งหลายจะมีความสุขเกี่ยวกับพระรูปพระเสียงเป็นต้นหรือพระธรรมที่พระองค์ตรสัสปฏิบัติตรัสรู้ที่พระองค์ประกาศมั้นพระองค์ช่วยเขาได้ทุกทุกคือว่าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลต่อศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญา สิ่งใดที่จะเกื้อกูลต่อคุณงามความดีบุญกุศลพระองค์ก็สั่งสมบุญเพื่อให้บริบูรณ์ด้วยสิ่งล้านั้นพระองค์ก็ช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายได้นี้สําหรับพระอุณาโลมนะนะตรงที่หน้าผากก็คือมีอะไรมีพระอุณาโลมบังเกิดน่าระวางแห่งพระขนงขนงก็คือคิ้วอะนะตรงตรงตรงช่วงหน้าผากข้างบนนั่นแหละมีสีขาวอ่อนเปรียบเหมือนอะไรปุยนุ่นเหมือนกับนุ่น บทว่าอุณาก็คืออุณาโลมเรียกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าผากอ่ะนะก็เหมือนกระเจิมด้วยสีขาวว่างั้นเถอะเกิดที่สุดพระนาสิกห้ามกลางหมายาว่ถ้าไล่ตั้งแต่จมูกก็คือไล่ตั้งแต่จมูกก็ขึ้นบนอ่ะนะตรงในส่วนของจมูกระหว่างคิ้วทั้งสองท่ามกลางหน้าผากเป็นสีขาวเนี่ยบริสุทธิ์เหมือนดาวประกายพลิ้แล้วก็อ่อนเช่นกับใยฝ้ายที่เชียไว้เป็นอย่างดีเป็นร้อยครั้งเนี่ยอ่อนนุ่ม ก็เหมือนสำลีแล้วกันครับสีขาวเหมือนอะไรเหมือนแผ่นกระดานเ อ, อเหมือนสีเงินอ่ะนะเหมือนดาวประกายพรึกแล้วก็ประทับอยู่ที่หนาผาที่เป็นสีทองอ่ะนะสำหรับ อ, อ, อันสุดท้ายก็คือมีพระเศียนดุดประดับด้วยกรอบพระพักเสียรที่กรอบเนี่ยนะก็คือตั้งเหมือนกับกรอบหน้าที่งดงามอ่อ เรียว่าสมส่วนมากเลยนะส่วนหน้าผากควรจะแค่ไหนส่วนอตรงข้างหูซ้ายข้างหูขวาตรงช่องเนี่ยนะก็เราว่าหน้าตาเนี่ยสมส่วนเหมาะสมงดงามอธิบายเรียกว่าพระอะไรนะกรอบพระพักเนี่ยนะบอกว่าความที่พระนราชคือหน้าผากบริบูรณ์ความที่พระเสียนคือศีรษะบริบูรณ์เพราะว่าพื้นที่พระมังสะคือเนื้อของพระหมหาบุรุษนูนตั้งแต่หมวก คือหมวกหูเนี่ยนะหมวกพระกันทั้งข้างขวาเนี่ยปกพนาลาดทั้งสิ้นเนี่ยบริบูรณ์กระว่า ง, งามไปจนถึงโน่นน่ยพระกันซ้ายเนี่ยนะถ้าเรียกว่าดูตั้งแต่หูขวาไปทางหูซ้ายเนี่ยขอ ง, งามได้ยินว่าชนทั้งหลายเห็นลักษณะนี้ของพระมหาบุรุษได้กระทาแผ่นพระอุณาหิตสําหรับพระราชาทั้งหลายอันนี้เขาเรียกตัวอย่างว่าทําไมพระราชาจะต้องมีกรอบพระพักนะกรอบพระพักเวลาที่ที่อภิเสกเนี่ยจะต้องสวมสวมอะไรสวมกรอบพระพักนะ สวมเพื่อความงดงามจริงๆก็คือจะได้จะได้ดูสมส่วนนั่นเองเพราะว่าบางคนเนี่ยคางบิดคางเบี้ยวอันะหน้าบิดหน้าเบี้ยวมีความไม่งดไม่งามเนี่ยของพระองค์เนี่งดงามเพราะอะไรเพราะบางคนเนี่ยศีสระเหมือนศีรษะลิงก็คือดูแหลออกขึ้นแหลมๆใช่ไหมบางคนก็เหมือนกับผลไม้บางคนก็เหมือนกับหัวช้างบุ๋มลงไปบางคนก็เหมือนอะไรเหมือน เหมือนหม้อบ้างบางคนก็เหมือนเงื้อมภูเขาบ้างอะนะโผล่หน้าโผล่หลังยุบหน้ายุบหลังเป็นต้นแต่พระมหาบุรุษมีพระเศียงเช่นกับฟองน้าบริบูรณ์ดีหมายว่าเหมือนกับงดงามะนะลักษณะโค้งเหมือนกับต่อมน้าที่ฟองขึ้นนะ่ะเช่นกับฟองน้าบริบูรณ์ดุดม้วนด้วยปลายเข็มตั้งเอาไว้ในสองนายนั้นในยะแรกพระกุมารมีพระเศียรดุด พระเศียนประดับด้วยกรอบพระพักเพราะฉะนั้นพระกุมารนี่มีพระเศียนดุจประดับด้วยกรอบพระพักในที่สองพระกุมารนี่มีพระเศียนเป็นปริมนทลในที่ทั้งปวงดุจอุณหิตนั้นก็แปลว่าเหมือนกับปริมนทลดุจอุณหิตก็คือดูงามมากนะดูกรอบหน้างามแต่ว่าดูแล้วทำให้ไม่รู้จักอิ่มดูแล้วก็ดูแล้วก็ยิ่งดูก็ยิ่งมีความสุขยิ่งดูก็ก่อให้เกิดศรัทธาว่าผู้ที่ ได้พระรูปประกายขนาดเนี้สั่งสมบุญมาขนาดไหนเนอทีนี้เกี่ยวกับรายละเอียดอย่างอื่นอีกนะในข้อสามสิบเอ็ดดูก่อนพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะโปรดให้พวกพราหมณ์ผู้รู้นิมิตนุ่งห่มผ้าใหม่แล้วเลี้ยงดูให้อิ่มหนำด้วยสิ่งที่ต้องประสงค์ทุกสิ่งดูก่อนพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะรับสั่งตั้งพี่เลี้ยงนางนม แกพระวิปัสสีราชกุมารนะก็คือผู้มีบุญเนี่ยก็ต้องมีผู้ที่คอยดูแลปรนิบัติรับใช้หญิงพวกหนึ่งให้สวยน้ํานมหญิงพวกหนึ่งให้สนงสงสนานคืออาบน้ําหญิงอีกพวกหนึ่งอุ้มคอยอุ้มอีกพวกหนึ่งเอาไว้ใ ส, สเสลโดยความพิสูจน์ทั้งหลายราชบุรุษทั้งหลายได้กั้นสเวตาฉัตรคือว่ามีร่มไปที่ไหนก็มีสเวตฉัตรคือว่าฉัตรสีขาวเพื่อพระวิปัสสีราชกุมาร ผู้ประสูติแล้วทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยหวังว่าหนาวร้อนหรือละอองญาหรือละอองน้ำค้างเป็นต้นอย่าได้ตกต้องพระองค์เลยเรียกว่ามีร่มคอยปรนิบัติยั่งยงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมดูแลอย่างดิดดีเท่าที่มนุษย์ทั้งหลายจะทำกันได้ดูกานพิสูจน์ทั้งหลายก็พระวิปษษัสสีราชกุมารพระโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้ประสูติแล้วแล เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากเนี่ยนะหมายก็ว่าทุกคนเห็นแล้วสบายใจทุกคนเห็นแล้วสบายใจทุกคนเห็นแล้วอยากเห็นอีกเห็นแล้วก็มีแต่ความสุขเห็นแล้วก็ยิ่งเห็นยิ่งรักเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบุญทริกเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากฉันใดแต่ว่าดอกไม้เหล่าเนี้ยเห็นแล้วไม่ละเคลืองตานะเห็นแล้วสบายใจเห็นแล้วชื่นใจเห็นแล้ว มีความสุขฉันใดพระวิปสัสสีราชกุมารก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากฉันนั้นเหมือนกันอนะคำว่าวิปสัสสิหรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนัยยะเหมือนกันหมดอนะไม่ต้องแปลกใจว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีความแตกต่างกันเลยต่างแค่ปริมาณเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ขออภยัยต่างแต่ห้าอย่างอนะเช่นตระกูลอายุไขแต่ว่าในองค์ประชุมของ ผู้ที่มีลักษณะมหาบุรุษที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหรือผู้ที่จะเป็นพระพู้ศรัทาตรงนี้เนี่ยจะคล้ายคลึงกันเกือบไปหมดเลยได้ยินว่าพระวิปัสสีราชโกมารนั้นอันบุคคลผลัดเปลี่ยนกันอุ้มใสายสเสลอยู่เสมอทุกคนก็อยากอุ้มนะทุกคนก็มีความสุขที่ได้อุ้มก็แล้วก็เป็นเด็กอ่าเป็นราชโกมารที่น่ารักเนี่ยทุกคนก็อยากอุ้มทุกคนก็อยากจะ ประคับประคองเนี่ยอยากจะดูแลอยากจะเป็นที่เลี้ยงน่ยนะใช่เด็กบางคนเนี่ยโอ้ยเห็นแล้วก็เหนื่อยเลยทรายห่างๆหงน่อยได้ไหมวะนะบางคนถึงกับกลัวเด็กไปเลยครับเพราะเห็นเด็กที่ไม่น่ารักนั่นเองดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระวิปสัสสีราชกุมารผู้ประสูดแล้วแลเป็นผู้ที่มีพระสษรเสียงกลมเกลี้ยงเสียงของพระองค์เนี่ยกลมเกลี้ยงมันก็กลมกลม่อมพูดแล้วไม่ใช่มันแตกพร่าไปหมดไม่ใช่ แต่ว่าเป็นเสียงที่กลมเป็นเสียงที่เกลี้ยงเกลาเป็นเสียงที่ไพเราะเป็นเสียงที่อ่อนหวานเป็นเสียงเป็นที่ตั้งแห่งความรักคือทุกคนฟังแล้วรักเลยเนี่ยนะฟังแล้วก็สบายใจฟังแล้วก็อยากฟังอีกพูดบ่อยๆหน่อยอย่างงี้ยนะพิสูจนทั้งหลายหมูนกกระเว่บนหิมวันตบรรพจน์มีสำเนียงกลมเกลี้ยงไพเราะอ่อนหวานเป็นที่ตั้งแห่งความปรีเปรมหรือว่าปลื้มใจฉันใด ภิกษุทั้งหลายพระวิปสัสสีราชกุมารก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นผู้ที่มีพระสุรเสียงกลมเกลี้ยงเป็นเสียงที่ไพเราะเสียงอ่อนหวานเป็นเสียงที่ตั้งแห่งความรักแปลว่าเป็นคนรูปงามอเลี้ยงง่ายนะแสดงว่าเลี้ยงง่ายมากอนะไม่ใช่เป็นเด็กที่เอาใจยากนะเป็นราชกุมารที่เลี้ยงง่ายพระรูปกว่สวยพระเสียงก็เพราะเนี่ยนะเป็นเด็กที่เสียงเพราะมา ก, กว่างั้น ดูว่อนามพิสูนทั้งหลายที่พระจักษุอันเกิดแต่กรรมมวิบากอันเป็นเหตุให้เห็นได้ไกลโดยรอบโยดหนึ่งทั้งกลางวันและกลางคืนได้ปรากฏแก่พระวิปสัสสีราชกุมารผู้ประสูนแล้วแลเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาอะไรมาปิดไม่ต้องเอาอะไรมาบางังทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ต้องใช้ไฟวัางั้นแตะมองเห็นเท่ากันหมดนะ่นะมองดูบนดูล่างตาปกติเนี่ยนะสิบหกกิโลเมตรมองทะลุภูเขาได้นะ มองทะลุภูเขามองลึกลงไปข้างล่างเนี่ยทัานจะเมื่อไรอย่างไรก็ตามเนี่ยเห็นรัศมีสิบหกกิโลเมตรโดยตลอดไม่มีอะไรปิดไม่มีอะไรบังเลยนะก็นี่แหละถ้าทําบุญไว้แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละพิสูจนทั้งหลายก็วิปัสสิราชพระวิปัสสีราชกุมารผู้ประสูติแล้วแลไม่กับพิภเนตรเพ่งแลดูไม่ต้องกับพิปตาดูนะลืมตาเป็นปกติเลยอย่างั้นพิสูจทั้งหลาย พวกเทพชั้นดาวเดืองไม่กระพิพระเนตรไม่กระพิบพตาเพ่งแลดูแม้ฉันใดพระวิปสัสสีราชกุมารก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่กระพิพระเนตรเพ่งแลดูแกเรียกว่าดูไม่ใช่หรือมันกระพิบตาแบบคนระคายเคืองทางตานี่ไม่กเรียกว่าเนื่องจากว่าบุญเนี่ยนาเกิดเนี่ยน ะ, ะร่างกายร้ายส่วนถูกชโลมด้วยด้วยกรรมาชรูปชั้นดีเนี่ยนะจิตจะรุปประตูสรุปอาหารสรุปก็เลี้ยงดูได้เป็นอย่างดีท่านก็เรียกว่า นานๆกับพริบตาหนึ่งก็ครั้งหนึ่งก็สบายแล้วนะเรียกว่าดูเหมือนดูไม่ต้องกระพริบตาแต่จริงก็กระพริบบ้างเนี่ยนะครั้งคราวเพราะเนื่องจากว่าเวลาดูอะไรเนี่ยไม่จำเป็นต้องกระพริบตานี่แหละคนทั้งหลายก็ตั้งสมัญญาชื่อว่าวิปัสสีทังนี้ก็บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปสัสสีราชกุมารผู้ประสูตรแล้วอันนี้เหตุผลอย่างที่หนึ่งที่ พระนามว่าวิปัสสีแปลว่า ด, ดูจากไม่กระพริบตาและตาที่เกิดจากผลของบุญดูได้ไกลถึงสิบหกกิโลเมตรทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีอะไรปิดบงังเลยนะอีกครั้งหนึ่งเหตุที่ชื่อว่าวิปสัสสีก็มีอยู่ว่าครั้งนั้นแลพระเจ้าพันธุมะประทับนั่งในศาลประสําหรับพิพากษาคาดีให้พระวิปสัสสีราชโกมานนั่งบนพระเพลาหรือนั่งบนตักไตสวนคดีเอาลูกมานั่งตักว่าความเนะนะ ดูก่อพิสษุทั้งหลายได้ยินว่าพระวิปสัสสีราชกุมารประทับนั่งบนพระเปล่าของพระชนกณ์ศาลาสำหรับพิพากษาคาดีนั้นพระองค์ก็สอดส่องพิจารณาคดีแล้วย่อมทรงทราบได้ด้วยพระญาณฟังเขาฟังเขาฟังโจทย์ฟังจำเลยฟังพระเจ้าอยู่หัวผู้เนี่เข้าใจทะลุ ป, ปลุโปร่งทั้งหมดดูก่อพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นสมัญญาว่าวิปสัสสีดังนี้แหลบังเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปสัสสีราชกุมาร โดยยิ่งกว่าประมาณว่างั้นเห็นหมดเลยเข้าใจหมดเลยนะรายละเอียดในสารแปลว่านั่งบนตักพ่อเนี่ยนะตัวนิดเดียวเนี่ยวิจิณไชคดีได้แล้วเนี่ยนะความสามารถขนาดนั้นเนี่ยนะไม่ต้องไปเรียนกฎหมายให้เรียนเสียนเรียนป้าอะไรที่ไหนเนยนะฟังแล้วก็เข้าใจทั้งหมดทะลุโปร่งหมดเลยก็คือมีเรื่องอยู่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยน ะ, อะบอกว่าคำว่าวิปัสสี นี่หมายถึงว่าเป็นผู้ที่เห็นอัดแหงคำพูดเพราะเห็นชัดเจนแล้วปกติก็เห็นโดยที่ไม่ต้องหลับตาไม่ต้องกระพริบตาความจำและความมืดก็เห็นได้ด้วยตาที่ลืม อ, อีกในหนึ่งที่เลือกว่าที่เรียกว่าวิปัสสีเพราะเลือกเฟ้นดูอธิบายว่าสอดส่องเนื้อความหมายา ว, าว่าวินิจัยวินยัยพิจารณาอัถคดีได้ วันหนึ่งพระราชาประทับนั่งบนศาลสำหรับวินิจฉัยสอดสองพิจารณาคดีแม่นมก็นําพระโพธิสัตว์เนี่ยนะประดับตกแต่งพระองค์แล้วมาวางไว้บนพระหัตถ์พระราชานี่ยก็รับพระกุมารวางไว้บนพระเพลาแล้วก็กอดจูบพวกผู้พิจารณาก็ตัดสินคดีตัดสินคนที่ไม่เป็นเจ้าของให้เป็นเจ้าของพระโพธิสัตว์เปล่งพระสุรเสียงแสดงความไม่พอพระทัยนะก็พอตัดสินปั๊บเนี่ยพระองค์ก็นั่งอยู่ตรงนั้นฮชร้องออกมาเลยเนี่ยนะ บอกว่าพระราชาบอกว่าพวกเจ้าพิจารณาคดีนี้อย่างไรอามาตก็มองดูไม่เห็นคนอื่นเพราะตนวินิจฉัยคดีผิดคิดว่าเราจักตัดสินอย่างนี้พวกผู้พิพากษาตัดสินผู้เป็นเจ้าของโดยแท้ให้เป็นเจ้าของใหม่พิจารณาดูว่าพระกุมารทราบหรือไม่หนอทําอย่างนั้นลองหลายครั้งมากแกล้งตัดสินให้คนผิดเป็นถูกให้คนถูกเป็นผิดพระโพธิสัตว์ก็ร้องเมื่อใดตัดสินให้คนถูกเป็นถูกให้คนผิดเป็นผิด ตรงนั้นนะพระองค์ยังเงียบเพราะฉะนั้นบอกเอ้ยไม่ได้เลยนะพระราชาคิดว่าจะไตส่สวนคดีแบบกระเพราไม่ได้แล้วเพราะพระกุมารผู้เป็นพระมหาบุรุษรู้ตั้งกต่ น, นั้นมาพระองค์ไม่เคยประมาทเลยนะนะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถพิจารณาสอดส่องอัดทคดีได้เพิ่มสักเล็กน้อยที่บอกว่าพระโพธิธสัตว์นิปัสสีเนี่ยนะพระองค์นี้ มีพระสุรเสียงกลมเกลี้ยงไพเราะอ่อนหวานเป็นที่ตั้งแห่งความรักเนี่ยนะก็หมายค่ะว่าเสียงของพระองค์เนี่ยเป็นเสียงที่ไม่กระด้างเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความฉลาดเป็นเสียงของคนฉลาดพูดอ่ะนะเป็นเสียงของคนเคือเรียกว่าเสียงคนฉลาดกับเสียงคนโง่มันต่างกันเยอะเอองั้นอ่ะอันนี้เป็นเสียงของคนฉลาดเป็นเสียงที่น่าพอใจเป็นเสียงที่ทําให้เกิดความรักเนี่ยเป็นเหมือนกับเสียงนกกระเวกที่มีเสียงไพเราะ บอกเกี่วกับเสียงนกกาเรเวกก็มีอยู่ว่าได้ยินมาว่าเมื่อนกกาเรเวกจิกมะม่วงสุกมีรสอร่อยด้วยจงอยปลาแล้วดื่มรสที่ไหลออกมาแล้วเนี่ยนะก็กระพือปีกร้องเรียกว่าร้องเพลงว่างั้นแต่เรียกว่าจิกเนื้อมะม่วงแล้วกินแล้วก็จะมีรสมะม่วงนี่ออกน้ํามะม่วงไหลออกมานกก็จะจิกดืม่มเสร็จแล้วก็กระพือปีกร้องบรรดาสัตว์4ีเท้าก็เริ่มเยี้ยงย่างเหมือนเมาเนี่ยนะเดินเหมือนคนเมาเดินแล้วครับเนี่ย ไม่เป็นท่าเลยนะเคยพอเคยสังเกตไหมอ่านหนังสือได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเนะี่ยหนังสืออ่านเรื่ไม่รู้เรื่องล้เหมือนคนเมาอ่านหนังสืออันนี้บอกสัตว์ทั้งหลายที่เดินก็เหมือนกับคนเมาเนี่ยเดินอันบรรด า, าสัตว์สเท้าแม้กําลังหาอาหารก็ทิ้งหญ้าที่เข้าไปในปากด้วยเสียงนั้นได้ยินเสียงนี่นลืมเคี้ยวอาหารเนือนะ้อเงี้ยเลยลืมกินเลยเสือร้ายที่กําลังติดตามพวกเนื้อน้อยๆคืเรียกว่าเสือวิ่งตามเนื้อเนี่ยก็ไม่วางเท้าที่ยกขึ้น ยื้อก็ยกขึ้นแล้วก็ยืนนิ่งอยู่เนี่ยนะแค่เรียกว่าค้างอยู่นั่นแหละว่างั้นแต่ฟังเสียงดูก่อนนะอะไรเกิดขึ้นบรรดานเนื้อที่ถูกติดตามก็ละความกลัวตายยืนนิ่งอยู่ได้ยินเสียงที่เพราะลืมตายไปเลยว่างั้นแม้แต่นกที่กําลังบินบินไปในอากาศก็เหยียดปีกแล้วก็หยุดฟังเสียงปลาในน้ําก็ยังกระดิกแผ่นหูหยุดฟังเสียงนกกระเวกมีเสียงเพราะถึงอย่างนี้เสียงเพราะมากสัตว์ทุกชนิดอยากได้ยินหมดเลย เพราะฉะนั้นพระนางอาสันที่มิตาเนี่ยนะพระเทวีของพระเจ้าธรรมาโศกราชก็ตรัสถามพระสงฆ์ว่าพระคุณเจ้าเสียงของใครๆเช่นกับเสียงพระพุทธเจ้ายังมีอยู่หรือหนอมีใครเหมือนเสียงคล้ายพระพุทธเจ้าบ้างไหมพระสงฆ์ก็ถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมีเสียงของนกการะเวกพระคุณเจ้านกเหล่านั้นอยู่ที่ไหนเจ้าข้าว่างั้นขอถวายพระพรนกนี้อยู่ที่ป่าหิมพาน์ พระเทวีก็ทูลพระราชาว่าข้าแต่เทวะหม่อมชั้นประสงค์จะเห็นนกกาเวกพระราชาก็อธิษฐานว่านกกาเวกจงมาเกาะในกรงนี้แล้วก็ปล่อยกรงทองไปกรงทองก็ไปตั้งอยู่ข้างหน้านกกาเวกตัวหนึ่งนกกาเวกคิดว่ากรงทองมาตามพระดํารัสของพระราชาไม่อาจจะขัดขืนได้แล้วก็จับเฉยอยู่ณที่นั้นกรงทองก็มาตั้งอยู่เบื้องพระพักของพระราชา อามาดไม่สามารถให้นกกระเวกทำเสียงได้พระราชาก็บอกว่าดูก่อนพนายนกกระเวกนี้ทำเสียงอย่างไรอามากก็กราบทูลว่าพวกนกกระเวกเหล่านี้เห็นญาติจึงจะทำเสียงนะต่อเมื่อได้ยินเห็นญาติและจึงจะทำเสียงพระราชาก็เลยเอากระจกมามาล้อมนกนกมองดูเห็นเงาตัวเองนึกว่ามีญาติแล้วก็เลยกระพือปีกร้องดุดเป่าแก้วมณีด้วยเสียงอันอ่อนมนุษย์ในสกนลนครเยื่องกลายเหมือนคนเมานะคนที่ได้ยินเสียงนก กาละเวกเมื่อเดินเหมือนคนเมาเลยเหมือนกันไม่เป็นท่าเลยพระนางอสังที่มิตราก็ดําเนินว่าเสียงของสัตว์เดรัจฉานนี้อย่างเพาะถึงอย่างนี้เสียงนกอย่างเพาะถึงอย่างนี้แล้วเสียงของพร ะ, ะพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บรรลุพระสิริคือพระสัพพัญยุตยานเสียงของพระองค์จะเป็นเช่นไรเนาะร ะ, ะลึกถึงพระพุทธคุณตราบถึงเสียงเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะเสียงที่มีสัพพัญยุตยานเป็น สมุดฐานที่ดังไพเราะออกมาที่เกิดจากพระปัญญาจะเป็นอย่างไรเนะอะยังปีติให้เกิดไม่ทรงละพระปีตินั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลพร้อมด้วยบริวารเจ็ร้อบริวารก็เจริญวิปัสนาก็บรรลุตามไปเลยมันเสียงของพระโพธิสัตว์นี้ดังเพราะอย่างนี้แต่ว่าเสียงของพระวิปัสสีราชกุมารไพเราะมากกว่าเสียงนกที่กล่าวไปแล้วเป็นร้อยเท่าพันเท่า อันเสียงเพราะกว่านั้นเทียบกันไม่ติดเลยนี่พระวิปัสสีราชกุมารเนี่ยนะเป็นที่โปรดปรานรักใคร่ของอพระราชบิดามาเพราะฉะนั้นพระเจ้าพันทุมะก็โปรดให้สร้างปราศาสตรสำหรับพระวิปัสสีราชกุมารสามหลังคือหลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูฝนหลังหนึ่งสำหรับประทับอยู่ในฤดูหนาวอีกหลังหนึ่งสำหรับประทับอยู่ในฤดูร้อน โปรดให้บำรุงพระราชกุมารด้วยเบญจาตามมคุณหมายความว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะ ท, ทุกอย่างล้วนแต่หน้าปรารถนาหน้าพอใจหน้ารักใคร่เนี่ยนะประกอบด้วยการเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเท่าที่จะสรรหาความงดงามในยุคนั้นได้มาเพื่อจะให้พระโพธิสัตว ได้ยินว่าพระวิปัสสีราชกุมารได้รับการบำเรอด้วยสตรีไม่มีบุรุษเจือปอนเลยตลอดสีเดือนในปราสาทสําหรับฤดูฝนสีเดือนในฤดูฝนสีเดือนในฤดูร้อนสีเดือนในฤดูหนาวเนี่ยนะก็สลับหมุนเวียนไปไม่เคยเสด็จลงสู่ปราสาทชั้นล่างเลยเนียนะก็ใช้ชีวิตสุขสบายเช่นกับเทพพบุตรเนี่ยนะเช่นกับเทพพบุตรที่มีแต่ความสุขโดยส่วนเดียว เห็นเทวทูตนั้นก็เป็นมันพวกนี้เนี่ยนะสาหรับวันนี้ก็ได้กล่าวถึงว่าผู้ที่เกิดด้วยบุญบุญกรรมนะบุญที่บําเพ็ญมาตลอดระยะการอันยาวนานอมาตกแต่งนะให้บริบูรณ์พูนสุขงดงามด้วยความงามต่างๆอเราก็จะได้ระลึกเอาไว้เจริญถึงพระสรีระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งออกเป็นหนึ่งพระปุบพระจริยาคุณ พระคุณที่พระองค์ได้สร้างสมมาจากการต่างๆอย่างที่สองก็คือพระสรีระคุณส่วนการตรัสรู้ก็เป็นต้นก็เป็นพระพุทธคุณส่วนกิจที่พระองค์แสดงธรรมเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์เวนัยศาสตร์ทั้งหลายก็เป็นพระพุทธกิจนะนะพระปุพพกิจพระพุทธกิจก็คือพระพิเศษก็คือพระมหากรุณาคุณที่พระองค์บำเพ็ญกิจสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อเวนัยศัตร์ทั้งหลายนะสาหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ ข้อความในครรมปีที่ขณิกายมหาวัคค์มหาประทานสูตรเกี่ยวกับเรื่องพระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะซึ่งพระวิปัสสีโพธิสัตว์นับตั้งแต่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีตลอดเรียกว่าวิริยาธิกะเนี่ยนะก็คือสิบหกอสงไขยแสนกลับ จนได้ตรัสรู้อมั น, นมเป็นบารมีสิบอุปปารมีสิบปรามทัปารมีสิบมหาบริจาคฆ่าแล้วก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากดุสิตก็มาเกิดในพระคันพระพุทธมารดาอยู่ในคันครบสิบเดือนก็ประสูติเนี่ยนะเมื่อประสูตรมาแล้วพระองค์กนะ็เป็นผู้ที่ประกอบด้วยมหาปริศรลักษณะสามสิบสองประการ มันก็ได้รับพยากรตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าถ้าผู้ใดก็ตามที่ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะสามสิบสองประการนั้นจะมีความสำเร็จสองอย่างคติแปลว่าความสำเร็จมีความสำเร็จสองอย่างอย่างที่หนึ่งถ้าเป็นครองคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าสกรัทเธอออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งพรามทั้งหลายพระเจ้าพันธุมะพึ่งซึ่งเป็นพระพุทธบิดาเนี่ยนะ ก็ถามว่าเหตุใดเนอพระโพธิสัตว์จึงได้ออกบวชถ้าจะออกบวชนี่ออกบวชเพราะอะไรคือถ้าจะบวชแล้วไปเป็นพระพุทธเจ้านั้นเหตุผลก็เนื่องจากว่าเห็นเทวทูตคือเห็นคนชราเห็นคนป่วยเห็นคนตายอันนี้แหละเป็นเหตุสําคัญให้พระโพธิสัตว์นั้นออกบวชเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุสําคัญให้พระโพธิสัตว์ออกบวชนั้นพระเจ้าพันธุมะนั้นจึงต้องการปลนเปรื่องต้องการดูแลเอาใจใส่ พระราชโอรสพระองค์นี้อย่างมากเพราะไม่ต้องการให้บวชต้องการให้ลูกนั้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะทันจึงสร้างปร า, าสาทสามหลังสำหรับสามฤดูให้แก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นจึงบริบูรณ์ไปด้วยเบญจากา ม, มคุณในข้อสามสิบสองหน้ายี่สิบสองกล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหลโดยการล่วงไปหลา ย, ลายปีหลายร้อยปี หลายพันปีก็คือพระองค์ได้เกิดในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุประมาณแ0ดหมื่นปีในสมัยนั้นเรื่องราวจะเกิดขึ้นทีหนึ่งก็ต้องเป็นเป็นพันปีไปแล้วนุ่นแหละพระวิปัสสีราชคุ ม, มานก็ได้ตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งว่านายสารถีผู้สหายเธอจงเทียมยานที่ดีๆเราจะไปสวนเพื่อชมพื้นที่อันสวยสด ภิกษุทั้งหลายนายสรารถีก็รับคําสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วเทียมยานที่ดีๆสำเร็จแล้วแล้วก็กราบทูลแด่พระวิปัสสีกุมารว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้เทียมยานที่ดีๆเสร็จแล้วบัดนี้พระองค์ทรงกำหนดเวลาอันสมควรเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีราชกุมารทรงยานอันดี สเสด็จพระเสด็จประพาสพระอุทยานพร้อมกับยานที่ดีๆทั้งหลายพระวิปัสสีราชกุมารขณ ะ, สะเสด็จประาพาสพระอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นชายชรามีซี่โครงคตเหมือนกรอนหลังกอง อ, งอถือไม่เท้าเดินงอกเ ง, ง, ง, ง, งื่อนกระสับกระส่ายหมดความเป็นหนุ่มแน่นครั้นทอดพระเนตรแล้วก็รับสั่งถามนายสารถีว่า นายสารธีผู้สหายก็ชายผู้นี้ถูกใครทําอะไรให้แม้ผมของเขาก็ไม่เหมือนของของคนอื่นร่างกายของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นก็คือเกิดมาก็เห็นแต่คนสวยคนงามเป็นส่วนใหญ่ทําไมเ น, ะนาะนะะไล่ดูตั้งแต่ผมไล่ลงมาทําไมไม่เหมือนคนอื่นเลยเนี่ยนะคือเหตุที่พระโพธิสัตว์นั้นได้เห็นเทวทูตคือคนชรา ในอัธกถาหน้าหนึ่ง้ยสามสิบกล่าวว่าทิสวาความว่าพระกุมาร น, นั้นแวดล้อมไปด้วยหมู่พลประมาณเกึ่งโยกได้จัดอารักขาเป็นอย่างดีสเสด็จไปทอดพระเนตรเห็นบุรุษนั้นอันพรหมชั้นสุดทาวาสและพรหมผู้เป็นขีณาศพแสดงปรากฏข้างหน้านะคือเทวทูตอันนี้เนี่ยไม่ใช่เทวทูตที่เป็นมนุษย์แต่หมายถึงพรหมชั้นสุดทาวาส จำแลงแปลงร่างมาเป็นคนแก่นะนะเป็นคนแก่ที่ที่ควรที่จะสังเวชพาะนั้นแสดงได้สมบทบาทมากนะพระรูปเนรมิตรที่พระโพธิสัตว์เห็นแล้วก็สังเวชสลดใจมากด้วยอนุภาพของพระองค์ในโอกาสที่รถอยู่ข้างหน้าหมู่พลอยู่ข้างหลังในยะว่าพรมชั้นสุทาวาตาริว่าพระมหาบุรุษนทรงติดอยู่ในกาลมคุณทั้งห้าดุจช้างเนี่ยติดลม เราจักยังสติให้เกิดแก่พระมหาบุรุษนั้นดังนี้ก็ได้แสดงพระให้พระมหาบุรุษนั้นเห็นคือเป็นชีวิตที่ใช้อยู่อย่างมีความสุขไม่มีความเบื่อหน่ายอะไรนะทีนี้เอ๊ะจะหมกมุ่นมากไปแล้วนะก็เลยเนรมิตให้เห็นคนชราเพื่อให้เห็นคนชรานั้นทีนั้นพระโพธิสัตว์และสารถีก็ทอดพระเนตรเห็นบุรุษที่เท้ามหาพรหมนั้นแสดงไว้แล้วอย่างนี้นั้น จรงอยู่พรมทั้งหลายได้แสดงบุรุษนั้นก็เพื่อความไม่ประมาทของพระโพธิสัตว์และเพื่อให้เกิดการสนทนากับสารถีพระกุมารคือพระราชโอรสก็ถามว่าคนเนี้ยเป็นใครสารถีก็บอกว่าคนเนี่ยเป็นคนแก่พระเจ้าค่าที่ที่กล่าวว่าอย่างนี้พ่อใหญ่เพราะเกิดมาไม่เคยเห็นบุรุษเห็นปานนี้มาก่อนเลยคือครรว่าร่างกายจะสุดโทมขนาดนี้เนี่ยเกิดมาไม่เคยเห็นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพระราชกุมานพอเห็นแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยผมของเขาก็ไม่เหมือนของคนคนอื่นร่างกายของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนะคนอะไรทําไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ขอเดชะนี่แลเรียกว่าคนชรานายสารถีผู้สหายนี่หรือเรียกว่าคนชราค น, น, นชราก็หมายถึงชํารุดอนะนะหมายถึงเสื่อมโทรมเนี่ยแต่ละส่วนก็เสื่อมไปเรื่อย จรารถีก็อธิบายว่าขอเดชะนี้เรียกว่าคนชราบัดนี้เขาจักเพิ่งมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนะอันนี้เป็นเครื่องหมายเตือนเหมือนกับใบไม้ที่เหลืองใบไม้ที่เหลืองไม่ใช่เหลืองโดยสีแต่เหลืองโดยอะไรเหลืองโดยเพราะว่าถูกชราครอบงําใบไม้เหลืองเหล่านั้นก็เตรียมที่จะร่วงหล่นเพราชีวิตของคนที่ชรามาแล้วนี่ก็ลักษณะนั้นอีกไม่นานชีวิตก็จะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ พระโพธิสัตว์ในความที่ท่านฉลาดท่านก็น้อมเข้ามาหาตัวคือเพื่อที่ะจัดความเมาในความเป็นหนุ่มก็เลยถามว่าถึงตัวเราก็จะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้หรือนะคือโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะคนเห็นคนอื่นโดยปกติแล้วจะรังเกียจคือเห็นคนชราก็รู้สึกมีความรังเกียจ ต, ต่อคนชรา แต่พระโพธิสัตว์พอเข้าใจว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ความชราก็น้อมเข้ามาหาตัวว่าตัวเราเองก็ยังชราอย่างนี้หรือไม่สามารถล่วงพ้นจากความชราเหล่านี้ไปได้หรือนะก็เป็นคําถามที่สําคัญมากซึ่งคนที่น้อมเข้ามาพิจารณาภายในอย่างนี้นั้นแสดงว่าเป็นผู้ที่สั่งสมปัญญาสั่งสมอัธยาศัยที่จะเห็นความจริงนายสารธีเนี่ยนะซึ่งด้วยอนุภาพของเทวดาก็บอกขอเดชะ พระองค์ด้วยข้าพระองค์ด้วยทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่จะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พระโพธิสัตว์เนี่ยพอฟังอย่างนี้บอกว่าท่านเดินเห็นภาพตัวเองยามแก่เลยนะนะถ้าตัวเองแก่ไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายที่มีความแก่นั้นจะเป็นเช่นไรนั้นก็เปรียบเทียบ ว, ว่าโลกนี้อันชารานําไปไม่ยั่งยืนทุกคนเนี่ยเดินไปสู่ชราทุกคนจะต้องเดินไปเพื่อความชราเช่นนี้ พระองค์ก็บอกกับนายสารถีผูว่านายสารธีผูสหายถ้าเช่นนั้นวันนี้พอแล้วสำหรับภูมิภาคแห่งสวนอันในาการที่จะมาเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินวันนี้พอแล้วเธอจงนำเรากลับสว่ังจากสวนนี้เถิดกลับบ้านกลับบ้านนันั้นนะนายสารถีก็รับคำสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็นำพระองค์เนี่ยเสด็จกลับไปยังภายในพระบุรีจากพระอุทยานนั้นๆนะไปเที่ยวที่ไ น, นก็กลับเขาวังตามเดิม ดูความพิสูจนทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปสัสสีกุมารพอถึง ว, งวังแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์เศร้าพระไทยเรียก ว, ว่าเครียดเลยนะพอฟังแล้วก็สะโพมรัดเลยเสีย ใ, ใจมากเราก็จะต้องแก่อย่างนี้หรือก็เลยคิดอีกว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นของหน้ารังเกียจท่านสาวไปหาได้เลยเนยนะว่านะนะนะความชราเหล่านี้เนี่ยนะ ชะาเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากความเกิดความเกิดนี่มันน่าขยะขย้งน่ารังเกียจจริงๆเพราะว่าธรรมดาว่าเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่ก็จะปรากฏแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วนะที่นะว่าชะากับมรณะเนี่ยมันเป็นที่สุดของภพชาติแต่ละภพชาติมันความชราเหล่านี้มาจากความเกิดความชารุดุดโสมทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดจากความเกิด ถ้าไม่เกิดเนี่ยนะผมเป็นต้นจะเปลี่ยนไปหรือผิวหนังเป็นต้นจะเปลี่ยนไปหรือเป็นต้นก็เพราะมีการเกิดนั้นความเกิดนี่ช่างน่ารังเกียจแท้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าขยาะแขยงแท้เนี่ยนะนะบทว่าอันเตปุรังฆโตพระกุมารนั้นทรงละทรงสละสตรีประทับนั่งพระองค์เดียวในห้องอันเป็นสติก็คือหมายว่าขังตัวเองอยู่ในห้องนะไม่ร้องรำทำเพลงไม่ฟังเพลงละ บทว่ายัตระเหตุนามะความว่าเมื่อชาติเมื่อมีชาติชราย่อมปรากฏจงตําหนิจงเกลียดชังชาติคือความเกิดชาติเชื่อว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเพราะเหตุนั้นพระกุมารประทับนั่งขุดรากของชาติดุดถอนลูกศรลูกแรกแทงพระไทยเช่นั้นเลยนะอ๋อไอที่ชราเนี่ยมาเกิดจากความเกิดนี่แหละถ้าไม่เกิดจะชราแบบนี้หรือรู้สึกว่า สาวไปหาเหตุเลยนะเหตุแห่งความชราก็คือความเกิดพันทารังเกียจชรารังเกียจความไม่งามยามชราก็ต้องรังเกียจตัวความเกิดนั่นแหละทีนี้ฝ่ายผู้เป็นพ่อที่ต้องการให้ลูกครองราชลนะ่ะดูการพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลพระเจ้าพันธุมารับสั่งสั่งหานายสารถีแล้วก็มาตรัสถามว่าสารถีผู้สหายพระราชกุมารได้อภิรม์ในภูมิภาคแห่งสวนแลหรือ ไปเที่ยวสวนบ้างไหมอย่างนั้นนะนะนายสารธีก็บอกว่าขอเดชะพระราชกุมารมิได้ทรงอภิรมอยู่ในภูมิภาคแห่งพระราชอุทยานขอเดชะพระราชกุมารมิได้ทรงพอพระไทยในภูมิภาคแห่งพระอุทยานดังนี้คือไม่มีความสุขเลยแทนที่ไปเที่ยวสวนกลับมาแล้วร่าเริงเบิกบานใจนี้บอกไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยกลับมานี่เสียใจหนะไม่อภิรม์ก็แปลว่า เครียดเลยแบบนั้นน่ยไม่พอพระไทยก็แล้วไม่สบายใจออกมากๆเลยนะไปเที่ยวสวนกลับมาแล้วไม่สบายใจเลยพระราชาก็ถามต่อไปว่าดูก่อนสารธีผู้สหายก็ราชกุมารขณะเมื่อไปประเสด็จประพาสสวนเนี่ยได้ทอดพระเนตรเห็นอะไรเข้าไปเห็นอะไรเข้าจึงกลับมาแล้วเครียดเลยนั้นนายสารธีก็กราบทูลว่าขอเดชะพระราชกุมารเนี่ยขณะเมื่อเสด็จประพาสพระอุทยานก็ได้ทอดพระเนตรชายชราที่มีซี่โครงคด เหมือนกลอนและซี่โครงเนี่ยมันโคตรนะเคยเห็นคนพร้อมกระ่องเลยนะมันโง่มันโค้งไปหมดเลยแหละหลังก็งอถือไม้เท้าเดินงกเงิ่นเ ง, งืนกระสับกระส่ายหมดความหนุ่มหมดความแน่นไม่มีความหนุ่มแน่นประกาศที่เรียกว่าชายผู้มีพลังอะไรเลยสังขารก็จะทอไม่ไม่รอดว่างั้นนะกระเดินๆๆกระสับกระส่ายเต็มทีพระโู ธ, ธิศัตว์พอได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็รับสั่งถามข้าพระพุทธเจ้าว่า นายสารถีผู้สหายก็ชายผู้นี้ถูกใครทำอะไรให้แม้ผมของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นแม่ร่างกายของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นข้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลว่าขอเดชะนี้แลเรียกว่าคนชราพระองค์ก็ได้ตรัสถามย้ำว่านายสารถีผู้สหายนี้หรือเรียกว่าคนชราข้าพระบาทก็กราบทูลว่าขอเดชะนี้แลเรียกว่าคนชรา บัดนี้เขาจักเพิ่งมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานพระราชกมุมารก็ถามต่อไปว่านายสารถีผู้สหายถึงตัวเราก็จะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้หรือเมื่อข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขอเดชะพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่จะต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้พระองค์ก็ตรารับสั่งว่านายสารถีผู้สหาย ถ้าเช่นนั้นวันนี้พอแล้วสำหรับภูมิภาคแห่งสวนเธอจงนำเรากลับเข้าวังจากสวนนี้ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารับคำสั่งของพระวิปัสสิราชกุมารแล้วได้นำเสด็จกลับเข้าวังจากพระราชุทยานนั้นขอเดชะพระราชกุมาร น, นั่นแลเสด็จถึงวางแล้วทรงเป็นทุกเศร้าพระไทยปรนั้นนอะ เสียใจมากคิดว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่าขึ้นเชื่อว่าความเกิดเป็นของหน้ารังเกียจแสดงว่าบอกก็เรียกว่าอาจจะพูดพล้ำๆอยู่ในปากเรื่อยนะนันายสารธีจะรู้ได้ยังไงใช่กรู้เพราะฉะนั้นไอ้ความเกิดในหน้ารังเกียจแท้เนี่ย น, นะเพราะธรรมดาว่าธรรมดาแปลว่าปกติหรือเป็นธรรมนิยามเป็นเรื่องปกติ ว่าเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่จากปรากฏแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วอันผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่แก่ไม่มีโดยที่สุดแม้แต่นางวิสาขาเนี่ยนะภายนอกดูไม่เปลี่ยนเน่ยนะอายุร้อยิบภายนอกดูไม่เปลี่ยนแต่เวลาลุกเดินเนี่ยนะจะโค้งเวลานั่งก็สั่พราอายุร้อยยสบดูภายนอกนี่ไม่ต่างจากหลานเลยแต่ถ้าหากว่ามีกิริยาใดอันใดอันหนึ่งเข้าก็จะรู้เลยว่านี่คนชราวะนะ่างั้นมันผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะ ก็จะแก่อย่างนี้และอะไรเพราะั้นถ้าจะเกลียดความแก่ก็ต้องเกลียดความเกิดเพราะความเกิดเป็นสาเหตุแห่งความแก่ลูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะทรงนาริคิดว่าวิปัสสิราชกุมารไม่เสวยราชเสียเลยไม่ได้นะยังไงลูกเราต้องเสวยราชยังไงลูกเราต้องเสวยราชคือเหมือนกับว่าแบบพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยนะที่มีอะไรที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดประเสริฐที่สุด ก็อยากจะยกเสียงเหล่านั้นให้แก่ลูกเพราะถือว่าราชสมบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับพระเจ้าพันธุมะก็คิดว่าพระราชบุตรราชโอรสของพระองค์ควรจะได้ครองราชสมบัติเช่นกับพระองค์และก็พระโพธิสัตว์นั้นยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ตรงที่ว่าพระโพธิสัตว์จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิต้องการเห็นลูกเป็นจักรพรรดิมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยคิดต่อไปอีกว่าวิปัสสีราชกุมารอย่าออกผนวดเป็นบรรปะชิตเลย ค่อยคาของเนมิตกะพราหมยาพึงเป็นความจริงเลยเพราะมีบางคนเขาบอกว่ายังไงพระโพธิสัตว์ต้องออกบวชแน่นอนคําความพูดนี้อย่าได้จริงเลยนะนะขอให้พระองค์นั้นเป็นผู้ครองเรือนตลอดไปนะอย่าได้บวชเลยไม่ต้องการให้ลูกบวชลูความพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะกรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยการมคุณห้ายิ่งกว่าแต่ก่อนเรียกว่าจัดสรรอะไรที่ โดยสดงดงามที่สุดเท่าที่จะทําได้มาทําให้ยิ่งยิ่งกว่าเดิมโดยอาการที่จะให้พระวิปัสสีราชกุมารเสวยราชโดยอาการที่จะไม่ให้พระวิปัสสีราชกุมารเสด็จออกผนวดบวชเป็นมันปชิตโดยอาการที่จะให้ถ้อยคําของเนมิตพราหมณ์ผิดเรียกว่าวัตถุประสงค์มีสามอย่างหนึ่งต้องการให้ลูกเสวยราชสองไม่ต้องการให้ลูกบวชสาอยากจะลองว่าไอคำพูดของพราหมณ์ที่พยากรณ์มาเนี่ย ต้องผิดนเหมงั้กนนี่พิสูจทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีราชกุมานเพียรพร้อมพรัพร่งพร้อมไปด้วยก ร, รมคุณห้าได้รับการบำรุงบำเรออยู่เป็นคนทั่วทั่วไปแล้วก็ยากแล้วนะในข้อสามสิบสี่ต่อไปว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลโดยการล่วงไปหลายปีเนี่ยนะ ล่วงการผ่านไปผ่านไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมาก็ได้ตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งว่าสารถีผู้สหายเธอจงเทียมยานที่ดีๆเราจะไปสวนเพื่อชมพื้นที่อันสวยสดพี่สูทั้งหลายนายสารถีกราบคำสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็เทียมยานที่ดีด พอเทียมเสร็จแล้วก็กราบทูลแด่พระวิปัสสีราชกุมารว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้เทียมยานที่ดีๆเสร็จแล้วบัดนี้พระองค์ทรงกำหนดเวลาอันสมควรเทิดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นพระวิปัสสีราชกุมารทรงยานอันดีเสด็จประพาสพระราชอุทยานกับยานที่ดีๆทั้งหลายทีนี้เมื่อขณะที่พระองค์นั้น่ะ สเสด็จประพาสพระราชุิยานก็ได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บป่วยนี่ป่วยแค่ไหนถึงความลําบากเป็นไข้หนักนะป่วยมากกลางวันนี่ก็เดินผ่านเตียงอนนี้ผู้หญิงคนหนึ่งก็นอนนะส้มเลยนะสังเกตดูว่าเอาเป็นมากพร้อมแล้วก็ป่วยไม่สบายนั่นก็นี่แหละคนเจ็บถึงความลําบากเนี่ยอายุไม่มากถ้าอายุมากๆแล้วป่วยนันจะเป็นยังไงนะเป็นไข้หนัก หนักแบบโบราณโดยที่ไม่มีคนเฝ้าไข้นี่เป็นยังไงนอนจมอยู่ในอุจจาระและปัสสาวะของตนมันก็เวลาจะอุจจาระปัสสาวะนี่ก็เกลือกกลั้วยอยู่นั่นแหละฉั้นคนอื่นๆจะต้องช่วยพยุงให้ลุกผู้อื่นต้องช่วยให้กินนะทั้งลุกทั้งกินทั้งอะไรเนี่ยคนอื่นจะต้องเข้าไปคอยดูแลทั้งหมดครันทอดพระเนตรแล้วพระองค์ก็รับสั่งถามนายสารถีว่า นายสารธีผู้สหายก็ชายนี้ผู้นี้ถูกใครทําอะไรให้แม้ตาทั้งสองของเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นๆแม้ศีสระของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆนายสารธีก็กราบทูลว่าขอเดชะนี้เรียกว่าคนเจ็บนายสารธีผู้สหายนี่หรือเราที่เรียกกันว่าคนเจ็บขอเดชะนี้แหลเรียกว่าคนเจ็บ ฉไนเล่าเขาจะพึงหายจากความเจ็บนั้นได้ก็คือแปลว่ายากนะถ้าเจ็บป่วยขนาดนี้เนี่ยที่จะทำให้หายปวดเนี่ยยากพระโพธิสัตว์ก็ถามว่านายสารถีผู้สหายถึงตัวเราก็จะต้องมีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงความเจ็บไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้หรือเราต้องเจ็บต้องป่วยอย่างนี้หรือขอเดชะพระองค์ด้วยข้าพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์และข้าพระพุทธเจ้า น, นั้น ล้วนจะต้องมีแต่ความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้ทุกคนจะต้องป่วยหมดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะาร่างกายทุกส่วนเนี่ยพร้อมที่จะจะป่วยเนี่ยนะไล่ตั้งแต่ผิวหนังก็พร้อมที่จะป่วยเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตไตหัวใจตับทางผืด ม, ม้ามปอดโครงสร้างทางสรีระทุกส่วนพร้อมที่จะป่วยพร้อมที่จะมีปัญหาพร้อมที่จะลุกไม่ได้พร้อมที่จะเดินไม่ได้เป็นต้นเนี่ย พร้อมที่จะพิการพร้อมที่จะง่อยพร้อมที่จะเปรี้ยบพร้อมที่จะเป็นอมาพลิดอมตะพร้อมที่จะเจ็บไข้ไม่สบายทั้งนั้นเลยนายสารถีผู้สหายถ้าเช่นนั้นวันนี้พอแล้วสําหรับภูมิภาคแห่งสวนเธอจงนำเรากลับไปจากวังจากกลับจากกลับเข้าไปสู่วังกลับจากสวนนี้เิด นายสารธีพอรับคําสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็เสด็จกลับไปยังวังแกลบไปาจากพระราชธยาดูกราพิสูงหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีราชกุมาร น, นิเสด็จถึงวังแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์เศร้าพระไทยพระองค์ดํำริว่าผู้เจริญได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นของหน้ารังเกียจหน้ารังเกียดแท้ตัวความเกิดนี่แหละ เพราะธรรมดาผู้ที่เกิดเนี่ยนะเพราะเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่ก็จะปรากฏความเจ็บก็จะปรากฏสําหรับผู้ที่เกิดมาแล้วฉั้นคนที่เกิดมาแล้วเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเนี่ยนะเพราะฉะนั้นครว่าชราก็ไม่พอมันบวกกับความเจ็บปวดไปหมดถามว่ามีร่างกายส่วนไหนที่ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดแล้วก็ไม่รู้จักป่วยเนี่ยนะบอกหายากทุกส่วนของ เสรีรัพร้อมที่จะเจ็บป่วยพร้อมที่จะไม่สบายพร้อมที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้าไปย่ายีหรือไปเสียดแทงอันี้พ่อล่ะดูกวามพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะรับสังหานายสารถีมาแล้วก็ตรัสถามว่านายสารถีผู้สหายราชกุมารได้อภิรมอยู่ในภูมิภาคแห่งสวนแลหรือนายสารถีก็ ก็ตอบว่าพระราชกุมารพอพระไทยในภูมิภาคแห่งสวนแลหรือนายสารถีก็บอกว่าขอเดชะพระราชกุมาร น, นี้ไม่ได้ทรงอภิรม์ในภูมิภาคแห่งพระราชุทยานขอเดชะพระราชกุมารมิได้พอพระไทยในภูมิภาคแห่งพระราชุทยานดังนี้พระราชาประทามต่อไปว่านายสารถีผู้สหายก็ราชกมุมารขณะเมื่อประพาสสวนเนี่ย ได้ทอดพระเนตรเห็นอะไรเข้าทำไมท่านจึงไม่สบายใจทำไมท่านจึงเสียใจนี่ก็ที่ไปเห็นคนป่วยเนี่ยนะก็คืออนุภาพของพรมชั้นสุดทาวาสเนี่ยนะพรมชั้นสุทาวาสไม่ต้องให้พระไม่ต้องการให้พระโ พ, ะพธิสัตว์เนี่ยนะตอนแรกก็ไม่ต้องการให้เมาอยู่ด้วยความเป็นหนุ่มนะอย่าคิดว่าตัวเองนี่จะไม่แก่นะก็เรียกว่าให้ดูภาพแค่นี้ก็สะเทือนใจมากแล้วเนี่ยนะตัวเองไม่ต้องรอถึงวันนั้น แค่เห็นคนแก่ก็สะเทือนใจมากแล้วมาครั้งนี้พอไปเห็นคนป่วยเขาอีกก็ยิ่งสะเทือนใจมากวันที่คิดว่าเออเราก็แก่แต่สุขภาพเราก็ดีที่ไหนได้แม้แต่เรื่องสุขภาพของเราพร้อมที่จะเสียหายพร้อมที่จะมีปัญหาพร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะป่วยได้หมดเลยพร้อมที่จะปวดเนี่ยนะนี้ถ้าเป็นสมัยใหม่ไม่ใช่เจ็บปวดธรรมดาบวกค่ารักษาเข้าไปอีกเนี่ยนะบวกค่าอยู่ค่าดูแลค่ารักษาเนี่ยมนะันถือว่า กว่าอะไรนะคนที่เก็บสตังค์เป็นต้นก็อะไรไว้อะไรไว้ดูแลร่างกายยามเจ็บป่วยนั่นแหละยามเจ็บไข้บทว่าบทนี้ว่าชาาจาักปรากฏพญาที่จักปรากฏความว่าเมื่อชาติชาาพญาที่ทั้งสองนี้ย่อมปรากฏชาตินี่น่ารังเกียจคือคือคนโดยคนปกติทั่วๆไปเนี่ยถามว่าเมื่อเห็น เห็นความแก่เนี่ยเกลียดความแก่หรือเกลียดอะไรบอกเกลียดความแก่แต่ไม่รังเกียจความเกิดแต่อย่างอะอย่างยายทั้งหลายที่เห็นหลานเนี่ยนะย่าทั้งหลายที่เห็นหลานเนี่ยปกติเนี่ยรังเกียจไหมโอ้เนี่ยเกิดมาชาราเช่นเราแท้ปล่างนี่ยนะโอ้ดีใจหลานของย่าหลานยายเนี่ยนะมันซึ่งจริงๆแล้วก็ผู้ที่เกิดมาก็กลับมาเป็นเช่นกับตัวเองนั่นแหละเนี่ยนะเราก็ทุกข์พอแรงแล้ว เราเราก็ทุกเป็นพลแล้วนะเนี่ยมันลูกหลานของเราก็เกิดมาทุกเช่นกับเรานี่แหละต้องคิดอย่างนี้เพราะนั้นตัวที่น่ารังเกียจแท้ๆก็คือตัวความเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เกิดนี่แหละจะปลอดจะโปร่งจะโล่ ง, ลงความสุขที่แท้จริงคือการไม่เกิดเพราะนั้นพระโกมานประทับนั่งขุดรากของชาติดุดลูกศรดอกที่สองเนี่ยเหมือนกระถอนลูกศรลูกที่สองออกไป กลัวความเกิดเนี่แหละถ้าจะน่ารังเกียจความแก่และความตายก็ต้องรังเกียจความเกิดทีนี้ในเรื่องที่พระเจ้าพันธุมะตรัสถามนายสารถีที่บอกว่าพระโพธิสัตว์ไปเห็นอะไรเข้าทำไมท่านจึงเป็นทุกข์ทำไมท่านจึงไม่พอพระไทย ในสารทีที่กราบทูลว่าขอเดชะพระราชกุมารเนี่ยขณะเมื่อประาพาธพระอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บถึงความลำบากเป็นไข้หนักนอนจมอยู่ในมูดเล็นอนจมอยู่ในอุจจาระปัสสาวะของตนบุคคลอื่นๆต้องช่วยพยุงให้ลุกคนผู้อื่นต้องช่วยให้กินครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วพระโพธิสัตว์ก็ต ร, รับสั่งขามข้าพระพุทธเจ้าว่า นายสารธีผู้สหายชายผู้นี้ถูกใครทําอะไรให้แม้ตาทั้งสองของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆแม้ศีรษะของเขาก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆนีะก็ไล่ถามทั้งหมดทั่วสติระนั่นแหละเมื่อข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขอเดชะนี้เรียกว่าคนเจ็บพระองค์ก็ได้ตรัสถามย้ําว่านายสารธีผู้สหายนี้หรือที่เรียกว่าคนเจ็บ เมื่อพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขอเดชะนี้แลเรียกว่าคนเจ็บนะคนเจ็บชนไหนเล่าเขาจะพึงหายจากความเจ็บนั้นได้เป็นโรคที่รักษาหายไม่ได้เด็ดขาดจริงๆรักษาตรงนี้หายปวดตรงนั้นก็เอาใหม่ทเรียกว่าดูแลหัวก็ผิดคอดูแลคอก็ผิดอกดูแลอกก็ผิดเอวอย่งนั้นดูแลเอวก็ผิดเข่าผิดขาดูแลบนก็ผิดล่างดูแลหน้าก็ผิดหลังอ๊ยมันวุ่นวายไปหมดเลยอย่างนั้น ดูแลภายนอกก็ผิดภายในดูแลภายในก็ผิดภายนอกอย่าคิดเลยว่ามันจะดีขึ้นมันมีแต่เดือดร้อนขึ้นเนี่ยนะใช่แน่นอนร่างกายมันมีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้พันจะหายทำให้หายจริงอะ่ะหายไม่ได้หรอกพระกุมารก็ได้ตรัสถามข้าพระองค์ว่านายสารถีผู้สหายถึงตัวเราก็จะต้องมีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงความเจ็บไปได้หรือ ข้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ด้วยข้าพระองค์ด้วยล้วนแต่จะต้องมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ยังไงก็แก้ไม่ได้โรคนี้มันเป็นโรคเรียกว่าโรคอรมตะว่างั้นนะ่ะโรคใครก็เป็นเรียกว่าโรคมันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กยันใครก็ช่างคนชนชาติใดวันนะใดเผ่าใดอะไรใดก็เกิดมาแล้วล้วนแต่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละ พระองค์นี่เป็นคือพระโพธิสัตว์เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยสะสมอัธยาศัยที่จะเห็นอริยสัจก็น้อมเทียบเคียงภายในน้อมคทบทเทียบเคียงภายนอกน้อมเทียบเคียงว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีมีอะไรพยาธิคือความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาเนี่ยนะก็เปรียบได้เลยว่าตัวเองก็ต้องเป็นอย่างนี้คนอื่นก็ต้องมาคอย พ, พ, พยุงเราเนี่ยพยุงลุกพยุงนั่งนะดูแลอุจจาระปัสสาวะเนี่ยโอ้จะทุกข์ขนาดไหน พระองค์ก็บอกวันสารทีผู้สหายถ้าเช่นนั้นวันนี้พอแล้วสําหรับภูมิภาคแห่งสวนเธอจงนําเรากลับไปวางจากสวนนี้ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าก็ราบคาสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็นําเสด็จกลับไปจากวางังกลับไปสู่วังจากพระราชธิญานนั้นขอเดชะพระราชกุมาร น, นั้นแหลเมื่อเสด็จถึงวังแล้วพระองค์ก็ทรงเป็นทุก์เศร้าพระไทย ทรงดำริว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นของน่ารังเกียจเพราะธรรมดาว่าเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่จากปรากฏความเจ็บป่วยจากปรากฏแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วเ น, นี่ยคือท่านเนี่ยนะท่านคิดเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นชีวิตจิตใจของท่านท่านเอาเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาหลักของท่านท่านถือว่าความเกิดนี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ มันถ้าจะพ้นจากทุกเหล่านี้ได้ก็ต้องไม่เกิด น, นนะท่านก็เริ่มคิดลกักษณะของฝั่งวัตตะและวิวัตะเพราะอัธยาสัยสังสมมาที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยนะมันเมื่อเห็นทุกท่านก็สาวไปหาเหตุเหตุแห่งชราและมรณะเหตุแห่งชาลาและพยาทีก็มาจากความเกิดตัวความเกิดนี่น่ารังเกียจถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องมีชราและ อ่าชราและพยาธิเนี่ยนะพท่านก็เห็นเลยท่านก็เข้าใจแล้วเพราะนั้นแต่ว่ายังไม่รู้ช่องทางที่จะดับความเกิดเป็นต้นนี่คืออะไรก็ได้แต่จมอยู่กับความทุกรู้นะว่าไอเหมือนกับว่ารู้นะว่าโรคเนี่ยมันเกิดเพราะอ่โรคเนี่ยมันจีบปวดขนาดไหนสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตัวนี้มาอย่างไรรู้นะว่าท้องเสียตัวนี้มาจากอาหารชนิดไหนเนี่ยนะ ดูความพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะเนี่ยนะพอได้รับฟังอย่างนั้นเสร็จก็คิดว่าวิปัสสิราชกุมารอยากได้ถึงกับไม่สเสวยราชสเสกลือยังไงก็ต้องสเสวยราชต่างนั้นวิปัสสีราชกุมารอย่าผนวดออกบวชเป็นบรรปชิตเลยถ้อยคําของเนมิตพราหมยาพึงเป็นความจริงเลยเศร้านะฟังคือไม่อยากให้ลูกบวชเลยเนี่ยนะเพราะคื อ, ค, อคือภาพของนักบวชเนี่ยนะท่านเห็นนะว่านักบวชสมัยนั้นเนี่ย มันเป็นอย่างไรไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายอะไรเลยไม่ต้องการให้ลูกทุกยากลําบากต้องการให้ลูกเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขเพราะท่านถือว่าความสุขนั้นจะต้องบําเรอตาบําเรอหูบําเรอจมกูกบําเรอลิ้นบําเรอร่างกายนี่แหละคือความสุขแท้ท่านทํำยังไงที่จะได้รับการบําเรอปรนเปรตตาหูจมกูกลิ้นกายเพราะว่าตาหูจมกูกลิ้นกายเนี่ยเรียกว่าเป็นสมบัติของพ่อแม่เนี่ยนะก็เรียกว่ามีอะไรนะ มี d n a อ็ของพ่อแม่ติดมาด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องการให้ได้รับการดูแลบํารุงปรนเปรอให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยนะทำยังไงที่จะให้ลูกมีความสุขไม่ต้องลําบากทวารตาหูจมูกลิ้นกายได้รับรูปแต่ที่ดีๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่ดีๆทั้งหลายไม่ต้องการให้ลูกไปทุกไปยากไปลําบากเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือ พระเจ้าพันธุมะก็รับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกามคุณห้ายิ่งกว่าแต่ก่อนเรียกว่าดูแลให้ดียิ่งกว่านี้อีกลูกจะได้ติดใช่ลูกจะได้ติดความสุขลูกจะได้กลัวความลําบากลูกก็จะได้ไม่ต้องไปไปทุกข์ไปยากเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้ายิ่งบำเรอด้วยรูปที่น่าปราถนาเนี่ยนะคุณะตัวนั้นแปลว่าเครื่องรักกามะแปลว่าใครเรียกว่าผูกมัดรักด้วยความใคร ต้องการให้พระโพธิสัตว์เนี่ยถูกผูกถูกมัดถูกร้อยถูกรัดด้วยรูปที่น่าปรารถนาอย่างเดียวต้องการให้ผูกมัดใจของพระโพธิสัตว์ด้วยเสียงที่น่าปรารถนาต้องการให้ผูกมัดรัดด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสที่น่าปรารถนาเพราะคิดว่าวิธีนี่แหละเป็นวิธีการที่จะให้พระวิปัสสิราชกุมารสวยราชสมบัติโดยอาการที่จะไม่ให้พระวิปัสสิราชกุมารเสด็จผนวชบวชเป็นบรรพชิต โดยอาการที่จะให้ถ้อยคำของเนมิตรพราหมเนี่ยเป็นคำที่ผิดภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีราชโกมา น, นั้นก็เพียบพร้อมบําถูกบําเรออยู่ด้วยกา ม, มคุณห้าบํารุงบําเรออยู่เนี่ยนะชีวิตก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายเนี่ยนะนี่ต่อไปอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแหลเมื่อการล่วงไปหลายปีหลายรย้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุ ม, มารก็ได้ตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งว่านายสารถีผู้สหายเธอจงเทียมยานที่ดีๆเราจะไปสวนเพื่อชมพื้นที่อันสวยสดที่สู่ทั้งหลายนายสารถีกราบคำสั่งของพระวิปัสสีราชกุ ม, มารแล้วก็เทียมยานที่ดีๆเสร็จแล้ว ก็กราบทูลแด่พระวิปัสสีราชกุมารว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้เตรียมยานที่ดีๆเสร็จแล้วบัดนี้พระองค์ทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิดพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีราช ก, ากุมารก็ทรงยานอันดีเสด็จประพาสพระอุทยานพร้อมกับยานที่ดีๆทั้งหลายดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อพระวิปัสสีราชกุมารนั้นขณะที่เสด็จประพาสพระอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่มหาชนเนี่ยประชุมกัน และวอที่ทําด้วยผ้าสีต่างๆ ง, ง, งานศพโบราณ น, น่ะนะถ้าสมัยนี้ก็อะไรพวงรีเต็มไปหมดเลยนะไอ้ผ้าสีสมัยนี้ก็คือพวงรีทั้งหลายเนี่ยนะคนเนี่มารวมกันเยอะแยะพวงรีเต็มไปหมดเลยพ่อพระเนศเห็นแล้วก็รับสั่งถามนายสารธีว่านนายสารธีผู้สหายหมู่มหาชนเนี่ยเข้าไปชมกันทําไมและเขาทําวอด้วยผ้าสีต่างๆกันทําไม นายสารธีก็กราบทูลว่าขอเดชะนี้เรียกว่าคนตายพระวิปัสสีราชกุมารก็ถามสั่งว่านารับสั่งถามว่านายสารธีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางคนตายนั้นจะไปดูให้มันใกล้ๆซิมันเป็นยังไงคนตายดูความพิสูจทั้งหลายนายสารธีก็รับคําสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็ได้ขับรถไปทางคนตายนั้นพิสูจน์ทั้งหลายพระวิปัสสีราชกุมาร ได้ทอดพระเนตรเห็นคนตายไปแล้วได้ตรัสเรียกนายสารธีมารับสั่งถามว่านายสารธีผู้สหายนี้หรือเรียกว่าคนตายนอนนิ่งเลยนะไม่กระดิกอะไรเลยเนี่ยนะก็คิดดูนะไม่ใช่คนตายไม่ใช่ตายแบบอายุสิบหกตายอย่างที่ยังสวยงามอะไรไม่ใช่เพราะว่าแก่ป่วยแล้วก็ตายเนี่ยนะสภาพของคนตายจะเป็นยังไงนายสารธีก็กราบทูลว่าขอเดชะ นี้แหละที่เรียกว่าคนตายบัดนี้มารดาบิดาหรือญาติสาโลหิตอื่นๆจากไม่เห็นเขาต่อไปเนี่ยนะตายเสร็จแล้วก็เผาเผาเสร็จแล้วก็ไม่มีใครเห็นใครเล้วแม้เขาก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นมารดาเห็นบิดาหรือเห็นญาติสาโลหิตอื่นๆก็แปลว่าคนรักทั้งหลายคนที่รักเขาทั้งหลายก็จะไม่เห็นเขาแม้ตัวเขาเองก็จะไม่ได้พบเห็นคนที่เขารักเลยนายสารธีผูสหาย พระโพ ธ, ธ, ธิสัตว์ก็ถามถึงตัวเราก็จะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้หรือพระเจ้าแผ่นดินพระเทวีหรือพระญาตสาโลหิตอื่นๆจักไม่เห็นเราหรือถึงตัวเราก็จักไม่เห็นพระเจ้าแผ่นดินพระเทวีหรือพระญาตสาโลหิตอื่นๆอีกหรือแปลว่าตัวเราเองนี่ก็ต้องจากพ่อจากมเหสีจากญาติญาติสิแม้อะนะญาติญาติก็ต้องจากเราเราก็ต้องจากญาติอย่างนั้นใช่ไหมะต้องสูญเสียจากของรักทั้งมวลเหล่านี้ใช่ไหม ขอเดชะพระองค์ด้วยและข่าพระองค์ด้วยล้วนแต่จะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เป็นความจริงอนะพระเจ้าแผ่นดินพระเทวีหรือพระญาติสาโลหิตอื่นๆจักไม่เห็นพระองค์แม้พระองค์ก็จักไม่เห็นพระเจ้าแผ่นดินพระเทวีหรือพระญาติอื่นๆพระโพธิสัตว์ก็บอกโอ้ยหมดสนุกแล้วนะ เที่ยวกันทำไมนาะแบบคิดแบบภาษาเรียบดูทําไมคนร้องรำำําทําเพลงเดียวคนร้องรําก็ตายเดียวคนดูก็าตายอีกไม่นานก็าตายก่อนจะตายสแสวงหาธรรมที่พ้นจากความแก่และความตายดีกว่านี่ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์นี่ก็ทําไงดีกลับดีกว่าถ้าเช่นนั้นวันนี้พอแล้วสําหรับภูมิภาคแห่งสวนเธอจงนําเรากลับไปไปจากกลับไปสู่วังจากสวนนี้เถิด ดูการพิสูุทั้งหลายนายสารธีกราคาบคำสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็ได้นําเสด็จกลับไปวังจากพระราชุทยานนั้นดูการพิสูจทั้งหลายได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จถึงวังแล้วก็เป็นทุก์เศร้าพระไทยดำริอยู่ว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นของหน้ารังเกียจเพราะธรรมดาว่าเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่ก็จกปรากฏ เพราะเกิดแท้ก็เลยแก่เมื่อความเกิดมีอยู่ความเจ็บก็จักปรากฏเมื่อความเกิดมีอยู่ความตายก็จักปรากฏแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วมันเป็นผลผลิตของความเกิดอย่างเดียวนะความแก่เนี่ยถ้าไม่เกิดจะแก่หรือถ้าไม่เกิดจะเจ็บหรือถ้าไม่เกิดจะตายทําไมเพราะฉะนั้นความเกิดเนี่ยน่ารังเกียจแท้ผลผลิตของความเกิดก็คือความแก่ผลผลิตของความเกิดก็คือความเจ็บผลผลิตของความเกิดก็คือ ความตายเกิดอแก่เจ็บตายนี่เลี้ยงยากยากนะนะเขาบอกว่าโอร่างกายของเราเนี่ยให้กินก็แล้วให้ดื่มก็แล้วให้นั่งก็แล้วให้ลุกก็แล้วให้นอนก็แล้วโอ้ยมันยิ่งดูแลยากทั้งภาระกับภาระใหญ่แท้เนี่ยนะแล้วก็ลุกเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็โอ้ยวุ่นวายแท้เนี่ยนะอะไรจะทุกข์เท่ากับขันทา ม, มีอีกแล้วภาระฮเวปันจักขันทาว่าขันทานี่แหละตัวมหาภาระเนี่ยนะใครรู้สึกมีความสุขที่ได้เลี้ยงร่างกายบ้างนะ แม่คนนั้นเนี่ยใจเขาทำด้วยอะไรเนะเนี่ยนะหรือบุญเก่าเขาทำมาดีแท้เขาช่างมีความสุขในการดูแลร่างกายแท้เนี่ยนะแต่แหมมันภาระเลอเกินเนี่ mm. บุญน้อยนำเกิดก็อย่างนี้แหละท่านบอกว่าเมื่อชาติความเกิดเนี่ยนะชราพยาธิมรณะทั้งสามก็ย่อมปรากฏชาตินี่จึงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเมื่อไม่มีชาติคือความเกิดเนี่ยจะต้อง ปลอดปร่งเพราะฉะนั้นพระกุมารประทับนั่งขุดรากของชาติดุดถอนลูกศรลูกที่สามที่ทิมแหงรู้เลยว่าต้องถอนความเกิดอย่างเดียวพวันวิธีทําลายไม่ให้เกิดนี่แหละจึงจะพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายเนี่ยจะต้องไม่เกิดอย่างเดียวหลายคนก็บอกโอ้ยถ้าเกิดแล้วมันจะได้พบได้เห็นในสิ่งที่เราพอใจหรือห่วงเหลือกเกินกลัวจะไม่ได้เกิดปัญหาว่ามันได้เกิดจะเป็นมนุษย์อย่างนีว้วะคำว่าเกิดในตรงนี้เกิดในที่ไหนนรกเปรตอสุรกายและเดราชาญทั้งหลาย เอาไหมถ้าไม่เกิดเป็นไปเกิดเป็นเป็ดเนี่ยเขาจะเชื้อดหรือจะถูกเชื้อดัองนี้รึเนี่ยนะไอ้คณิยามของคําว่าเกิดไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แต่หมายถึงเกิดในวัฏฏะสองสารเกิดในนรกเกิดในเปรตอสุรกายและเดรชาญทั้งหลายเนี่ยนะเกิดเนี่ยเห็นว่าความทุกเนี่ยท่้นคนที่เกิดมาในโลกที่ประสบสุขทําอะไรสมหวังสมความปรารถนามีกี่คนคนที่มีความสุขกับคนที่มีความทุกไหนมากกว่า น, นี่นะคนที่อาบเหงื่อ แรงกายตลอดเวลาพิการเป็นต้นเนี่ยนะไหนมีมากกว่ากันนั้นจะรู้เลยว่าความเกิดนี่ช่างโหดร้ายแท้ถ้าไม่เกิดความทุกเหล่านี้จะมีไหมไม่มีโรคเนี่ยนะดูกวามพิสู่ทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะกราบสั่งหานายสาร ถ, ถีมาแล้วก็ตรัสถามว่านายสารถีผู้สหายพระราชกุมารได้ทรงอภิรมย์อยู่ในภูมิภาคแห่งสวนแลหรือ นายสารถีผู้สหายราชกุมารพอพระไทยอยู่ในภูมิภาคแห่งสวนแลหรือนายสารถีก็กราบทูลว่าขอเดชะพระราชกุมารไม่ได้ทรงอภิรม์ในภูมิภาคแห่งพระอุทยานขอเดชะพระกุมารไม่ได้ทรงพอพระไทยในภูมิภาคแห่งพระราจุทยานกเรียกว่าพระราชกุมารทุกพ่อก็เศร้าไปด้วยนะพ่อก็ม่ค่อยเป็นห่วงเป็นใ ย, ยลูกแล้วเกินเนี่ยยังไงก็เป็นจกักรพรรดิก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะกันนะเรียกว่า มิ้งก็ถามต่อไปว่านายสารธีผู้สหายก็ราชกุมารขณะเมื่อเสด็จประพาสสวนได้ทอดพระเนตรเห็นอะไรเขา้าทําไมท่านจึงไม่พอใจทําไมท่านจึงไม่อภิรม์เพราะอะไรนายสารธีก็กราบทูลว่าขอเดชะพระกุมารเนี่ยขณะเมื่อประพาสพระอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่มหาชนประชุมกันและวที่ทําด้วยผ้าสีต่างๆเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสถามข้าพระพุทธเจ้าว่า นายสารธีผู้สหายหมู่มหาชนประชุมกันทำไมเขากระทำวอด้วยผ้าสีต่างๆกันทำไมข้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลว่านี่แหลเรียกว่าคนตายพระองค์ก็ได้ถามข้าพระองค์ต่อไปว่านายสารธีผู้สหายถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางคนตายนั้นขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าก็รับคําสั่งของพระวิปัสสีราชกุมานแล้วก็ขับรถไปตามทางคนตายนั้น ขอเดียวช้าพระกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นคนตายแล้วนะเห็นคนตายเนี่ยภาพคนตายไม่ได้สวยอะไรอีกแล้วใช่ไหมขนาดเป็นเนี่ยนะแก่ตอนแก่ก็ไม่สวยตอนป่วยก็ตอนเจ็บก็ไม่สวยเนี่ยนะแล้วตายจะสวยมาจากไหนใช่ไหมอันภาพที่เห็นเนี่ยก็โอ้สุดสังเวชอย่างั้นแหละบางคนนี่ไม่กล้าไปดูคนตายเลยเนะี่ยก็มาเนี่ยโตพอสมควรแล้วถึงกล้าเห็นคนตายบ้างปกติแล้วโอยไม่จําเป็นไม่เห็นเด็ดขาด่นะ ไม่มีธุระเอาเข้าวลงก่อนแล้วเขาว่าไปเห็นสี่เหลี่ยมก็ค่อ ย, ยังชั่วนหน่อยนะไปเห็นภาพคนตายแล้วทําใจไม่ได้เคยไปนอนอยู่ใกล้ป่าอยู่ในป่าช้าโอ้ยกลิ่นมันก็ขาวคลาคลุ้งเนี่ยนะก็หลับดีมกันนะเอาจนหลับจนได้นะตื่นขึ้นมากลางดึกโอ้ยเสียวบเลยนะแล้วก็ขณะเขาไปนอนอยู่ป่าช้าหลายป่าช้าเนะี่ยมันก็ยังเสียวๆอยู่เหมือนกันนะแสดงว่าเออกลัวอะไรกันแ น, ะนะนะ่นะั่นนะก็นี่แหละกลัวอะไรกลัวใจตัวเอง เพราะอะไรเราะเมียกุศลอยู่นะยังเป็นอกุศลเพราะว่ายังไม่ได้เจริญพิจารณาขันพิจารณารูปจนรูปไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะอ น, นะปัญญาไม่พอที่จะพิจารณารูปจนละคลายโทสะได้เพราิ่นั้นก็ยังกลัวว่างั้นนะพอเห็นคนตายเข้าพระองค์ก็รับสั่งถามข้าพระพุทธเจ้าว่าสารถีผู้สหายนี้หรือที่เขาเรีย ก, กว่าคนตายข้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลว่าขอเดชะนี้แหละเรียกว่าคนตาย บัดนี้มารดาบิดาและญาติสาโลหิตอื่นๆจักไม่เห็นเขาแม้เขาก็จักไม่เห็นมารดาบิดาหรือญาติสาโลหิตอื่นๆเพราะนั้นเขาต้องสูญเสียเขาต้องพลัดพรากจากของรักทั้งหมดคับพระองค์พระโพธิสัตว์วิปัสสิราชกมานก็ถามต่อไปว่านายสารถีผู้สหายถึงตัวเราก็จะต้องมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้หรือพระเจ้าแผ่นดินพระเทวีหรือพระญาสาวโลหิตอื่นๆจกไม่เห็นเราหรือแม้เราก็จะไม่เห็นพระเจ้าแผ่นดินพระเทวีหรือพระญาสาวโลหิตอื่นๆหรือเมื่อข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าขอเดชะพระองค์และข้าพระองค์เนี่ยนะล้วนแต่ต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เนี่ยนะก็เดินไปตายนั่แหละนั่งก็นั่งรอความตาย ไปก็ไปหาที่ตายนอนก็นอนรอความตายยืนเดินนั่งนอนก็รอความตายทานทําไมก็ทานรอความตายวันกิจกิจกรรมทุกอย่างทาเพื่อรอความตายเพราะที่สุดของกิจกรรมทุกอย่างก็จบลงที่ความตายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างงี้แล้มันก็ต้องมีการพลัดพราก พระเจ้าแผ่นดินพระเทวีพระญาติสาโลหิตอื่นๆก็จักไม่เห็นพระองค์แม้พระองค์ก็จักไม่เห็นพระเจ้าแผ่นดินพระเทวีหรือพระญาติสาโลหิตอื่นๆพระโพธิสัตว์พอได้ฟังอย่างนี้ก็ตรัสว่านายสารธีผู้สหายถ้าเช่นนั้นวันนี้พอแล้วสําหรับภูมิภาคแห่งสวนเธอจงนําเราเนี่ยกลับไปวังจากสวนนี้เถอะขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากราบคําสั่งของพระวิปัสสีราชคุมารนั้นแล้วก็นํา เสด็จกลับไปยังวังจากพระราชุทยานนั้นขอเดชะพระราชกุมาร น, นั้นแลเสด็จถึงวังแล้วก็ทรงเป็นทุก์เศร้าพระไทยพระองค์ทรงดำริว่าผู้เจริญได้ยินว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นของที่น่ารังเกียจเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่ก็จะปรากฏความเจ็บก็จะปรากฏความตายก็จะปรากฏแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วเพราะเกิดแท้ๆเนี่ยนะ อันส่วนใหญ่ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเห็นความแก่ก็รังเกียจความแก่เห็นความป่วยก็รังเกียจความป่วยเห็นความตายก็รังเกียจความตายแต่ไม่รังเกียจความเกิดเนี่ยนะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเ ร, เราต้องคิดนะเอถ้าเราจะตายตายก็เกิดตายเพื่อเกิดเกิดทำไมก็เกิดจะได้มาแก่มาป่วยมาตายนะไปไหนบอกไปเกิดไปพบใหม่ไปเกิดได้พบใหม่เกิดทาไมจะได้ไปแก่ไปป่วยไปตายบอก Son โอ้นี่เหรือกิจกรรมเนี่ยนะ ช่างไรสาระแท้เหมือนันนะนะก็ัพิจนาอูนี่ทําไม่เกิดนะจะแก่อย่างนี้ไหมก็คิดวิตกอ น, นะนะตรึกพิจารณาต่อไปว่าทํายังไงจะได้พ้นจากความเกิดเมื่อพ้นจากความเกิดแล้วก็ต้องไม่ต้องแก่อีกแล้วไม่ต้องเจ็บป่วยอีกแล้วไม่ต้องตายอีกแล้วเนี่ยนะหลายคนเนี่ยนะก็แค่เดาในใจว่าไม่ต้องเกิดบางคนเขาคิดอย่างงี้นะเออเดี๋ยวตายแล้วก็จบแล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องเจ็บปวดเพั้นคนที่ตายคือคนที่มีความสุข ใช่หรือเขาขอให้เป็นเช่นนั้นเธอเนี่ยนะถ้ามันตรงกงันข้ามกับที่เข้าใจล่ะเนี่ยนะถ้าถ้าไม่มีอรหัตมรักษ์มากำจัดสาเหตุแห่งความเกิดบอกว่าอย่าไปคิดเลยว่าจะถ้าตายแล้วจะสบายเน่ยนะยิ่งคนที่มีโอกาสเพราะพระพุทธศาสนาถ้ายังเจริญคุณธรรมจนถึงอรยิยมรรคไม่เกิดจะ อ, อุ่นใจเลยเนี่ยนะก็ะเหมือนกับว่าอะไรนะเชื่อโรคอันนี้มันไม่ได้ตัดเด็ดขาดจริงๆ เพียงแต่ว่าอะไรนะผ่าตัดเอาเนื้อ ง, งอกออกก้อนเดียวแต่ว่าไอ้ที่เหลือมันไม่ได้รับการรักษามันงอกได้ทุกที่พราะมันก็เจ็บปวดได้ทุกที่เพราะอากุโซลครมทั้งหลายมันที่นําเกิดมันก็เป็นอย่างนั้นพันก็พร้อมที่จะไปทุกทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะนะสำหรับผู้ที่เกิดมาแล้วเนี่ยนะอย่าคิดว่าจะพ้นจากความเกิดได้ง่ายๆนี่ยนะนะ ดูการพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหละพระเจ้าพรนธุมะก็ทรงพระดำรวิว่าวิปัสสีราชกุมารอย่าไม่พึงโวยราชเลยวิปสัสสราชกุมารอย่าออกประดบวชเป็นบรรตชิตเลยถ้อยคำของเนมิตรพราหมทั้งหลายอย่าเป็นความจริงเลยเนี่ยนะไม่ต้องการให้ลูกบวชโดยประการทั้งปวงวัน ดูความภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระเจ้าพันธุมะกราบสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสิราชกุมารด้วยกา ม, มคุณห้ายิ่งกว่าแต่ก่อนโดยอาการที่จะให้พระวิปัสสีราชกุมารเสวยราชโดยอาการที่จะไม่ให้พระวิปัสสิราชกุมารเสด็จผนวดบวชเป็นบรรปะชิตโดยอาการที่จะให้ถ้อยคําของเนมิตะพราบเป็นคําพู้ที่ผิดภิกษุทั้งหลาย ได้ยินว่าครั้งนั้นพระวิปัสสีราชกุมารเพียบพร้อมพร่งพร้อมไปด้วยกามาคุณห้าได้รับการบำรุงบำเรออยู่นะก็เพียงพ่อเนี่ยแม่ไม่ต้องการให้ลูกบวชทํายังไงจะผูกใจไว้ลูกไว้นะคุณฮะตัวนั้นแปลว่าผูกท่านทำยังไงจะได้ผูกลูกให้อยู่กับความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธาภะทั้งหลายสุดเท่าที่จะทำได้ลูกจะได้เสวยราชลูกจะได้เป็นจั ก, กรพรรดินปกครองแผ่นดิน มีมหาสมุทรสีเป็นขอบเขตเนี่ยนะต้องการมากเลยดูการพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหละโดยการล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีคือท่านเป็นครรวาสวิสัยอยู่แปดพันปีเนี่ยนะมันเหตุการณ์เนี่ยห่างกันเป็นพันปีเนพระวิปัสสีราชกุ ม, มารก็ตรัสเรียกนายสารถีมารับสั่งว่านายสารถีผู้สหายเธอจงเทียมยานที่ดีดเราจะไปในสวนเพื่อจะชมพื้นที่ อันสวยสดเนี่ยนะพรอยากจะชมของงามๆเหมือนกันแหละพิสูจทั้งหลายนายสารธีก็รับคําสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วเทียมยานที่ดีๆเสร็จแล้วก็กราบทูลแด่พระวิปัสสีราชกุมารว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเทียมยานที่ดีๆเสร็จแล้วบัดนี้พระองค์ทรงกําหนดเวลาอันสมควรเถิด โดยควาภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปสัสสีราชกุมารทรงยานที่ดีสเสด็จประพาธพระอุทยานพร้อมกับยานที่ดีๆทั้งหลายก็ปแปลว่าไม่ได้ไปคันเดียวนะไปหลายคันมากคันที่พระองค์นั่งก็เป็นคันอย่างดีแล้วก็คันอื่นๆก็เป็นยานอย่างดีๆทั้งนั้นเลยพิสูุทั้งหลายพระวิปสัสสีราชกุมารขณะเมื่อสเสด็จประพาธพระอุทยานก็ได้ทอดพระเนตรเห็นบุรุษบันปชิต ศีรษะโลน้นนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผ้าย้อมน้ำฝาดเนี่ยนะเป็นชายหัวโล้นไปนั่งคันทอดพระเนตรเห็นแล้วก็รับสั่งถามนายสารธีว่านายสารธีผู้สหายบุรุษผู้นี้ถูกใครทำอะไรให้ไปโดนอะไรมาเนาะอย่างนั้นศีรษะของเขาก็ไม่เหมือนคนอื่นไม่มีผมเลยอยางนั้นแม้ผ้าที่เขาใช้ก็ไม่เหมือนของคนอื่นไปใช้ผา้าย้อมน้าฝาดเนี่ยนะ นายสารธีก็กราบทูลว่าขอเดชะนี้แลเรียกว่าบรรปชิตอันนี้ก็ด้วยเทวานุภาพนะนายสารธีผู้สหายนี้หรือที่เรียกกันว่าบรรปชิตขอเดชะนี้แลเขาเรียกว่าเป็นบรรปชิตบัรปชิตเนี่ยคือผู้ที่เว้นรอบเพราะเป็นคนที่มีความเห็นว่าการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นความดีการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นความดี คำว่าประพฤติธรรมคือประพฤติกุศลกรรกมบดเนี่ยนะการประพฤติกุศลกรรกมบดเนี่ยเป็นความดีการประพฤติความสม่ำเสมอทางกายวาจาใจเนี่ยเป็นความดีการประพฤติแต่กาเออกุศลคือกายกรรมที่เป็นกุศลวจีกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลนั้นเป็นความดีการกระทำบุญเนี่ยเป็นความดีคำว่าบุญก็เป็นชื่อของกรรมบดสิบอีกนั่นแหละเนี่ยนะก็คือประพฤติ อประพฤติความประพฤติ ธ, ธรรมก็คือกรรมบุตรสิบเป็นความดีประพฤติสม่ําเสมอก็สม่ําเสมอด้วยกายวาจาใจก็ประพฤติกุศลกรรมบุนั้นเป็นความดีคือทุกอย่างนั้นการทําบุญก็ทําบุญด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนั่นเองการไม่เบียดเบียนคือการเจริญเมตตาเนี่ยนะเป็นความดีอขออภัยการเบียดไม่เบียดเบียนเนี่ยอวิหิงสาเนี่ยหมายถึงการเจริญกรุณา การไม่เบียดเบียนคือเจริญกรุณาเนี่ยเป็นความดีการอนุเคราะห์แก่หมูสัตว์ด้วยเมตตาเนี่ยเป็นความดีก็เห็นอะไรก็สามารถบรรยายถึงว่ากรรมบทสิบเป็นความดีก็คือเจตนาที่เว้นจากความชั่วด้วยกายวาจาใจรักษากุศลทางกายวาจาใจการเจริญกรุณาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญเมตตาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่แหละเป็นความดีนะพระโพธิสัตว์ก็ถามว่า สาธุนายสารธีผู้สหาย ด, ดีดีจริงนะที่บุคคลนั้นได้นามว่าบันปะชิดดีแท้เพราะว่าการประพฤติ ธ, ธรรมคือสุจริตธทธรรมกายวาจาใจเนี่ยเป็นความดี การประพฤติสม่ำเสมอทางกายวาจาใจเป็นความดีการประพฤติกุศลด้วยกายวาจาใจเป็นความดีการทำบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นความดีการไม่เบียดเบียนอยู่ด้วยกรุณาเนี่ยเป็นความดีการอนุเคราะห์หมูสัตว์ด้วยเมตตาเนี่ยเป็นความดีนายสารถีผู้สหายถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางบรรพชิตนั้นฟังแล้วชื่นใจเ น, ใจในี่ยใจเนี่ยชื่นขึ้นมาเลยดีใจขึ้นมาเลย แนวหนทางมันน่าจะแนวนี้แหละเพราะจะต้องประพฤติสุดเจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วพฤติประพฤติอยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณานี่แหละแหมดีแท้สาธุนะยอมรับเลยเออดีๆปกติมีแต่ซึมมีแต่เศร้างั้นชราและมรณะมันจะไปโก้อ้ายเนี่ยนะนะจัดคนแก่มาเดินโชว์กันไงนะใครแก่ที่สุดไ้นะและใครเดินได้แมหน่าเกลียดที่สุดไงนะเขาไม่มีใครเขาทาหรอกกันนะ มันก็อย่างนี้แล้วันความแก่ความมน่ารังเกียจแต่บอกแม่ความประพฤติดีความประพฤติทำเพื่อให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยดีแท้ดูความพิสูนทั้งหลายนายสารธีก็รับคำสั่งของพระวิปัสสีราชกุมาแล้วก็ขับรถไปทางบรประชิตนั้นดูความพิสูนทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีราชกุมาก็ได้ตรัสถามบรประชิตนั้นว่าสหาย ท่านนี่ถูกใครทำอะไรให้แม้ศีรษะของท่านก็ไม่เหมือนคนอื่นๆแม้ผ้าทั้งหลายของท่านก็ไม่เหมือนของคนอื่นๆเนี่ยนะสตรีระร่างกายก็ไม่เหมือนคนอื่นเข้าของเครื่องใช้ก็ไม่เหมือนคนอื่นบนรรพชิตนั้นก็กราบทูลว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพแลชื่อว่าบรรพชิตพระโพธิสัตว์ก็บอกสหายท่านหรือชื่อว่าเป็นบนรรพชิตขอถวายพระพรถูกต้อง อาตมาเชื่อว่าเป็นบรระชิตเพราะการประพฤติธรรมเนี่ยเป็นความดีประพฤติธรรมคือธรรมจริยาเนี่ยนะประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยเป็นความดีการประพฤติสม่ำเสมอสม จ, จริยาประพฤติความดีด้วยกายวาจาใจเนี่ยเป็นความดีการประพฤติกุศลจริญจริยากุศลทางกายวาจาใจกุศลคือความไม่มีโทษเนี่ยนะความไม่มีโทษเนี่ยเป็นความดีการทำบุญบุญญากิริยา ทำบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นความดีการไม่เบียดเบียนคืออวิงอวิหิงสาอยู่ด้วยการุณาเนี่ยเป็นความดีการอนุเคราะห์แก่หมูสัตว์เนี่ยนะด้วยเมตตาเนี่ยเป็นความดีมันก็อยู่ด้วยกุศลกรรมาบถอยู่ด้วยเมตตากรุณาอยู่ด้วยศีลสมถะทั้งหลายอยู่ด้วยพรห ม, มิหารเนี่ยเป็นความดีแท้ สาธุสหายเรารู้แต่เพื่อนนะนะยอมรับว่าเออสาธุสหายดีแล้วที่ท่านได้ชื่อว่าเป็นบนรรปะชิตเพราะว่าการประพฤติธรรมเป็นความดีเนี่ยนะธรรมจริยาเนี่ยนะประพฤติธทำความประพฤติเพื่อจะรักษาไม่ให้ตกลงไปสู่โลกที่ชั่วความประพฤติความสม่ำเสมอความต่อเนื่องทางความดีด้วยกายวาจาใจาเป็นความดี น, นะประพฤติกุศลคือไม่มีโทษเป็นความดีทำแต่บุญ น, นะบุญก็คือสิ่งที่นำวิบาก ที่น่าปรารถนาให้เนี่ยเป็นความดีการไม่เบียดเบียนอยู่ด้วยกรุณาเห็นอกเห็นใจที่จะช่วยเขาให้พ้นจากทุก อ, นะอนุเคราะห์ด้วยเมตตาอนุเคราะห์ด้วยเมตตาหวังแต่ประโยชน์เกื้อกูลแก่โมศเนี่ยเป็นความดีแท้นะดีใจเลยนะดีใจลี่นเนี่ยแล้วทางละรู้แล้วว่าข้อปฏิบัติควรจะแก้ปัญหาเพื่อให้พ้นจากความเกิดความแก่และความตายเนี่ยเป็นอย่างไรอั้นการบวชที่จะมาประพฤติธรรมะอย่างนี้นี่แหละ ที่จะช่วยได้อย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่เกิดมาโดยที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีคำสอนไม่มีคนบอกรู้แต่รู้รู้ว่าชีวิตนี่มันมีปัญหาปัญหาก็คือชาติชาราและมรณะเนี่ยนะหนทางก็รู้ว่าเออนักบวชเนี่ยเขามาบวชแล้วก็ทำตัวกันอย่างนี้นะเ อ, อแล้วมาปฏิบัติอย่างเนี้ยปฏิบัติยังไงจึงจะพ้นจากชาติชาราและมรณะอันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของท่านที่ท่านออกบวช ธรรมะที่ทำให้พ้นจากชาติชรามรณะนั้นแหละเรียกว่าสันติวรบทบทอันสงบที่ไม่มีบทอื่นยิ่งกว่าเป็นบทที่ดับชาติชราและมรณะทีนี้อะไรคือกุศลประพฤติสุจริตธรรมได้อย่างไงประพฤติสม่ำเสมอได้อย่างไรประพฤติมรรมมมกุศลได้อย่างไรประพฤติเป็นบุญได้อย่างไรประพฤติแบบไม่เบียดเบียนอยู่ด้วยเมตตาเป็นต้นทําอย่างไรเจริญสมถาวิปัสสนานี่เป็นอย่างไรเจริญอริยมรรคมีโสดาปติมรรคเป็นต้นเนี่เจริญอย่างไร เพราะฉะนั้นก็เลยเห็นช่องทางว่าวิธีการที่จะช่วยได้ก็คือการออกบวชเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ตรัสเรียกนายสารถีมาสั่งว่านายสารธีผู้สหายถ้าเช่นนั้นเธอจงนำรถกลับไปสู่วังกลับจากสวนนี่แหละส่วนเราจักปลงผมและนวดนุ่งหม่มผ้ากาสาวพัดผ้าย้อมน้ำฝาดออกบวชเป็นบรรประชิดณนะสวนนี่แหละเนี่ยเนี่นก็ท้าหมหาพรหมก็มาถวายบริคัน ดูการพิสูจทั้งหลายนายสารธีรับคำสั่งของพระวิปัสสีราชกุมารแล้วก็พารถกลับไปยังวังจากสวนนั้นส่วนพระวิปัสสีราชกุมารก็ได้ทรงปลงพระเกศาและพระมะสุขแปลว่าโกนหนวดโกนเคราเนี่ยนะโกนหนวดเคราเสร็จแล้วก็ปลงผมครองผ้ากาสาวพัดเนี่ยนะอาศัยบริขารแปดที่เท้ามหาพรหมมาถวายสเสร็จออกผนวดบวชเป็นบรรปชิตแล้วก็อยู่ณพระอุทยานนั่นเอง นะก็อยู่ในสวนอยู่ในในเขตวังนั่นแหละดูความิสู่ทั้งหลายหมู่มหาชนในพระนครพันทุมดี ร, ราชธานีประมาณแปดหมื่นสี่พันคนได้สดับข่าวว่าพระวิปัสสีราชกุมารไดป้ปลงพระอปลงพระเกศาและพระมะสุเนี่ยนะก็โกนผมโกนเคราอย่างนั้นเนะครองผ้ากาสาวพัสรดุออกประนวดบวชเป็นบนรรพชิตเสร็จแล้วดังนี้นะบกบวชแล้ว ครั้งนั้นมหาชนก็ได้คิดต่อไปอีกนะตอนแรกก็ได้ฟังข่าวพอฟังข่าวก็ได้เกิดความคิดขึ้นว่าก็พระวิปัสสีราชคงมารได้ทรงปลงพระเกศาและพระมาสุขครองผ้ากาสาวพัดเสด็จพนูอ่าเสด็จออกผนวดบวชเป็นบนรรปชิตในธรรมวินัยใดหรือในศาสนาใดธรรมวินัยคือศาสนานั้นคงไม่เลวซามเป็นแน่นะศาสนานั้นต้องเป็นศาสนาชั้นเยี่ยมแน่นอน และการบรรปะชานั้นก็คงไม่เลวสามเป็นแน่ก็ได้เป็นการบวชอยู่ในศาสนาชั้นดีเป็นการบวชที่ดีแน่นอนเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแม้แต่พระวิปสัสสีราชกุมารท่านยังทรงปลงพระเกศาพระมสุขครองผ้ากาสาวพัสเสด็จออกผนวดบวชเป็นบนรรพชิตทำไมเนาะพวกเราจะทำไม่ได้บังเล่าเนี่ยนะก็คิดว่าขนาดท่านยังทำได้ท่านเป็นกรรษัตริย์สุคุมารชาติอยู่ปราสาทสามฤดูได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ท่านยังออกบวชได้แล้วทำไมเราจะทำบ้างไม่ได้ดูกอนพิสูจน์ท้งหลายครั้งนั้นแลหมู่มหาชนประมาณแปดหมืนสี่พันคนคก็ได้พากันโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบนรรตชิต ต, ตามเสด็จพระวิปัสสีโพธิสัตว์แล้วได้ยินว่าพระวิปัสสีโพธิสัตว์อันบริสัต้นห้อมล้อมเสด็จเที่ยวจาริกไปในคามหมู่บ้าน นิคมคือตำบลเนี่ยนะชนบทก็คือจังหวัดราชธานีก็คือแว่นแคว้ น, วนต่างๆดูความพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปสัสสีโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็เสด็จหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับคือเมื่อมีบริษัทติดตามประมาณ8ปดหมสี่พันก็ถือว่าเป็นคณะใหญ่มากประชาชนก็เลื่อมใสเป็นจํานวนมากเนี่ยนะเสร็จแล้วท่านก็มีความปริวิตตกเช่นนี้ว่าการที่เราอยู่ปะปนนะนะการที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่ปะปนอยู่เช่นนี้ไม่สมควร ไม่เหมาะเลยนะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองมากสักเท่าไหร่ต้องดูแลคณะแปดหมืนสี่พันคณะเนี่ยนะดูแลบริวารแปดหมืนสี่พันคนเนี่ยนะสาธุใครเป็นเจ้าวาดขนาดนี้ก็บริหารอยู่เย็นเป็นสุกานุโมทนาด้วยขอข้าพเจ้าอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยนะต้องโว้ยจะไปมีความสุขได้ยังไงแบบนั้นนฮะมันก็เลยคิดว่าไอาการที่เราเนี่ยหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเนี่ยดีแท้ พิสูจทั้งหลายครั้นสมัยต่อมาพระวิปัสสีได้เสด็จหลีกออกจากหมู่ประทับอยู่แต่ลำพังพระองค์เดียวพระองค์ก็หลีกได้จริงๆคือใจของคนเนี่ยมันน้อมไปทางไหนในที่สุดมันก็ไปทําอย่างนั้นแหละนะก็คือสักเรียกว่าตามแต่อัธยาศัยตามแต่ความประสงค์ตามแต่ความปรารถนาบนรรพชิตแปดสี่หมื่นเอ่อแปดหมื่นสี่พันรูปก็ได้พากันไปสู่ทางอื่นสําหรับพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็เสด็จไปอีก ทางหนึ่งนะนะก็คือแยกคังกันไปดูก่อนพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแหละพระวิปัสสีโพธิสัตว์ผู้สเสด็จหลีกออกอยู่ที่รับก็มีความปริวิตกขึ้นว่าโลกนี้ถึงความยากยากก็คือมันทุกข์ยากลําบากแท้สัตว์โลกเนี่ยนะสัตว์โลกผู้ที่เกิดมาในช่างทุกข์ทั้งยากทั้งลําบากแท้เพราะอะไรเพราะย่อมเกิดแก่แล้วก็ตายเวียนตายแล้วก็เวียนเกิดนะ พอเกิดมาแล้วก็ยากลําบากเพราะความแก่และความตายเพราะตายแล้วก็เวียนเกิดอีกอนะที่สุดมันอยู่ที่ไหนเนอเออก็แหละบุคคลไม่รู้ชัดถึงนิสรณะธรรมะเป็นเครื่องพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ถึงจะตายจะเกิดจะเวียนตายเวียนเกิดเวียนเกิดเวียนตายอยู่แล้วไม่มีจบมีสิน้นด้วยความทุกข์ยากลําบากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้จัก นิสรรณะอุบายเครื่องพ้นจากทุกข์คือพระนิพพานเขาไม่รู้เลยนะว่าชรามรณะนิโรธเนี่ยมันคืออย่างไรธรรมะที่ดับชราและมรณะนั้นเป็นอย่างไรเนะี่ยทุกคนก็ยอมรับว่าเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นธรรมชาติที่หาทางออกไม่ได้แต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าทางออกทางที่จะทำให้พ้นจากชราและมรณะเนี่ยจะต้องมีอยู่เป็นแน่แท้การพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ จากปรากฏได้เมื่อไหร่เล่านะี่ท่านก็คิดทํายังไงจะพ้นจากสภาพเหล่านี้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อไหร่และอย่างไรเนี่ยนะทนกะ ถ, า, ถาย้อนกลับมานิดหนึ่งว่าอัตโขภควาหลังจากที่พระกุมารเนี่ยสดับคําเป็นต้นว่า <c oughs> การประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยเป็น <c oughs> ความดีของบรณประชิตและคําอื่นอีกมากเป็นธรรมกถาประกอบด้วยโทษของผู้ครองเรือนที่จริงแล้วไม่ได้ฟังอยู่แค่นั้นนะ พูดถึงโทษของการครองเรือนว่าคับแคบด้วยบุตรและภริยาคำว่าคับแคบหมายความว่ายากที่จะเจริญกุศลได้นี่นะสำหรับคนที่ยังเกลือกกลัวอยู่ในบ้านเรือนแล้วก็ประกอบการเลี้ยงชีพแบบคนทั่วไปเนี่ยยากที่จะเจริญกุศลเพราะฉะนั้นหมู่มหาชนเนี่ยนะรักษาอยู่ประกอบอยู่ในใ น, ในการอยู่ครองเรือนเนี่ยยากแ็จแล้วบรรพชิตนักบวชนั้นก็แสดงอนิสง์แห่งวิเวก ข, ของกายวิเวกเป็นต้น ของบันปะชิตผู้อยู่ตามป่าก็สบายใจเนี่ยนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับมะลึกเหมือนกับเนื้อที่อยู่ในป่าพร้อมจะไปไหนก็ได้เหมือนเนื้อที่ไม่ติดบ่วงเพราะฉะนั้นนายสรารธีรอท่านบอกว่าการเห็นเทวทูตทั้งสี่เนี่ยนะแล้วออกบวชเป็นบันปะชิตอันนี้ถือว่าเป็นแบบเป็นแผนเป็นประเพณีเป็นวงของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์คําว่าเทวทูตเนี่ยแปลว่าทูตแห่งเทวดาเนี่ยนะหรือทูตของเทวดา มาตักเตือนกระตุน้นเตือนให้พระโพธิสัตว์ออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยมีความหมายว่าเทวทูตเทวทูตก็คือทูตของพระอรหันต์ทั้งหลายหรือทูตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเรียกว่าเป็นพูดแจ้งข่าวจะได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกท่านบอกว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเห็นเทวทูตในวันเดียวแต่ของพระวิปัสสีโ พ, พธิสัตว์นี้เป็นพันปีนะจึงได้เห็น แต่สำหรับพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยออกบวชที่ไปบวชที่ไหนบวชที่ฝั่งแม่น้ําอะโนมาจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปสู่กรงุงราชครึกที่นั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ถามว่าท่านบัณฑิตท่านบวชเพื่อใครพระองค์ก็ตอบว่าเหตุผลที่พระองค์ออกบวชเพราะอะไรเพราะมหา อ, อาตมาเห็นคนแก่คนเจ็บและคนที่ได้รับความทุกข์เห็นคนตายเพราะสิ้นอายุไข กับการได้เห็นบรรประชิตนุ่งห่มผ้ากาสายะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงบวชถวายพระพรเหตุผลที่บวชเพราะเห็นคนแก่คนเจ็บคนที่ทุกคนที่ตายแล้วก็เห็นนักบวชพร้อมทั้งพอจะเข้าใจว่าข้อปฏิบัติของนักบวชเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เลยออกบวชโดยที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะตรัสรู้ธรรมเน่นะ คือโดยพื้นฐานเนี่ยพระโพธิสัตว์พระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะหลังจากออกบวชเที่ยวจาริกประมาณสี่เดือนไอ้ระหว่างจาริกสี่เดือนเนี่ยนะไปที่ไหนมีแต่การต้อนรับที่ยิ่งใหญ่มากสร้างมนตดบใหญ่ตระเตรียมทานนิมนต์ให้สวยมหาชนเนี่ยนะอุ้ยนิมนต์ตามลําดับไปหมดเลยนะคนก็เยอะบริวารก็มากสี่เดือนเนี่ยโหเรียกว่าออกงานทุกวันเนี่ยนะสเดือนไอ้ที่แรกก็บวชจะให้มันสงบกลายเป็นว่ามีงานกินเลี้ยงทุกวันเนี่ยนะ เพราะอะไรเพราะมีคนมาต้อนรับมาเชื่อชญตัวเองก็มีบริวารมากแม้การที่จะเลี้ยงคนแปดหมื่นสี่พันไม่ให้มีความลำบากแล้วมหาชนที่มาเลี้ยงไม่ไ ม, ไม่อย่างสงบร่มเย็นเนี่ยมันยากเหมือนกันนะกระหวาคนที่ออกงานบ่อยๆนี่จะเข้าใจดีเลยมันอุระแท้เหมงันนก็เลยคิดว่าเออเราจะได้หลีกหลีกออกจากหมู่คณะได้อย่างไรพระโพธิสัตว์นั้นพอคิดได้อย่างนี้เนี่ยนะท่านก็หลีกออกจากหมู่ ในวันขึ้นสิบสี่ค่ำบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเพ็ญเดือนหกได้ยินว่าครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ดำเรว่าพวกนี้เมื่อก่อนแวดแล้วเราผู้เป็นเครหัส่าเที่ยวไปอย่างใดบัดนี้เดี๋ยวนี้พวกนี้ก็ยังห้อมล้อมเราอยู่อีกนั่นแหละประโยชน์อะไรด้วยหมู่คณะพระองค์รังเกียจ ด, ด้วยการปะปนอยู่ด้วยหมู่คณะก็ดำเนินต่อไปว่าวันเราจะไปวันนี้แหละ แล้วพระองค์ก็ดำริต่อไปว่าวันนี้ยังไม่ถึงเวลาถ้าหากว่าเราไปเดี๋ยวนี้นะพวกนั้นทั้งหมดก็จะรู้พรรู้ไปไหนก็ติดตามกันไปแห่กันเป็นขบวนไปเพราะฉะนั้นวันอ่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วกันวันนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านเช่นกับตําบ้านอุรุเวลาได้นิมนต์พระโพธิสัตว์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเหล่านั้นตระเตรียมข้าวมาทุ่บปายาสําหรับบันประชิด 8400, มพันรูปและสําหรับพระมหาบุรุษ ขณะนั้นพระมหาบุรุษก็ได้ฉันอาหารกับบรรปชิตเหล่านั้นคือข้าวฉันข้าวมะทุปายาตในวันเพนเดือนหกรุ่งขึ้นก็เสด็จไปที่อยู่ณนะที่นั้นพวกบรรปชิตก็ปรนนิบัติพระมหาบุรุษพวกบรรปชิตเหล่านั้นก็กลับที่พักกลางคืนกลางวันของตนของต น, งตนพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปประทับนั่งบนบรรณสาลาก็รำพึงว่าเมื่อถึงเวลาเที่ยงนกทั้งหลายมารวมกันตาใหญ่จะมีเสียงอึกกระทึกภัยนั้นจะส่งถึงเรา ในคราวมีภัยแก่ผู้ยินดีในความสงัดคราวมีความวุ่นวายแก่สัตว์ทั้งปวงเห็นป่านี้พระโพธิสัตว์ก็คิดว่าบัดนี้ถึงเวลาพระองค์ก็เสด็จออกแล้วก็ปิดประตูบรรณาสาลาบ่ายพระพักไปสู่โพธิที่มันทสถานเนี่ยนะก็ไปสู่สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในการอื่นพระโพธิสัตว์เที่ยวไปเนี่ยนะพระองค์ก็ไปเห็นโพธิ์ที่มันทสถานแล้วเนี่ยนะตอนตอนน้นนะแต่พระไทยไม่เคยน้อมไปเพื่อประทับนั่งเลย ก่อนหน้านั้นเห็นนะว่าทำเลตรงนี้ดีแต่ไม่คิดว่าจะต้องไปนั่งอะไรแต่วันนั้นพระยานของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นยานที่ถึงความแก่กล้าเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เกิดความคิดเพื่อทอดพระเนตรโพธิมันทสถานที่ตบตองแล้วก็เสด็จขึ้นไปพระโพธิสัตว์นั้นก็เข้าไปโดยส่วนทิศใต้ไปถึงทางทิศใต้ก่อนก็ไปกระทำประทักษิณปูบาลังกว้างสิบสี่สองในส่วนทิศตะวัน ได้บัลลังก็หวั่นไหวเนี่ยนะก็ทิศตะวันตกก็หวั่นไหวทิศเหนือก็หวั่นไหวเสร็จแล้วพระองค์ก็มาปูบอลลังในด้านทิศตะวันออกอธิษฐานความเพียรที่ประกอบไปด้วยองค์สี่ประการว่าเนื้ออ่ากระดูร่างกายของเราเนี่ยนะเนื้อเลือดในสรีระจะเหือดแห้งก็ช่างไปก็ช่างนะนะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุจะไม่ลุก ข, ขึ้นไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุก ข, ขึ้นเราจะไม่ลุก ข, ขึ้น ณที่ตรงนี้เนี่ยนะตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผู้ใดจะจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นทําให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ขอลุกอีกแล้วแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นท่านก็เจริญวิปัสสนามามากเนี่ยนะท่านเริ่มเจริญวิปัสสนาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ท่านเห็นคนแก่นั่นแหละเห็นคนแก่นี่ก็น้อมอ่ะพะอะไรชาราติธรรมโตตีรณปริญญาการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะตีรณปริญญาก็คือพิจารณาความแก่ ตีระปริญญาการพิจารณาถึงความเจ็บป่วยเนี่ยนะชราติธรรมโตพยาธิธรรมโตแล้วก็มรณะธรรมโตเนี่ยนะแล้วก็ความแก่ความเจ็บความป่วยความตายเหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากความเกิดมันก็พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกก็ถูกอาเกียนเกลือกลัวอยู่ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายนั่นเองเนี่ยนะก็อันนั้นแหละเป็นการพิจารณา ธรรมะที่สงบระงับจากความแก่ความเจ็บความตายนี่คืออะไรเนี่ยนะท่านก็มองในสิ่งที่ตรงกันข้ามม พ, พระองค์ก็ไปประทับนั่งบนที่อะไรโพธิบัลลังใช่ไหมพอโพธิบัลลังก็พิจารณาเห็นแล้วว่าเห็นว่าอะไรเห็นว่าโลกนี้ถึงความยากถึงความลําบากเกิดแก่ตายแล้วก็เวียนตายเวียนเกิด บุคคลเนี่ยไม่รู้ชัดถึงธรรมที่พ้นจากชราและมรณะการพ้นจากทุกข์จากพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะจะปรากฏได้อย่างไรมันถ้าไม่รู้ธรรมที่ออกจากชราและมรณะจะพ้นจากชราและมรณะได้อย่างไรก็เลยคิดครั้งนั้นแลที่สุทังหลายพระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้ทรงพระดำริตต่อไปว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชรามรณะจึงมีมันเกิด น, นะ ชรามรณะมาจากไหนใช่ไหมเริ่มคิดสาวหาเหตุหาผลตามปฏิจจสมุปบาทชรามรณะนี้มีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีอยู่ชรามรณะจึงมีชราและมรณะมีชาติเป็นปัจจัยคือถ้าไม่มีความเกิดเนี่ยนะชรามรณะจะมีมาจากไหนสาเหตุที่ทําให้แก่ตายก็มาจากการเกิดนั่นแหละ อันนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการตรัสรู้ด้วยปัญญาอาหปัญญาอภิสมยาเนี่ยเป็นปัญญานะเป็นวิปัสนาปัญญาเป็นวิปัสนาปัญญาบอกเออความแก่เนี่ยนะความตายเนี่ยมาจากความเกิดนะคือของเราเนี่ยได้ยินก็จริงแต่เราเคยนั่งทบทวนตัวเองเนี่ยเพราะเกิดนะจึงมาแก่มาตายแบบนี้นะสาวกลับไปหาตัวเองแบบนี้เนี่ยนะเขามาเชื่อเลยว่าน้อยคนนะที่จะสาว ที่มาแก่มาป่วยมาตาอยู่บัดนี้ชีวิตประจําวันมัะจากเกิดแท้ๆสาวไปในลักษณะเนี่ยจริงอยู่เห็นคนแก่แล้วก็เห็นนึกเปเธอเออมีคนเกิดก็นึกได้แค่นี้นึกนิดๆหน่อยๆไม่ได้นึกเป็นอาชีพหรองั้นเถอะไม่ได้นึกเป็นมรรคแปดหงั้นเถอะไม่ได้นึกเพื่อจะเจริญมรรคแก็จะนึกก็อยงั้นงั้นะนะเนี่ยนะก็ไม่ได้นึกเพื่อจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้คิดว่าความรู้ความเข้าใจการไข้ครควนสิ่งเหล่านี้เป็นทางเพื่อจะนําออกจากความทุกข์เนี่ยนะ ของพระโพธิสัตว์นั้นมีการอย่างรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยอุบายอันเยบคายนีนะ่การที่พระองค์ตรึกธรรมชาและมรณะพระองค์คิดเรื่องชามรณะนี่คิดว่าตัวเองเท่านั้นหรือคิดถึงสรรพสัตว์ทั้งหมดที่ชาและมรณะชาะมรณะเหล่านั้นทั้งหมดมาจากความเกิดบทว่าโยนิโสมนสิการาทาไว้ในใจโดยอุบายเรียกว่า ทำทางไว้ในใจก็เรียกว่าโดยถูกทางเหมือนนอธิบายว่าจริงอยู่เมื่อทําไว้ในใจซึ่งลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นต้นโดยลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นต้นอันนี้แหละเรียกว่าใส่ใจไว้โดยเย็บคายใส่ใจอย่างถูกต้องไม่ได้ใส่ใจแบบตรงกันข้ามจากความเป็นจริงเลยใส่ใจตามสภาพที่เป็นจริงสภาพที่เป็นจริงมันไม่เที่ยงก็ใส่ใจว่ามันไม่เที่ยงสภาพที่เป็นจริงว่ามันเป็นทุกข์ก็ใส่ใจว่าเป็นทุกข์ ความเป็นจริงมันเป็นอนัตตาก็ใส่ใจว่ามันเป็นอนัตตาใส่ใจตามสภาพที่เป็นจริงพร้อมทั้งว่าสภาพเหล่านี้มาจากปัจจัยอะไรนี่แหละเรียกว่าโยนิโสมนัสิกานหรือโยนิโสมนศสิการนี้ย่อมเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งของอภิสมัยการตรัสรูเพราะเป็นการตรัสรู้ด้วยปัญญาพิจารณาทั้งความเกิดและความดับว่าอะไรมีอยู่หนอชาติจึงมี ถ้าจะไม่มีชาติไม่มีเพราะอะไรอันนั้นเป็นสายดับอันนี้มาพบทวนสายเกิดต่อไปว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีเนี่ยนะพระองค์ก็ดำํำดิอีกว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชาติจึงมีทํำไมจึงเกิดชาติมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจัยเป็นสมุทยัยเป็นนิทานเป็นแดนเกิดทําให้มีการเกิดพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลปัญญาการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อพบ กรรมมพบอ่ะนะกรรมนี่แหละกรรมที่นำเกิดนี่แหละมีอยู่ชาติคือความเกิดจึงมีชาติมีเพราะกรรมมพบเป็นปัจจัยเพราะอุปาติพบเป็นปัจจัยดังนี้ก็ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะทรงกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายใส่ใจอย่างถูกต้องแล้ถูกทางว่าเออเนี่ยนะกรรมนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละนำเกิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นทุจริตนำเกิดที่ไหน อบายทุกขติวินิบาศนรกกายกรรมจีกรรมมโนกรรมสุจริตทําให้เกิดในสุขติโลกสวรรค์มโนกรรมที่เป็นฌานเป็นต้นทําให้เกิดในเป็นพรหมเป็นต้นเพราะกรรมมพบนี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดท่านใส่ใจอย่างเยบใครดูความพิสูจน์ทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดำเนิต่อไปว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอพบจึงมีพบมีอะไรพบเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัย พิสูทั้งหลายครั้งนั้นแหลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปาทานมีอยู่พบจึงมีพบมีพระอุปาทานเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิพสัตว์เพราะทรงกระทำไว้ในพระทยัยโดยอุบายอันเยบใครเขาเรียกว่ายมีโยนิโสมนสิการเข้าใจถึงความจริงเลยว่าสัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยเกิดจากความยึดถือเป็นแน่แท้ความยึดถือนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดเนี่ยนะ เพราะความยึดถือนี่แหละจึงทำกรรมก็อย่างที่ใครทำอะไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เพราะความยึดถือของตัวเพราะตัวคิดว่าอะไรมีสาระตัวคิดว่าอะไรเป็นสาระตัวก็พยายามทำสิ่งนั้นเพราะความยึดถือสิ่งที่ทำคาที่พูดความรู้สึกนึกคิดของสัตว์ทั้งหลายทำตามอนุภาพของความยึดถือก็อเรียกว่าอุปาทานความยึดถือนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมเกิดวจีกรรมและเกิด มนโนกรรมความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดนี่ก็เพราะความยึดถือนี่แหละ น, นะความยึดถือเป็นเหตุให้ทํากรรมกรรมก็เป็นเหตุให้นําเกิดเนี่ยนะพระองค์ก็คิดต่อไปว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายต่อแต่นั้นคือจากนั้นไปพระวิปัสสีโพธิสัตว์พระองค์ก็ทรงนํำริต่อไปอีกว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนออุ ป, ปาทานจึงมีทําไมจึงยึดถือเนี่ยนะทำไมต้องยึดถือยึดถือจนเรียกว่าตนต้องทํากรรมด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะ อุปาทานมีเนี่ยมันมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อตันหามีอยู่อุปาทานจึงมีอุปาทานมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะทรงกระทําไว้ในพระไทยโดยอุบายอันเย่อไข่อ๋อเพราะความเพลิดเพลิน น, นี่แท้เนี่ยนะเพราะความเพลิดเพลินเพราะความยินดีเพราะความติดใจเพราะความ ติดข้องนี่แหละเพราะความเพลิดเพลินยินดีติดใจติดข้องนี่แหละทําให้เกิดการยึดถืออุปาทานนี่ก็คือยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราและเป็นอัตตาของเราที่เป็นอย่างนี้ก็มาจากความเพลิดเพลินนั่นแหละคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะนํามาซึ่งความสุขเมื่อคิดว่าสิ่งเหล่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะธรรมารมณ์ทั้งหลายถ้าคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะนํามาซึ่งความสุขก็ยึดถือว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรายิ่งเพลิดเพลิน เท่าใดก็ยิ่งยึดถือเท่านั้นเมื่อ ย, ยึดถือเท่าใดก็กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมก็พลั่งพรูออกมาชาติชรามรณะก็เป็นไปปัปตัญหานี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานนั้นการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยได้มีแก่พระวิปัสสีโพธทิสัตเพราะพระองค์เนี่ยทำไว้ในพระทยโดยอุบายอันแยบคายคือการที่ตั้งหลักแล้วค่อยๆสาวไปหาเหตุนะสาวเหตุนาสาวหาเหตุ ได้ผลเนีสาวไปหาเหตุเมื่อได้เหตุปั๊บก็ไปหาเหตุของเหตุอีกครั้งหนึงก็สาวไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยบุคคลที่มีปัญญาอย่างนี้โดยที่ไม่มีใครแนะนําให้เนี่ยนะถ้าไม่สั่งสมบุญมาจริงๆเนี่ยมิใช่ฐานะมาว่าไม่ต้องแบบมาคิดเองเหรอกขนาดฟังเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ฟังยากเนี่ยนะฟังค่อนข้างยากแล้วก็คิดตามยากเพราะอะไรเพราะมันคิดแบบเรื่องอะไรก็ไม่รู้อยู่ในโลกแห่งความฟุ้งซ่านที่จะมาค่อยๆนั่งสาวนั่งตรึกนั่งคิดเนี่ยยาก ดูความพิสษจทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยทรงำลำรกว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอตันหาจึงมีทําไมจึงต้องเพลิดเพลินยึดถือขนาดนั้นเหมือนกันตันหามีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพิสูุทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนามีอยู่ตันหาจึงมีตันหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะพระองค์งนี้ทรงกระทําไว้ในพระไทยโดยอุบายอันเยีบย็บใคย ก็แปลว่าพอพระองคโยนิโสมนสิการใคร่ครวรตามเป็นจริงเข้าปัญญาปัญญาที่ตรัสรู้เห็นความจริงว่าเออเวทนานี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะฉะนั้นตันหามีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยดูก่อนพิสูนทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดําริว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอเวทนาจึงมีเวทนาเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพิสูุนทั้งหลาย ครั้งนั้นแหลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะมีอยู่เวทนาจึงมี น, นะเวทนาเนี่ยมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย น, นะความตรัสรู้ด้วยปัญญาเนี่ยนะมีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ผู้ทรงกะระทำไว้ในพระไทยโดยอุบายอันเย็บคายหมายคำว่าพระองค์เนี่ยใส่ใจอย่างเย็บคายก็เกิดปัญญาเห็นว่าผัสสะมีอยู่จึงมีเวทนาเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ดูการพิสูจนทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปสัสสีโพธิสัตว์ก็ได้ดําริอีกว่าอะเมื่ออะไรมีอยู่หนอะผัสสะจึงมีผัสสะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยพระวิปสัสสีโพธิสัตว์ก็ทรงทำไว้ในพระทัยโดยอุบายอันเย็บใครก็เกิดปัญญาตรัสรู้ขึ้นมาว่าเมื่อสลายยตนะมีอยู่ผัสสะจึงมีผัสสะมีเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยต่อจากนั้นเนี่ยนะ พระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดำเนินต่อไปอีกว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอสลายตนะจึงมีสลายตระนัมีเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ทรงทำไว้ในใจโดยอุบายอันเยบกไขคือโยนิโสมนัสิการก็เกิดปัญญาตรัสรู้ว่าเมื่อนามรูปมีอยู่สลายตนะจึงมีสลายตระนัมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัย ดูความพิสูจนทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดํารีต่อไปว่าเมื่ออะไรมีอยู่นามรูปจึงมีนามรูปมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยดูความพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะทรงโยนิโสมนสิการเคือเรียกว่าทำไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บคายก็เกิดปัญญาตรัสรู้ขึ้นมาว่าวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นะที่มีนามมีรูปเนี่ยนะเป็นเป็นมหาปูตรูปสีมีภาษะเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะก็เกิดจากปฏิสนธิวิญญาณกรรมะวิญญาณนั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะดูพิสูจนทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปสัสสีโสทิศเนี่ยนะก็ดำเนินเรว่าเมื่อวิญญาณมีอยู่อะเมื่อวิญญาณมีอยู่ขออภัยเมื่ออะไรมีอยู่หนอวิญญาณจึงมีวิญญาณเนี่ยมีเพราะอะไรเป็นปัจจัย พิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีถ้าไม่มีนามมีรูปวิญญาณจะมีได้ไหมถ้าอาศัยจักรครูกับรูปจักรครูวิญญาณจึงมีอาศัยหูกับเสียงภาษะเป็นต้นเนี่ยนะโสตะวิญญาณจึงมีอาศัยจมูกและกลิ่นภาษะเวทนานี่แหละจึงมีขานะวิญญาณอาศัยลิ้นและรสภาษะเวทนานั่นแหละจึงเกิดเชียวหาวิญญาณอาศัยกายกับโพธพภะ มีภาษามีเวทนานั่นแหละจึงมีกายวิญญาณอาศัยมีผวังเป็นต้นเนี่ยนะอาศัยมโนธรรมอารมณ์ทั้งหลายมีภาษามโนวิญญาณจึงเกิดขึ้นเพราะนามรูปนี่แหละมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะฉะนั้นวิญญาณมีนี่แหละมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยลูกวามพิสูจน์ทั้งหลายพระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ใส่ใจไว้ในโดยอุบายอันเยบคายก็มีการตรัสรู้ด้วยปัญญาดังที่กล่าวไป ดูก่อพิสูุนทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโสธิษตา์ก็ดำริ ว, ว่าวิญญาณนี้ย่อมกลับเวียนมาแต่นามรูปหาเป็นอย่างอื่นไม่ปฏิสนธิวิญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะการอย่างลงแห่งนามรูปเมื่อมีนามรูปอย่างลงปฏิสนธิวิญญาณจึงเกิดขึ้นเมื่อปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นนามรูปจึงอย่างลงอันวิญญาณก็เป็นปัจจัยไปเรื่อยนามและรูปก็เป็นปัจจัยอย่างเรื่อยเร มันทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้ไม่มีอย่างอื่นโดยความเป็นไปเพียงเท่านี้เราบอกว่าวัตตะที่เป็นไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าสัตว์โลกเกิดขึ้นบ้างเนี่ยการเกิดขึ้นก็เนื่องจากอะไรมีวิญญาณมีนามรูปมีอุปาทานขันห้าเกิดประชุมพร้อมกันเนี่ยนะความที่ขันห้าประชุมกันนั่นแหละเรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งเรียกว่าความเกิดความเกิดนี่แหละเพิ่งมีความแก่เพิ่งมีความตาย มีจุติมีจุติแล้วก็เกิดมันทั้งหมดที่เวียนตายเวียนเกิดก็มีอะไรมีแต่ขันห้ามันขันห้านั่นแหละเป็นประชุมของขันห้าเรียกว่าเกิดความชำรุดสุดโทรมของขันห้าเรียกว่าชราพยาธิความแสลกสลายของขันห้าเรียกว่าตายเพรอขันห้าเคลื่อนไปเรียกว่าจุติจุติปฏิสนธิก็เชื่อมขันหนึ่งสู่ขันหมายว่าเชื่อมจากขันห้าสู่ขันห้าก็เป็นกระแสแห่งขันห้าที่ไหลไปไม่มีสิ้นสุดเรียกว่า สังสารวัตเนี่ยนะสังสารวัตก็กลายเป็นอกรรมวิบากแล้วก็กิเลสเชื่อมไปโดยความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมไปอย่างนี้แหละเรียกว่าเกิดแก่ตายจุติอุบัติไหลเวียนไปอย่างนี้ความเป็นไปแห่งวิญญาณนี่แหละมีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณมันก็คือสรุว่าวินอันนามรูปเป็นปัจจัยให้มีวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยจึงมี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 ถ้าพูนับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไลลเรื่อยมาเกิดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลำดับรับกระทบเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเมื่อมีตัณหาอุปาทานทำกรรมเนี่ยนะนำมาซึ่งการเกิดผลออกมาก็คือความแก่ความตายความเศร้าโศกความคร่าครวนบนเพ้อความทุกข์ทางกายความเสียใจความคับแค้นใจก็ไหลมาจากความเกิด ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์คือตาหูจมูกเลนกายใจย่อมมีอย่างนี้ด้วยประการชนี้ดูการพิสูจน์ทั้งหลายจากโศยานปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างเนี่ยนะได้เกิดขึ้นว่าสมุทัยสมุทัยการเกิดหรือเหตุให้เกิดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว ในธรรมทั้งหลายที่พระองค์มิได้สดับมาแล้วในการก่อนเลยนะก็คือไม่มีใครสอนเลยนะท่านสาวเป็นเหตุเป็นผลแต่แต่ละอย่างก็ไม่เที่ยงนะชรามรณะก็ไม่เที่ยงชาติที่เป็นปัจจัยแก่ชราและมรณะก็ไม่เที่ยงนะชรามรณะไม่เที่ยงชาติที่เป็นปัจจัยก็ไม่เที่ยงปัจจัยแห่งชาติคือพบก็ไม่เที่ยง พบที่อันนั้นมีอุปาทานเป็นปัจจัยอุปาทานก็ไม่เที่ยงอุปาทานที่มีตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงอุปาทานเป็น เ, เกิดจากตัณหาตัณหาเกิดจากเวทนาเวทนาก็ไม่เที่ยงภัสดาก็ไม่เที่ยงสลายตนะก็ไม่เที่ยงนามรูปก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงไหลสืบเนื่องกันไปเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างไม่เที่ยงก็จริงแต่สังสารวัตก็ไหลสลืบไปอย่างอย่างนี้แหละ การเจริญได้ขนาดนี้เขาเรียกว่าตรูณาวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นเป็นวิปัสสนาอย่างอ่อนเป็นวิปัสสนาเรเีแดย้มที่เรียกว่าพิจารณาทุกขสัตว์กับสมุทยัยสัจจะนั่นเองเนี่ยนะพันจกักษุปัญญายาณปัญญาวิชาแสงสว่างเนี่ยได้เกิดขึ้นแก่พระองค์เนี่ยนะทีนี้เหตุผลว่าทําไมตรงนี้เนี่ยนะจึงไม่ยกนะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะถึงไม่กล่าวก็ชื่อว่ากล่าวแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าชาติก็คืออะไรก็คือปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นนั่นแหละเพราะนั้นคำว่าอวิชาก็ถ้าพูดตัณหาที่ไหนก็เท่ากับพูดอวิชาแล้วถ้าตัณหาอุปาทานก็เท่ากับพูดอวิชาแล้วกรรมมาพบตัวนั้นก็คือสังขารเพะสังสารวัตมันก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละเพราะนั้นอวิชาเนี่ยนะกับสังขารเนี่ยเป็นอดีตแต่พบวิปัสสนาไม่ต่อกับอวิชาและสังขารเหล่านั้นก็คือ พระมหาบุตรนั้น พ, พ, been, พิจารณาวิปัสนาเน้นปัจจุบันปัจจุบันชาติไม่ได้เน้นว่าเพราะไม่เน้นอดีตชาติเพราะอะไรเพราะมันก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่าอดีตชาติมันไม่เที่ยงมันไม่ได้ยั่งยืนไม่ได้เหลืออยู่พันไม่ต้องไปใส่ใจมากว่าอดีตชาติมันไม่เที่ยงเป็นต้นก็มาใส่ใจในชาติปัจจุบันนี่แหละว่าปัจจุบันเนี่ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ก็พิจารณาทั้งอดีตนั่นแหละ เพราะว่าผู้ที่ไม่พิจารณาวิชาสังขารเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกแต่ว่าพระองค์นั้นไม่พิจารณาแบบกว้างขวางเหมือนกับอารมณ์ในชาติปั จ, จุบันเพราะอดีตชาตินี้พระองค์พิจารณามามากแล้วด้วยอำนาจอะไรด้วยอำนาจปุเพนิวาสานุสติยานอ น, น, นอดีตชาติพิจารณามามากแล้วด้วยปุเพนิวาสานุสติยานกัมมูปะฆาญที่พิจารณาหลา ย, ลายอย่างเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี่ควันเน้นการ วิจัยเพื่อถ่ายถอนเพื่อตัดฉันทราคะเนี่ยนะเพื่อตัดฉันทราคะในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบอกว่าจากสุ ป, ปัญญาวิชาแสงสว่างนั้นเกิดขึ้นแล้วจากสุเกิดขึ้นจากสุนี่ก็มีความอคําว่าปัญญาจากสุก็คือเป็นชื่อของปัญญานั่นแหละเนี่ยนะปัญญาที่จากสุมีความหมายว่าเห็นญาณนี่มีความหมายว่าทําให้รู้ปัญญามีอัตว่ารู้แทรู้ทั่ว วิชาแปลว่ารู้แจ้งแทงตลอดนี่เกิดขึ้นอาโลกะก็คือแสงสว่างอย่างที่กลอย่างที่ในปฏิสัมพิธามักกล่าวว่าจักสุมีความหมายว่าเห็นยานมีความหมายว่ารู้แล้วปัญญารู้ทั่ววิชาเรียกว่าแทงตลอดอาโลกะก็คือแสงสว่างจักสุเป็นเหตุการเห็นเนี่ยเป็นผลยานเป็นเหตุความรู้แล้วหรือรู้ทั่วเป็นผลปัญญาเป็นเหตุรู้ชัดเป็นผลวิชาเป็นเหตุ การแทงตลอดเป็นผลอโลกะเป็นเหตุแสงสว่างเป็นผลอันนี้คือว่าปัญญาวิปั ส, สนาที่ใคร่ครวนพิจารณารู้ว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดเพราะสิ่งนี้เกิดและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความจีรังยั่งยืนอะไรเลยสังปัจจัยก็ไม่เที่ยงผลของปัจจัยก็ไม่เที่ยงแต่ละอย่างก็ไม่เที่ยงการใคร่ครวนถึงเหตุก็ไม่เที่ยงผลก็ไม่เที่ยงแต่ทำทั้งหลายไหลไปตามกระแสแห่งเหตุ แต่เหตุและผลแต่ละอย่างก็ไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าตรูณวิปัสสนาเป็นแนวทางที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการตรัสรู้เพราะฉะนั้นมักเขวิปัสสนาของท่านก็เกิดขึ้นนะวิปัสสนาของท่านก็เกิดการพิจารณาเนี่ยนะปัญญาที่เกิดการพิจารณาปัญญาในการตรัสรู้เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีผู้ใดบอกไม่มีผู้ใดสอนเนี่ยนะการพิจารณาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นแนวทาง เป็นหนทางเพื่อการตรัสรู้ในระดับสูงต่อไปความในมหาประทานสูตรที่กล่าวถึงการตรัสรู้หรือการพิจรารณาการเจริญวิปัสนาของพระวิปัสสีโพธิสัตว์พระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้ที่สังสมบารมีสังสมอัธยาศัย อัธยาศัยก็คืออัธยาศัยทั้ง6ประการเนี่ยนะคืออโลพัฒยาศัยอโทสัทธยาศัยอะโมหัธยาศัยสะสมอัธยาศัยทั้งที่เป็นเนคขมัธยาศัยวิเวกัธยาศัยและนิสรนัตยาศัยอัธยาศัยทั้ง6ที่พระองค์ได้บำเพ็ญจนเตี่ยมบริบูรณ์ด้วยการสร้างบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมัภบารมีสิบมหาบริจักหอธิฐานธรรมส เพื่อที่จะบำเพ็ญจริยาสายาตต ะ, ะจริยาการประพฤติเพื่อประโยชน์แก่ญาติโลกะะจริยาพระองค์ประพฤติเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกแล้วก็พุทธจริยาก็คือจริยาข้อประพฤติข้อปฏิบัติแห่งความเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองจบบที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญคุณธรรมเพื่อความตต่สรู้เป็นทัศสัมมาสัมพุทธเจ้าจนได้ดปฏิสนธิเกิดใน สวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะคือหลังจากที่กระทําเบญจมหาบริจาคเช่นกับพระเวสสันดรและพระองค์ก็เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนครบอายุไขจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็มาเกิดในพระคันของพระพุทธมารดาอยู่ในพระคันครบถ้วนตลอดระยะเวลาสิบเดือนก็ประสูติเมื่อพระองค์ประสูติแล้วก็มีบุพพนิมิต เช่นเดียวกันกันกบพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์เหล่าใดที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีบุพนิมิตเช่นใดพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะพระองค์ก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเหตุที่ได้นามว่าวิปัสสีนี่คือพระองค์เนี่ยมองด้วยตาที่ไม่กระพริบแล้วก็มองได้กว้างมองได้ไกลและเป็นผู้ที่สามารถ วินิจใช้คดีได้ตั้งแต่ น, นั่งอยู่บนตักของพระพุทธบิดาเหมือนกันตั้งแตัวเลขเนี่ยนะวินิจฉัยคดีได้ก็เลยเหตุให้มีสมัญญาว่าวิปสัสสีพระองค์ก็ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเนี่ยนะนะสร้างปราศาสตรสามฤดูถวายแด่พระองค์คือเนื่องจากว่าพระวิปัสสีโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้ที่ประกอบด้วยมหาบริศลลักษณะสามสิบสองประการ บุคคลใดก็ตามมหาบุรุษใดก็ตามที่ประกอบไปด้วยมหาปริศลศาสนะ32ประการถ้าอยู่ครองเรือนจกสําเร็จเป็นพระเจา้าจักรพรรดิเป็นพระราชายิ่งกว่าพระราชาเป็นพระราชาที่พระราชาบูชานะปกครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสีเนี่ยเป็นขอบเขตถ้าหากว่าพระองค์ออกบวช จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกนนพันฝ่ายพระพุทธบิดาคือพระเจ้าพันธุมะนั้นโดยพื้นเพอัธยาัยพระองค์ไม่ต้องการให้พระโอรสของพระองค์นั้นออกบวชต้องการให้ครองเรือนต้องการให้สเสวย ร, ราชสมบัติต้องการให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันวิธีการที่จะทาให้พระกุมารเนี่ย ไม่ได้ออกบวชก็คือทำให้เป็นสุขุมารชาติให้เป็นคนที่กลัวความทุกข์ความยากความลำบากเพราะว่านักบวชนั้นถือว่าอยู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลำบากเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้ท่านกลัวความทุกข์ให้ติดอยู่ในความสุขก็เลยมีการบำรงบำเรอพระองค์ด้วยเบญจการ ม, มาคุณทั้งหลายเนี่ยนะสรรหารูปใดๆ ท, ที่ที่น่าปราถนาที่สุดเสียงที่น่าปราถนากลิ่นที่หน้าปราถนารสที่น่าปราถนา โพธภาที่น่าปรารถนาะในวังสามฤดูเรียกว่าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาลก็อยู่ด้วยความสุขสนุกสบายเนี่ยนะตลอดระยะเวลาหลายพันปีผ่านไปนี่ฝ่ายเท้ามาหาพรหมโดยเฉพาะเท้าสุดทาวาสพรหมนั้นก็คิดว่าบัด น, นี้พระโพธิสัตว์รู้สึกว่าจะมีความเมามากไปหน่อยแล้ว น, นะเมาในความเป็นหนุ่มนนะเมาในความเป็นหนุ่มก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนหนุ่ม เรียว่าเป็นความเมาชนิดหนึ่งคือคนที่มีความสําคัญว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนุ่มบุคคลเหล่านี้น้อมไปทําไม่ทําบุญหรอกเ น, นยิ่งคิดว่าตัวเองหนุ่มเท่าไหร่ยิ่งใจที่น้อมไปทําบุญเนี่ยยากเพราะนั้นพระโพธิสัตว์บัตรนั้นเนี่ยก็คือถูกบํารุงบําเรอปรนเปลือยอยู่ด้วยกามคุณหา้าก็มีความสุขเหลือเกินน่ยนะพร้อมชั้นสุดทาวาสผู้เป็นพระอรหันตะขีนาศก็เลยปาลบว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเมาอยู่ด้วยความเมาเป็นหนุ่มพระองค์ก็เลย เนรมิตเนรมิตเป็นเทวทูตเ ท, ทวทูตนั้นแปลว่าทูตของวิสุทธิเทพเทวะตัวนั้นหมายถึงพระอรหันต์ทูตของพระอรหันต์หรือทูตของผู้ที่จะได้เป็นพระอรหันต์จะต้องได้รับทูตแบบนี้นะมาบอกข่าวสารว่าโลกในอัญชารานําไปไม่ยั่งยืนนะพระโพธิสัตว์ก็เลยมีการไปประพาสสวนเมื่อไปประพาสสวนหรือไปเที่ยวอุทยานเที่ยวสวนก็ไปเห็นคนแก่ทั้งหลายไปเห็นคนชารา ซึ่งเกิดมาท่านไม่เคยเห็นใครชราขนาดนี้อนะผมก็ไม่เหมือนของคนอื่นที่เคยเห็นในวังผิวหนังก็ไม่เหมือนกับคนอื่นที่เคยเห็นเนื้อตัวก็ไม่เหมือนกับคนอื่นที่เคยเห็นตัวสัน ง, งกเงินเป็นตะ้นเนีลยนะเพราะว่าแสดงว่าไม่ได้ใส่เสื้อพอไม่ใส่เสื้อเนี่ยซี่โครงมันก็เห็นอนะคดเหมือนกรอนเรือนคดรๆเหมือนกันก็เลยเขาบอกว่าเหมือนกรอนเรือนคดรๆเนี่ยถ้ามุงด้วยยากคาเนี่ยถ้าหากว่าไอ้พวก พวกหญ้าเนี่ยมันจมลงอ่ะนะมันก็จะมีสันใช่ไหมมันเหมือนอย่างนั้นอ่ะเขาบอกว่าสี่โครงของคนอายุมากๆมันจะเป็นอย่างนั้นปรากฏชัดไม่เหมือนกับคนอื่นเลยก็เลยสังเวชสลดใจก็ถามนายสารธีนี่เขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรก็บอกนี่เรียกว่าคนแก่พระเจ้าค่ะนี่หรอเรียกว่าคนแก่หรือเราเองก็ต้องแก่อย่างนี้ด้วยใช่ไหมบอกใช่พระองค์ด้วยข่าพระองค์ด้วยก็ต้องแก่เช่นนี้แหละ ก็สลดสังเวชใจว่าโอ้เราเองเนี่ยจะต้องมีความแก่อย่างนี้ก็เลยไม่เที่ยวสวนแหละท่านก็คิดเลยว่าก็ได้แต่ไปนั่งบ่นพึมพำว่าความเกิดในช่างหน้ารังเกียจแท้นะท่านไม่ตําหนิความแก่นะแต่จริงๆก็ไม่ได้ถามว่าท่านชอบความแก่ไหมบอกไม่ชอบแต่ท่านเกลียดเหตุมากกว่าบอกว่าไอ้ความเกิดเนี่ยช่างหน้ารังเกียจแท้น่าเกลียดแท้เพราะเมื่อความเกิดมีอยู่ความแก่จึงมี ถ้าไม่เกิดก็คงไม่แก่อันนั้นก็เป็นโจทย์ที่ท่านคิดอยู่เรื่อยๆนียคิดไปเนี่ยความที่ท่านมีปัญญาเนี่ยท่านใคร่ควรวญอยู่อย่างนี้นอนอันนั้ไม่เที่ยวไหนไม่อะไรเก็บตัวเลยปิดห้องเลยสนมกำนันก็ไม่ค่อยได้เฝ้าทารมารย์หรอกนี่ยน ะ, อะรอบๆจริงอยู่มากไปด้วยสนมกำนันแต่ว่าในช่วงที่เห็นเทวทูตกลับมานั้นอ่าแทบไม่ไม่นี้เลยนั่งคนเดียวเงียบๆคิดอยู่ว่าความเกิดเนี่ยเลวแท้ ความเกิดนี่ช่างน่ารังเกียจแท้คือท่านนี่ไม่เหมือนเราอะนะเรามาฉลองวันเกิดดีใจมากนะได้เกิดนะแต่ของท่านบอกว่าโอ้โหความเกิดนี่น่ารังเกียจแท้เนี่ยนะมันถ้าใครฉลองวันเกิดก็บอกว่า ส, สงสารสแสดงความกรุณาด้วยเนี่ยนะเพราะท่านเพราะที่เกิดมาแล้วต้องชรานะลยนะก็เลยพระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าโอ้ยชรลาเหตุการณ์ก็ผ่านไปหลายปีหลายร้อยปีหลา ย, า ย, ลายพันปีอีกสารทีก็จัดให้เที่ยวสวนอีก ตอนนั้นท่านก็คิดว่าเออแก่แต่สุขภาพก็แข็งแรงสุขภาพก็แข็งแรงเท้าสุดทาวสาสมหาพรหมเนี่ยนะก็เนรมิตรให้เห็นคนเจ็บเนี่ยนะนะนะคนเจ็บที่ที่ป่วยมากเลยนะป่วยขนาดไหนป่วยมากถึงขนาดเรียกว่าจมอุจจระปั ส, สวะจะต้องคอยพยุกลุกพยุกพยุงให้ลุกขึ้นต้องป้อนอาหารอนะไนเ้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นะความเจ็บป่วยที่บีบคั้นอย่างนั้นซึ่งพระโพธิสัตว์พอมองเห็นนี่เขาเรียกว่าอะไรบอกนี้เรียกว่าคนเจ็บพระเจ้าข้าบอกว่าแม้ตัวเราเองก็ยังต้องเจ็บอย่างนี้หรือบอกพระองค์ด้วยข้าพระองค์ด้วยต้องเจ็บอย่างนี้แหละอันผู้ที่เกิดมาแล้วที่จะไม่เจ็บไม่มีมันจะเจ็บส่วนไหนเท่านั้นเองอันนั้นท่านสังเวชใจมากก็มาบอกว่ า, ก, วากลับเถอะก็กลับไปอยู่ที่วังบอกว่าไอ้ความเกิดนี่ช่างหน้ารังเกียจแท้ความเกิดเนี่ยเลวแท้ นะหน้าตําหนิหน้ารังเกียจเลือเกินความเกิดเพราะเกิดมาแล้วต้องแก่แบบนี้เกิดมาแล้วก็ต้องมาเจ็บมาป่วยแบบนี้คืออย่าลืมว่าท่านจะไม่เหมือนพวกเราพวกเราหลายท่านอาจจะมาคอยห่วงคิดในเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอาหารเรื่องค่าน้ําค่าไฟเรื่องทํางานเรื่องถูกคือชีวิตของท่านมีแต่ความสุขอย่างเดียวทําอะไรก็ได้ดังใจปรารถนาหมดเพรา ะ, ะนั้นไอ้ปัญหาที่พวกเราคิดมันไม่ใช่ปัญหาของท่านท่านก็เลยมีมีเวลาเหมือนกันนะ มีเวลามาคิดเรื่องว่า้ความเกิดนี่มันเลวแท้ะเพราะท่านไม่ต้องห่วงเพราะตอนนั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้ครองราชผู้ที่ครองราชคือพระเจ้าพันธุมะนี่ดูแลราชสมบัติท่านเป็นท่านเป็นพยุพระราชว่าที่ผู้เรียกว่าพระราชบุตรหรือผู้ที่จะครองราชสมบัติก็จริงเขาเรียกอะไรนะผู้ที่จะครองราชสมบัติราชทายาทเราองค์ราชทายาทคืออยู่ในตําแหน่งองค์รัชทายาทอยู่ยังไม่ใช่เป็นพระราชาจริง การปกครองบ้านเมืองทั้งหมดอยู่ที่พระราชาพระองค์ก็สเสวยสมบัติท่านบอกว่าดุจเทพเทพกุมารดุจเทพพรบุตรหนุ่มเนี่นะทีท่มีความสุขอยู่ในราชาสมบั ต, ติท่านไม่มีเรื่องอื่นให้วิตกกังวลเลยมากังวลเรื่องครอบครัวหรือบอกก็ไม่มีเพราะมาเหสีของท่านเนี่ยก็ตามใจท่านทุกอย่างเนี่ยนะคือท่านเป็นผู้ที่มีคนรักเลยนะทุกคนรักท่านหมด มันปัญหาแบบธรรมดาทั่วๆไปท่านไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอดเรื่องอยากเรื่องหิวเรื่องทุกเรื่องไม่ใช่ปัญหาของท่านซากักเรื่องเนื่องจากว่าท่านมีแต่ความสุขเพราะว่าถ้าร้อนนิดเดียวก็มีคนมาพัดให้ปเตจแล้วเนี่ยนะหนาวนิดเดียวก็มีอะไรมาช่วยให้อบอุ่นชีวิตทั้งมีแต่ความสุขสบายแต่พท่านไปเห็นภาพคนแก่มาครั้งหนึ่งท่านสังเวชมากนะท่านสลดมากท่านจําแม่นมากเลยจําแม่นว่าโอ้โหนี่ความเกิดนิ่รารังเกียจขนาดนี้เลยหรือทําให้ต้อง แก่แล้วก็คิดต่อไปเอกว่าไอ้ความเกิดเนี่น่ารังเกียจแท้ทําให้แก่ด้วยทําให้เจ็บป่วยด้วยเก็บมาคิดแล้วก็ปิดวังเลยนะปิดวังงกำคิดแบบบ่นอยู่นั่นแหละความเกิดนี่น่ารังเกียจแท้เพราะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วต้องเจ็บนะนะวันเวลาผ่านไปเรียกว่าหายเมาเลยนะพอเห็นคนเจ็บปั๊บเนี่ยหายเมาจากความไม่มีโรคคนที่คิดว่าตัวเองสุขภาพดีแข็งแรงเนี่ยเอาสุขภาพที่ดีไปทําอะไร โอ้ยอยังแข็งแรงมากเอออ่านพระไตรปิฎกเลยไงโอ้ยไปมีธุระอย่างอื่นให้ทำตั้งเยอะแยะไปไหนไม่ไหวก่อนแล้วเ้าอยู่บ้านอ่านพระไตรปิฎกนี่นะมันส่วนใหญ่มันคือว่าแทนที่จะเอาสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงน้อมไปเพื่อเจริญกุศลบอกไม่น่นแหละแทบจะถางตาลืมเรียก ว, ว่ายกเปลือกตาไม่ค่อยจะขึ้นนั่นแหละรึงก็เริ่มอยากจะอ่านพระไตรปิฎกนี่นะไอตอนที่แข็งแรงเอาไปอ่านอย่างอื่นโมดอย่างงี้ยนะคล้ายๆแบบนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านท่านมีความคิดเลยว่า ไอ้ความแก่ไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ม, มากเพราะไหลมาจากความเกิดนี่ก็คิดก็อยู่ไปหายเมาเมาจากที่ตัวเองสำคัญว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีโรคเพราะรู้ตัวว่าสุขภาพที่เป็นอยู่พร้อมที่จะป่วยอย่างในโลกทวารตาที่เรามองเห็นอยู่นี้เราอยากคิดนะว่าตาเราจะไม่ป่วยตาเราก็จะต้องป่วยเป็นธรรมดาตาเราก็ชรายิ่งขึ้นปีนี้สี่หก สี่เจ็ดสายตาจะเร็วร้ายกว่านี้ไปเรื่อยๆสี่แปดสี่เก้าห้าศูนอุ๊ยนีแต่เร็วขึ้นไม่มีสวยขึ้นหรอกเลยนะจะไม่มีใสขึ้นเนี่ยนะเว้นไว้แต่เอากระจกใสๆอะไรมาวางไว้แปะไว้เฉยๆเท่านั้นแต่ว่ารวมๆแล้วตาเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเลยชรานําไปพยาธิครอบงำเนี่ยนะหูก็เหมือนกันที่เราว่าฟังเสียงได้ยินอย่างชัดเจนเนี่ยมันตึงขึ้นเต่งตึงขึ้ น, ตตนแต่ได้ยินไม่ได้เลยค่ะเนี้ยยิ่งตึงมากไม่ได้แปลว่าดังขึ้นนะแล้วก็โรคหูทั้งหลายก็จะเข้ามา บางคนนี่พอได้ยินเสียงดังนิดหนึ่งมันแสบเข้าไปถึงแก้วหูเลยเหมือนกันดังั้นหูที่เราได้ยินเสียงอยู่เนี่ยก็พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะป่วยจมูกที่เรารับรู้ว่ามีกลิ่นหอมเดี๋ยวก็หายใจไม่ออกเดี๋ยวจมูกปีบจมูกตันเดี๋ยวก็หวัดน้ำมูกไหลเยิม้มอยู่นั่นแหละะแล้วลิ้นทั้งหลายที่ว่ารสอร่อยเดี๋ยวก็เป็นแผลผุพองในปากแม้กระทั่งไหลไปในปากโรคฝันทั้งหลายก็จะเข้ามาร่างกายทุกส่วนพร้อมที่จะมีโรคภัยไล่ตั้งแต่โรคผิวหนัง เข้าไปเรื่อยๆอวัยวะทุกส่วนเป็นที่ตั้งแห่งโรคภัยทั้งหมดเนี่ยนะพันถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เกิดสัอย่างเดียวเนี่ยจะมีไหมปัญหาเหล่านี้ความทุกเหล่านี้ก็ไม่มีนี่ก็เรียกความหายเหมาเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่มีโรคสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมาในโลกเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นเช่นนั้นคนที่ไม่มีโรคเกิดมาไม่เคยกินสมอแม้แต่ชิ้นเดียวก็คือพระ พากุละที่เหลือก็เดี๋ยวก็โรคนั้นเดี๋ยวก็โรคนี้นะทุกคนนี่มีโรคประจําตัวอย่างน้อยหนึ่งโรคนะบางพวกบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้อพวกที่ไม่มีโรคก็ต้องหิวล่ะโรคหิวโรคไม่หิวโรคกระว่าอุจาระปัสสาวะอยู่นั่นแหละมันก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เสียดโรคแปลว่าเสียดแทงเนี่ยนะแปลว่าเสียดแทงบีทาย่ํายีอยู่นั่นแหละมันก็มีแต่ความทุกข์ความยากและความลําบากในที่สุดบอกว่าเออถึงจะแก่ถึงจะป่วย แต่เหมือนจะตายไม่เป็นเนี่ยนะพันครั้งที่สามที่ท่านไปเที่ยวสวนพรหมชั้นสุทาว่าก็เลยให้เห็นคนตายเนี่ยนะท่านเนรมิตตัวท่านเองว่าให้มาเป็นคนตายคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าพันธุมะเนี่ยนะมีการอารักขาเป็นยี่สิบกิโลเลยห้ามคนแก่คนป่วยคนตายมาในมามาในเขตที่พระโพธิสัตว์จาริกตายเนี่ยนะติดตั้งองครักษเพราะไม่ต้องการให้เห็น คือเพราะว่าท่านต้องการบอกถ้ามีลูกครองราดเมื่อไหร่ท่านไม่บวชแน่นอนมันเมื่อรอเมื่อไหร่วันนั้นจะมาถึงแค่นั้นเองเมื่อท่านมีลูกท่านได้ขึ้นครองราชยังไงนะท่านก็ไม่บวชเพราะท่านจะไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนป่วยคนตายหเห็นยังไงท่านคงไม่บวชแล้วล่ะขอให้มีลูกก่อนขอให้ได้ครองราดก่อนบัดนี้ยังไม่ได้ครองราดมันก็รอไปก่อนใจจดใจจ่อไปก่อนเพราะตอนเนี้จะมีการอารักขาป้องกันอย่างเต็มที่กลัวท่านจะไปเห็นคนแก่คนป่วยและคนตาย เพราะว่าพวกเนมิตตกะพรามหรือพรามผู้ทํานายนิมิตได้บอกแล้วว่าพระราชกุมารเนี่ยออกบวชเพราะเห็นเทวทูตสี่เห็นเทวทูตสี่จึงออกบวชเัราเกียดกันไม่ให้ทูตทั้ง4ประการเนี่ยไหลเข้ามาสู่คลองจากสุขของพระโพธิสัตว์แต่ถึงขณะนั้นพรหมชั้นสุดภาวาด ผู้มีบุญด้วยกันเนี่ยนะผู้มีบุญก็สงสารหากันเรื่อยนะครับถ้าให้เห็นความจริงอะ่ะเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนี้นะมันแก่เป็นธรรมดานะความจริงมันเจ็บป่วยเป็นธรรมดานะความจริงก็ครั้งที่สามก็ไปเห็นไปเห็นเลยอะนะไปเห็นพิธีงานศพเข้าอันนี้เครียกอะไรบอกนี้เรียกว่าคนตายพระเจ้าค่ะแล้วคนตายเหรือพอไปเห็นเขา้าแม้ตัวเราเองก็จะต้องตายอย่างนี้หรืออันนี้คนตายเนี่ยแปลว่าจะต้องสูญเสียจากของรักทั้งหมด เคยมีของรักก็ต้องจากของรักมันก็จากกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ไม่เห็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายลูกก็ไม่เห็นหน้าพ่อแม่ฝ่ายพ่อแม่ก็ไม่เห็นหน้าลูกเพราะความตายเนี่ยเป็นตัวที่พรากเนี่ยจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปก็ต้องจากไปพอท่านมาคิดอย่างนี้เข้าตัวท่านเองก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องจากพระเจ้าแผ่นดินจากพระมเหสีของท่านจะต้องจากญาติมิตรอามาญาติสาโลหิต ท, ทั้งหมด ทุกคนจะต้องพลัดพลาดอย่างนี้ในตอนสุดท้ายหรือเ้าบอกว่ากลับวังเอะเพราะกลับไปก็ไปคิดเลยความเกิดในช่างเลวร้ายแท้ที่เพราะที่สุดแห่งความเกิดก็คือความแก่ความเจ็บความและความตายเนี่ยนะม่นก็บอกว่าขุดะคือคือแพ่งโทษตัวเกิดตัวเดียวนะถ้าไม่เกิดสักอย่างเดียวจะแก่จะป่วยจะตายอย่างนี้หรือเห็นแต่พิดเห็นแต่ภัยก็นั่งพึมพำพึมพำอยู่นั่นแหละในที่สุดเนี่ยนะผ่านไปอีกตั้งนาน ท่านก็คิดแต่ท่านก็คิดนะท่านรู้ว่าภาระปัญหามันเต็มไปหมดแล้วทางออกอะ่ะมันคืออะไรวิธีแก้ปัญหานี้มันคืออะไรครั้งที่สี่ท่านก็ไปเที่ยวพระราชวิทยานอีกวันนั้นท่านได้เห็นหน้าบุตรของท่านแล้วก็เห็นก็ไปไปเที่ยวราชวุทยานก็ไปเห็นนักบวชนี้เขาเรียกว่าบรนประชิตผู้เว้นรอบเว้นจากความชั่วทางกายวาจาและใจใดรอบเพราะบรนประชิตถือว่าการประพฤติ ธ, ธรรมเป็นความดี การประพฤติธรรมก็คือประพฤติกุศลธรรมกุศลกรรมบทการประพฤติสุดจริตธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นความดีเรียกว่าธรรมจริยาต่อไปบอกสมจริยาการประพฤติสม่ำเสมอเป็นความดีการประพฤติความสม่ำเสมอด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยเป็นความดีสม่ำเสมอก็คือไม่ทำความชั่วทางกายวาจาใจนั่นเองสมะแปลว่าความสม่ำเสมอ ความสม่ำเสมอของกายก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วก็เห็นตับเอีกบอกว่าการประพฤติเป็นกุศลเป็นความดีการประพฤติเป็นกุศลหมายความว่าไม่มีโทษการกระทําแต่สิ่งที่ไม่มีโทษเป็นความดีเพราะฉะนั้นจะต้องประพฤติอยู่ในข้อประพฤติข้อปฏิบัติในที่ ท, ที่ไม่มีโทษเฉั้นการประพฤติกายที่ไม่มีโทษ ว่าจีสมาจารที่ไม่มีโทษมโนสมาจารที่ไม่มีโทษอันนี้เป็นความดีเคแต่อข้างก็บอกครัไปอกว่าการประพฤติอยู่ด้วยการประพฤติที่เป็นบุญบุญยะกิริยาการทำบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นความดีแล้วก็คิดเลยต่อไปอีกว่า การประพฤติอวิหิงสายะอยู่ด้วยความกรุณาไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายหวังที่จะให้สัตว์พ้นจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงเป็นความดีแล้วกอ็อนุกรรมยภูตาการสงการอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาเนี่ยเป็นความดีการที่มีเมตตาหวังจะช่วยปลดเปลื้องให้สัตว์พ้นเอ่อให้สัตว์มีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นเป็นความดีแท้ันท่านก็ได้แนวทางเลยนะพอท่านได้ฟังคําของ บันประชิดสุดทาวาดพรหมบอกกล่าวอย่างนั้นท่านก็รู้เลยว่าแนวทางก็คือการประพฤติชำระกายวาจาใจเนี่ยนะนก็เลยบอกว่าพอได้ฟังอย่างนั้นจบบอกโอ้ดีเพราะฉะนั้นสารถีท่านเอารถเอาเครื่องแต่งตัวกลับวังไปเถอะฉันบวชละท่านก็เลยออกบวชตรงนั้นเลยเนี่ยนะออกบวชโดยที่ไม่กลับเข้าไปสู่วังอีกเลย เมื่อออกบวชเสร็จแล้วก็มีผู้ที่ออกบวชตามแปดหมื่นสี่พันท่านก็จารึกไปในคาำนิคนชนบทราชธานีในระหว่างนั้นเนี่ยนะประมาณสี่เดือนเนี่ยถามว่าท่านทําอะไรสี่เดือนในการออกบวชของท่านท่านก็มีการไข้ควรพิจารณาธรรมนะมีการพิจารณาไข้ควรธรรมเขาเรียกว่าประพฤติ ธ, ธรรมแล้วก็ประเมื่อประพฤติคุณธรรมไปเรื่อยๆจนเห็นว่าคุณธรรมนั้นสุกงอมแล้วก็เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยนะ เ็บอกว่าพระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้นั้นจะต้องหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวอันนี้เป็นปกตินั้นในที่สุดพระองค์ก็น้อมไปเพื่อที่จะหลีกออกจากหมู่คณะแต่ว่ารอวั น, ว, น, ว, น, ว, นวันหลังก่อนในที่สุดพระองค์ก็วันวิสาขบูรรมีเนี่ยนะวิสาขบูรรมีประชาชนทั้งหลายก็ได้มีการร่วมเจริญกุศลทาข้าวมาทุปายาวายนะทำข้าวมาทุปายาธเนี่ยนะถวาย พระ อ, องค์ก็เลยสเสวยข้าวมาทุปายาติในวันเพ็ญเดือนหกตอนเช้าตอนสายมาพระ อ, องค์ก็หลีกจากไปแล้วก็ไปที่โพที่มันทสถานซึ่งพระ อ, องค์เคยเห็นแล้วแต่ยังไม่น้อมใจเพื่อที่ไปประทับนั่งตรงนั้นเพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้าพอเมื่ออินทรีย์พระ อ, องค์แก่กล้าแล้วพระ อ, องค์ก็ไปเสด็จประทับนั่งที่โคนต้นต้นโพต้นไม้ที่ตรัสรู้ต้นไม้ที่รวบรวมโพที่ปัจจยธรรมได้สาเร็จ พระองค์ก็นั่ง น, นะพิจารณานะก็ปกติก็ต้องอนนะไรธรรมเนียมก็คือพยามารมาเชียงบัลลังนะมาไล่ให้ออกจากบัลลังพระองค์ก็ชนะมารและพลมานในเรียกว่ายามพลบค่าพลบค่ําแห่งราตรีนั้นพระองค์ชนะมารและพลมานแล้วพระองค์ก็เจริญอาณาปานาสติกรรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานที่พระโพ ธ, ธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเจริญทุกองค์นะก็เจริญอาณาปานาสติ ่าใช้เวลาไม่กี่นาทีท่านก็ได้ฌานสี่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เมื่อจิตนะนะเบาอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนั้นะนะด้วยฌานสี่เป็นบาตก็น้อมไปเพื่อระลึกชาติก่อนเป็นอันมากระลึกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบร้อยพันหมื่นแสน ตลอดสังวตกับวิวัตกับเป็นอันมากก็เป็นตลอดเป็นอสงไขย์กับเป็นอันมากนั่นเองว่าในภพนั้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดมีผิวพรรณมีรูปร่างหน้าตาเช่นนั้นเสวยสุขเสวยทุกบริโภคอาหารเช่นนั้นเช่นนั้นอยู่ในภพนั้นนานเท่านั้นจุติจากภพนั้นไปเกิดนะภพนูน้นเนี่ยนะก็พิจารณาอย่างเงี้ย ขันอายตนะที่เป็นไปในอดีตขันที่เคยอยู่ในอดีตแต่ละชาติแต่ละชาติก็ระลึกผ่านไปเนี่ยนะใช้เวลาพิจารณาระลึกอย่างนี้สีชั่วโมงผ่านไปถึงสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มพระองค์ก็ออกจากการ เ, าเลิกพิจารณาถึงอดีตทั้งของพระองค์เองและของสัตว์อื่นพระองค์ก็มาพิจารณาว่าพระองค์ก็เข้าฌานใหม่ออกจากฌานก็บอกว่าพอพอสรุปได้ไหมว่าไอ้ที่เวียนไหวาตายเกิดมาเนิ่นนานเนี่ยนะ ไล่ตั้งแต่เป็นสัตว์นรกจนถึงเท้ามาหาพรหมเนี่ยเวียนไหวาตายเกิดนรกเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาพรห ม, มมนุษย์อ่าพรหมเทวดามนุษย์เดรัจฉานอบายนรกเปรตอสุรกายวนเวีย น, ว, ยนวนอยู่อย่างนี้ในพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิฏฐิเ็ดสัตวาวาส9เมื่อเห็นความอย่างนี้เข้าก็บอกว่าโอ้สัตว์มูสัตว์เนี่ยที่เวียนไหวาตายเกิดเนี่ย เวียน่ายตายเกิดเพราะอะไรพระองค์ก็น้อมไปเพื่อเห็นจุตูปปาตยานเห็นมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนะว่ามูสัตว์นั้นเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมนั่นนะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนี่แหละเป็นเหตุให้สัตจุติและอุบัตเป็นเหตุให้สัตจุติและปฏิสนธนะิเป็นเหตุให้จุติและปฏิสนธิพระองค์ก็พิจารณาต่อไปอีกว่า แล้วจุติปฏิสนธิทั้งมันก็มีอยู่กลุ่มที่มีเ ล, เลวประนีตผู้ที่ได้ดีและผู้ที่ตกยากผู้ที่มีผิวพรรณดีและมีผิวพรรณสามเป็นต้นพันได้ดีคร่าวะได้ดีก็ตกยากก็มายความว่าโมหะมา ก, ม ห, ามากหรืออโมหะมากเดือดร้อนเรื่องอาหารหรือไม่เดือดร้อนได้ดีหรือตกยากเพราะโลภะหรืออโลภะ นะผิวพันธ์ดีหรือผิวพันธ์สามก็โทสะหรืออโทสะเนี่ยนะก็พิจารณาสาเหตุมูลเขาเพาะะนันธ์มู่สัตว์ที่ปฏิสนธิที่มีความแตกต่างกันอย่างเนี้ยมาจากกายะอะไรกายสุจริตกับกายถูกจิตก็เห็นเลยว่าผู้ใดที่ประพฤติกายสุอผู้จริตวจีทุจริตมโนทุจริตเตติเตียนพระเรียเจ้าทํากรรมด้วยอํานาจมิตรฉาทิฐิ เบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าสู่อบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกเป็นต้น น, นะพระองค์ก็เห็นหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอีกว่าหมูสัตว์เหล่านี้ผู้ประพฤติกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตญ น, นะไม่ติเตียนผ้าเรียเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิกระทํากรรมด้วยสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ น, นนะพระองค์ก็พิจารณาหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้ ในเทวทูตสูตรบอกว่าเหมือนกับว่าบุคคลที่ยืนอยู่ในบ้านที่หันเข้าหาบ้านสองหลังหันหน้าเข้าหากันใครเดินไปเดินมาก็เห็นฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นพิจารณาเห็นหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเช่นนี้เนี่ยนะก็เห็นเลยว่าหมูสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมเนี่ยเช่นนี้มีไปมีมานะมีจุติมีอุบัติในภพสามก็เห็นเลยความจุติอุบัตเนี่ยนะ ันถ้าเป็นสมัยใหม่เปรียบง่ายก็เหมือนกับว่าผู้ที่ยืนอยู่ในที่สูงมองเห็นการจราจรเนี่ยนะเป็นปายจุติและอุบัติในภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตตาวาสเก้าทีทั้งกว่าพี่ารณาอย่างเนี้ยบทสรุปถึงตีสองว่านะ่งก็มาคิดต่อไปอีกว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรกันไอ้ทั้งหมดอันนี้เนี่ยนะแต่ว่าบทสรุปของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดก็บอกว่าลูกนี้ถึงความยากเฮ้ ่ะถึงความยากถึงความลําบากแผ้ย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมเวียน <karma S 2> ตายเวียนเกิดก็เออแหละเพราะบุคคลไม่รู้ชัดถึงอุบายเครื่องพ้นทุกข์คือชราและมรณะที่ย่อมเวียนไหวตายเกิดที่จะต้องตายเกิดเวียนเกิดเวียนตายเวียนตายเวียนเกิดเนี่ยก็เพราะไม่รู้จักพระนิพพานเป็นธรรมที่พ้นจากชราและมรณะเพราะไม่ตรัสรู้พระนิพพานแน่แท้เพราะไม่รู้ธรรมที่ดับชราและ มรณะเนี่ยนะเรียว่าวไม่รู้จักนิสรณะธรรมที่ถ่ายถอนธรรมเป็นที่พ้นจากชราและมรณะเพราะั้นการพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะจะปรากฏได้เมื่อไรเรามันจะเป็นไปได้อย่างไงถ้าไม่รู้จักธรรมที่ออกจากชราและมรณะถ้าไม่รู้จักธรรมออกธรรมะเป็นที่ออกธรรมะเป็นเครื่องออกจากชราและมรณะการที่จะพ้นจากชราและมรณะไม่ใช่วิสัยไม่ใช่ฐานะเป็นไปไม่ได้ที่จะ ออกจากชราและมรณะไปได้มันพ่อองค์ก็คิดตอบไปอีกว่าอะไรหนอเมื่ออะไรหนามีชรามรณะจึงมีก็เรื่องนี้เป็นกิจกรรมที่ทำด้วยอะไรตอนแรกก็เกิดพระปริวิตกตั้งเป็นโจท์ขึ้นมาก่อนว่าชรามรณะมีเพราะอะไรมีชรามรณะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัย ตอนนั้นเนี่ยนะปัญญาการโยนิโสมณสิการก็เกิดขึ้นท่านค่อยๆใส่ใจหรือว่าโยนิโสมณสิการเกิดขึ้นก็มีปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้เนี่ยนะอหุปัญญายะอภิสมยาการตรัสรู้ด้วยปัญญาการตรัสรู้ด้วยปัญญาก็เกิดขึ้นว่าเมื่อชาติมีอยู่ชรามรณะยังมีแล้วก็โยนิโสมณสิการตั้งเป็นโจตตอบเอกว่าชาติมีเพราะอะไรมี ก็โยนิโสมรณาสิการเกิดปัญญาตรัสรู้อีกว่าชาติมีเพราะพบมีโยนิโสมรณาสิกานไข้ครวญก็เกิดปัญญาพิจารณาต่อไปว่าพบมีเพราะอุปาทานมีนะโยนิโสมรณาสิการเกิดปัญญาตรัสรู้ขึ้นว่าอุปาทานมีก็เพราะมีตันหาแล้วตันหามีเพราะอะไรมีก็ใคร่ครวญต่อไปก็เห็นว่าเพราะเวทนามีเวทนามีเพราะอะไรมี 菩萨มีภาษามีก็เพราะสลายตนะมีสลายตนะมีก็เพราะเพราะเพราะมีนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณมีวิญญาณมีเพราะมีนามรูปถ้าไม่มีนามรูปวิญญาณจะยังลงสู่คันแห่งมารดาได้ไหมก็ยัยงลงสู่ไม่ได้เดี๋ยนะก็เพราะมีวิญญาณแต่ถ้ากลา่าวิญญาณนามรูปก็เท่ากับกล่าวกรรมในอดีตที่เรียกว่าสังขารก็คือพบพบก็คืออะไรก็รถ้าสาวไปอีกว่าปฏิสนธิวิญญาณมาจากไหนก็มาจาก พบนั่นเองพบมาจากไหนก็มาจากก็มาจากอุปาทานอุปาทานมาจากตัญหาสาวไปแล้วไม่มีจบมีสิ้นนะแต่ว่าสรุปว่าชีวิตในอดีตที่ผ่านมาอยู่ด้วยอวิชาตลอดไม่เคยเห็นอริยสัจไม่ได้ตรัสรู้ธรรมที่นำออกจากชาาและมรณะเมื่อไม่ตรัสรู้ธรรมที่นำออกจากชรลาและมรณะมันก็ไม่มีการพ้นจากชราและมรณะกระแสแห่งสังสารวัฏ แรกเกิดในภพแต่ละภพนั้นปฏิสนธิวิญญาณก็อย่างลงเพราะนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโสกปริเทวะทุกขโทโมนัสและอุปาญาตบทสรุปที่ผ่านมาแห่งสังสารวัตรทั้งหมดก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเป็นสังฆตธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยสรรสร้างแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นแต่กองทุกข อ, อิมะัสะเกวรัสะทุกขขันธัสะ เป็นแต่กองทุกหามีสิ่งใดอยู่ในนั้นไม่หามีศักด์บุคคลเป็นต้นเหล่านั้นณนที่นั้นไม่มีแต่กองทุกกองทุกข ท, ที่เป็นไปตามเหตุและเป็นไปตามปัจจัยไล่สืบเนื่องกันไปเพราะฉชรามเอสโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเกิดจากชราและมรณะชรามรณะเกิดจากชาติชาติเกิดจากภพภพเกิดจากอุปาทานอุปาทานเกิดจากตัณหาตัณหาเกิดจากเวทนาเวทน า, เวทนาเกิดจาก ภาษาภาษะเกิดจากสลายตนะสลายตนะเกิดจากนามรูปนามรูปเกิดจากวิญญาณวิญญาณก็เกิดจากนามรูปนามรูปมีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปพผลการสิ่งที่เวียนไปเวียนมาเนี่ยนะอย่างนี้แหละสิ่งเหล่านี้ที่เป็นที่ตั้งแห่งการเรียกว่าสัตว์เรียกว่าสัตว์โลกที่เกิดก็เกิดอย่างนี้ที่แก่ก็เป็นแก่ความแก่อย่างนี้ที่จุติอุบัติ เวียนจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เป็นแต่กองแห่งทุกข์ะนะความที่พระองค์เนี่ยมีปัญญาตอนหลังพระองค์ก็มาบัญญัติว่าทุกเหล่านี้คืออะไรคือขันธ์ทุกเหล่านี้คือธาตุทุกเหล่านี้คืออายตนะทุกเหล่านี้คือเรียกว่าหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามที่เรียกว่าแนวปฏิจจสมุป บ, บาทเป็นต้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายจากสุญานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่านี้สมุทัย เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุที่สร้างกองทุกข์ทั้งมวลเนี่ยมันเป็นไปอย่างนี้รู้เลยว่าสังสารวัตรที่มันไหลไปเนี่ยมันไหลไปอย่างนี้แหละอันนี้เรียกว่าการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยวิจารณาที่เรียกว่าตรูณวิปัสนาตีรณะณปริญญาาตตีรณะปริญญานะพิจารณาแบบนี้ไม่ใช่พิจารณาแบบค่อยๆไล่เรียกชื่อไม่ใช่แต่มีความเข้าใจว่าชารามรณะอันคืออะไร ชรามรณะมันคือมาจากชาติและชาติมาจากอะไรแล้วสติสัมปชัญญะท่านมั่นคงมากสมาธิท่านเยี่ยมมากเพรา ะ, ะนั้นไอ้การพิจารณาปัจจัยพร้อมทั้งอนิจจลักษณะถือเป็นเรื่องธรรมดาของท่านนะท่านรู้ว่าความเป็นอนิจจงอนิจจลักษณะของสังขารธรรมเหล่านั้นเป็นอย่างดีแล้วรู้ว่าสังขารธรรมเหล่านี้เกิดจากปัจจัยอะไรและตัวปัจจัยก็เป็นสังขารธรรมสังขารธรรมเหล่านี้ ก็คือสิ่งที่แปรไปสลายไปดับสูญไปแล้วก็รู้ว่าสังขารเราเนี่ยเป็นปัจจัยต่อไปให้มีอะไรมันก็สาวทั้งเหตุสาวทั้งผลเชื่อมโยงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันก็เห็นในความเป็นสังขารธรรมที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ท่านก็บอกว่าทั้งหมดนี้คือกองทุกกองทุกอันเนี้ยสิ่งที่ไม่เป็นทุกอย่างนี้เนี่ยก็เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเป็นทุกอย่างนี้แล้วมันเป็นใคร เป็นของใครมันก็ไม่ใช่พันจึงว่างเปล่าศูนย์จากความเที่ยงศูนย์จากความสุขแล้วก็ไม่ใช่อัตตาแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไม่ใช่บริขารของอัตตาอ่ะแล้วมันคืออะไรมันก็คือกองทุกขออ์เหมือนกันเถอะอย่างสมมุติถ้าเราเอาลูกเหม็นมาก้อนหนึ่งที่มันเหม็นตลบอบอวลไปหมดเนี่ยนะเอาเหม็นก็จริงแล้วถามว่าลูกเหม็นนี่มันใครอ่ะมีใครอยู่ในลูกเหม็นลูกเหม็นเนี่ยมันมีใครเป็นเจ้าของอยู่ในลูกเหม็นอีกทีหนึ่ง มีอะไรไปสิงอยู่ในลูกเหม็นลูกเหม็นเนี่ยมันของใครเป็นต้นมันก็คืออะไรมันก็คือลูกเหม็นแค่นั้นแหะฉันใดก็ดีกองทุกทั้งหลายมันก็เป็นในลักษณะนั้นเนี่ยนะว่าลูกเหม็นนะั้นยังพอเอาไปใช้งานบางแห่งได้ไหมแต่กายของเราเนี่ยไปตั้งไว้ที่ไหนได้ ไ, ดไหมไปดับกปลี่ยนช่วยดับเปลี่ยนอย่างอื่นได้บ้างไหมช่วยไปเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมช่วยให้อาหารไม่อร่อยอที่เอามาเกิดไปชั้นงานศพอุย้ยกลิ่นมันโชยมาเนี่ยนะ แต่ตามชนบทเนี่ยกลิ่นมันโชยมาเนี่ยยังเอ้ยอาหารมื้อนั้นนี่ไม่อร่อยเลยกล้ามกลืนฝืนใจฉันอยงนั้นเ่ยนะโอ้อันนะั้ถ้าลูกเหม็นลูกอะไรคนเข้าห้องน้ําก็ยังสู้เข้าไปใช่งไหมไอ้อ้นี่ไม่ไหวเลยกนะันนะมันก็เป็นอย่างนี้นมันจะจะเรียกว่าอะไรมันเรียกว่ากองทุกแท้ทๆเลยนะกองทุกรุนๆที่มันไหลเวียนเวียนไปในกระแสแห่งสังสารทุกท่านรู้เลยมันมีแต่ทุก ท่านมีปัญญามีวิชามีจักษุที่เห็นว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือการคาว่าท่านใช้คาว่าจักษุเนี่ยท่านเขาคาว่าเห็นเนี่ยนะจักษุมีความหมายว่าเห็นท่านเห็นอย่างนี้เป็นปกติชีวิตของท่านท่านเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆของเราได้ยินเออพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้แต่เราไม่ได้เห็นอย่างนี้เราไม่ได้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าพาให้เราเห็นเห็นตอนฟังเลิกฟังเราก็เลิกเห็นอย่างนั้นนะ ห ม, มายความว่าพอเขาโน้มเอียโน้มใจปับ๊บเออใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่พอเลิกพอเลิกคิดปับ๊บเออปกติคืนสู่ภาวะปกติง่ายมากบอกว่าพวกอายุร้อยแบบเนอเรียกว่าอายุต่ำกว่าร้อยปีในรอยไม้ที่กรีดไปในน้ำไม่ต้องห่วงคืนสู่ภาวะปกติวัดเดียวเลยนะพูดอริยศาสพูดปฏิจจคเข้าใจเลยไหมบอกเข้าใจโอ้เสาร์ซึ้งดีมากพอเลิกพูดปับ๊บปกติ คืนสู่ภาวะปกติได้เหมือนเดิมหมดเออมันขนาดนั้นเลยนะพอพูดอีกเออใช่ใช่เลิกพูดอีกก็ปกติอีกมันอย่างเงี้ยมันอินซีย์มันอ่อนนะนะสักทินรียก็อ่อนลิทิอินรียก็อ่อนสตรินรียก็อ่อนตันยินรียก็อ่อนสมาทินรียก็อ่อนมันอ่อนไปทุกอินทรีย์เว้นแต่จากขุนซีเนี่ยนะจากขุนซีนี่ไม่อ่อนนะโสตินรียก็ไม่อ่อนคาเนินซีก็ไม่อ่อนชิวหินรียก็ไม่อ่อนกายินรีนี่ก็โอ้ยหยาบกระด้างไปหมดแล้วไม่อ่อนละเนี่ยนะ มันก็ชรามรณาก็มาเยือนแต่ว่าสัตวคุณธรรมภายในนี่มันอ่อนเมื่อมันอ่อนอย่างนี้มันไม่ได้เห็นเป็นปกติเมื่อสองทีหนึ่งก็เห็นทีหนึ่งเมื่อสองทีหนึ่งก็เห็นทีหนึ่งเขาเรียกว่าเหมือนจุดประกายนะฟังธรรมก็เหมือนกับว่าให้มีประกายวัดหนึ่งก็พอเห็นเออลางๆก็ใช่ใช่เสร็จแล้วก็เมื่อปกติเนี่ยนะงั้นเราไม่ได้มีดวงตาปัญญาที่จะเห็นเป็นปกติความรู้เหล่านี้จะมีต่อเมื่อเราได้ยินได้ฟังมีต่อเมื่อเอามาคิด แต่ไม่เคยมีความเข้าใจอย่างนี้เป็นอัธยาศัยแต่เล่าราเรื่องเชื่อไหมยอย่างชื่อเสียงเรียงนามแต่และคนเป็นต้นเนี่ยเราเราเห็นเป็นอัธยาศัยเป็นปกติไม่ต้องอธิบายอันนั้นเรียกว่าจักษุเพราะมีตามีตาก็เห็นเลย ว, วันนี้เขาเรียกว่าสูงว่าตำ่ำว่าดําว่าขาวเป็นต้นแต่ปฏิจจสมุปบาทความที่ตาปัญญาอันนี้ไม่เกิดเป็นปกติไม่ได้เจริญเป็นอย่างดีก็เลยมองไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็น น, นะผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุตเเจ้าพระองค์เนี่ยมองเห็นพระองค์เห็นเลยว่าทุกเนี่ยมันคืออย่างนี้วันท่านเห็นอะไรเนี่ยท่านจะไม่เผลอคือคือการที่ท่านท่านไข้ควรได้อย่างนี้นะหลังจากนั้นท่านไม่มีลืมอีกเลยท่านเข้าใจอย่างนี้โดยไม่มีคําว่าเผลอแต่หมู่สัตว์ทั้งหลายที่ฟังธรรมเนี่ยนะเสียกสติหลงลืมก็คือเผลอตลอดระลึกไม่ได้จําไม่ได้ถ้าจกเท่ามาอีกทีหนึ่งเออค่อยๆ ก็ค่อยๆมาทบทวนได้กว่าจะไล่ชื่อได้ในี่ใช้เวลาตั้งนานแต่ถ้าของท่านท่านไม่ต้องไล่ชื่อไม่ต้องอะไรก็ท่านมองเห็นน่ะก็ท่านมองเห็นท่านนับได้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของท่านเลยเหมือนคนเห็นผ้าขาวเห็นผ้าดําเห็นผ้าสีต่างๆฉันใดวิปัสสนาญาณของพระองค์นี่เป็นอย่างนั้นอีกที่หนึ่งท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าผู้ที่เจริญวิปัสสนาเหมือนอะไร เคยใครเคยดูหยาด น, ะน้ํําน้าใสๆที่ข้างล่างมีตัวปลามีหอยมีก้อนกรวดเนี่ยนะมองเห็นความหลากหลายเหล่านั้นได้ฉันใดผู้ที่เจริญวิปัสนาพิจารณาเนี่ยนะชารามเพราะเห็นปั๊บเนี่ยนะอย่างสมมุติถ้าเห็นตาใครปั๊บเนี่ยนะเขาจคราบน้ําตาไหลอยางเขาไม่เผลอนะโศกามาขนาดไหนเคยโทสะไหมคราบน้ําตาไหลไหมขนาดไหนโศกะปริเทวะทุกโทมานัตอุปาาะไหลจากดวงตาคู่นั้นไหมอันนี้ท่านไม่เผลอ แล้วตาเหล่านี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าชรามรณะใช่ไหมตาเหล่านี้ยชรามรณะมาจากไหนก็มาจากการเกิดการเกิดมาจากไหนก็มาจากกรรมนะกรรมที่ทําให้เกิดตาก็คือเพราะอะไรเพราะรูปปตัตนหาตัตนหามาจากไหนก็มาจากเวทนาเวทนามาจากพัสสะสลายตนะก็สาวเชื่อมโยงในความเป็น เหตุเป็นผลท่านก็เชื่อมโยงเห็นเหตุเห็นผลเห็นกรรมเห็นผลของกรรมเห็นสังสารวัตรเห็นปฏิจจสมุปบาทในทวารตาเห็นปฏิจจสมุปบาทในทวารหูเห็นปฏิจจสมุปบาทในทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและก็ทวารใจไล่สืบเนื่องไปตามอะไรพระโลกรนิโรธสุปนั่นเองก็เห็นเป็นท่านเห็นเป็นเรื่องธรรมดาของท่านเป็นปกติวิสัยของท่านเป็นอัธยาศัยไปแล้วว่ามันเข้าใจอย่างนี้แล้ว แล้วก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไม่พลาดด้วยซึ่งมันเป็นความจริงแท้เนี่ยนะท่านก็เลยรู้ว่าเออเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าปัญจสุท่านเห็นแล้วก็ญาณนะแปลว่าความรู้ญาณะเนี่ยแปลว่ารู้เนี่ยนะท่านรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคําว่ารู้ในที่นี้อะคนรู้กับคนไม่รู้ก็ต่างกันนะไอ้ น, นี่รู้เป็นอัธยาศัยไปแล้วแล้วก็ปัญญารู้ทั่วรู้โดยประการต่างๆจํ า, าจแนกแยกแยะได้หมด แล้วก็วิชารู้อย่างชัดรู้แบบแบบอะไรแบบสว่างนะนะอย่างที่โยมก็าถามว่ารู้แบบเห็นตอนกลางวันใช่ไหมบอกว่าใช่นะแต่ไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อนะแต่เห็นด้วยตาปัญญามีความเข้าใจอย่างนั้นโดยที่ไม่พลั้งเผลอแบบนั้นนะโดยความตื่นตัวอย่างเต็มที่ท่านรู้ว่านี้สมุทัยนี้สมุทัยได้เกิดขึ้นแล้วแกพระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลาย ที่พระองค์ไม่ได้สดับมาแล้วในการก่อนเลยไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนะแต่คิดได้เองด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยนะด้วยอนุภาพของปัญญาเนี่ยทําให้พระองค์เนี่ยรู้เห็นพิจารณารู้แจ้งแทงตลอดในทำทั้งหลายเหล่านี้ได้เนี่ยนะก็ความในมหาประธานสูตรต่อจากครั้งที่แล้วพระเช้ากล่าวถึง สมุทยยวาระวาระว่าด้วยการเกิดวาระว่าด้วยการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ชาติสุดท้ายที่จะได้ตรัสรู้อริยสัจ ต, ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคือเป็นการพิจารณาอริยสัจ ต, ตามแนวปฏิจจสมุปบาทนั่นเองซึ่งพระพุทธเจ้าทุกองค์ล้วนแต่เป็นอย่างนั้น แต่ถ้าสําหรับสาวกทั้งหลายบางองค์พิจารณาโดยขันบางองค์โดยธาตุบางองค์โดยอายตนะบางองค์บางองค์โดยอินทรีย์เป็นต้นที่แตกต่างกันไปแต่สําหรับของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีการพิจารณาอริยสัจ ต, ตามแนวปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมการพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะ โดยเฉพาะทุกข์กับสมุทัยนั้นเคาเรียกว่าอนุโลมปฏิจจสมุบาทพิจารณานิโรธกับมรรคนั้นเป็นปฏิโลมปฏิจจสมุบาทนั่นเองในข้อ40พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลพระวิปสัสสีโพธิสัตว์ได้ทรงพระดำริว่ามเมื่ออะไรไม่มีเล่าหนอชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับ ภิกษทั้งหลายครั้งนั้นและนะพระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้ทําไว้ในพระทยโดยอุบายอันเย็บคายการตรัสรู้ด้วยปัญญาจึงมีว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะย่อมไม่มีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับนะซึ่งการตรัสรู้ด้วยปัญญานั้นเกิดจากโยนิโสมรสิการ เมื่อมีโยนิสโสมนาสการการตรัสรู้ด้วยปัญญาก็เกิดขึ้นแต่ท่านเอาผลมาตั้งแล้วว่าชรามรณะนี้เกิดจากอะไรแล้วสาวไปหาปัจจัยว่าชรามรณะเกิดจากชาตินี่ถ้าชรามรณะจะดับนะหมายคว่าจะสูญจะสิ้นจะดับไม่มีเหลือเลยเนี่ยไม่มีชรามรณะโดยประการทั้งปวงนั้นอะไรต้องไม่มีก็บอกว่าชาติไม่มี ก็คือมองว่าถ้าจะหมดทุกเนี่ยนะมาต้องหมดเหตุแห่งทุกดูก่อนพิสุททั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ทำไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บขายหรือพระองค์ทรงธ ร, รมโยนิโสมนสิการนะก็เกิดการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มีเพราะพบดับชาติจึงดับนะก็คือสาวไปหาว่า ชาติจะดับเนี่ยเพราะอะไรดับถ้าจะดับชาติได้เนี่ยต้องดับอะไรก่อนอ น, นะเพราะเพราะโยนิโสมนัิการใส่ใจอย่างเย็บไายกะะ็ครับว่าค่อยๆไล่ปิดไปเรื่อยๆเนี่ยนะถ้าอถ้าปัจจัยเหล่านั้นเหล่านั้นปัจจัยก่อนๆเหล่านั้นศูนย์สิ้นดับไปเนี่ยนะก็ถ้าสิ่งนั้นดับไอ้คาว่าดับนั้นไม่ใช่ดับแบบเราคิดไม่ใช่นับถีปัจจัยไม่ใช่แปลว่าไม่มีศูญสูญว่างๆไม่ได้เป็นแบบนั้น อันนะว่าถ้าชาติไม่มีเมื่อพบไม่มีชาติไม่มีตรงนี้ไม่ใช่นับถีปัจจัย น, นะถ้านับถีปัจจัยหมายคราบว่าถ้าหมดคือถ้านับถีปัจจัยเนี่ยนะอย่างไรเสียพบที่เป็นปัจจัยกับชาติพบที่เป็นปัจจัยกับชาตินัจจ้นเมื่อเกิดขึ้นก็ดับไปไม่ใช่นับถีปัจจัยไม่ใช่ภาวะปฏิเสธแค่สักว่าไม่มี หรือสักว่าสิ่งนั้นเมื่อดับแบบธรรมดามันหลายทนก็บอกว่าเออเนี่ยเพราะถ้าชาติดับชรามรณะก็ดับเอาชาติมันดับมาตั้งแต่ก่อนเกิดไม่ใช่เหรอเอาชาติมันดับมาแล้วไม่ใช่หรือตอนนี้ชาติมีเหลือไหมที่มาชรามรณะในบัดนี้ตอนนี้ชาติมีไหมชาติไม่มีมันไม่ใช่ดับแบบนี้ถ้าดับแบบนี้ทุกคนจะนิพพานกันหมดเนี่ยนไม่ใช่ดับแบบนี้แน่นอนไม่ใช่ดับแบบนัตถิปัจจัย แต่ถ้าแทงตลอดพระนิพพานเป็นที่ดับชาติแล้วนั่นแหละจึงจะดับชรา ม, มรณะทีนี้ถ้าจะแทงตลอดพระนิพพานเป็นที่ดับชาตินั้นน่ะจะต้องแทงตลอดทำเป็นที่ดับอะไรบอกว่าเมื <c oughs> ่อแทงตลอดพระนิพพานที่ดับพบได้นั่นแหละชาติจึงไม่มีเพราะนั้นต้องแทงตลอดทำที่ดับพบไม่ใช่สักว่าพบดับไปแล้วถ้าไม่แค่ไม่มีพบกรรมในอดีตทุกวันนี้เหลือไหมไม่เหลือกรรมในอดีตมันก็ดับไปแล้วในอดีต สังขารในอดีตจะไม่วิ่งมาอยู่ในปัจจุบันสังขารในปัจจุบันมันก็วิ่งไปไม่ไม่วิ่งไปในอนาคตสังขารธรรมทั้งหลายเกิดที่ไหนดับที่นั่นแต่มีสภาพโดยเป็นปัจจัยนะมีความเป็นอยู่โดยปัจจัยเพราะนั้นปัจจัยนี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีนะเมื่อปัจจัยเนี่ยนะดับไปเพราะแทงตลอดธรรมเป็นที่สิ้นปัจจัยพระนิพพานนั้นเป็นชื่อของธรรมที่สิ้นปัจจัยนนะถ้าหากว่า แค่สักว่าปฏิเสธแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะทุกคนจะบรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเพราะสังขารทั้งหลายมันก็เกิดดับโดยธรรมชาติมันนิโรธตัวนั้นเนี่ยนะนิโรธะนิโรธตัวนั้นหมายถึงธรรมที่ดับภพบถ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับภพบเมื่อไหร่ชาติย่อมดับเนี่ยนะอันนี้ถูกปฏิเสธแน่นอน ดูกานพิสูจนทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสิโพทิสัตว์ก็ดำริต่อไปอีกว่าเมื่ออะไรเล่าเนอะไม่มีพบจึงไม่มีพบไม่มีเพราะอะไรดับเพราะอะไรดับพบจึงดับหมายว่าต้องตรัสรู้อะไรหนอจึงจะดับพบได้ดูกานพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลการทําไว้ในใจโดยอุบายอันเยบขายทำให้เกิดการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่า เมื่ออุปาทานไม่มีพบย่อมไม่มีเพราะอุปาทานดับพบจึงดับอนนอุปาทานดับนั้นอุปาทานะ น, นิโรธทำเป็นที่สลัดอุปาทานทำเป็นที่ดับอุปาทานทำเป็นที่เพิกถอนอุปาทานถ้าเพิกถอนอุปาทานได้โดยประการทั้งปวงพบก็ดับนั้นท่านก็โยนิโสมนัสิการเนี่ยนะเรียกว่ารู้ต้นเหตุแล้วก็รู้ด้วยว่าทำที่ดับต้นเหตุ น, นั้นคืออะไร ถ้าดับต้นเหตุได้แล้วผลมันจะดับอย่างไรทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าพูดถึงความดับเหตุแห่งพรมเหล่านั้นอันนี้ปกติคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดำเนินต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีเล่าเนาะอุปาทานจึงดับเพราะอะไรดับอุปาทานจึงดับมั้งนั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแล การกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บคายได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์คือท่านเจริญโยนิโสมนสิกานพอท่านมีโยนิโสมนสิการก็เกิดปัญญาตรัสรู้คือปัญญาที่ตรัสรู้ว่าถ้าตันหาไม่มีอุปาทานย่อมไม่มีเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับถ้าดับตันหาได้ตันหานั้นดับเพราะอะไรเพราะการสํารอดด้วยอริยมรตตันหาดับดับ หรือตันหานิโรธเนี่ยนะทที่ดับที่ดับตันหาหมายถึงอริยมรรคนะที่แทงตลอดพระนิพพานถ้าตันหาดับนั่นแหละอุปาทานจึงดับไม่ใช่สัก์แต่ว่าอา้าววันนี้เลิกชอบแล้วก็ดับแล้วมันดับความยึดถือแล้วพอเลิกชอบแล้วเลิกรักแล้วมันถ้าเลิกพอใจแล้วก็เลยเลิกชอบเลยเลิกยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเลยบอกมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะนะถ้า ง, ง่ายขนาดนั้นก็ใครที่ เบื่อหน่ายแม่บ้านก็นิพานหมดแม่บ้านที่เบื่อหน่ายพ่อบ้านก็นิพานกันหมดเพราะอะไรเพราะว่าไม่ไม่มีตัณหาแล้วมีแต่โทสะอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไม่ยึดถือว่าเป็นของเราและเธอไปไหนก็ไปเรื่องของเธอเธออย่างเงี้ยไม่ใช่แน่นอนหรือว่าไม่ใช่ว่าของอะไรเสียหายแล้วบอกว่าเลิกชอบแล้วเออดับแล้วพอแล้วฉันเลิกยึดถือแล้วบอกงั้นปล่อยแล้ววางแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าปล่อยปละละเลยต้องศึกษาให้ดีนะว่าธรรมะในพุทศาสนาเนี่ยนะปล่อยวางกับปล่อยปละละเลยไม่เหมือนกัน ปล่อยปละละเลยก็คือปล่อยแบบภาษาเราเนี่ยแปลว่าไม่ต้องสนใจมันหรอกนะมันนิพานไม่ได้แปลว่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องเก็บมาคิดแต่หมายถึงว่าเพิกถอนสิ่งเหล่านั้นได้ดังนั้นตัญหาดับคือเพิกตัญหาได้ตัญหามันเกิดเกิดที่ไหนต้องเพิกตัญหาจากที่นั่นไม่ใช่โอ้เบื่อแล้วก็เลยบอกโอ้เนี่ยฉันเลิกชอบแล้วก็เลยเบื่อแล้วนะไม่ใช่หมายคือว่าสิ่งนั้นยังเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจนั่นแหละ แล้วเพิกได้อันนี้น่าอัศจรรย์ดังนั้นคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนสอนให้ตรัสรู้แบบนั้นให้พิจารณาแบบนั้นให้ตรัสรูท้ทำเป็นที่พ้นทุกอย่างนั้นเนี่ยนะท่านท้าทำที่ดับตันหาจริงนั้นหมายถึงพระนิพพานที่เป็นอรมณะปัจจัยของอริยมรรคพระนิพพานนั่นแหละจึงเป็นธรรมที่ดับตันหาถ้าตันหาเนี่ยนะดับอุปาทานก็ดับ ดูก่อนพิสูจนัทงหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ได้มีพระดำริต่อไปอีกว่าเพราะอะไรหนาะไม่มีตัญหาจึงไม่มีเพราะอะไรดับตัญหาจึงดับเออถ้าจะดับตัญหามันต้องดับอะไรก่อนดูก่อนพิสูจน์ทงหลายครั้งนั้นแหลการตรัสรู้ด้วยปัญญาเพราะโยนิโสมนัสิการเนี่ยได้มีได้เกิดความรู้ขึ้นมาว่า เมื่อเวทนาไม่มีตันหาย่อมไม่มีเพราะเวทนาดับตันหาย่อมดับถ้าดับเวทนานี่ดับอะไรดับได้ด้วยเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนะนั้นทำที่ดับเวทนาจริงๆก็คือพระนิพพานเนี่ยนะเป็นที่เพิกเป็นที่ถอนเวทนาได้ทั้งสิ้นเพราะเจริญเวทนานุปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะจนแทงตลอดพระนิพพานถ้าเวทนาเหล่านั้นเนี่ยนะผู้ที่พิจารณาเวทนาจนแทงตลอดพระนิพพานได้ ตันหาก็ดับตันหาดับจริงต่อเมื่อ เ, อเปลี่ยนจากเาจริญเวทนาจนประจักษ์แจ้งแทงตลอดพระนิพพานเมื่อ น, นั้นแหละตันหาจึงจะดับเวทนานั้นจึงเลิกเป็นที่ตั้งแห่งความหิวด้วยตันหาตันหาเรียกว่าความหิวความกระหายเรก็เป็นความหิวชนิดหนึ่งเป็นความกระหายชนิดหนึ่งเป็นความอะไรอีกชนิดหนึ่งถ้าจเจริญปัญญาจนแทงตลอดพระนิพพานได้นั่นแหละจึงจะ จึงจะดับตัณหาได้เพราะนั้นตรงนี้ก็คือแทงเจริญเวทนานุปัสนานจนสมบูรณ์นั่นแหละจึงจะดับตัณหาได้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปษษัสสีโพธิสัตว์ทรงนำเรตต่อไปอีกว่าเมื่ออะไรไม่มีเล่าเนาเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแล พระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ทาโยนิโสหรือว่าเจริญโยนิโสมนสิการไว้ในพระไทยโดยอุบายอันเย็บคข่การตรัสรู้ด้วยปัญญาก็มีขึ้นว่าเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะถ้าผัสสะดับนั่นแหละหมายความว่าถ้าตรัสรู้ทเป็นที่ดับผัสสะเนี่ยนะพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับผัสสะได้โดยประการทั้งปวงนั่นแหละ เวทนาจึงดับมันอันนี้เกิดจากการตรัสรู้ด้วยปัญญาเพราะท่านแทงตลอดนิโรศสศจักเนี่ยนะคือตรงนี้ไม่ใช่เป็นข้อความที่เล่นคำํคำคําที่ไพเราะสำนวนสละสลวยเฉยๆไม่ใช่แน่นอนเป็นที่น่าสนใจว่าพยัญชนะเหล่านี้เขามาอ่านเกินสิบปีเนี่ยนะเกินสิบปีนั้นก็เราก็เห็นว่าง่ายๆเออเมื่อไม่มีก็แปลว่าศูนย์ถ้าดับไปธรรมดาเนี่ย แต่ก็คิดว่าเออพอแล้วพอแล้วเออถ้าภาษาดับนะถ้าไม่เห็นซักมันก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกอะไรว่าโ อ, อ้นิพานทำไมมันง่ายขนาดนั้นใช่ไหมถ้าไม่ต้องภาษาซะถ้าไม่เห็นซักเราก็ไม่ต้องเจ็บใจถ้าไม่ได้ยินซักเราก็ไม่ต้องไม่สบายใจถ้าไม่ไปไม่ต้องเก็บมาคิดซะเราก็เลืเราก็สบายใจแล้วเออนิพานมันแก้กลายเป็นว่าแกา้กตัวไปวันวันหนึ่งนะไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเพราะนั้น เมื่อผัสสะดับเวทนาดับนั้นหมายความว่าดับด้วยนิโรธเมื่อการแทงตลอดเรียกว่าผัสสายตาณะผัสสายตนะสมุทัยผัสสายตนณะนิโรธไอตรงนี้คือผัสสายตณะนิโรธเพราะด้วยอนุภาพของผัสสะนิโรธาคา ม, มิหนีปฏิปทาเพราะเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดแทงตลอดทำเป็นที่ดับผัสสะแล้วนั่นแหละเวทนาจึงดับ ดูกรพิสูุทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงดําริตต่อไปอีกว่าเมื่ออะไรไม่มีเล่าเนาะพัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรดับพัสสะจึงดับดูกรพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อสลายญาณะไม่มีพัสสะย่อมไม่มีเพราะสลายญนะาณะดับพัสสะจึงดับได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์เพราะทรงกระทําไว้ในในพระไถโดยอุบายอันเย็บคาย เพราะแทงตลอดพระนิพพานเพราะได้สัมผัสกับพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับสลายตนะนั่นแลผัสสะจึงดับนี่ะสลายตนะดับไม่ใช่สักว่าตาบอดไม่ใช่สักว่าหูนวกไม่ใช่ว่าจมูกเสียสภาพหมดสภาพไม่ใช่ลิ้นเป็นลิ้นจระเข้ไม่ใช่ว่าร่างกายเป็นอมาพาสไร้ความไร้ประสิทธิภาพขาดความรู้สึกไปไม่ใช่จุติจิตแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่า สลายตนะดับอันนี้ไม่ใช่จยเริ่ม่าสลายตนะสลายตนะสมุทัยสลายตนะนิโรธไอสลายตนะนิโรธคือทำที่ดับสลายตนะหมายถึงอสังขตะธรรมอสังขตะธรรมแปลว่าทำที่ดับสลายตนะแั้นถ้าตรัสรู้สลายตนะนิโรธแทงตลอดสลายตนะริโรธแล้วนั่นแหละ菩ะจึงดับทีนี้ถ้าสลายตนะไม่มีเพราะอะไรไม่มี ต่อจากนั้นพระวิปัสสิโพธิสัตว์ก็ดํำริดตอบอีกว่าเมื่ออะไรไม่มีเล่าหนอสลายยตนะจึงไม่มีเพราะอะไรดับสลายยตนะจึงดับภิกษุษทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปไม่มีสลายยตนะย่อมไม่มีเพราะนามรูปดับสลายยตนะจึงดับได้มีแล้วแก่พระวิปัสสิโพธิสัตทเพราะก ร, ระทําไว้ในใจโดยอุบายอันเยบขยัน ก็คือท่านเจริญหรือท่านธรำโยนิโสมนัิการปรารบโยนิโสมนัิการพอโยนิโสมนัิการใส่ใจโดยเย็บคายในมนโนทวาราวชนะชวนะที่เป็นตัญญาก็เกิดขึ้นแทงตลอดว่าถ้านามรูปไม่มีสลายตนะก็ไม่มีถ้านามรูปดับสลายตนะก็ดับนามรูปเป็นสังขารธรรมใช่ไหมบอกใช่นามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงโดยปกติมันเองมันก็ไม่เที่ยงเมื่อนามรูปไม่เที่ยงสลายตนะก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสิ นี่ใช่ไหมที่เรียกว่านิพานอ่าไม่ใช่แล้วมันพิเศษยังไงจริงเรียกว่าเป็นการตรัสรู้การตรัสรู้เหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากก็เนื่องจากว่าแทงตลอดตรัสรู้ทำเป็นที่ดับนามรูปเนี่ยนะทําเป็นที่นําดับนามรูปมั้นธรรมะกลุ่มนี้ไม่ใช่สักแต่ว่านามรูปอันปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงอะนะมีความสิ้นไปเสื่อมไปแปรปรวนไ ป, ป, ป, นไปเป็นธรรมดาเมื่อมันแปรปรวนไปแล้วสลา ย, ยตัวน้าก็มันก็แปรไป แปลไปตามปัจจัยนั่นแหละไม่ใช่แค่นั้นถ้าเป็นแค่นั้นจะเป็นยานขั้นก่อนแล้วก่อนหน้านั้นเขาเข้าใจเรื่องนั้นกฎเกณฑ์เหล่านั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนะอนุโลมปฏิจจสมุบาทถือว่าแทงตลอดเข้าใจกฎเกณฑ์นั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเอามาพูดก็รู้กันอยู่แล้วแต่ในฐานะนิโรธวาระนั้นเป็นการสัมผัสกับพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับสลายตรนะนกเนี่ยนะ แทงตลอดนามรูปทำที่ดับนามรูปท่าศูนย์สิส้นนามรูปเพราะสัมผัสกับธรรมที่ดับสังคตะธรรมได้นั่นแหละสลายตระณะก็ย่อมไม่มีดูก่อพิสูจนทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีเล่าเนาะนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับนนะดูก่อพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลการแต่สรู้ด้วยปัญญาว่า เมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปย่อมไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับดังนี้ได้มีแล้วแก่พระวิปษษัสสิโสทิศเพราะทรงกระทำไว้ในพระทัยโดยอุบายอันแยกใายอันเมื่อวิญญาณไม่มีเนี่ยจิตเนี่ยจิตเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงจิตชั่วขณะลับนิ้วมือหนึ่งเกิดดับไม่รู้กี่ครั้งงั้นจิตเหล่านี้มันก็เกิดดับไปอย่างนี้ถ้าจิตที่ดับไปนั้นนามรูปก็เลยดับใช่ไหมตรัสรู้อย่างนี้ใช่ไหมที่แทงตลอดพระนิผ่านไม่ใช่ ดับโดยอุปาทะถีติพังคะธรรมดาเพราะธรรมะที่ดับวิญญาณไม่ใช่ธรรมะที่ประกอบด้วยอุปาทะถีติพังคะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปธรรมะที่ดับวิญญาณนั้นต้องเป็นธรรมะที่ไม่ตั้งอยู่ไม่เกิดขึ้นและไม่ดับไปซึ่งเป็นอสังขตะธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่สงบสังขารนะเป็นธรรมที่สงบวิญญาณเมื่อตรัสรู้ธรรมที่สงบวิญญาณนั่นแหละวิญญาณจึงจะดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ดับ ท่านก็เกิดโยนิโสรู้เลยว่าถ้าดับวิญญาณได้นี่ต่อไปอีกดูความพิสูจน์ทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสิโพธิสัตว์ก็ดำเนินอีกว่าเมื่ออะไรไม่มีเล่าหนอวิญญาณจึงดับเมื่ออะไรดับวิญญาณจึงดับภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลการตรัสรู้ด้วยปัญญาเพราะการทําไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บขายว่าเมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณย่อมไม่มี เพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับนะความเมื่อกี้ก็บอกว่านามรูปก็ไม่เที่ยงใช่ไหมบอกว่าใช่ไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงเมื่อหมดไปแล้วนามวิญญาณก็เลยดับไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อตรัสรู้ทำเป็นที่ดับนามรูปแล้วนั่นแหละวิญญาณจึงดับเพราะนิโรธทำเป็นธรรมที่ดับนามรูปนั่นแหละวิญญาณจึงดับอันนี้ก็เกิดจากโยนิโสมนสิการอย่าลืมว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนะท่านตรงนี้ท่านยกเป็นตัวอย่างคร่าวๆว่าเออ่ ปัญญาการตรัสรู้เนี่ยมีแก่พระโพธิสัตว์เพราะทรงทํำไว้โดยพระทายโดยอุบายอันแยบคายตรงนี้กล่าวแบบรวบรัดกล่าวแบบย่นย่อแต่ถ้าเราเรียนภาเวตาธรรมเรียนภาเวตาธรรมเนี่ยนะหมดเก้ามาแล้วเนี่ยนะทำมีโยนิโสเป็นมูลเก้าไม่สงสัยเลยว่าโยนิโสมนานสิกาเนี่ยนะเป็นมูลแห่งปราโมทปราโมทนั้นถือว่าเป็นเหตุแห่ง ปีติปีติเป็นเหตุแห่งปัจสถานะปัจสถทนะเป็นเหตุแห่งสุขสุขเป็นเหตุแห่งสมาธิสมาธิเป็นเหตุแห่งยะถาภูตยานทัศนะยะถาภูตยานทัศนะเป็นเหตุแห่ ง, น, หห ง, หงนิพพิทาวิราคะตัววิราคานี่แหละที่ไปแทงตลอดว่าถ้านามรูปไม่มีวิญญาณย่อมไม่มีนนะมันก็เป็นคุณธรรมชั้นสูงมากนะคือในพุทธพจน์เหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วซ่อนอะไรอยู่ในนั้นเยอะมากนะ ซ่อนไว้ถ้าจริงๆอ่ะถ้าอธิบายเป็นตาําราก็อธิบายไว้อีกเป็นเล่มๆนั่นแหละจึงจะเข้าใจเพราะนี้เป็นวิสัยของผู้มีปัญญาอย่าลืมว่าสูตรเหล่านี้จะไม่แสดงกับคนเขาแน่นอนนะพระสูตรเหล่านี้แสดงกับคนที่พระพิสุที่ฟังสูตรนี้เป็นพระพิสุกลุ่มที่จเจริญพุทธคุณจเจริญพุทธานุสติบุคคลที่จเจริญพุทธานุสติจริงๆและฉลาดมากเป็นศรัทธาก็จริงแต่เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วย ปัญญาเป็นศรัทธาของคนมีปัญญาเนี่ยนะพรนธพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ควรแก่การเพ่งคู่ควรที่จะเป็นที่ประดิษฐานแห่งศรัทธาและปัญญาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงพระดำริตต่อไปอีกว่าหนทางหนทางคือวิปัสสนาเพื่อความตรัสรู้นี้เราได้บรรลุแล้ว ท่านตรัสรู้เลยนะว่าข้อปฏิบัติคือปฏิปทายานทัศน์วิสุทธิเพื่อการบรรลุมรรคผลเนี่ยนะได้เข้าถึงแล้วได้เจริญแล้วว่าหนทางนี่แหละเพราะอะไรเพราะนามรูปดับคือถ้าปฏิบัติจนรู้เห็นอย่างนี้ปฏิบัติจนได้ตรัสรู้อย่างนี้เห็นไหมคำว่าหนทางเพื่อความตรัสรู้คําว่าตรัสรู้เนี่ยนะบทว่ามรโคลคือวิปัสสนามมรโคลทายะเพื่อตรัสรู้สัจจะสี่หรือเพื่อตรัสรู้นิพพาน อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าโพธิเพราะตรัสรู้อันนี้เป็นชื่อของอริยมรรคนะหรือท่านกล่าวบอกว่าบทนี้กล่าวเพื่อประโยชน์แกอริยมรรคเพราะอริยมรรคมีวิปัสนาเป็นมูล น, นะพันธ์ก็แปลว่าเพราะอะไรการพิจารณาอะไรนะโทษดีพนทางเพื่อความตรัสรู้นี้เนี่ยนะอัตตกฐานหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนี่ยนะที่บอกว่า หนทางก็คืออริยมรรคมรรคตัวนี้คือวิปัสนาวิปัสนามรรคคือวิปัสนาหรือมรรคคืออริยมรรคเพื่อการตรัสรู้อริยสัจหรือเพื่อการตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยเราได้บรรลุแล้วอันนี้เป็นคํายืนยันของพระองค์นะของพระวิปัสสีโพธิสัตว์นี้แหละใช่เลยหนทางเพื่อการตรัสรู้หรือข้อปฏิบัติวิปัสนาวิสุทธิเพื่อแทงตลอดอริยสัจเราได้บรรลุแล้ว เพราะแทงตลอดแล้วอย่างนี้ว่าเพราะนามรูปดับด้วยอริยมรรควิญญาณจึงดับนะวิญญาณเรียกว่านามรูปดับวิญญาณจึงดับบทอันหนึ่งในบทนี้ท่านแสดงถึงนิพพานเท่านั้นด้วยปฐมาวิพัฒน์ว่าวิญญาณนะนิโรธโเป็นต้นมันคําว่าวิญญาณนิโรธโเนี่ยนะเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับอันนี้นิโรธวิญญาณนิโรธตัวนั้นเป็นเชื่อของ พระนิพพานเนี่ยนะเมื่อเจริญอริยมรรคอันนั้นท่านบอกว่าขยายความมรรคจึงกล่าวคําว่ายะทิทางนามะรูปะนิโรธาเพราะนามรูปดับเป็นชื่อของมรรควิญญาณจึงดับเป็นชื่อของนิพพานเนี่ยนะเมื่อปฏิบัติเจริญอริยมรรคที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับนามรูปแล้วแหละจึงแทงตลอดพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับวิญญาณอันนี้โดยความหมายที่อัฏฐะที่เป็นจริงอยู่ในนั้น แต่ก็รู้กันในภาษาภาษาของคนที่ภาพเพียนเพ่งเนี่ยนะเขาจะเข้าใจเลยว่าเพราะวิญญาณดับด้วยอริยมรรคนามรูปจึงดับนามรูปก็คือแทงตลอดพระนิพพานที่ดับนามรูปเพราะนามรูปดับนะเพราะเจริญอริยมรรคนั่นแหละสลายตนะจึงดับก็คือหมายถึงธทำที่ดับสลายตนะคือนิพพานเพราะสลายตนะดับภาษะจึงดับเพราะภาษาดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ เพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพบจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะสโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาตจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนีิพั้นพุทธพจน์ตรงนี้พูดมรรคผลอย่างเดียวพูดวิปัสนามรรคผลนิพพานการตรัสรู้ข้อปฏิบัติที่สําเร็จด้วยวิปัสนามรรคผลและนิพพานเท่านั้นเอง ดูความพิสูจนทั้งหลายจากสุญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดว่านี้นิโรดนี้คือพระนิพพานนี้คือพระนิพพานนี่แหละคือพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกเป็นธรรมที่สงบทุกแน่นอนเลยนะนี่แหละเป็นธรรมที่ดับอะไรดับโศกะนี่แหละเป็นธรรมที่ดับความโศกพระนิพพานนั้นคือธรรมที่ดับความโศกพระนิพพานคือธรรมที่ดับความครัมครวนพระนิพพานคือธรรมที่ดับทุกพระนิพพานคือธรรมที่ดับ โภมนัตพระธรรมพระนิพพานนี่แหละคือธรรมที่ดับอุปาญาตเป็นธรรมที่ดับความคับแขนพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับชราและมรณะพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับชาติพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับภพพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับอุปาทานพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับตัญหาพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับเวทนาพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับพัสสะพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับสลายตนะพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับ นามรูปพระนิพพานนี่แหละเป็นธรรมที่ดับวิญญาณก็ตัดรู้ น, นี่แหละใช่เลยนะนะจากสุปัญญาวิชาแสงสว่างตรงนี้จะสอดคล้องกับข้อความในธรรมจักเลยใช่ไหมว่าจักสุนะจักสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราวันนี้ทุกนี้ทุกคนกําหนดรู้ทุกเราได้กําหนดรอบรู้เสร็จแล้วนะนะ่ยนะ หรือว่าท้านิโรสัจจค่บอกว่าจักสุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนว่านี้นิโรธนะหรือที่ในวันนี้ทุกขนิโรธทุกขนิโรธเราได้ทาให้เจ้ทำนิโรธทุกขนิโรธควรทําให้แจ้งทุกขนิโรธเราทําให้แจ้งแล้วนะความรู้ความเห็นจักสุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างตัวนี้เป็นชื่อของอริยมรรค เป็นชื่อของโสดาปฏิมาคเป็นต้นที่เกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายที่พระองค์ไม่เคยได้สดับมาแล้วในการก่อนเลยไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่มีใครแนะนำบอกวิธีการให้ตรัสรู้อริยสัจอย่างนี้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะไม่ได้สดับก็ปฏิเสธว่าไม่มีอาจารย์เพราะพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะและสัมมาความเป็นสัมมาสัมพุทธะของพระองค์นั้นตรัสรู้อะไร เธอไม่ใช่สักแต่ว่าพระองค์คิดขึ้นได้เองแล้วก็เออมันดีนะมันลึกซึ้งมันบรลุแล้วบอกอธิบายไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนเนยนะเพราะพระองค์ตรัสรู้สิ่งนี้แล้วพระองค์กลายเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระวิปัสสีผู้เท่เจ้านั้นนะนะธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นเป็นธรรมที่สงบประณีตและก็ลึกซึ้งเป็นธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นจึงได้มีจวบจนปัจจุบันเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เกือบทุกพระองค์มาแล้วตรัสถึงพระวิปัสสีโพธิสัตว์นะตั้งแต่พระพุทธเจ้ากากูสันทักโกนาคมามนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็แสดงถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีว่าพระองค์นั้นตรัสรู้อย่างไรนั้นพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นจึงเป็นธรรมะที่ละเอียดเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งนะนะอันที่สําคัญที่สุดก็คือใส่ใจอริยสัจตามแนวปฏิจจสมุปบาทเพราะถ้าใครเข้าใจปฏิจจก็คือเข้าใจ อริยสัจเข้าใจอริยสัจก็คือเข้าใจปฏิจจสมุปบาทพราะโดยอัตตะความมุ่งหมายแล้วไม่ต่างกันดูความพิสูจทั้งหลายสมัยอื่นอีกสมัยอื่นก็คืออะไรสมัยต่อจากการพิจารณาเหตุเกิดและความดับเรียกว่าพิจารณาปัจจัยมีชาติชาติพบอุปาทานเป็นต้นเนนะี่ะทำเป็นณที่ดับรู้ปัจจัยและทําเป็นที่ดับปัจจัยคืออริยมรรคที่เกิดจากการปฏิบัติ ด้วยอํานาจวิปัสนาเนี่ยนะแทงตลอดพระนิพพานต่อจากนั้นสมัยอื่นก็เรียกว่าถัดนั้นมาหน่อยหนึ่งพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็พิจารณาความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันห้าอันนี้ก็คือตามแนวไหนก็ตามแนวที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเพราะว่าอุปาทานขันห้าเมื่อกระจายไปแล้วอ่าขันห้านั้นเป็นอะไรเป็นชาติชราและมรณะสังขารขันเป็นภพอุปาทานอ่าตัณหาอุปาทานเป็น สังขารเนี่ยนะเป็นสังขารขันเวทนาเป็นเวทนาขันภาษะเป็นสังขารขันสลายตนะเป็นรูปขันและวิญญาณขันนะนามรูปก็เป็นขันห้านะคือเว้นวิญญาณขันวิญญาณก็เป็นวิญญาณขันก็แต่สรู้ว่าทั้งหมดนั้นถ้าจะกล่าวไปแล้วก็คืออุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าก็มีความเกิดขึ้นและความดับไป พระงค์ก็ตรัสรู้เนี่ยนะรู้เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปด้วยมรรควิปัสสนาว่าดังนี้รูปนี้รูปรูปรูปรูปก็คืออะไรรูปประกอบด้วยภูตรูปและอุปาทายรูปทั้งหลายนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเพราะอะไรเกิดรูปจึงเกิดก็เพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิด เพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดนี้เรียกว่าความและนิพัติลักษณะลักษณะที่เกิดแห่งรูปนี้เรียกว่าความเกิดแห่งรูปดังนี้ความดับแห่งรูปเพราะอวิชชาดับรูปจึงดับเพราะตัณหาดับรูปจึงดับเพราะกรรมดับรูปจึงดับเพราะอาหารดับรูปจึงดับและวิปริณามลักษณะลักษณะที่ดับแห่งรูปเนี่ยนะลักษณะที่ไม่เที่ยงแห่งรูปฉะนั้นพระองค์ก็รู้เลยว่านี้รูป คำวมารูปเนี่ยนิยามคำว่ารูปเนี่ยพบที่มีรูปชื่อว่าแสดงหมดแล้ว น, นะพบที่พบที่ประกอบไปด้วยรูปเช่นเอกวการภพบกับปัญจวการภนั้นชื่อว่ากล่าวไว้แล้วก็เป็นพบที่มีรูปเหตุให้เกิดรูปเพราะเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้ถ้าเจริญอริยมรจนแทงตลอดพระนิพพานเป็นที่ดับอวิชชาถ้าอาวิชชาดับเพราะแทงตลอดพระนิพพานรูปก็ดับ ถ้าอริยมรักษ์แทงตลอดพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับตันหาถ้าตันหาดับรูปก็ดับนะถ้าอารยมรักเนี่ยนะตรัสรุพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับกรรมหรือดับสังขารดับกรรมเนี่ยนะรูปก็ดับถ้าสิ้นอาหารปกติธรรมดาทั่วไปรูปถ้าสิ้นอาหารรูปก็ดับและรูปถึงไม่สิ้นอาหารรูปก็มีลักษณะที่แปรไปเป็นธรรมดา ดังที่กล่าวไว้แล้วนะว่าธรรมะเหล่านี้ถ้าหาว่าเราเข้าใจอย่างแท้จริงนี่เราก็คือพระโสดาบันเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราเข้าใจโอลึกซึ้งแจ่มแจ้งเป็นต้นบอกว่าอีกนานเนี่ยนะก็ว่าแพ้อะไรนะแค่เข้าใจอย่างที่ท่านบอกนี่ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของเรามหาศาลแลว้วนะที่ได้คิดตามเพราะว่าที่เราจะเข้าใจอย่างชนิดละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะก็ต่อเมื่อนอนแหละเรียกว่าต้องดูด้วยวิสัยของผู้ใดเนี่ยนะได้ยินได้ได้เห็นได้ฟัง อันนั้ได้นึกคิดตามท่านก็นับว่าเป็นบุญของเราแล้วเนี่ยนะถ้าคิดได้อย่างนี้ถ้าใส่ใจได้อย่างนี้ก็ไม่หนักใจเนี่ยนะก็มาเรียนอย่างนี้บอกว่ารู้เห็นรู้ทําได้ไม่ได้ทําเป็นไม่เป็นไม่สําคัญสําคัญว่าเราเข้าใจไหมว่าท่านอยากบอกอะไรเราอันนั้ต้องการสื่อสารแค่ตรงนี้แค่นั้นนะเขาบอกว่าถ้าเข้าใจแล้วบอกว่าหน้าที่การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราเองเนี่ยนะหน้าแค่เราว่าคิดแบบใครนะหน้าที่บอกเป็นของท่านหน้าที่ปฏิบัติเป็นของผมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นขอให้ท่านบอกให้ผมผมเข้าใจอย่างที่ท่านบอกและที่เหลือผมจะไปทำผมเองงั้นการปฏิบัติทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างนั้นการศึกษาพระธรรมทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างนั้นใส่ใจได้อย่างนั้นถ้าใส่ใจได้ตามนี้แต่สรู้ได้ ก, ก, ก็ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรแต่ทีนี้ถ้าเราอยากคิดว่าเราเข้าใจได้ น, นะเข้าใจโดยสุตามายญาญระดับหนึ่งก็แล้วค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนเป็นสีลมายญาญสมาธิภาวนามายญาญปัญาปเรฆายา น, ยายานเพิ่มพูน ปัญญาความตรัสรู้เหล่านี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเพิ่มพูนความปัญญาตรัสรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นแหละการปฏิบัติเพื่อทำที่สุดแห่งทุกจรจะมีได้อย่าลืมว่ากองทุกไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปลืองกันง่ายๆนีนะทุกในวัตฏะเนี่ยเปลืองยากมากนะนะเค่เพราะว่าทุกในปัจจุบันในชาตินี้ก็ยังแก้ไม่ใช่แก้ง่ายๆเลยนะเรียกว่าแก้ปัญหาเนี่ยแก้ทุกไปวันๆหนึ่งดับปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องก็ไม่จะไาจะแก้ง่ายและปัญหาที่ดับวัตฏะทุกขเนี่ยนะ ก็ต้องอาศัยปัญญาที่กล้ามากปัญญาที่แหลมคมมากแต่ว่าปัญญาก็ต้องมีองค์ประกอบคืออริยมรรคที่เหลือเจข้อนี่แหละเป็นองค์ประกอบของมรรคัร ญ, ญานั่นแหละจึงจะสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้นี่ต่อไปว่าดังนี้เวทนาเนี่ยนะดังนี้เวทนาถ้าพูดถึงรูปปั๊บเนี่ยนะเวทนานี่ชื่อว่าเป็นผลผลิตของรูปเนี่ยนะ ปกติแล้วเวทนานี้เป็นผลผลิตของรูปถ้ารูปอย่างดีก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนารูปชั้นเลวรูปอย่างเลวก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนารูปปานกลางทั่วไปก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาเวทนาเกิดเพราะอะไรเกิดเวทนาเกิดหรือว่าสมุทัยเหตุที่ทาให้เกิดเวทนาก็เพราะอวิชชาเกิดนั่นแหละเวทนาจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดเวทนาจึงเกิดเพราะตํเกิด ปัญหาจึงเกิดเพราะภาษะเกิดเวทนาจึงเกิดและนิพพติลักษณะแห่งเวทนานะนะพระองค์ก็ใส่ใจวิปัสนาเกิดขึ้นพิจารณาไครควรวันนี้เหตุเกิดแห่งเวทนาดังนี้ความดับแห่งเวทนานะดังนี้ความดับหรือว่าความดับนั้นก็เพราะเพราะอะไรดับเพราะอาวิชชาดับอวิชชาจะดับเพราะอัรหัตตมรักและอัรหัตตมรักที่แทงตร์พระนิพพานนั่นแหละ เมื่อแทงตลอดพระนิพพานนั่นะอวิชชาดับนั่นะเวทนาจึงดับนะตัณหาดับเวทนาจึงดับกรํมดับเวทนาจึงดับภาษาดับนี่นะตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับภาษานั่นแหะเวทนาจึงกระดับแล้วก็เวทนาเองก็มีวิปริณามลรักณะเนี่นะดังนี้สัญญานี่ยนะดังนี้สัญญาก็รูปประสัญญาสัทธาสัญญาคันธสัญญาระสสัญญาโพธภาัญญา และธรรมสัญญาเนี่ยนะสัญญาเหล่านี้ทั้งหประการเนี่ยเกิดเพราะอ่านะนี้เหตุเกิดแห่งสัญญาบอกอวิชชาเกิดสัญญาจึงเกิดตันหาเกิดสัญญาจึงเกิดกรรมเกิดสัญญาจึงเกิดภาษะเกิดสัญญาเกิดแล้วก็นิพพติลักษณะแห่งสัญญาบอกว่าสัญญาจะดับเนี่ยนะตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับสัญญาก็เพราะอวิชชาดับสัญญาจึงดับเพราะตรัสรู้พระนิพพานเป็นธรรมที่ดับสัญญานั่นแหละ สัญญาจึงจะดับนั่นนะอันอวิชชาดับนั่นแหละสัญญาจึงจะดับปัญหาดับสัญญาจึงดับสังขารดับหรือกรรมดับนั่นแหละสัญญาจึงจะดับเพราะภาษะดับสัญญาจึงดับแล้วก็วิปริณามลักษณะของสัญญาดังนี้สังขารสังขารโดยทั่วไปก็ยกเจตนารูปประสันเจตนาเป็นต้นเจตนาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิภัณฑ์ในธรรมอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะเจตนาหรือภาษะเนี่ยนะเพราะว่า สังขารที่เกิดตามทวารต่างๆเหตุให้เกิดสังขารก็เพราะว่าเหตุให้เกิดก็มีห้าอย่างเพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดแต่สังขารจึงเกิดเพราะกรรมเกิดสังขารจึงเกิดเพราะนามรูปเพราะภาษะเกิดสังขารจึงเกิดแล้วก็นิพพติลักษณะของสังขารนะลักษณะที่เกิดขึ้นแห่งสังขารดังนี้ความดับแห่งสังขาร ก็คือถ้าอวิชชาดับเพราะอนุภาพแห่งอริยมรรตสุรุณิพานเนี่ยนะอวิชชาดับนั่นแหละสังขารจึงดับเพราะวิญญาณดับสังขารเพราะตัณหาดับสังขารจึงดับเพราะกรรมดับสังขารจึงดับเพราะนาภาษาดับสังขารจึงดับและวิปริณัมลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแห่งสังขารดังนี้วิญญาณนะดังนี้วิญญาณอะนะ วิญญาณวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดเพราะอวิชชาเกิดวิญญาณจึงเกิดวิญญาณในทวารหกนะจากคูโซตะคานะชิวหาแล้วก็มโนวิญญาณมโนวิญญาณแบ่งเป็นปฏิสนธิวิญญาณผวังว pues, ิญญาณชวนะวิญญาณแล้วก็จุติวิญญาณเป็นต้นวิญญาณเหล่านี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะอวิชชาเกิดวิญญาณจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดวิญญาณจึงเกิดเพราะกรรมเกิดวิญญาณจึงเกิดเพราะ นามรูปเกิดวิญญาณจึงเกิดและก็นิพพัติลักษณะลักษณะที่เกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี่ถ้าจะดับวิญญาณเหล่านี้เนี่ยนะถ้าตรัสรู้อะไรเป็นธรรมที่ดับวิญญาณก็อริยมรรคที่แทงตลอดพระนิพพานเพิกถอนอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือพันอวิชชาดับนั่นแหละวิญญาณจึงดับตันหาดับวิญญาณจึงดับตันหาดับวิญญาณจึงดับกรรมดับวิญญาณจึงดับนามรูปดับ วิญญาณจึงดับเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นเหตุความเกิดก็คือเหตุที่ทําให้เกิดแล้วก็พิจารณาพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับไปแห่งอุปาทานขันห้าใส่ใจอยู่อย่างนี้ไม่นานนักอรหตผลแจิตที่เกิดขึ้นหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นนะเจริญอยู่อย่างนี้พร้อมกับอรุณขึ้นเนี่ยนะพร้อมกับแสงแห่งอรุณขึ้นก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นนะ ตัวนักตักฐาก็อธิบายตามแนวไปแล้วบอกว่าในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบทว่าเมื่อพระโพธิสัตว์นั้นพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมน่นนะในอุปาทานขันห้าอยู่ความว่าเมื่อพระวิปษษัสสีโพธิสัตว์นั้นพิจารณาความเกิดโดยอาการยี่สิบห้าความเสื่อมด้วยอาการยี่สิบห้าสรุปด้วยลักษณะห้าสิบท่วนดังกล่าวมานี้ในอุปาทานขันห้าเป็นต้นอยู่เนี่ย น, นะอุปาทานขันห้ามีรูปเป็นต้นเหล่านี้อยู่ วิปัสนาญาณก็เจริญขึ้นนนะวิปัสนาก็คืออะไรปฏิปทาญานลัศษณะวิสุท ธ, ธิก็เจริญขึ้นตามลำดับเสร็จแล้วจิตก็ไม่ยึดมั่นในความเกิดนะพ้นจากกิเลสกล่าวคืออาสวะดับสนิทด้วยอนุป ะ, ะนิโรธก็คืออนุปาถะหมายถึงแทงตลอดพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับอาสวะโดยสนิทจิตนั้นชื่อว่าย่อมพ้นในขณะมรรคพ้นแลแลในขณะผลคือรหัตผล แปลว่าจะพ้นในขณะมักพ้นแล้วในขณะผลก็คืออรหัตผลนั่นเองพ้นจากเครื่องผูกมัดทั้งปวงจิตของพระองค์เนี่ยเบิกบานดุจ ด, ดอกประทุมต้องแสงอาทิตย์ฉะนั้น น, นะพระองค์มีความดำริบริบูรณ์ดำริบริบูรณ์เนี่ยแปลว่าความปรารถนาของพระองค์เนี่ยสมความปรารถนาที่ตั้งไว้สักทีหนึ่งเป็นผู้ที่มีความดำริมีความปรารถนาที่เต็มเปี่ยมแล่ บริบูรณ์บอกว่าความดําริที่บริบูรณนั้นต้องดําริที่จะเป็นพระพุทธเจ้าและปฏิบัติจนสําเร็จเรียกว่าเป็นบริบูรณเพราะบางคนเนี่บบริบูรณ์แค่แค่อะไรแค่ได้ฟังธรรมก็บอกพอแล้วเนี่นะอันนี้ก็ไม่เรียกว่าบริบูรณ์อะไรบางคนบอกว่ารักษาศีลได้บริบูรณแล้วบอกไม่ใช่นะบางคนบอกเจริญสมถะได้ก็บอกบริบูรณแล้วบางคนบริบูรณ์แค่วิปัสนาบางคนบริบูรณ์แค่โสดาปฏิมัคสกธาคามีมัคอนาคามีมัคและ อรหัตตมรรคก็ยังไม่เรียกว่าบริบูรณ์จริงหรือบริบูรณ์ระดับพระปเจกพระพุทธเจ้าก็ยังไม่บริบูรณ์จริงต่อเมื่อบริบูรณ์ระดับเป็นพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าบริบูรณ์สมบูรณ์แท้จริงประทับนั่งณนะโพธิบั ล, ลังกระธรรมมขยานสี่พลยานสี่ปฏิสัมพิทายานสี่ยานที่กำหนดรู้กำเนิดสี่เนี่ยนะมขยานก็โสดาปติมัสะกะทาคามิมักอนาคามิมัก ทั้งสี่ก็บริบูรณ์ผลยานก็คือโสดาปฏิพันธสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลของพระองค์ก็บริบูรณ์ปฏิสัมพิทายานยานที่จำแนกประเภทแห่งอัตธรรมนิรุตติปฏิพานก็เต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ยานที่กำหนดกำเนิดสี่กำหนดว่านี้สัตว์ในคันในไข่ในเท่าคลายและอุป ป, ปาติกะพร้อมทั้งกรรมที่ทําให้เกิดในกำเนิดสี่กรรมที่นําให้เกิดเกิดในคันเกิดในไข่เกิดใน ถ้าใครเกิดเป็นโอปปาติกะโดยประการทั้งปวงก็แทงตลอดแล้วก็แทงตลอดยานที่กําหนดคติห้าเนี่ยนะยานที่แทงตลอดคติห้าก็คติห้าคติที่เกิดในนรกคติเดรฉานคติในปิติวิสัยคติมนุษย์และก็คติเทวดาพั้นพระองค์ก็ตรัสรู้ยานที่ทําให้เกิดในคติทั้งห้าและข้อปฏิบัติเพื่อไปสู่คติห้า องก็ได้อาศาธารณญาณหกก็คือยมกะปาฏิหาริยญาณมหาการุณาสมาบัติญาณอาศยานุสยาญาณอินริยปโปรปริยัติญาณสัพพัญยุตยานและอนาวารณญาณเนี่ยนะอาศาธารณญาณญาณเป็นที่แทงตลอดของพระพุทธเจ้าเป็นญาณที่ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลายและในที่สุดพระพุทธคุณทั้งมวลก็ตกอยู่ในเงื้อมพระหัดของ พระองค์เนี่ยนะตกอยู่ในเงื้อพระหัสก็คือได้ที่เรียกว่าพุทธาภิเศษอันเนี้ยตรงเนี้ยเป็นพุทธาภิเศษอภิเศกด้วยการตรัสรู้อริยสัจตรัอภิเศกดยการแทงตลอดอริยสัจนั่นเองเพราะพระองค์กระทาไว้ในใจอย่างนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเปล่งพระพุทธอุทานได้อย่างเต็มเปี่ยมครบถ้วนสมบูรณ์เสร็จแล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานว่า อเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิภิสังขหาการังคเวสันโตทุกขาชาติปุณณปุนังขหาการกะทิทโศสิปุณะเคหังนกาหสิสัพพาเตพาสุกาภักคากหะกูตังวิสังขตังวิสังคารขตังจิตตังตันหานังขยมัจฉาติเนี่ยนะบอกว่าเราเนี่ยเล่นไปในสงสารหลายชาติเล่นไปตามขันอายตนะธาตุทั้งหลาย เกิดครั้งแล้วครั้งเล่าชาติแล้วชาติเล่ า, า, ลาสแสวงหาตันหานายช่างผู้สร้างเรือนแสวงหาด้วยอริยมรรคเนี่ยนะเมื่อไม่พบอริยมรรคขยานไม่พบทำเป็นที่ดับตันหา น, นะก็ตันหาที่พาสร้างเรือนสร้างชาติเนี่ยนะบ้านเรือนเหมือนกับชาติก็สร้างขึ้นการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์เนี่ยนะการเกิดบ่อยๆก็ทุกข์แท้เพราะเกิดกี่หนก็ทุกข์เท่านั้นทีเนี่ยนะ ก็เหมือนอย่างว่าเมื่อเมื่อฝีเกิดขึ้นกี่ครั้งฝีเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ทุกเท่านั้นทีฉันใดการเกิดในภพใหม่เกิดกี่ครั้งเกิดกี่หนก็ทุกเพราะมีทุกอะไรบ้างทุกข์ของผู้ที่เกิดมาแล้วต้องรับก็คือชรามระโสกัปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตทุกข์เป็นอเนกประการที่มีอยู่ในโลกทุกแพ้ความทุกข์ทั้งมวลความบ่นเพอที่คนบ่นว่าทุกทุกทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดก็เกิดจาก การเกิดเป็นมูลถ้าไม่เกิดความทุกข์ทั้งมวลเหล่านั้นจะมีหรือดูก่อนนายช่างผู้ทำเรือนคือตัญหาบัตรนี้เราพบท่านแล้วนะพบด้วยอนานาจอริยมรรคยานบัตรนี้เราพบท่านแล้วท่านจะไม่สามารถทำเรือนให้เราอีกมันท่านจะสร้างชาติชรามรณะเป็นต้นให้เราอีกไม่ได้แล้วซี่โครงเรือนคือกรรมเนี่ยนะของท่านเราก็หักหมดแล้ว สี่โครงคือกรรมเนี่ยเราก็หักด้วยอรหัตตมรรคแล้วอรหัตตมรรคเนี่ยแปลว่าหากักสี่กรรมแห่งสังสารวัฏเราหักซี่กรรมแห่งสังสารวัฏของท่านหมดแล้วเราหรือยอดเรือนที่ปกคลุมโลกคืออวิชชาได้แล้วด้วยอรหัตตมรรคปัญญาเนี่ยนะเราก็หรือยอดเอ่อหรือเรือนยอดคืออวิชชาได้แล้วจิตของเราไม่ได้ปรุงแต่งแล้วคือจิตของเราเนี่ยได้สัมผัสกับพระนิพพาน เป็นธรรมที่ดับธรรมที่ปรุงแต่งแล้ววิสังขารคตังจิตตังเนี่ยนะวิสังขารตัวนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานจิตของเราได้เข้าถึงพระนิพพานแทงตลอดพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเพราะเราได้บรรลุตันห้านังขยมัจฉาได้บรรลุอรหัตตผลเป็นธรรมที่สิ้นตัณหาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีคติทั้งห้า เพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่มีคติคืนนรกเปรตอสุรกายมนุษย์เดเทวดาเป็นต้นไม่มีคติเหล่าใดเพื่อประกาศให้แก่ผู้ที่พ้นแล้วโดยชอบเพราะฉะนั้นถัดจากนั้นไปจะบอกว่าท่านเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นต้นไม่ได้แล้วเพราะท่านหลุดพ้นโดยชอบหลุดพ้นเพราะกําหนดรอบรู้ในกองพกุกหลุดพ้นเพราะละสมุ ท, ทยัยหลุดพ้นพระธรรมนิโรธให้แจ้งหลุดพ้นเพราะ อันนะเจริญอริยมรรคจนบริบูรณ์เป็นผู้ข้ามโอคะสี่อันผูกมัดด้วยกามบรรลุถึงความสุขอันไม่วันไหวเนี่ยนะข้ามกามโมคะด้วยอ น, นาคามีมรรคข้ามทิโพโะด้วยโสดาปฏิมรรคข้ามพโวคะและอวิชคะด้วยอรหัตมรรคอันนะโอคะทั้งสี่ที่ผูกมัดไว้ในสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งหลายมีรูปเป็นต้นได้บรรลุถึงความสุข สุขในพระนิพพานที่ไม่หวั่นไหวเป็นสุขที่ไม่หวั่นไหวเพราะชาติชราและมรณะเป็นสุขที่ไม่หวั่นไหวในสโดยสังคต ธ, ธรรมเป็นสุขที่ใครใครไม่รู้เนี่ยนะเป็นบุคคลที่ไม่ใช่วินยูชนไม่รู้ผันใครใครจึงไม่รู้คติของท่านผู้ทำลายเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนว่าท่อนเหล็กที่ไฟรุ่งเรืองเนี่ยนะมันดับไปอย่างไรไม่มีใครรู้ที่ดับฉันใด ผ้าอาหารทั้งหลายเมื่อดับขันธปริในพานก็ไม่มีผู้ใดรู้ที่ไปของท่านฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านรุ่งเรืองดุจอาทิตย์ในสาราะสาระการดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่รุ่งเรืองตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เนี่ยนะตรัสรู้เป็นอ่นะก็พุทธคุณทั้งปวงก็จะเข้ามาเนี่ยนะ คือหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เช่นนี้ไปแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็จะมีคุณธรรมที่เราเรียกกันว่าบัตรนั้นมาตั้งแต่แทงตลอดก็เฉลิมกิติศัพท์ของพระองค์ก็ขจรว่าพระองค์นั้นเป็นพระอรหรันเนี่ยนะพระองค์ก็มีกิติศัพท์ขจรว่าพระอรหันไกลาจากกิเลสกําจัดข่าสึกคือกิเลหสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรควรรับปัจจัยสี่ไม่มีความลับในการกระทําบาปห่างไกลาจากคนเลวทั้งหลายอยู่ใกล้กับคนดี คนดีทั้งหลายก็ไม่ทอดทิ้งพระองค์พระองค์ไม่มีความลับในการกระทําบาปเป็นผู้ที่ควรยกย่องสรรเสริญโดยพระโดยพระคุณต่างๆโดยประการทั้งปวงเนยนะอันพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้โดยลําพังโดยถูกต้องโดยพระองค์เองและพระองค์สามารถประกาศแต่งตั้งเปิดเผยบอกสอนทําให้ง่ายทําให้เขาเข้าใจทําให้สัตว์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาสามวิชา8ดสมบูรณ์ด้วยจรณะข้อปฏิบัติทั้ง15าจรณะ15ที่นำให้แทงตลอดพระนิพพานพระองค์ก็เป็นผู้ที่ไปดีแล้วเพราะพระองค์ไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเนี่ยนะไปสู่อสังขตะธรรมไปเพื่อประสรู้พระนิพพานไปตามไปแล้วไม่ย้อนกลับมาหาบาปอากุโลธรรมที่ละอีกต่อไปพระองค์ก็ไปโดย ตามมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดไม่ไปตาม อ, อัตตากิริมัทานุโยคไม่ไปตามอำนาจแห่งการมสัสนุกขลิกานุโยคไม่เป็นไปตามสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเพราะพระองค์ไปไปตามอริยมรรคขปัญญาเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจขณะเดียวกันพระองค์ไปไหนก็ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเพื่อกูลเพื่อประโยชน์แก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองอันพระองค์ก็ได้ กิติศัพท์อันงามพระพุทธคุณทั้งหลายของพระองค์ก็เจริญขึ้นบริบูรณ์ขึ้นชื่อเสียงของพระองค์ก็ขจรขาจายไปนนะในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายว่าพระองค์เป็นผู้ที่รู้แจ้งโลกเนีพระองค์ผู้รู้แจ้งโลกสังขารโลกสัตวะโลกและโอกาสโลก น, นะนะพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดมีคุณธรรมยิ่งไปกว่าเป็นที่เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบอกกล่าวแต่งตั้งประกาศเปิดเผย ช่วยแนะนำสัพพะสัตทั้งหลายให้ตรัสรู้ตามพระองค์ก็นับว่าเป็นบุคคลที่นนะสา ม, มารถที่จะพาสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามจากโอคะกันดารพาสัตทั้งหลายให้ข้ามจากชาติชราและมรณะเป็นผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ตรัสรู้สัจธรรมโดยถูกต้องโดยลําพังโดยพระองค์เองเนี่ยนะเป็นผู้จําแนกแจกแกงพระพุทธศาสนาก็ได้เกิดขึ้นในโลกเพราะพระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลก อย่างที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเรียกว่าเกิดโดยธรรมกายเกิดโดยคุณธรรมเหล่านี้ได้เกิดขึ้นตอนที่พระองค์ประสูติเนี่ยนะที่ประสูติเช่นพระพุทธเจ้าของเราประสูติที่ลุมพินีวนันก็เรียกว่าเกิดขึ้นโดยรูปประกาเองนะถ้าหากว่าตอนที่พระองค์อุบัติเกิดขึ้นที่ต้นโพธิ์รัตรสรุปเกิดขึ้นโดยคุณธรรมอนะคุณธรรมในความเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้อุบัติเกิดขึ้นเนี่ยนะ พันก็เมื่อได้อุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขเนี่ยนะปกติพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องอยู่ที่บริเวณโพธิบาลังเจ็ดสัปดาหอย่างเช่นพระวิปัสสีพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าของเราก็ตามเนี่ยนะสัปดาห์เรกโพธิบาลังกลาก็คือประทับอยู่ที่โพธิบาลังสถานที่ที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะประทับนั่งณนะโพธิบาลังแท่นวัชระอาจแท่นที่แข็งแกร่งประดุษเพชร พระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขนะวันที่แปดพระองค์ก็คืนที่ที่เจ็ดนะคืนของวันที่เจพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมุบาททั้งตลอดปฐมยามมัชชิมยามและปชิมยามปฐมมยามพิจารณาโดยอนุโลมมัชชิมยามพิจารณาโดยปฏิโลมปัชิมยามก็ทั้งอนุโลมและปฏิโลมก็เปล่งพุทธอุทานถัดจากนั้นพระองค์ก็ประทับยืนเพ่งดูโพที่บัลลังไม่ใช่ดูต้นไม้นะดูปรารพถึงสถานที่ ทบทวนว่าพระองค์ได้มาตรัสรู้อย่างนี้ได้อย่างไรอันนะก็พิจารณาเพ่งดูตรงที่พระองค์ยืนและวเพ่งดูโพที่บัลลังเรียกว่าอนิมิตสเจดีหลังจากนั้นพระองค์ก็จงกรมเรียกว่าเดินจงกรมถัดระหว่างระหว่างต้นโพ ก, กับอนิมิตสเจดีกลับไปกลับมาอีกเจ็วันเนี่ยนะเพื่อรำลึกถึงคุณของสถานที่ที่เป็นเหตุให้ได้ตรัสรู้หลังจากนั้นก็ประทับณเรือนแก้วเลือกเฟ้นพิจารณา พ้าอภิธรรมเนี่ยอีกเจ็ดอีกเจวันเนี่ยตลอดสัปดาห์ถจากนั้นพระองค์ก็ไปประทับที่โคนต้นต้นไซเนี่ยนะต้นคน้วยที่พวกคนเลี้ยงแพะพัพกอยู่อีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ไปประทับที่ต้นมุสจลินอีก7สัปดาห์ไอ้อีกหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ราชาญตนาอีกตลอดสัปดาห์ลูกจากนั้นสัปดาห์ที่แปดก็กลับมาประทับนั่งที่อชะละปาลนิโครธคือต้นไซเนี่ยนะต้นไซที่ประทับนั่งเมื่อสัปดาห์ที่ห้าอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นมาพระองค์ก็จะมีปริวิตรตกหมดเวลานั้นนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนีนะดูกวามพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้ทรงพระดําเริว่าชะไหนเนาเราพึงแสดงธรรมก็คือพึงแสดงพึงประกาศอริยสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้ว ดูกวาพิสูทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้ทรงพระดำริว่าธรรมะคือพระนิพพานที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้ ง, งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีจะคาดคะเนหรือกะกะเอาไม่ได้ละเอียดแต่ก็รู้ได้เฉพาะในหมู่บัณฑิตคือเป็นธรรมที่ไม่ใช่ ถ้าจะกล่าวไปแล้วไม่ใช่ของสาธารณะกับหมูสัตว์ที่ทั่วๆไปที่ขาดปัญญาแต่เป็นธรรมะที่รู้ได้เฉพาะในเวศวงของบัณฑิตทั้งหลายส่วนหมูสัตว์นอกนี้นะก็คือหมูสัตว์ที่อื่นจากบัณฑิตเนี่ยนะมีอาไลเป็นที่มายินดีก็คือคาว่าอาไยนั้นเป็นชื่อของกรมคุณทั้งหลายเนะี่ยติดในกรมคุณเรียกว่าอาไล ด้วยอำนาจแห่งตันหาเรียกว่าเพลิดเพลินยินดีในกามค oh like ุณด้วยอำนาจตันหายินดีแล้วในอะไรเบิกบานแล้วในอะไรยินดีอย่างยิ่งแล้วก็ไม่ใช่ยินดีธรรมดานะเบิกบานมีความสุขมากนะมีความสุขที่ได้เห็นมีความสุขที่ได้ยินมีความสุขที่ท่องเที่ยวมีความสุขในทุกทวารเหมือนกันเถอะมีแต่ความเอิบอิ่มใจมีแต่ความฝักไฟมีแต่ความไฟฝัน ที่จะรับสัมผัสในทวารทั้งหกปราถนาแต่จะเห็นยิ่งยิ่งขึ้นไปปราถนามีแต่จะฟังยิ่งยิ่งขึ้นไปในเรื่องของกามมกุลทั้งหลายเพราะฉะนั้นหมู่สัตว์เหล่านี้จึงเป็นผู้ที่มีอาลัยเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอาลัยเบิกบานแล้วอะไรมันคนที่มีใจให้แก่กามทั้งหลายหมดแล้วแปลว่ายกใจให้รูปให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้โพธพภะทั้งหลายเนี่ยหมดตัวแล้วว่างั้น ยากที่จะได้เห็นฐานนะคือปฏิจจสมุปบาทการที่จะรู้สัจจะโดยอนุโลมเนี่ยนะยากที่จะรู้ทุกขสัจที่จะรู้สมุทยัทยสัจเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยที่จะรู้ว่าชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีภพเป็นปัจจัยภพมีอุปาทานเป็นปัจจัยนี่ยากมากที่ยากนี่ก็เพราะอะไรเพราะใจเขาคิดแต่เรื่องอื่นปฏิจจสมุปบาทประกาศตามความเป็นจริงว่าโกงทุกแต่เขากลับเห็นว่าเป็น ความสุขโสมนัสเนี่ยนะที่ตั้งแห่งสุกและโสมนัสพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกขาและโทมนัสก็คือกล่าวกันคนละอย่าง น, นะนะกล่าวกันคนละเรื่องมีความเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอีกคนหนึ่งชี้ขึ้นอีกคนหนึ่งชี้ลงเนี่ยนะอีกคนหนึ่งส่องให้เห็นสว่สญญางอีกคนหนึ่งสันเสริญแต่ความมืดนะอีกคนหนึ่งสรนเริญสติสัมปชัญญะอีกคนหนึ่งสันเซินความมัวเมาอย่างสมัยนี้ใช่ไหมสันเสริญความมัวเมาและความ ลุ่มหลงทั้งหลายนั่นก็เป็นยุคที่สรรเสริญอวิชชานะก็สังสันเสริญตันหาสรรเสริญโทสะสรนเสริญอวิชชาเป็นจิกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดราคะาโทสะและโมหะทั้งหลายอาการที่จะเข้าใจสภาพตามความเป็นจริงเนี่ยจึงเป็นของยากยากที่จะได้เห็นซึ่งฐานะแม้นี้คือพระนิพพานยากนะที่จะได้รู้จากพระนิพพานพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่สงบประงับแห่งสังขารทั้งปวง นะเป็นเป็นธรรมที่สงบประงับสังขารเป็นธรรมที่สลัดออกจากอุปธิทั้งปวงที่สลัดออกจากขันขันทูปฏิกีเลสูปฏิเนี่ยนะพระนิพพานเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งตันหาพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่คลายกำหนดพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกก็คือนิโรสัจจะเนี่ยนะยากที่เขาจะได้เห็นแปลว่าไอ้คาว่าเห็นเนี่ยเป็นชื่อของอริยมรรค เขาเนี <K a un yi> ่ยมีทุลีคือกลเลทเนี่ยนะในดวงตาเนี่ยมากมันเมื่อทุลีฝุ่นละองนะะองเนี่ยนะเหมือนกับว่าฝุ่นละอองเนี่ยเต็มเบ้าตาไปหมดมันเป็นฝุ่นที่มียาพิษอ่ะนะเรียกว่าเอามาเปาะตาเอาไว้ way. ก็ยากที่จะเห็นความจริงเขาโมแต่คันในตาว่างั้นนี่ยโมแต่คันตาโมแต่ตาพรา่าโมแต่ตาเสียโมแต่ตาเรียก ว, ว่าโมแต่ทุกโมแต่ร้อนก็ยากแท้ที่จะได้เห็นจากความจริง ยากแท้ที่จะได้เห็นปฏิจจสมุปบาททุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์ยากแท้ที่จะได้เห็นนิโรธสัจจนี่เมื่อใจของเขาก็เป็นอื่นปล่อยให้ราคะโทสะโมหะหมดเลยแล้วก็ใจที่ถูกธุลีคือกิเลสมีราคะโทสะเป็นโมหะเป็นต้นเนี่ยนะหมกมุ่นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนี่ถ้าหากว่าเราแสดงอริยสัจธรรมเป็นธรรมที่ตรงกันข้ามทั้งหมดของเขา ถ้าหากว่าสัตว์เหล่าอื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงเขารู้ตามเราไม่ได้นั้นพึงเป็นความลําบากแก่เราเหนื่อยฟรีแนใ่งานนี้อย่างนั้นนะะก็คือมันได้อะไรบ้างนะถ้าคิดบอกเออเขาจะได้ถวายบิณฑบาตเอาไม่ใช่ว่าเดือดร้อนเรื่องนั้นจะได้มีที่อยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอีกมันจะเห็นแก่อะไรเนี่มันนี่อุตสาห์เรื่ออะไรนะมันยากก็่ยากลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งเขาก็มีใจใเป็นอื่นด้วยไปพูดในสิ่งที่เขาไม่สนใจแล้วให้เขาฟังถ้าเขาไม่รู้มันนี่เหนื่อยฟรีหรอเนี่ย ระยะเป็นการเหนื่อยความลำบากแก่เรานั่นจะเป็นเป็นความเดือดร้อนแก่เราเนี่ยนะดูก่อนพี่สุทั้งหลายได้ยินว่าคาถาทั้งหลายที่อัศจรรย์น้อยซึ่งพระองค์ไม่เคยได้สดับมาแล้วแต่ก่อนได้แจมแจ้งนะหมายว่าเกิดไอเดียขึ้นมาไอเดียหนึ่งนะเกิดความคิดขึ้นมาหนึ่งความคิดที่พระองค์คิดขึ้นว่าบัดนี้ไม่ควรเลยที่เราจะประกาศอริยสัจธรรมที่เราได้บรรลุแล้วโดยแสนจะยากวนะ่ากั้น แสนจะยากคําว่าแสนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยนะเกินกว่าหมื่นก็นแล้วกันอะ่ะจนเป็นแสนอ่ะนะคําว่าแสนหมายความว่าโหเป็นแสนเป็นอสงไขยเป็นแสนกับนั่นแหละจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบําเพ็ญบารมีทุกอย่างทานที่ไม่เคยให้ศีลที่ไม่เคยรักษาภาวนาที่ไม่เคยเจริญเพื่อที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยที่ไม่ได้ทํามาไม่มีเลยแต่ธรรมะอันนี้คือพระนิพพานนี้เนี่ยนะ ปกติสัตว์ที่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำแล้วไม่ใช่จะตรัสรู้อริยสัจธรรมนี้ได้โดยง่ายเลยไม่ตรัสรู้ทุก์โดยการกำหนดรอบรู้ได้โดยง่ายเลยไม่ตรัสรู้สมุทัยโดยการละโดยง่ายเลยไม่ตรัสรู้นิโรธโดยการทำให้แจ้งโดยง่ายเลยก็แปลว่ายากนั่นแหละนะไม่ง่ายก็แปลว่ามันยากว่างั้นนะยากที่จะกำหนดรู้ทุกว่างั้นยากที่จะละสมุทัยยากที่จะทำนิโรธให้แจ้งยากที่จะเจริญ อารยมรักนะชวนการรักษาศีลเอาไหมฮะชวนเพื่อนมารักษาศีลก็ชวนเพื่อนจัดงานเลี้ยงให้เอาไหมอันไหนง่ายกันอุย้ยต่างกันเยอะเนี่ยนะห่างกันฟ้ากับ h e วอย่าง น, นั้นมันก็ยากอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะเขาถูกราคาลุ่มรุมเขาถูกโทสะครอบงํอาอวิชชาทําให้เขาไม่ตรัสรู้มันหมูสัตว์เนี่ยถูกราคาย้อมเอาไว้แล้วถ้าเป็นโรคนะพูดแบบภาษาโรคก็บอกว่าเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยแหมมันเข้าเส้นเลือดทุกเส้นเลยอ่างนั้นแต่ มันเข้าทุกเส้นเลือดทุกอ น, นูของร่างกายเบ็ดเสร็จมันเรียกว่าย้อมอ่ะนะเคเห็นย้อมผ้าไหมย้อมผ้ากับเคลือบมันคนละอย่างคําว่าย้อมแปลว่ามันซึมซับไปทุกเส้นได้ฉันใดก็ดีราคามันย้อมไปทุกแห่งอ่ะนะย้อมไปในเส้นผมเนี่ยเส้นผมที่ตัดตั ด, ตดทิ้งเนี่ยถ้าใครมานั่งรูปผมเราเล่นเนี่ยนะอย่าคิดว่าว่าเราจะชอบใช่ไหมโดยที่สุดแม้แต่เส้นผมที่มันโงอกอกอกนอกตัวนะชายผ้าของเราหรือใครเดินมาเหยียบรองเท้าเราเดีย่ย ก็บก็โดยที่สุดแม้แต่เดินเหยียบรองเท้ายัางเดือดร้อนเลยแบบนั้นมันกิเลสเนี่ยมันย้อมไปทุกผลทุกแห่งไปหมดเนี่ยนะถูกกองแห่งอวิชชาคือความเมื่อยหุ้มหอ่อห่อไว้ให้ไม่รู้เออแบบมาจากไหนไม่รู้อีกนะว่าจะไปไหนไปทําไมอยู่ทําไมอะไรทําไมไม่รู้เลยนะรู้ว่าตัวเองจะเจริญกําลังเจริญกําลังเสื่อมอะนะจะบรรลุได้เมื่ อ, อไหร่บรรลุอะไรยังไงไม่รู้เลยมันหอ่อห่อสนิทเลยไปเห็นตัวใหม่ไหมไก่ค้าแบบ น, นั้นนะ ตัวนอนตัวดักแด้ที่มันอยู่ในหลอดไม้นะในในหลอดไม้หรือตัวผีเสื้อที่มันอยู่ในหลอดทั้งหลายเนี่ยก็อย่างนั้นแหละมันห่อหุ้มไว้ไม่รู้จะโผล่ออกมาตรงไหนก็ไม่ยากมันยากแท้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาจับเห็นไม่ได้ซึ่งธรรมะที่มีปกติทวนกระแสเนี่ยนะก็ทวนกระแสตามกระแสก็คืออะไรเพลิดเพลินปล่อยใจให้เพลิดเพลินในรูปปล่อยใจให้เพลิดเพลินในเสียงในกลิน่นในรสใน สัมผัสทั้งหลายปกติเข้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นยากที่จะทวนว่ารูปทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นต้นเนยนะในการที่จะมารู้สิ่งที่ทวนกระแส ต, ตันหาของเขาเนี่ยมันยากนะกระแสเขาเรว่าสิ่งที่บรรเทายากก็คือตันหาเช่นเขาบอกว่ายกตัวอย่างใครที่มีจิตคิดจะไปเนี่ยนะโอ้ห้ามยากว่ากั้นคนที่คิดจะไปใจของพระที่คิดจะศึกเป็นต้นเนี่ย พวกนี้ห้ามยากหมดเลยเขาวงากันมันมันยากที่จะเข้าใจไอ้สิ่งที่มันทวนกระแสแบบเนี้ยยากนะไม่เชื่อนะ เ, อเราวิ่งถนนเลนอีกเลนหนึ่งแล้วก็ไปบอกให้คนอื่นวิ่งมาตามเราดูเถอะให้เลนตรงกันข้าวนะวิ่งมาตามเราเอ้ยไปทําไมเส้นโน่นนวลพีดมาทางนี้สิมาทางนี้สิาาสคุณยูเทิร์นมาเลยนะ่ารีบยูเทิร์นมาเลยเนี่ยนะแล้วโบกข้างทางไปเนี่ยอาจจะเชิญไปโรงพักหรือเชิญไปสงบสติอารมณ์ก็ได้มันยากแบบนั้นแหละ นนะันเพราะันเป็นเรื่องที่ทวนกระแสะมากมันทวนแบบชนิดที่เรียกว่าคนละเลนอะไรมาไงแต่คนละฝ้า ก, กันเลยอ่ะละเอียดด้วยนะนะปกติเนี่ยตาก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วใช่ไหมถูกกิเลสเนี่ยนะถูกฝุ่นละอองย้อมไปหมดเนี่ยนะนะมันจะเจอของละเอียดละเอียดเข้าเลยนะแล้วก็เป็นธรรมที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากเช่นกับอนูเป็นอนูก็คือเหมือนกับอนูมันเหมือนกับฝุ่นละอองถ้านะู้สมัยใหม่ก็เหมือนอะตอมนั่นแหละมันเล็ก ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะยากที่จะเข้าใจแล้วก็มันเชื่อมโยงกันมันไม่ใช่แบบจอแล้ววิจัยให้มันเห็นเลขแบบเห็นอะตอมแบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแต่มันหมายถึงมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งเหตุทั้งผลเนี่ยนะแล้วสิ่งที่อาศัยเหตุผลขึ้นมาพ่อกพูนคุณธรรมที่จะต้องเจริญต้องพอกพูนคุณธรรมอีกตั้งมากมายเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเออสรุปว่าไม่ต้องไม่น่าสอนในยนั้นไม่ควรเลยที่จะประกาศแบบนั้น ก็มันยากธรรมะก็ายากเขาก็กิเลสหนาะธรรมะเหล่านี้ก็ทวนกระแสละเอียดลึกซึ่งเห็นได้ยากเป็นอนูสรุปว่าไม่ต้องสอนหรอกมกันดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพิจารณาเห็นดังนี้พระไทยของพระองค์ก็น้อมไปเพื่อขวนขวายน้อยแก้ได้ว่าแทนที่จะยืดโครงการกลายเป็นหดโครงการไปหมดเลยนะหดหมดเลยนะว่า ไม่น้อมไปเพื่อจะแสดงธรรมบอกน้อมไปไหนบอกน้อมไปเงีบยบเหมือนกันนะก็กก็็ว่า อ, อที่โคนไม้ก็อยู่เป็นสุขดีอยู่แล้วไงนะต้นโพเขาก็ไม่ได้มีใครมาไล่ที่ไล่ทางเลยก็อยู่แต่เนี่ยสบายอยู่แล้วเหมือ น, นดูกวามพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลเท้ามหาพรงองค์หนึ่งได้ทราบปริวิตตกในพระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ด้วยใจเนี่ยนะก็เรียกว่าพรมรู้ใจเนี่ยนะพระองค์ก็เลยพรมอ่ะนะท้าวมหาพรมก็เลยคิดว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะชิบหายเสียแล้วนะเนอเสียหายแน่ชิบหายแน่นะหมดกันแน่จบเลยกันนั้นเถอะเพราะอะไรเพราะโลกจะพินาศเสียแล้วโลกก็คือโลกแห่งบุญกุศลเนี่ยพินาศหมดแล้วว่างั้นเหรนะไม่ใช่ว่าวัตถามันไม่พินาศง่ายๆเรา ก, ก็อยู่งบันไปเรื่อยแหละ แต่หมายคำว่าโลกแห่งการเจริญกุศลธรรมเนี่ยเสียหายแล้วว่างั้นนะนะเพราะว่าพระไทยใจของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้น้อมไปเพื่อขวนขวายเสียน้อยเสียแล้วไม่น้อมไปเพื่อจะแสดงธรรมน่ น, นะรู้เลยว่าถ้าขวนขวายน้อยก็นะคนที่ฟังเนี่ยก็หมดเลยอดหมดโอกาส ต่อไปบอกว่าดูกับนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลเท้ามหาพรหมนั้นได้หายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระภาคของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีเหมือนบุรุษที่มีกําลังเหยียดแขนออเหยียดออกซึ่งแขนที่คูเข้าไว้หรือคูแขนที่เหยียดออกเข้าไว้ฉะนั้นเนี่ยนะก็เหมือนคูแขนเหยียดแขนอ่ะนะคนมีเรียเร่ยวมีแรงมีกําลังเนี่ยฉะนั้น ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายครั้งนั้นแหลเท้ามหาพรหมผู้กระทำผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งคุกชานุมนฑนกว่าคุกเข่าขวาลงบนแผ่นดินเนี่ยนะาวว่านั่งแบบคุกเข่าขวาเอาเข่าซ้ายขึ้นสูงเนี่ยนะประนมอันชฉลีไปทางา ป, รประนมนิ้วมือทั้งสิบไปในทางที่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีประทับอยู่แล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทร ง, สงแสดงธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระสุคตโปรดทรงแสดงธรรมในโลกนี้นะมวลสัตว์โลกเนี่ยนะที่สัตว์เหล่าใดที่มีกิเลสเหมือนกับฝุ่นละอองธุลีในจกักษุเบาบางอะ่ะยังมีอยู่ เขาเหล่านั้นถ้าหากว่าไม่ได้ฟังธรรมเขาเหล่านั้นก็จะเสื่อมเสียไปแปลว่าเขามีปัญญาพอที่จะรู้ทั่วถึงทําได้เนี่ยยังพอมีอยู่โปรดเถอะว่างั้นน่ยโปรดสงสารเขาเถอะอนุเคราะห์เขาสงสารเขาเขาพอจะได้รับโอกาสเขาควรจะได้รับโอกาสอันนี้ถ้าพระองค์ไม่ให้เขาไม่สงเคราะห์เขาไม่แสดงธรรมโปรดเขาเขาก็หมดโอกาสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยอาศัยความกรุณาอาศัยความอนุเคราะห์สงเคราะห์ แสดงทำให้เขาฟังเธอดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อเท้ามหาพรหมนั้นกราบทูลเช่นนี้พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมมาสามพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ตรัสกับเท้ามหาพรหมนั้นว่าดูก่อนพรหมแม้เราก็ได้ดำริแล้วเช่นนี้ว่าฉไนเนาะเราพึงแสดงธรรมคือคือก่อนหน้านี้เราก็คิดแบบที่ท่านขอนี่แหละเรานะได้เคยคิดนะว่าเราเนี่ยจะแสดงธรรมดูก่อนพรม แต่เรานั้นก็ได้คิดเห็นดนังต่อไปอีกว่าทำที่เราบรรลุแล้วนี้เนี่ยเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งอย่างนี้ส่วนมูสัตว์นอกนี้สิเนี่ยนะเขามีอะไรคือกรรมมคุณห้าเป็นที่มายินดีด้วยตัญหาตัญหาของเขายินดีแล้ว ในอะไรคือกามคุณห้าเบิกบานไม่มีความสุขอยู่กับการมาคุณห้าเรียกว่าเบิกบานแล้วในอะไรไม่เคยเครียดเสียใจในกามคุณห้าเลยอาหารนะก็ทานอาหารอร่อยนิ่งหน้างไงเลยไมหมัไม้โอ้เบิกบานเงียบๆแจ่มใสสดชื่นไปหมดเลยก็อนุสัตผู้มีอะไรคือกามาคุณห้าเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไร เบิกบานแล้วในอะไรยากที่จะเห็นได้ซึ่งฐานะนี้คือปฏิจจสมุปบาทคือปัจจัยแห่งสภาวธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นยากหนาะที่เขาจะได้เห็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นยากที่เขาจะได้เห็นว่าชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีพบเป็นปัจจัยพบมีอุปาทานเป็นปัจจัยยากที่เขาจะเข้าใจตามเพราว่าเอามาคิดตามเนี่ยยังยากเหมือนั้น นีปฏิจจสมุบาติคือทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์ยากที่จะเห็นและยังยากอีกอันที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกก็ยากที่จะได้ซึ่งฐานะแม้นี้คือพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นธรรมที่สลัดอุปัติทั้งปวงเป็นธรรมที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นธรรมที่คลายกำหนัดเป็นธรรมที่ดับทุกข์เนี่ยนะก็ยากที่จะเห็นทั้งวัตตะและวิวัตตะเนี่ยในที่จะรอบรู้วัตตะ เหตุให้เกิดวัตตะข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตตะวิวัตตะคือพระนิพพานข้อปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนี่ยากที่เขาจะเข้าใจยากที่เขาจะได้เรียนรู้ตามปฏิบัติตามยากเพ้ออ่างนั้นถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเข้าใจว่ายากนี่ก็เข้าใจถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่คําว่าพูดว่ายากจะได้เลิกศึกษาอธิบายได้นี่เนี่ยที่ฉันไม่ศึกษาก็เพราะมันยากนี่ไงพระพุทธเจ้ายังว่ายากนะก็ถ้าจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าว่ายากก็ต้องเชื่อว่า จงเงีย้ยโสดลงเถอะก็เชื่อให้มันหมดสิอย่าไปเชื่อแค่คำเดียวเชื่อเพื่อบรรทอนศรัทธาตัวเองอ่ะนะนี้ไม่ดีก็ต้องเชื่อเชื่อให้มันครบกระบวนกามอ่ะนะไหนๆก็จะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วบอกยากยากยังไงก็นี่พระพุทธเจ้าว่ายากก็อ่านเจอหน้านี้ท่านบอกว่ายากฉันก็เลยเลิอกอ่านเลยเอา้าทําไมอ่ะก็ยากไงเขาบอกใช่แล้วแหละใจคุณมันยากใจมันตกยากเขาว่างั้นอ่ะนะแม้แต่ศรัทธาจะอ่านยังไม่มีจะกล่าวประยัยสัตที่จะได้บรรลุมรรคผลอ่างนั้นอ่ะนะ ขอจะได้เป็นเราเธออยงนั้นใช้ได้และเป็นคนอื่นนะอา้าวก็จะไว้เจริญกรุณาไงะคนอื่นเราก็เจริญกรุณาใช่ไหมถ้าเราเราก็เจริญเมตตาให้เราเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลย น, น, นะนะพวจะตกทุกข์ได้ยากทุกแค่นี้พอแล้วอยงนั้นใครจะทุกข์ต่อไปอีกอา้าวก็เราก็ไม่ได้บอกให้เขาไปทุกข์นี่เขาอยากทําเขาเองไงอย่าง น, นั้นมันพระองค์ก็เลยบอกว่าเราเนี่ยนะถ้าพึงแสดงธรรมแสดงอเทศยาวพูดจนเจ็บคอไปหมด สัตว์เราอื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมะของเราก็พึงเป็นความลําบากของเรางั้นแล้วก็เป็นความเดือดร้อนแก่เราเดือดร้อนสิอย่นั้นนะทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเจ็บคอเป็นต้นมันก็เดือดร้อนอยู่แล้วเขาก็าไม่รู้เรื่องด้วยนะไม่รู้เรื่องมันก็ยากอนะไรเงี้ยมันก็ทุกข์อย่างนั้นดูก่อนพรหมเพราะฉะนั้นคาถาที่อัศจรรย์น้อยเนี่ยนะซึ่งเราไม่เคยได้สดับไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็แจ่มแจ้งดังนี้ บอกว่าบัตรนี้นะไม่สมควรเลยที่เราจะประกาศธรรมะที่บรรลุได้แล้วแสนยากนะนะบรรลุแล้วแสนจะยากธรรมะนี้อันสัตว์ที่ถูกราคาโทสะโมหะครอบงำแล้วไม่ตรัสรู้ได้โดยง่ายสัตว์ที่ถูกราคายอมเอาไว้แล้วถูกกองแห่งความมืดหุ่มห่อเอาไว้แล้วจักเห็นไม่ได้ซึ่งธรรมที่มีปกติไปทวนกระแส เป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุพรหมก็บอกว่าขอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระสุคตจงแสดงธรรมในสัตว์โลกนี้ที่เหล่าสัตว์ที่มีกิเลสเพียงดังธุรีในจกักษุเบาบางอย่างนี้อยู่ เพราะเขาเหล่านั้นไม่ได้ฟังธรรมตว์เหล่านั้นจึงเสื่อมเสียไปเสื่อมโอกาสพลาดจากโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลเพราะผู้ที่รู้ทั่วถึงแทงตลอดบรรลุธรรมได้ยังจักพอมีอยู่นะพระองค์ก็ยืนยันบอกว่าพอพรหมแต่จากนั้นพระองค์ก็ยืนยันว่าดูก่อนพรหมใ น, นฐานะที่ท่านว่าเนี่ยนะเราก็ได้คิดแล้วว่าเราจะแสดงธรรมพอเสร็จแล้วก็พิจารณาว่าธรรมที่เรารู้ก่อนลึกซึ้ง มันก็เหมือนกับว่าจะไปขายสินค้าบางอย่างเนี่ยที่มันดีด้วยละเอียดด้วยไปขายให้คนจนเนนะคนยากคนที่ไม่ต้องการเน่ยหมยมันจะขายยากขนาดไหนวพางั้นพูดซะเสนื่อยหมดเลยเพราะงั้นพรมก็ไม่ละอะนะก็อาราธนาเป็นครั้งที่ที่ที่สองอาราธนาเป็นครั้งที่สามเพราะฉะนั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายแม้ครั้งที่สามแล้เท้ามหาพรมกราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันตสมัมาสามาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีว่าว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงสแสดงธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระสุคตจงทรงสแสดงธรรมในโลกนี้สัตว์ที่มีกิเลสเพียงดังทุรีในจักสุเบาบางยังมีอยู่เพราะมิได้ฟังธรรมสัตว์เหล่านั้นจึงเสื่อมเสียไปผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมะได้ยังจะมีอยู่ดังนี้ด้วยควพิสูจ์ทั้งหลายครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคอรหันต์ัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงทราบการทูลเชิญของเท้ามาหาพรหมก็คือเหตุที่เท้ามาหาพรหมเนี่ยนะพรหมเป็นผู้ที่เคารพของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายถือว่าพรหมเป็นเทพพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้กำเนิดพันเท้ามาหาพรห ม, มาอาราธนาให้พระองค์สแสดงธรรมเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุปัจจัยสําคัญมากว่าผู้ที่อาราธนานั้นอนะ่ะหมู่สัตว์เคารพยำเกรงมาก พันหมูสัตว์ทั้งหลายที่เงี่ยโสดฟังธรรมอันหนึ่งเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าธรรมะนี้เท้ามหาพรหมก็อาราธนาเนี่ยนะทัานเวลาเราเห็นสารของเท้ามหาพรหมเป็นต้นก็นึกว่านี้นะท่านเหล่านี้แหละคือผู้ที่ช่วยอาราธนาพระพุทธเจ้าให้ประกาศธรรมเนี่ยนะเขาเราท่านเหล่านี้แหละนะพรหมชั้นสุดท้าวว่าพระอนาคามีท่านก็ไปเกิดเป็นพรหมมันเห็นเท้ามหาพรหมก็น้อมน้อมแด่พรหมเนี่ยนะผู้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นพรหมผู้เป็นพระอนาคามีพรหมผู้เป็นผ้าฐานที่ พรหมเหล่านั้นที่อาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่นะอันเราเห็นพระพรหมล้วก็เจริญแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะเอาไว้เจริญเพราะท่านเหล่านี้เป็นพระริยเจ้ากันเหตุผลหนึ่งพระองค์รู้เลยนะว่าเพราะพรหมอาราธนาเพราะว่าผู้ที่มาอาราธนาไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่าพระเจ้าของสัรพสัตว์ทั้งหลายว่างั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็อาศัยความกรุณาที่มีต่อมูสัต คือพระ อ, องค์เนี่ยเพราะแรงแห่งกรุณารู้อยู่แล้วว่าหมู่สัตว์เนี่ยทุกข์มากความทุกข์ความยากความลําบากของเหล่าสัตว์เนี่ยนะทุกข์เพราะความเกิดในวัฏฏะทุกข์เพราะชาติชรามรณะความทุกข์ของเขาที่ตะว่า น, น้ําตาเหมือนกับน้ําทะเลหยาดเหงื่อแรงกายที่ทุ่มเททําในโลกซึ่งทําแล้วมันไร้ผลเนี่ยนะทำได้แต่กรรมเนี่ยนะทํานะันต์บุญทําบาปกันเนี่ยโดยเฉพาะทําบาปเนี่ยทุ่มเทกันเต็มที่ แล้วกรรมเหล่านั้นไม่ได้ให้ผลเป็นสุขอะไรที่เขาทุ่มเทอยู่เนี่ยนะในที่สุดชีวิตก็จบลงด้วยชาราและมรณะความที่เขาทุ่มเทมากมายขนาดนี้ไหลไปสู่ชาราและมรณะแต่เขาไม่รู้หนทางเหมือนอย่างที่พระองค์บอกว่าเขาตกไปในเหวถ้าเราไม่ฉุดเขาแล้วใครจะฉุดเนี่ยนะถ้าเขาตกลงไปในหล่มคือกามคุณทั้งหลายถ้าเราไม่เตือนสติดึงเขาออกมาแล้วใครจะดึง ถ้าเขาถูกลูกสอนคือตันหาเป็นต้นเสียดแทงลูกสอนคื อ, อวิชาเป็นต้นเสียดแทงถ้าเราไม่ช่วยเขาแล้วใครจะช่วยนะก็อาศัยกรุณาเนี่ยนะมหากรุณาสมาบัติยานที่พระองค์เจริญเห็นความทุกข์ความยากความลำบากความเดือดร้อนความเร่าร้อนเนี่ยนะของสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ตรวจดูลูกด้วยพุทธจักโสทั้งหลาย พระงก็ตรวจดูอัธยาศัยของสัพพสัตว์ทั้งหลายเลยนะสัตทั้งหลายที่มีเจริญมีอัธยายศัยอนุสัยอธิมุตเป็นอย่างไรอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายอ่อนหรือแก่กล้าเรียกว่าใช้พุทธจักสุหรือจักสุของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอินทริยะโปรโปริยัติยานและอาศยานุสยญาญตรวจดูว่าภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี เมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุคือด้วยอาสยานุสญยาณอินดริยโปรปริยตยานก็ทรงเห็นหมูสัตว์นะเห็นหมูสัตว์บางพวกมีกิเลสเหมือนธุลีในดวงตาน้อยบางพวกมีกิเลสมีกิเลสเหมือนธุลีในดวงตามากบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการสามบางพวก ให้รู้แจ้งได้โดยง่ายบางพวกให้รู้แจ้งหรือสอนให้เข้าใจยากบางพวกเป็นพษษษัสัตบางพวกเป็นอาพพสัตบางพวกมีมักหรือว่ามีปกติเห็นประโลกและโทษโดยความเป็นภัยก็แบ่งเลยนะว่าไอ้พวกบรรลุไม่ได้คือกลุ่มไหนกิเลสเหมือนธุรีในดวงตา ม, มากอินทรีก็อ่อนอาการก็เลวรู้แจ้งก็ยากเป็นพวกอาภัพ แล้วก็ไม่เคยเห็นโทษในวัตตะอะไรเลยเนี่ยนะทุกอย่างหน้าเพลิดเพลินหน้ารื่นรมไปหมดเนี่ยนะพวกนี้บรรลุไม่ได้ครับัวส่วนพวกที่พอจะบรรลุได้คือพวกที่มีทุลีคือกิเลสในดวงตานอ้อยมีอินทรีแก่กล้ามีอาการดีสอนให้รู้ได้ง่ายเป็นพวกทัพพสัตเป็นผู้ควรจะบรรลุได้และเป็นผู้ที่มีปกติเห็นปารโลกและโทษโดยความเป็นภัย องก็จำแนกแยกกลุ่มของสรพสัตเปรียบเหมือนในกออุบลกอบัวหลวงหรือกอบัวขาวดอกอุบลดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวดอกบัวเหล่านั้นเกิดแล้วในน้ําเจริญแล้วในน้ําน้ําหล่อเลี้ยงอุปถัมภ์เอาไว้นะพวกบัวทั้งหลายก็บัวทั้งหลายเหล่านี้ก็บัวบัวน้ำ嘛นะบัวบางเหล่ายังจมอยู่ภายในน้ํา บางเหล่าตั้งอยู่เสมอน้ำบางเหล่าตั้งขึ้นเพราะพ้นจากน้ำอันน้ำไม่ได้ติดใบแม้ฉันใบเพิกสูทั้งหลายมูสัตที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีตรวจดู ด, ด้วยพุทธจักรสุทรงเห็นแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันบางพวกมีกิเลสเพียงดังทุลีในจักรุน้อยบางพวกมีกิเลสเพียงดังทุลีในจักรุมาก บางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการซ้ำบางพวกพึงให้รู้แจ้งได้โดยง่ายบางพวกให้รู้แจ้งได้ยากบางพวกเป็นพราพัสสัตบางพวกเป็นอัพาพัสสัตบางพวกมักเห็นปรรลูกและโทษโดยความเป็นภัยนะ่เรียกว่าจำแนกแยกแยะ ก, กลุ่มที่พอจะบรรลุได้นเนี่ย อธิบายในอัตถกาถาเพิ่มเติมทบทวนโดยลำดับเนี่ยนะว่าอตอนที่พระองค์เนี่ยนะประทับนั่งอยู่ที่โพธิบั ล, ลังอขออภยในในสัปดาห์ที่ที่แปดที่พระองค์ประทับอยู่ที่อาชะปาระนิคโรครหรือติตตนไซที่พวกเลงแพะชอบไปพักกันเนี่ยนะพระองค์ก็คิดว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่เนี่ยนะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งไม่ใช่เป็นของตื้นตื้น เป็นของเห็นได้ยากไม่ใช่เห็นง่ายงาย่เป็นธรรมทีท่รู้ตามได้ยากไม่ไม่ใช่ว่าจะรู้ตามกันง่ายเป็นธรรมที่สงบระงับดับวัตะเป็นธรรมที่ประนีตไม่เร่าร้อนมันธรรมที่เห็นได้ยากลึกซึ้งรู้ตามได้ยากหมายถึงโลกุตระธรรมโลกุตระธรรม maid, ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คาดคะเน path, ยังลงด้วยการตรึกหรือคาดคะเนเท่านั้นไม่ใช่กะกะกะกะเอาว่าอย่างนั้นมัน้งอย่างงี้มั้ง บางแม้กระทั่งเรื่องในโลกนี้เรายังกะไม่ถูกเลยนะจะกล่าวไปใหญถึงกะเรื่องของคําสอนเล่ามันเป็นธรรมะที่ละเอียดนะเป็นธรรมที่บัณฑิตที่ปฏิบัติอยู่ในมัชชิมาปฏิปทาก็รู้ได้ผู้ที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องบัณฑิตผู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะนะก็สามารถที่จะรู้ได้บัณฑิตคือพระพุทธเจ้าพระประเจกับพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีศรัทธา สา ม, มารถที่จะปฏิบัติตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้แต่ว่ามูสัตต์นี่สิเนี่ยนะอารยะรามาอารยะรามาเนี่ยนะก็คือเช่นอะไรรามานะอะไรนะรามาเนี่ยแปลเช่นโรงหนังจะมีรามาใช่โรงหนังจะมีอยู่คําหนึ่งคือรามาเช่นรามาอะไรบ้างเ น, นะมีคําว่ารามารามาตัวนั้นก็เหมือนกับอารามอ่ะ น, นะแปลว่ามันยินดีมันน่าเพลิดเพลินเข้าไปแล้วมีความสุขอย่างเดียวเนี่ยนะ มันหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดในกาลมคุณห้ารูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ตัวเองปรารถนาเชื่อว่าอารยาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยผัวพันด้วยอํานาจวิปริตวิจิตของตันหาร้อยแปดผัวพันในตันหาแหมแบ่งเป็นร้อยแปดกลุ่มเนี่ยนะเพื่อจะไปเพลิดเพลินในรูปนะตันหาเป็นร้อยกลุ่มไปเพลิดเพลินในเสียงตันหาเป็นร้อยกลุ่มไปเพลิดเพลินในรสในโพตภะและใน ทำมารมทั้งหลายปกตินี้เขาเพลิดเพลินกันอย่างนั้นเรียกว่าหมูสัตว์ทั้งหลายมีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรติดข้องแล้วในอะไรเบิกบานใจแล้วด้วยอะไรเขาเรียกว่าอาัยาสัมมุทิตาบันเทิงอะนะมุทิตาเนี่ยนะมูทิตาไปในกาลมาคุณห้ายินดีในกามคุณห้าสัตว์ทั้งหลายยินดีแล้วด้วยอะไรในกามอาลัยในตัณหาแม้เหล่านี้เป็นผู้เบิกบาน กระสันติดข้องอยู่ในสังสารวัตรเปรียบเหมือนอะไรเหมือนพระราชาเสด็จประพาสพระราชจุทยานอันสมบูรณ์ด้วยลูกชาติที่เต็มไปด้วยดอกและผลอ น, นะดอกผลเป็นต้นซึ่งตกแต่งไว้เป็นอย่างดีพระองค์ทรงรื่นรมเบิกบานชื่นชมเพลิดเพลินด้วยสมบัตินั้นๆเที่ยวไม่รู้จักเบื่อจกักไนเนี่ยนะไม่มีพระประสงค์จะเสด็จกลับเม้ในตอนเย็นตอนเย็นอมานมาทูนได้เวลากลับแล้วพระเจ้าข้าก็ยังเพลิอนอยู่นั่นแหละ ไม่อยากจะกลับฉันใดหมูสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะวัฏตะนี้จึงเป็นอุทยานที่เพลิดเพลินแห่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่บันเทิงรื่นเริงใจมากเลยนะเพราะฉะนั้นยากที่จะเห็นปฏิจจสมุปบาทยากที่จะเห็นอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารยากที่จะเห็นนะว่าสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญ ญ, ญาณเราคิดไหมว่าคําพูดที่เราคับพูดทุกคํามันนาเกิดได้เนี่ยนะมันยากที่จะเอาม า, มาคิดเหมือนกันเถอะ ยากที่จะเอามาเข้าใจว่าความคิดพวกนี้มันนําเกิดได้นัเนี่ยจะนําเกิดในภพไหนเนอะเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรเนาะสิ่งที่เราทําทุกอย่างเนี่ยนะขยับตัวทุกครั้งเนี่ยเป็นปัจจัยแก่การเกิดได้หมดเลยนะคำพูดที่เราพูดเนี่ยเกิดมาพูดมากี่คําแล้วเนี่ยตั้งแตเกิดมาตั้งอดีตจนปัจจุบันนี่พูดมากี่กี่ล้านคำแล้วทุกคํามันนําเกิดได้หมดเพราะมันเป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะมันควรจะนําเกิดที่ไหนดีเอ๊ะแล้วเมล็ดพันธุ์พวกนี้มันเพาะงอกตรงไหนเนอบางเม็ดงอกในนรกเนี่ยนะ บางเม็ดเนี่ยถ้าเพาะแล้วมันงอกในเปลืบางเม็ดมันเพาะในเดราชาล์บางเม็ดก็เพาะในสัตว์น้ําบางเม็ดก็เพาะปลูกขึ้นบนสัตว์ที่เกิดในบกเป็นต้นเกิดเป็นนกเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในเท่าไข่เกิดเป็นโอปปาติกกรคำบางคําพูดบางคําพูดเกิดในมนุษย์บางคําพูดเกิดในเทวดาเนี่ยนะยากนะที่จะเห็นว่าสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาเพราะฉะนั้นบอกเออฉันไม่บาปไม่ไม่ไม่บาปไ ม, ไ ม, ไม่บุญไม่อะไรก็อยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเพ้อเจ้อทั้งวันก็ไม่มีโทษ มันสุกทุกสิ่งทุกอย่างเขาจึงว่าไม่มีผลก็คือทุกอย่างก็แล้วอะไรจะเกิดมันก็เกิดก็ปล่อยมันไปเนี่ยนะก็ทุจริตด้วยกายด้วยวาจาต่อไปเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ยมันนำสังขารเหล่านั้นนำมาสู่ซึ่งปฏิสนธิวิญญาณนำไปสู่ ใเขาไม่เข้าใจว่ า, าเขาไม่รู้ในนวสังขารเป็นปันจจัยจึงมีปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณจึงเป็นปันจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปันจจัยจึงมีสลายตนสะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปันจจัย จ, จ, จ, จึงมีตันหาตันหาเป็นปันจจัยจึงมีอุปาทานเนี่ยยากที่จะรู้นะเหตุรู้เหตุรู้ผลรู้ความเป็นไปความไหลเชื่อมโยงในวัฏตะทั้งหลาย อันโสดว่าทุกขสัตรย์กับสมุทัยศัตว์ยากที่เขาจะเข้าใจเขาทุกไหมเขาทุกแต่เขาไม่รู้จักทุกอย่านะเขารู้ไหมว่าตัณหาเขารู้จักแต่เขาไม่รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกเนี่ยนะเขารูอา้อาจจะทุกสั้นๆนะนะอาจจะรู้ทุกสั้นๆแต่ไม่รู้ความเป็นจริงของตัณหาที่เป็นมูลของวัตถุทุกว่าตัณหาเนี่ยเป็นมูลแห่งวัตถุทุกอย่างไรเช่นตัณหาที่ชอบในสีเนี่ย เป็นมูลแห่งวัตถุทุกอย่างไรตัญหาที่ชอบในเสียงเนี่ยเป็นมูลแห่งวัตทุกข์เป็นต้นอย่างไรเมื่อเขาไม่รู้เนี่ยนะนการที่จะไปบอกเขาก็ยากเหมือนกันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าใจของเขาเพลิดเพลินในเรื่องของการเบ็ดเสร็จแล้วพูดแบบชาวบ้านก็เรียกว่าปันใจให้กับอารมณ์อื่นหมดแล้วเนี่ยนะไม่เคยปันใจมาให้คําสอนเลยเนี่ยนะบอกโอ้ยยุ่งยุ่งเวลาก็จํากัดปริมาณน้อยเป็นต้นว่าเออเหลือแต่เวลาเดียว เวลาเกิดพบใหม่ก็ละกันเท่านั้นนะเวลาที่จะให้เรียกว่าเวลาสุขคติของท่านไม่มีแล้วันถ้าใครพูดว่ไม่ค่อยมีเวลาในการศึกษาธรรมะเลยก็เท่ากับบอกว่าเวลาแห่งสุขคติของเขาไม่ค่อยมี น, นะก็น่าสงสารนะเวลาแห่งการบรรลุมรรคผลเขาไม่มีเลยเขาไม่แบ่งให้เลยไม่แบ่งเวลาให้เกิดในสุขคติพบเลยไม่แบ่งเวลาให้ น, นะให้สมบัติในโลกหน้าเป็นต้นต่อไปเลย เขาไม่แบ่งเวลาให้สวรรค์ให้นิพพานเลยแล้วก็แบ่งเวลาให้อะไรนะนะก็ขอเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเขามาใครได้ยินคําประเภทนี้บอกขออย่าเป็นเราเลยขอบคุณจริงๆทําบุญอะไรมาเนาะเราจึงไม่คิดแบบเขาเนี่ยนะดีใจมากเลยนะแต่ถ้าไปคิดแบบนั้นเมื่อไหรนะ่เนี่ยโอ้จะสงสารตัวเองขนาดไหนไม่ทราบนึกสงสารตัวเองเลยถ้าเราไปคิดอย่างนั้นเนี่ยนะโอ้หน้าสงสารเนาอนะใครเนาะจะกรวดน้ําให้เราบ้างนะ ท่านก็เลยยากเหมือนกันนะยากที่จะเห็นแล้วก็โดยเฉพาะพระนิพพานนี่ก็ยากที่จะรู้ยากที่จะเห็นท่านบอกว่านิพพานเนี่ยนะสัพพะสังขารสมโ თ เนี่ยนะเป็นธรรมที่สงบความสงบสังขารเพราะอะไรเพราะสังขารเนี่ยเป็ น, ป น, ปนธรรมชาติที่มันดิ้นรนนะเช่นสังขารเนี่ยดิ้นรนเพราะอะไรเพราะชราและมรณะเนี่ยนะแต่ว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สงบจากความดิ้นรนด้วยหน้าชราและมรณะ มันพระนิพพานจึงชื่อว่าสัพพะสังขาระสมะโทเนี่ยนะทำที่สงบประงับสังขารทั้งปวงทำรรที่ดับสังขารทั้งปวงดับสังขารคือชราและมรณะดับสังขารคือโศกะปริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาตอีกในหนึ่งกิเลสทั้งปวงเป็นอันสลัดทิ้งไปได้ตันหาทั้งปวงก็สูญสิ้นไปกิเลสราคะทั้งปวงก็คลายไปทุกทั้งมวันก็ดับไปเพราะอาศัยตันเพราะอาศัยพระนิพพาน หมายขางว่าถ้าตรัสรู้นิพพานในโกงกิเลสทั้งหมดก็ถูกสลัดทิ้งไปแปลว่าความเศร้ามองทุกชนิดถูกละไปตันหาทั้งปวงหมดไปกิเลสราคะก็ศูนย์สลายไปสงบระงับดับทุกทั้งปวงไปได้เพราะอนุภาพแห่งพระนิพาน พ, นพานพระนิพพานจึงชื่อว่าสัพพูปัติปฏินิสโคทำเป็นที่สลัดออกจากกิเลสทำเป็นที่สลัดออกจากตันหาทำเป็นที่สลัดออกจาก ราคะทาเป็นที่สลัดออกจากทุกเน่ยนะมันพระนิพพานนั้นจึงชื่อว่าตันหักขโยธรรมะเป็นที่สิ้นตันหาวิราโคคลายกำหนัดจากตันหานิโรธก็คือดับวัตถุทุกตันหานั้นเนี่ยปกติคำว่าตันหาที่เป็นเหตุแห่งทุกมันทุกยังไงเป็นทุกเพราะว่าตันหาเนี่ยมันร้อยรัดกรรมเอาไว้ให้มีผลเช่นมันร้อยบาปให้มีผลเนี่ยนะ ร้อยกายกรรมให้ได้รับผลร้อยวัจีกรรมให้มีผลร้อยมโนกรรมให้มีผลร้อยร้อยอะไรร้อยออร้อยสังขารเป็นปัจจัยให้มีวิญญาณร้อยอพบเป็นปัจจัยจะมีชาติมันร้อยเอาไว้ถ้ามันต่อถ้าไม่มีตันหาต่อกรรมให้มีผลวัตะมันไม่น่ากลัวทำชั่วขนาดไหนก็ไม่น่ากลัวอะไ ร, รอเพราะไม่มีนรกเป็นต้นแต่เนื่องจากมันมีกรรมเนี่ยมันเชื่อมมันโยง อันนันมันมีเยื่อมีใยมีสายสัมพันธ์จากเหตุไปสู่ผลเนี่ยนะผลอเหตุที่ไหลไปสู่ผลผลที่เกิดได้ก็เพราะว่ามีตัวที่เชื่อมให้ให้กรรมเนี่ยมันให้ผลได้อันนั้นก็คือตัวตันหาตันหาเนี่ยเป็นเครื่องร้อยเครื่องรัตร้อยกรรมให้มีผลแร้อยชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งร้อยภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งร้อยรัตไปอย่างนี้พระนิพพานเป็นธรรมที่สลัดออกจากเครื่องร้อยรัตทั้งปวงเหล่านั้นเนะ อลันิาพานนั้นเป็นธรรมที่สลัดออกจากเครื่องร้อยรักสรุปว่าแสดงสมุทยสัตว์ให้เขาเข้าใจก็ยากแสดงนิโรสัตจะให้เขาเห็นก็ยากเพราะกิเลสของเขามันกลุ่มรุมเล่นงานมากเนี่ยนะกิเลสของเขามีกําลังมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสอนธรรมนะโสมมัสสะกิลามะโถการแสดงธรรมของเราแก่ผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความลําบากสําหรับเรา นะอันนี้หมายถึงความลำบากกายนะพระพุทธเจ้าไม่เสียใจหรอกแต่ว่าเหนื่อยฟรีว่างั้นนะ่ะนะไอ้เครียดนี่ไม่เครียดหรอกแต่ว่าเหนื่อยฟรีน่ะนะเสร็จแล้วก็ขี้ต่อไปอีกว่าเกิดคาถาที่ไม่น่าอาัศจรรย์บอกว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมะที่ตรัสรู้ได้ยากไม่ใช่ตรัสรู้ได้ง่ายก็มรรคสีของพระพุทธเจ้าขณะที่เจริญเนี่ยง่ายก็จริงแต่การปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับคุณวิเศษบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของยากตอนที่พระองค์บำเพ็ญบารมีเนี่ยนะยากมากเลยนะตอนที่ยังสร้างบารมีบางบุญบางอย่างทําด้วยน้ําตารักษาศีลเคล้าไปด้วยน้ําตาเจริญภาวนาเคล้าด้วยคราบน้ําตาและคราบเลือดให้ทานก็เคล้ากับคราบเลือดคราบน้ําตาหลายชาติก็สูญเสียชีวิตไปเนี่ยนะรักษาศีลเจริญเนคขมมะเป็นต้นเช่นแม้กระทั่งตัดศีรษะที่ประดับ ให้ทานเอาเลือดออกจากลำคอควักดวงตาที่หยอดไว้อย่างดีแก่ให้แล้วก็สละบทผู้ที่ดํารงวงสกุลสละภริยาที่ตัวเองรักที่สุดเนี่ยนะพันถามว่าแต่ละอย่างนี่ทําง่ายไหมนะหาแก้แหวนเงินทองหามาด้วยความเหนื่อยยากลําบากแล้วก็สละสิ่งเหล่านั้นทําบุญไปเจริญบารมีไปเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้ามันการสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของยากเกศเฉนนะไม่ใช่ทําง่ายเลยเนี่ยนะ ทำยากมากกว่าจะได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้ได้แตะสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตลอดสี่อสงไขยแสนกับไม่ใช่เป็นของง่ายเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะสอนให้เขารู้แบบนี้เนี่ยนะสำหรับหมูหมูสัตว์ทั้งหลายที่เจอือเกลือกล้วไปด้วยราคะโทสะโมหะถ้าเขาไม่เข้าใจก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าเพราะธรรมะที่เราสอนนี้สอนเป็นธรรมทะที่ ทวนกระแสปฏิโซตะาคามิงสัจธรรมสี่เนี่ยนะเป็นธรรมที่ทวนทวนกระแสเพราะหมูสัตว์ทั้งหลายมีกระแสที่จะเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นของเที่ยงพระพุทธเจ้าก็มาทวนบอกว่าสังขารไม่เที่ยงมูสัตว์ทั้งหลายพร้อมที่จะเห็นว่าสังขารเนี่ยสุกเพ้พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นทุกสัตว์ทั้งหลายเอ่อมาตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรา แต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาบอกมาสอนบอกนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะศาสตรทั้งหลายบอกท่างสุขแท้โองบอกนี้ทุกเนี่ยนะศาสตรทั้งหลายบอกนี้เป็นเหตุแห่งความสุขพระพุทธเจ้าบอกนี้เหตุแห่งความทุกศาสตรทั้งหลายบอกว่าแหมมันทุกข์เหลือเกินพระองค์บอกว่าธาตรู้อย่างงี้แล้วสุขนะคือคือมันตรงกันข้ามหมดศาสตรทั้งหลายบอกโอ้ทําชั่วสิง่ายทําชั่วสิสนุกเพลินพุทธเจ้าบอกทําชั่วไม่ดีเลยต้องทําดีดีกว่า ทำทุจริตไม่ดีทําสุจริต ด, ดีกว่าคือทุกอย่างมันเห็นตรงกันข้ามกันไปหมดอย่างนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมะคือการประกาศอริยสัจจะธรรมสี่ซึ่งมันทวนกับสิ่งที่เขาทําคําที่เขาพูดวิธีดําเนินชีวิตของเขาถ้าเขาไม่เข้าใจนี่เราก็เหนื่อยนะเพราะถ้าเราสอนแล้วเขาก็ไม่รู้ว่านี้ไม่ที่อย่างนี้เป็นทุกนี้ไม่ใช่อัตานี้อสุภะถ้าเขาไม่เข้าใจเขาไม่ต้องการรับรู้เลยแล้วใครเหนื่อยล่ะอันไว่าเพราะคระว่ะอะไรนะ การลงทุนที่ศูนย์เปล่าเนี่ยนะถ้าคนฉลาดเขาจะทำไหมเหมือนกัน น, ะนี่ก็เมือนกันเอ๊มันศูนย์หรือเปล่านะเขาคิดได้เท่านั้นยังไม่ได้สูบนะว่าจะสอนหรือไม่สอนพอดีเท้ามหาพรหมก็มาเนี่ยนะขี่ม้าขาวนะอะไรในเหาะมานะไม่ใช่เพ่ขี่ม้าขาเหาะมาเองเลยนะหายววบจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะหน้าอัปปุสุกตายะเพราะไม่ประสงค์จะแสดงธรรมโดยที่ไม่มีความขวนขวายถามว่าเพราะเหตุไรเนี่ยนะ พระไทยของพระองค์จึงน้อมไปอย่างนี้แล้วทำไมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงคิดอย่างนี้คิดที่จะไม่แสดงธรรมทั้งๆ ท, ที่พระองค์ก็ทำความปรารถนาเอาไว้ว่าเราพ้นแล้วจะเปลื้องสัตว์โลกให้พ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะช่วยให้สัตว์โลกข้ามด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้เขาตรัสรู้ด้วยเราฝึกเสร็จแล้วจะให้เขาฝึกด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้เขาปรินิพานด้วย โปร่งตั้งความปรารถนาอย่างนี้สร้างบารมีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือพอมาถึงตอนสุดท้ายทําไมคิดจะไม่แสดงธรรมนะครับว่าโหตั้งความปรารถนาสร้างเรื่องสร้างราวสร้างบารมีมายิ่งใหญ่ใหญ่โตเหลือเกินพอมาถึงบรรทัดอะไรนะตอนสุดท้ายบอกว่าอา่ะไม่สอนละอ่างนั้นะคิดจะไม่สอนอนะด้วยประโยชน์อะไรจะได้ประโยชน์อะไรที่บอกไม่สอนว่าประโยชน์อะไร และอีกอย่างหนึ่งนะตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่าจะประโยชน์อะไรด้วยเราเป็นผู้รู้แจ้งหรือตรัสรู้ในโลกนี้แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราตรัสรู้แล้วเนี่ยนะเราต้องให้ผู้อื่นตรัสรู้บ้างเราบรรลุสัพพัญญุตยานแล้วจะช่วยเหล่าเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ให้ข้ามพ้นอย่างนี้ไม่ใช่หรือแล้วพระองค์ก็อาศัยความปรารถนาที่จะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์สร้างบารมีจนได้พระสัพพัญญุตยานท่านคิดอย่างนี้ไม่ใช่หรือ ทำไมจึงมาขวนขวายน้อยในตอนหลังบอกใช่ตอนที่พระองค์สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นอ่ะจริงเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยอ่ะจริงประโยชน์อะไรที่เราจะข้ามแต่เพียงผู้เดียวถ้าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราบรรลุแล้วก็จะให้ผู้อื่นบรรลุด้วยจะพาเทวดาและมนุษย์ข้ามด้วยพระองค์คิดไว้อย่างนี้จริง แต่ตอนที่พระองค์บอกว่าน้อมไปเพื่อไม่สอนอันนี้เกิดจากปั จ, จเจกขณะยานอนุภาพแห่งการพิจารณาอธิบายว่าเมื่อพระองค์บรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วพระองค์ก็พิจารณาความที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยยังยึดกิเลสอยู่ถือเอากิเลสเป็นข้อปฏิบัติเหมงอนกันเถอะหมูสัตว์เนี่ยถือเอาราคะนําหน้าบางเรื่องเนี่ยนะบางเรื่องเนี่ยไปตามอํานาจโลภะแท้ๆโลภะมันพาไปเคยขี่รถไปทานอาหารไกลๆไหม รัศดาตัญหามันดึงไปเนี่ยนะดึงไปไกลบางเรื่องไปเพราะโทสะไปเพื่อเพื่อจะตับจำหนีนะไปเพื่อด่าไปเพื่อทาลายราฆพาไปบ้างโทสะพาไปบ้างโมหะพาไปบ้างสัตว์ทั้งหลายนี่ยึดเอากิเลสเป็นหลักในการปฏิบัติอย่างนั้นและขณะเดียวกันพระธรรมเองพระธรรมที่นำออกจากกิเลสเหล่านี้ก็เป็นธรรมที่ลึกซึ้งความที่สัตว์ทั้งหลายยังยึดถือเอากิเลส ความที่พระธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งโดยประการทั้งปวงสัตว์ทั้งหลายก็เอากิเลสเป็นหลักธรรมะก็เป็นของลึกอะไรนะถ้าเป็นพูดแบบภาษาสมัยใหม่นะบอกว่าแนะนําให้คนอื่นอ่านพระไตรปิฎกนะไปแจกพระไตรปิฎกให้เขาเอาเงี้หนัง ส, ส, สือสวดมนต์ดีเว่าไปแจกหนังสือสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรยัยเขาก็ไม่ค่อยชอบพระพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วย ว่าจะเอาหนังสือไปแจกให้จะแจกว่ายังไงนาะอย่าง้ยแบบนี้นะยากเหมือนกันนะเอาไว้ก่อนดีกว่าก็จะให้ให้ไม่ให้ให้ไม่ให้แทบจะจับไม่สั้นไม้ยาวบางทีก็ไปเกือบเถองแล้วไม่ให้ดีกว่าอย่างง้นะเรื่องื่นอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างงั้นแหละบอกว่าเขาบอกเขาไม่มีเวลานะไปบางคนบอกเขาไม่สวดหรอกเขาไม่ชอบสวดย่างเ้เขาไม่มีอธยาสายในการสวดบอกอ่ะพอบอกว่าโอ้สวดมนต์เถอะบอกแม่งเงบเลยนะบอกเพเจอกันต่อเถอะอย่างเงี้ยตื่นเต้นนดูเลย คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระเนี่ยนะอะชวนกันเพิร์เจอได้แต่เอสันเสริญพระพุทธเจ้าไม่ได้มันไม่เข้าใจเหมืนหนอนกันเลก็เรียกว่าถ้าทําบาปยง่ายง่ายแต่ทําบุ ญ, ญ, ญ, ญเนี่ยยากแท้แบบนะั้นน่ะสันเสริญพุทธคุณบอกแหมยากเหลือเกินแต่บอกเอาใครมาเป็นโจกนินทาว่าร้ายเขาเนะ่ยอถนัดแท้ะนะมันเกิดอะไรขึ้นก็แปลว่าอัธยาศัยทําไมมันเป็นอย่างนั้น เนี่นบอกสรรเสริญพระพุทธเจ้าบอกอ้างเจ็บคอมั่งเมื่อยมั่งโอ้ยออมเสียงหน้าดูเลยนะที่จะเพ้อเจ้อแล้วก็โอ้โแต่แบ่งกันสุดเสียงหัวเราะกรีดกราดเป็นต้นเน่ะเออทาไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้มีหน้าละสัตว์ในอาบายจึงเยอะนะไม่ได้แช่งนะแต่เล่าให้ฟังว่าเออเหตุเป็นอย่างงี้ผลมันเป็นอย่างงี้ว่ากันไปตามเหตุตามผลแค่นั้นเล่เนี่ยนะโดนใครก็ไม่ว่าอะไรหรอกพูดกับหลวงพ่อจิ๋วก็จะจะร้องไห้ก็ไม่ว่าอาจะหัวเราะก็ไม่เป็นไรจะร้องไห้ก็ตามใจแล้วกัน ต่อไปบอกเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะคือคือพระ อ, องค์รู้แล้วว่าเออเขาเนี่ยกิเลสมากกิเลสรุนแรงขนาดเดียวกันพระธรรมก็แสนจะยากเมื่อเป็นเช่นนั้นพระ อ, องค์ก็เลยคิดอีกต่อไปว่าสัตว์เหล่านี้เต็มไปด้วยกิเลสเศร้าหมองยิ่งนักหมายความว่าใจของเขาเนี่ยมันเศร้าหมองยิ่งนักเศร้าหมองด้วยราคะยอมบ้างหมองด้วยโทสะครอบงําบ้างลุ่มหลงไปด้วยโมหะครอบงําบ้างเหมือนน้ําเต้าที่เต็มไปด้วย น้ำส้มหรือนมส้มเนี่ยนะน้ำเต้าที่ใ ส, ส่นมส้มเหมือนกันแต่กระบอกน้ำที่ใส่เต็มไปด้วยน้ำเหมอนนะดูดถาบที่เต็มไปด้วยเปรียงดูดผ้าขี้ริ้วที่ชุ่มไปด้วยน้ำมันเหลวและน้ำมันดูดมือที่เปื้อนไปด้วยยาหยดตายาหยดตาโบราณ น, นี่มันมันเปียกแฉะนะเขาเหล่านั้นจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ยังไงเนาะเนี่ยนะเหมือนกับว่าไปชวนคนป่วยวิ่งออกกำลังกายคล้ายๆแบบนั้นนะ คนที่เรีว่าเป็นอะไรเกวเจ็บเข่าหน้าดัวหึ uy, ง่งเงินเธอเงี้ยมันยาก ง, งั้นแหละเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมเห็นความที่เขาเกลือยกลัว ด, ด้วยกิเลสจิตของพระองค์ก็น้อมไปเพื่อไม่แสดงอันนี้เพราะอนุภาพการพิจารณากิเลสของสัตว์และเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมอันนี้ไหนที่หนึ่ง อันหนึ่งพระธรรมคือโลกุตรธรรมเนี่ยลึกซึ้งดุดลำน้ำหนุนแผ่นดินก็ลึกเหมือนอย่างลึกลงไปสองแสนสี่มืนโยชน์เนี่ยนะเป็นธรรมที่เห็นได้ยากเหมือนเห็นเมล็ดผักกาดที่ภูเขากำบังเอาไว้ก็เ้มือยิ่งงองมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยนะรู้ตามได้ยากดุดแยกปลายด้วยปลายขนสัตว์ที่ผ่าออกตั้งร้อยส่วนเอาขนสัตว์มาผ่าตั้งร้อส่วนเนี่ยนะแล้วเอามาจับมาชนกันดูเนี่ยนะมันยากไหมล่ะ เอาเข็มปลายเข็มชนปลายเข็มดูเนี่ยมันชนกันง่ายไหมมันยากยางั้นนะนะเราพยายามสําหรับตัวเราเองเน่ยนะคือสําหรับพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเพื่อจะทําให้รู้แจ้งแทงตลอดพระสัพพัญญุตยานธรรมะคือการบรรลุโลกุตระธรรมเนี่ยทานที่ไม่เคยให้ไม่มีเลยศีลที่ไม่เคยรักษาไม่มีเลยบารมีที่ไม่เคยสร้างมาเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้ไม่มีเลย มันธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นธรรมะลึกซึ้งขนาดถึงว่าเมื่อเรากำจัดมารและเสนามารดูดไร้ความอุตสาหะแผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวพรนะกำจัดมารได้แผ่นดินไม่ได้หวั่นไหวเลยระลึกถึงะระลึกชาติได้แผ่นดินก็ไม่หวั่นไหวเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายก็ไม่หวั่นไหวแต่เรารู้แจ้งแทงตลอดปฏิจจสมุปบาทในปัจฉิมัยยามแผ่นดินในหมื่นโลกธาตุหวั่นไหว แสดงว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งพิจารณาจนแผ่นดินไหวเหมื น, นั้นเพราะฉะนั้นแม้คนเช่นเราอย่างรู้อย่าง ร, งรู้แจ้งแทงตลอดทำนี้ด้วยญาณที่ขนาดปัญญาขนาดนี้ทำมาขนาดนี้อย่างรู้ได้ยากถึงเพียงนี้มหาชนชาวโลกจกรู้แจ้งแทงตลอดธรรมนั้นได้อย่างไร พอพอ ก, การเผยแพร่ในยุคนี้เนี่ยบอกโอ้ชวนกันอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยมันยากอย่างนั้นแหละนะเพราะอะไรเพราะเขาโปรยทุลีพระไตรปิฎกมันยากมันไม่รู้เรื่องออธิบายจนไม่ได้อ่านอ่นะไอคนหลงัลงๆมาบอกไอคนที่ว่ายากนะถามจริงเคยอ่านไหมบอกไม่เคยนะนะบอกเขาอ่านเล่มไหนเขาอ่านเล่มที่มันยากพอดีเลยเหรนะ่ยเขา อ, อ่านเล่มที่เขาคิดว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องจะได้อธิบายได้ในวันหลังว่าเออมันยากจริงๆนะ อ, อู้อ่านเล่มที่รู้เรื่องมีตังเยอะแยะก็ไม่อ่านไปอ่านในเล่มที่ไม่ยาก คือหาเหตุผลอ่ะนะคนไม่มีศรัทธามอย่างว่านะฟังธรรมไม้บอกไม่มีเวลาอ้างโน่นอ้างนี่อ้างอ้างเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นเลยอ่ะนะส่วนใหญ่ที่คนไม่ไม่เขาไม่ฟังธรรมเป็นต้นเนยนะอย่าคิดว่ามันมีเหตุผลอะไรมากมายมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ราวอะไรหรอกไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีที่ติดประชุมสภาอะไรที่มันจําเป็นขาดเขาไม่ได้อย่างนั้นไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะนะมันจริงๆแล้วเพียงแต่ว่าศรัทธาไม่มีเท่านั้นเองไม่มีศรัทธาไม่ คือแยกว่าอะไรคือสาระไม่เป็นสาระแท้ๆเนี่ยมันคืออะไรชีวิตของตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรต้องการอะไรรู้อะไรแล้วมันดียังไงไม่เคยเอามาเป็นบทสรุปบททบทวนแห่งชีวิตเลยเมื่อไม่มีการสรุปไม่มีการทบทวนแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นยากแท้ที่เขาจะได้พิจารณาธรรมที่ลึกซึ้งอย่างนี้อีกเหตุอันนี้เป็นเหตุผลเบื้องต้นเนี่ยนะที่พระองค์ไม่น้อมไปเพื่อจะ แสดงธรรมนะนะน้อมไปเพื่อจะแสดงธรรมพอมาเคยไปอยู่ที่หนึ่งไอ้โยมคนนั้นเขก็พูดตรงตัวนะเขาบอกว่าผมจะลองมาฟังดูก่อนถ้าท่านพูดดีผมก็จะมาฟังอีกเหมือนกันถ้าท่านพูดไม่ถูกใจผมก็คงไม่มาไอ้จริงๆมันก็พอแบ่งเวลามาได้จริงจิงผมบอกตรงๆเลยเหมือนกันบอกเอออย่างนี้เข้าท่าน่าคุยกันหน่อยนะบอกมันไม่ค่อยมีเวลาอ่างทุระมันจําเป็นบอกอุ้ยอย่าพูดเลยพอมาไม่เชื่อหรอกเนี่ยนะก็ไม่เห็นว่าจําเป็นอ่าเขาบอกว่าโลกนี่มันจําเป็นที่สุดเนี่ยนะเขาบอกว่า ไอเรื่องที่เราว่ามันจําเป็นเนี่ยนะถ้าเทียบว่าอะไรมีราคากว่ากันก็คื อ, คอมันก็แยกว่าอะไรคือสาระของเขาะนะบางคนนี่ก็อย่างที่ว่าอะไรนะอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ยนะที่กล่าวถึงว่าถ้าคนที่เห็นว่าพระรัตน์ไตรเป็นสาระเป็นสาระเนี่ยนะอุ้ยเขาทิ้งราชวังไปเลยเนี่ยนะอย่างพระเจ้าอะไรพระเจ้ากับปินนะเนี่ยนะพอได้ฟังขา่าวว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกบอกเออเอาไปเลย แล้วก็ยกสมบัติบ้านเมืองให้ไม่เหสีไปหมดเลยไปหาพระรัตนตรัยดีกว่านี่ยนะก็ไปละคือคือก็แล้วแต่ว่าใครเห็นว่าอะไรเป็นสาระเนี่ยนะอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยจั ก, กรพรรดิสมบัติกับสัพพัญญุตยานท่านว่าอะไรเป็นสาระซึ่งพ่อเนี่ยกันเต็มที่เลยต้องการให้ลูกได้จั ก, กรพรรดิสมบัติแล้วแต่ใครว่าเห็นว่าอะไรเป็นสาระถือว่าอะไรเป็นสาระเนี่ยนะถ้าถือกามคุณเป็นสาระก็จะได้กามคุณ ถ้าถือศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นสาระก็ได้ศีลสมาธิปัญญาถ้าถือคำสอนว่าเป็นสาระก็จะได้อยู่กับคำสอนแล้วแต่เราปันใจให้สิ่งใดเราก็จะมีสิ่งนั้นเนี่ยนะนก็แล้วแต่ัถ้ามีสิ่งใดทันี้เราก็มาทบทวนว่าสิ่งนั้นที่เรามีแล้วดีจริงหรือเป็นไปเพื่อโสกปริเทวะทุกขโทมนัตหรือหรือเป็นไปเพื่อพ้นจากโสกปริเทวทุกขโทมนัและ อุปายาคก็จำเนกแยกแยะค้นควาหาสาระและมิใช่สาระเป็นต้นเนี่ยนะก็ค้นเอาเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าเออบางบางคนก็บอกว่ากลัวเขาว่าเอาเนี่ยนะนี่ใครว่าพระพุทธเจ้า ว, ว่าเออมันนะ่ะคิดถ้าภาษาสดาของเราว่าตําหนินะเออถ้าอย่างนี้ค่อยคิดกลัวใครกลัวขี้เมาว่าเอาอยัางไงเรโอ้ยทำเป็นเกรงใจขี้เมาละขี้เหล่าเม า, เมายาเกรงใจคนบ่นเป็นต้นโอ้ยทําไมขี้เกรงใจขนาดนะั้นเนี่ยนะ ก็มาเคยนึกในใจนะโอ้ยเราเคยเกรงใจบางท่านนะ่ะอ้ยถ้าเราเกรงใจพระพุทธเจ้าขนาดนี้บรรลุตั้งนานแล้วเนี่ยนะก็เลยมาคิดหมายแล้วเนี่นะขอให้เกรงใจพระพุทธเจ้าเท่านี้หรือครึ่งนี้ก็ได้ดีแน่นอนนะชาตินี้อย่างนั้นนะะก็เออเวลาทําอะไรสักอย่างเคยคิดถึงพระพุทธเจ้าหรือคิดถึงใครก่อนเนี่ยนะก็นึกเอาแล้วก็รู้เลยว่ามีสาระมั่นคงหรือไม่มั่นคงอย่างไรเนี่ยนะมาบอกว่ากลัวเขาว่าเขานี่มันเขาไหนไม่รู้ อีกในหนึ่งเนี่ยนะที่พระองค์น้อมจิตไปเพื่อไม่แสดงธรรมเพื่อจะให้พรหมนิราชธนาบอกว่าพรหมก็จะวิงวอนเมื่อพรหมวิงวอนจิตของพระองค์ก็น้อมไปอย่างนี้พระองค์ก็ประสงค์จะแสดงธรรมจึงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าเมื่อจิตเราเนี่ยน้อมไปเพื่อเป็นผู้ขวนขวายน้อยพรหมก็จะวิงวอนเพื่อให้เราแสดงธรรมนะเพราะอะไรเพราะเหล่าสัตว์นั้นเป็นผู้ที่เคารพพรหม เมื่อรู้ข่าวว่าพระาศาสดาไม่ประสงค์จะแสดงธรรมแก่พวกเราทีนั้นมาหาพรหมทูลอ้อนวอนพระองค์ให้แสดงธรรมผู้เจริญพระธรรมนี้สงบหนอท่านผู้เจริญพระธรรมนี้ประณีตหนอเพราะฉะนั้นเรามาตั้งใจฟังธรรมกันเถอะขนาดพรหมยังต้องอาราธนาเชื้อเชิญทูลให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอันนี้พอสัตว์เคารพพรหมก็เลยน้อมฟังธรรมอันนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายนะี ทีนี้เขาบอกว่าสัตว์ทั้งคำของพรมพที่มาราธนาบอกข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงสแสดงธรรมข้าแต่พระสุคตขอพระองค์ทรงสแสดงธรรมในโลกนี้สัตว์ที่มีกิเลส ด, ดุดดังทุรีในดวงตาเบาบางหรือน้อยเนี่ยมีอยู่เพราะเขาไม่ได้ฟังธรรมสัตว์เหล่านั้นจึงเสื่อมเสียไปผู้ที่พอจะรู้ทั่วถึงธรรมนั้นได้ยังจกมีอยู่อย่างนี้เนี่ยนะ ก็บอกว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้ฟังธรรมเขาจะเสื่อมเสียหายท่านแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายผู้สร้างสมบุญเอาไว้แล้วถึงความแก่กล้าแล้ว น, นะเขาได้ทำบุญไวไ้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนกแล้วเขาเคยให้ทานในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนะเขาเคยรักษาศีลเขาเคยเจริญบุญกิจยาวัตถุสิทธ เขาเคยให้ทานเขาเคยรักษาศีลเขาเคยเจริญภาวนาเขาเคยมีเวียว่าจะไมเขาเคยมีความช่วยเหลือกิจการงานที่ชอบเขาเคยมีความอ่อนน้อมเขาเคยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเขาเคยอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลเขาเคยแสดงธรรมเขาเคยฟังธรรมเขาเจริญกรรมมสกตาเป็นต้นเขาทําบุญหลังนี้แล้วเขาเหล่านั้นก็ตั้งความปรารถนาเพื่อจะฟังพระธรรมเทศนา ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวหลายคนไม่ใช่น้อยนะขอให้เขาได้พบ ข, ขออนะถ้าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกขอให้ขพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมขอให้ขพเจ้าเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็แปลว่าปรารถนาขอพบพระพุทธเจ้าเขาเหล่านี้ผู้ที่ทําบุญมาปรารถนาจะมาพบพระองค์ถ้าหากว่าพระองค์ไม่แสดงธรรมเขาก็จะเสียหาย เขาก็จะเสื่อมเสียสงสารกัาเธออ่านะเพรา ะ, ะนั้นเขาเหล่านั้นหวังป ร, ร, รมเทศนาเปรียบเหมือนดอกบัวทั้งหลายปทุมชาติหวังแต่แสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเขาเหล่านี้เมื่อได้ฟังธรรมเขาก็ควรยังลงสู่อริยะภูมิเนี่ยนะถ้าเขาได้ฟังธรรมเทศนาจากพระองค์บรรลุมรผลแทงตลอดอริยสัจไม่ใช่บรรลุองค์สองคนแต่บรรลุเป็นแสนเนี่ยนะบนรรลุทีเป็นแสน อย่างเช่นพระองค์แสดงอะไรเพราะอะไรนะธรรมจักรกับวัตนาสูตรบรรลุสิบแปดโกฏิพรหมนารถากับสปะชาดกบรรลุสิบเอ็ดหมื่นบรรลุแสดงสูตรอื่นๆอีกบรรลุมากมายคนเหล่านี้นะถ้าหากว่าพระองค์ไม่แสดงทำโอกาสที่เขาบรรลุจะมีไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพรหมก็เลยอาราธนาอัชเชสนังเชื่อชนอ้อนวอ น, นวิงวอนขอร้องอาราธนานิมนต์อยู่สามครั้งด้วยกันนะงั้นเสร็จแล้วตาม ตามลักษณะของผู้มีปัญญาทั้งหลายก็ต้องตรวจก่อนนะการที่จะรับงานอะไรแล้วไม่เช็คก่อนเนะี่ยไม่ได้นะตรวจงานเลยนะรับปากเร็บเอ้าขาว่ามารับคำนั้นดีเลยไม่พระพุทธเจ้าก็เลยตรวจดูด้วยพุทธจักษุโดยอินดียะโปรปริยติยานและอาศยานุสยะยานเนี่ยนะก็คือตรวจดูความยิ่งความย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายด้วยอินดียะโปรปริยติยานตรวจดูอัธยาศัยอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายด้วย อาสญาณุสยยะยานยานทั้งสองนี้เป็นชื่อของพุทธจักสุเสร็จแล้วพระองค์เนี่ยข่าแต่พระองค์ผู้มีดวงจักสุโดยรอบก็คือสัพพัญยุตยานสมันตาจักขุเป็นชื่อของสัพพัญยุตยานท่าธรรมจักสุหมายถึงโสดาปติมัคสกธาคามิมัคและอนาคามิมัคคำว่าจักสุเนี่นะมีมังสะจักสุไม่ต้องพูดถึงตาตาเนื้อธรรมดาไม่ต้องพูดถึงตาทิพก็ไม่ต้องพูดถึงเปนี้อ เรามาพูดถึงเฉพาะอะไรตาปัญญาตาปัญญาคืออะไรพุทธจักสุสมนตะจักสุธรรมาจักสุอันนี้เน้นพิเศษของพระพุทธเจ้านะพุทธจักสุคืออินทรียะโปรปริยตญาณและอาศยานุสญยาณยสมันตะจักสุคือสัพพัญญุตญาณธรรมาจักสุคือมรคยานสามเบื้องล่างอนนี้ทีนี้พระองค์ก็ใช้อนุภาพของพุทธจักสุตรวจดู สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่มีกิเลสดุดธุรีในดวงตาน้อยอนนราคะน้อยโทสะโมหะเป็นต้นอ่อน้อยเนี่ยนะหรือผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะเรียกว่าคนมีกิเลสน้อยคนไม่มีศรัทธาเรียกว่าคนมีกิเลสมากะวิธีคิดอยังไงนะถ้าอินสี่ถ้ามีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาถ้ามีอินรี่ห้าเรียกว่าคนมี กิเลสในทุลีคือดวงตาน้อยถ้าคนไม่มีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าคนมีที่ทุลีคือกิเลสในดวงตามากนะถ้ามีศรัทธาเป็นต้นมา ก, กเรียกว่าอินทรีย์แ ก, ก่กล้าถ้ามีศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาน้อยก็เรียกว่าอ่อนอินทรีย์อ่อนคนที่มีอินทรีห้าเรียกว่ามีอาการดีคนที่ไม่มีอินทรีห้าเลยเรียกว่าคนมีอาการสมคนมีอินทรีห้าเรียกว่าสอนง่าย รู้ให้เกระว่าสุวิญญาปยาก็คือให้รู้แจ้งหรือสอนง่ายแต่ถ้าคนที่ไม่มีอินทรีย์ห้าเลยนะี่เหมือนเข้าใจยากนะพูดให้คนไม่มีศรัทธาฟังเนี่มันยากพูดให้คนขี้เกียจฟังเลาเลยนเนี้ยเข้าใจไหมรู้ไม่รู้ทํำไหมเอาไว้ก่อนอันเน้ามามีบางคนที่รู้จักบอกดีไหมโอดีเอาเลยทําไหมไมาไม่นเนี้ยอนะนนั้นเจอไม้นี้เข้าไปนี่งเงียบเลยนะก็เจอเข้ากับเนี่กาบอกว่าเออสิ่งเ่านี้มีโทษไหมมี รู้ไหมว่ามันไม่ดีรู้ละไหมไม่ น, น, นะเออให้มันได้อย่างนี้เสียไหมหลายๆอย่างเนี่มันเป็นอย่างนั้นบอกว่อาอ้าวเนี่ยเจริญพุทธานุสติดีไหมดีน่าเจริญไหมหน่าเจริญเจริญเลยไหมเออดูเวลาก่อนอั้นนงะี้นะคืออธิบายได้ต้องผลักจนได้เนี่ยแหละก็เรียกว่าคนเกียรคร้านอะไนคือ้หลายๆอย่างนี่เป็นอย่างนั้นศึกษาธรรมะดีไหมดีศึกษาเลยไหมเอาไว้แก่ๆ ก, ก่อนข้อนั้นนะ ไม่รู้ว่าเขาแสดงไม่ได้ดูกระจกหรือ ย, ยังไงไม่ทราบเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยนะบอกเออมันเกิดอะไรขึ้นก็ ค, คือคือทุกอย่างก็ยอมรับเน่ยนะก็เออคนที่ขี้เกียจนี่มันยากจริงจริงนะหรือคนที่แบบอะไรพูดหน้าลืมหลังพูดซ้ายลืมขวาเรียนต้นชั่วโมงลืมปลายชั่วโมงหรืเรียนได้จําได้ปลายชั่วโมงลืมต้นชั่วโมงอุยมันอันนี้มันก็ยากเหมือนกันนะแล้วเลือกอะไรก็ไม่ได้จำอะไรก็ไม่ได้นะ เราก็นั่งคุยไปเรื่อยนึกว่านั่งคุยกันที่ไหนได้ตามเมอไปถึงไหนแล้วก็ไม่ทราบนะนี่ฟุงจนขนาดนั้นนะเราก็นึกว่าเข้าใจแล้วเนี่ยนะคำตาใสนึกว่าเข้าใจแล้วที่ไหนได้เข้าใจกันคนละเรื่องอย่างนั้นนะมันคนที่เรียกว่าอินสี่ห้าเนี่ยนะศรัทธาก็น้อยวิริยะก็น้อยสติก็น้อยปัญญาก็น้อยสมาธิก็น้อยเนี่ยมันยากอย่างนั้นแหละระวัาางกันสอนก็ยากอาการก็ไม่ดีอินสีย์ก็อ่อนกิเลสก็มีกำลังเนี่ยนะสอนอยาก ส่วนผู้ที่ตรงกันข้ามเนี่ยสอนง่ายเนี่ยนะบุคคลผู้มีศรัทธาเรียกว่าคนที่มีกิเลสในดวงตาน้อยคนที่ไม่มีศรัทธาเรียกว่าคนที่มีกิเลสในดวงตามากคนผู้เกียประลบความเพียรมีสัมมาประธานมีวิร <sais> ิยะเรียกว่ามีกิเลสในดวงตาน้อยคนที่มีความเกียจคร้านเรียกว่ามีกิเลสในดวงตามากคนที่มีสติตั้งมั่นเรียกว่ามีกิเลสน้อย คนที่มีสติลุ่มหลงเลอะเลือนเบลอไปหมดนี่เรียกว่ามีกิเลสในดวงตา ม, มากคนที่มีจิตตั้งมั่นเรียกว่าทุลีกิเลสน้อยคนที่มีจิตไม่ตั้งมั่นเรียกว่ากิเลสมากคนที่มีปัญญาเรียกว่ากิเลสน้อยคนที่สามปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าคนมีกิเลสมากเนี่ยนะบางอันนี้ก็ตรงข้ามมันอินทรียะโปรโปริยตยานรู้ได้ด้วยอาการห้าสิเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้า บางพวกมีปกติเห็นโลกและเห็นโทษและปะโลกโดยความเป็นภัยเนี่ยนะคือหมายคำว่าเห็นโลกเห็นประโลกโดยความเป็นภัยไอ้คําว่าพวกที่เห็นประโลกโลกมีอะไรบ้างโลกคือขันธาตุอายตนะโลกนะสมบัติสมบัติภาวะโลกวิบัติภาวะโลกสมบัติและวิบัติภวะโลกวิบัติสัมภวะโลกหรือโลกหนึ่งสัเพสตาหารติติกา สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยอาหารโลกสองคือนามโรคโลกสามเวทนาสามโลกสี่อาหารสี่โลกห้าอุปาทานขันห้าโลกหกอายตนาภายในหกโลกเจ็ดคือวิญญาณทิฏฐิเจ็ดโลกแปดโลกกระทำแปดโลกเก้าอนัสสตาวาต์เก้าโลกสิบอายตนาสิบโลกสิบสองคืออายตนาสิบสองโลกสิบแปดคืออ่าทาสิบแปดบางพวกเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีโทษรังเกียจเนี่ยนะรังเกียจก็ได้ว่า อัธยาศัยของคนที่น้อมออกจากจากโลกเนี่ยนะพวกนี้จะรังเกียจสิ่งเหล่านี้เห็นดังโลกหนึ่งถึงโลกสิบแปดเนี่ยเป็นของที่น่ารังเกียจฉะนั้นสําหรับโทษเห็นโทษก็คือเห็นกิเลสทุกชนิดว่ามีโทษเห็นทุจริตทุกชนิดว่ามีโทษเห็นกรรมที่นําไปสู่ภพใหม่มีโทษการเกิดขึ้นในภพใหม่เนี่ยเป็นโทษด้วยประการชนนี้พวกนี้แหละที่เรียกว่าเห็นโลกโดยความเป็นภัย เห็นโทษโดยความเป็นภัยใครเรียกว่าเห็นว่ามันภัยเนี่ยแปลว่ามันน่ากลัวเห็นโลกทั้งหมดตั้งแต่โลกหนึ่งถึงโลกสิบแปดมันน่ากลัวเห็นอกุศลเห็นกิเลสเห็นกรรมที่นําเกิดในภพใหม่มันน่ากลัวเหมือนอะไรเหมือนเห็นเพชรจะขาดเงือดาบจะฟาดฟันนะใครเรียกว่าบางพวกนี้เป็นอย่างนี้สรุปว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนะด้วยทรงรู้ทรงเห็นแทงตลอดอินทรี่ห้าของสัตว์เหล่านั้นด้วยอาการ 5้สบอันนี้ด้วยอนุภาพของอินทรียะโปรปริยติยานยามที่กำหนดรู้ความหย่อนและความยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคตเจ้าเนี่ยนะอันนี้ผมก็ใช้อะไรอินทรียะโปรปริยติยานเนี่ยตรวจดูสัพพสัตว์ทั้งหลายตรวจดูสัพพสัตว์ทั้งหลายก็เห็นแล้วเปรียบเหมือนอะไรเ ห, นะเหมือนดอกบัวเนี่ยนะเหมือนดอกบัวตรงนี้ยกตัวอย่างบัวสามเหล่า ผู้ที่จะตรัสรู้ได้มีอยู่สามประเภทคืออุคติตันยูวิปัญจิตันยูและนัยะบุคคลถ้าพวกปะทะ ป, ประมารอบบรรลุชาติหน้าก็แล้วกันอันนั้นรอบรรลุอีกหลายๆชาติเรียกว่าพวกปะทะประมะพวกไหนบรรลุชาตินี้ไม่ได้พวกนั้นเรียกว่าปะทะประมะผู้ที่บรรลุชาตินี้เรียกว่าพวกอันนั้นก็เป็นเป็นอะไรอุคติตันยูวิปัญจิตัญยูและนัยะบุคคล บุคคลที่ตรัสรู้พร้อมกับที่พระองค์ยกหัวข้อขึ้นแสดงเรียกว่าอุคติตันยูแต่ถ้าต้องแจกอธิบายเพิ่มเติมโดยพิสดารเรียกว่าวิปัญจิตันยูแต่ถ้าบางพวกต้องเรียนมากท่องจำมากถามมากโยนิโซมนสิการมากต้องอาศัยคบหาสมาคมกับกาลยานมิตรใช้เวลาจึงได้ตรัสรู้เรียกว่าพวกนัยะบุคคลถ้าอย่างชาตินี้ก็บรรลุไม่ได้ ต่อให้ทรงพระไตรปิฎกก็บรรลุไม่ได้พวกนี้เรียกว่าปฐาประมะแต่ชาติหน้าบรรลุเร็วกันนะพ อ, อมามองไม่หนักใจรักชาตินี้มับรรลุชาติหน้าก็น่าจะบรรลุเร็วกว่าพวกนี้ก็เลยเอาโอเคแล้วใช้ได้แล้วอันนั้นอะไรน ะ, อะรนะบอกว่าตุ๊ยชาตินี้นะสอบอะไรเหมือนกับเข้าเรียนห้องนี้มันตกว่า ง, งั้นแต่แต่ห้องใหม่นะเราได้ที่หนึ่งแน่อะไรคล้ายๆคิดแบบเนี้นะระหว่งระยะ ย, ยาวก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะมันทำยังไงมันทําไม่ได้เกือบสอบได้อย่างเงี้ยนะก็แปลว่าสอบตกเลย น้องเรื่องๆนะ่ะเกือบสอบได้อย่างไงอ้าวก็แปลว่าตกกันเลดีแล้วที่ตกก็ได้ไม่งั้นเราไปชุมสภาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กินเลี้ยงสร้างสรร์อดฟังธรรมเลยอย่งเงดีแล้วที่เกือบสอบได้ไปสวดมนต์ตั้งเยอะได้บวชอีกต่างหากท่านบอกว่าพวกอุคติตันยูก็เหมือนบัวที่จะบานได้ในวันนี้นะบัวโผล่พ้นน้ำแล้วถ้ารับแสงอาทิตย์ก็ บาลเลยถ้าพวกวิปัญจิตันอยู่ก็เหมือนกับว่าบัวเปริ่มน้ําอ่ะนะจะต้องบรรลุพรุ่งนี้นะั่นแหละถ้าหากว่าพวกอบัวที่อยู่กลางน้ําพวกนี้ก็เหมือนกับว่าโอยอีกนานอีกหลายวันจะได้บรรลุส่วนพวกพระธา ป, ปารมะพวกนี้ก็ตายฟรีเหมือนันเถอะก็เหมือนบัวที่เป็นอาหารของปลาและเต่าเสียไปอีกหนึ่งชาตินะนะแต่ก็ชาติต่อๆไปนะถ้าศึกษาเอาไว้แล้วชาติต่อๆไปก็บรรลุง่าย พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่สร้างบารมีก็พวกจะช่วยพวกปัทะทะปรมะในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนอ่ะนะบอกเอางี้แล้วกันรุ่นปัททะปรมะในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะมาสู่องค์นี้แล้วกันเดี๋ยวองค์นี้จะสอนให้พวกปัททะประมะองค์นี้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าองค์หน้าจะช่วยพวกปัทะทะประมะองค์ข้างหน้าอีกอุ้ยองค์ข้างหน้าต่อไปจะช่วยะเ น, นี่ยนะขอให้ได้ศึกษาเถอะโอกาสมันมีอยู่แล้วแหะแต่เมื่อไร่อีกเรื่องหนึ่งนะ ท่านแบ่งประเภทถึงพวกว่าอุคติตันยูวิปัญจิตันยูเนี่ยนะดังที่กล่าวแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแสดงธรรมเพื่ออุคติตันยูวิปัญจิตันยูในยะบุคคลเพื่อให้เข้าได้บรรลุในชาตินี้ถ้าพวกปะทะประารมะก็เป็นบุญเป็นวสฒนะเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยที่จะได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานต่อไปในอนาคตเนี่ยนะ ถ้าข้าพเจ้ายังเป็นผู้อาภาพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวะตะสงสารเนี่ยนะมาพวกนี้แหละพวกปะทะประมะทีนี้บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมเทศนาอันนำมาซึ่งประโยชน์แก่บุคคลสี่จำพวกยังความเป็นผู้มีพระประสงค์จะแสดงธรรมให้เกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยนะพระองค์ได้จัดสัตว์ในภพสามแบ่งออกเป็นสองส่วนเอางี้แล้วกันเพระาะพุทธเจ้านี่จะเริ่มแบ่งนะ แบ่งกลุ่มสัตว์ทั้งหมดในการมาพบรูปพระพุรูปพระพุทบ่งเอาเป็นสองกลุ่มกลุ่มแบ่งกลุ่มง่ายๆกลุ่มบรรลุได้กับกลุ่มบรรลุไม่ได้ไอ้พวกบรรลุไม่ได้เพราะอะไรเพราะกรรมมันหนากิเลสมันมากทําบุญมาไม่ดีพวกนี้บรรลุไม่ได้และก็ไม่มีศรัทธาขี้เกียจโง่เขลาเนี่ยนะไม่สามารถจะปฏิบัติถึงอริยมรรคได้พวกที่บรรลุไม่ได้นะมีกรรมมีกรรมเป็นเครื่องกั้นมีวิบากเป็นเครื่องกั้นมีกิเลสเป็นเครื่องกั้น ไม่มีศรัทธาไม่มีความภาคเพียรพยายามไม่มีปัญญาเขาไม่สามารถจะปฏิบัติประชุมอริยมรตมีองค์แปดได้อย่างแน่นอนพวกนี้เลยเรียกว่าพวกอภัพ菩萨นะส่วนพวกอภัพ菩萨ผู้ที่พอบรรลุได้ก็ไม่มีกรรมเหล่าใดเป็นเครื่องกั้นเลยเนี่ยนะไม่มีกรรมเป็นเครื่องกั้นไม่มีวิบากเป็นเครื่องกั้นไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธามีความพยายาม ฉลาดสา ม, มารถที่จะปฏิบัติเพื่อทําเพื่อเจริญโสดาปติมัคให้สําเร็จได้เจริญสกทาคามีมัคเจริญอนาคามีมัคเจริญอรหัตตมัคให้สําเร็จได้พวกนี้เรียกว่าพวกพระ菩萨ผู้ที่พอบรรลุได้วิธีการก็บอกว่าเอาพวกพวกอาภัพทั้งหลายเอาไว้ก่อนไม่ต้องเก็บมาคิดเพราะอย่างนี้พวกนี้ไม่ได้ บ, บรรลุอยู่แล้วแสดงเพื่อวาสนาอย่างเดียวะนะก็เอาพวกพระพะพวกพอจะบรรลุได้มาแบ่งเป็นกลุ่ม แบ่งเป็น6กลุ่มด้วยอํานาจจริญ huh. อ่ากลุ่มเท่านี้ราคะจริญกลุ่มนี้โทสะจริญกลุ่มนี้โมหะเจริญกลุ่มนี้วิตกจริญกลุ่มนี้ศรัทธาจริญกลุ่มนี้พุทธิจริญเพราะแบ่งกลุ่มเสร็จกลุ่มนี้จะบรรลุด้วยอุคติตันยูกลุ่มนี้จะบรรลุด้วยวิปัญจิตันยุกลุ่มนี้จะบรรลุด้วยนัยยะบุคคลกลุ่มนี้บรรลุด้วยธรรมเทศนาแบบนี้ต้องแสดงโดยอาศัยอุปธรรมประเหตุอาศัยการสอบถามเป็ตตเนี่ยก็มีอยหลายอย่างด้วยกัน ก็ตรวจสํารวจตรวจสอบเบ็ดเสร็จแล้วพระองค์ก็ น, นะคือหลังจากที่พระองค์สํารวจตรวจดูสัตว์อยู่นั่นแหละ นะพรหมก็มาอาราธนาเพิ่มมาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นท้าวมหาพรหมทราบบริวิตตกในพระไทยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีด้วยพระไทยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันตตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีด้วยคาถาทั้งหลายว่าเปรียบเหมือนผู้ที่ยืนอยู่บนยอดภูเขาศิลาล้วนเพ่งเห็นหมู่ประชุมชนโดยรอบฉันใด ข้าแต่พระองค์ผู้มีเมตตาดีมีปัญญาดีมีจักษุรอบครอบก็ฉันนั้นเหมือนกันนะก็คือคนที่ยืนอยู่บนภูเขาหรือยืนบนยอดตึกสูงๆเนี่ย น, นะมองได้โดยรอบชั้นใดหรือพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาดีมีสมันตะจักษุนะก็คือมีสัพพัญญุตยานมีอนาวารณยานพระองค์ก็ฉันนั้นให้ขึ้นสู่ปราศาทตรอันสาเร็จแล้วด้วยธรรมคือปัญญา พระองค์เป็นผู้ปราศจากความโศกขอให้พระองค์ทรงพิจารณาเห็นประชุมชนผู้เกลื่อนกลนไปด้วยความโศกเขาเหล่านั้นถูกชาติและชราครอบงำแล้วข้าแต่พระองค์ผู้ ก, ล, กล้าข้าแต่พระองค์ผู้ชนะสงครามข้าแต่พระองค์ผู้เป็นหัวหน้าพวกพระองค์ผู้ปราศจากนี้ขอพระองค์เสด็จลุกขึ้นเถิดเปิดเผยโลกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงธรรม เพราะผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมยังจักมีเนี่ยนะพอจะมีอยู่ผู้ที่พอจะบรรลุได้ตรงคัมมาลธนามีเพิ่มเติมว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ผู้มีปัญญาดีพระองค์ผู้มีพระจักษุโดยรอบเนื่องจากพระองค์มีพระสัพพัญยุตยานก็ฉนั้นขอพระองค์โปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทที่สําเร็จด้วยธรรมคือปัญญา พระองค์ผู้ปราศจากความเศร้าโศกพระองค์เองสามารถจะพิจารณาใคร่ควรวนตรวจตราดูหมู่ชนผู้เกลือกกล้วด้วยความโศกผู้ถูกชราและมรณะครอบงามแล้วเปรียบเหมือนอย่างว่ามนุษย์ทั้งหลายกระทําที่ดินผืนใหญ่โดยรอบเชิงภูเขาเรียกว่าทานาใกล้ภูเขาเนี่ยนะปลูกกระท่อมในแนวพื้นที่เหมาะแก่การเพราะปลูกนะที่แผ่นดินผืนนั้น กระท่อมทั้งหลายก็จุดไฟในเวลากลางคืนที่ดินนั้นเพิ่งมีความมืดประกอบด้วยความมืดมีองค์ศีบุรุษคนหนึ่งก็ไปยืนอยู่บนยอดภูเขามองดูพื้นดินไม่ปรากฏมองที่ไหนก็ไม่ปรากฏกระท่อมก็ไม่ปรากฏปรากฏแต่เปลวแห่งแสงสว่างฉันใดเมื่อพระองค์สเสด็จขึ้นสู่ธรรมปราสาทที่สาเร็จด้วยปัญญาขอพระองค์โปรดตรวจ ด, ดูหมูสัตว์นะนะ ไอ้พวกที่ไม่ได้ทำบุญมานะถึงจะอยูน่นั่งเข่าข้างขวานั่งชิดเข่าพระพุทธเจ้าก็มองไม่เห็นพวกนี้ไม่มาสู่คลองเหมือนอะไรเหมือนลูกศรที่ยิงไปในความมืดฉะนั้นนะเหมือนเหมือนอไนเหมือนลูกศรที่ยิงในตอนกลางคืนยากที่จะเห็นเหมือนลูกศรที่ซัดไปในกลางคืนส่วนสัตว์เราใดที่ทำบุญมามาดีเป็นเวไนพุทธเวไนเป็นต้นสร้างสมบุญบารมีมาแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ เขาเหล่านั้นถึงยืนอยู่ไกลก็สามารถมาสู่คลองแห่งจากโซเหมือนสัตว์เหล่านั้นเป็นดุลไฟหรือเป็นเหมือนกับภูเขาหิมะพานจะเห็นภูเขาหิมะวันไม่ภูเขาใหญ่ๆตัวๆสูงๆถึงจะอยู่ไกลก็มองเห็นเปรียบเหมือนที่พระองค์ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏณที่ไกลเหมือนภูเขาหิมะพานอสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏณที่นี้ถึงจะอยู่ใกล้ใๆเนี่ยนะก็ มองไม่เห็นเหมือนลูกศรที่เขาซัดไปในเวลากลางคืนนะเรียกว่าคนที่เป็นเคยเป็นหัวหน้าคนใช้งานคนเนี่ยจะรู้บางทีเนี่ยมีอยู่เยอะแต่ใช้งานนายไม่ได้เลยนะก็เหมือนกับว่ามองไม่เห็นเลยไม่เห็นคนที่พอจะทําสิ่งนั้นได้ข้าแต่พระองค์ผู้มหาวีระแก้วกล้าผู้มีความเพียรข้าแต่พระองค์ผู้ชนะพราะพระองค์ทรงชนะเทวปุตตมานมัจจุมานและกิเลสมานข้าแต่พระองค์ผู้เป็นหัวหน้านําพวก เพราะพระองค์นำสัตว์ออกจากชาติชรามรณะโศกปริเทวะทุกโธมัฑและอุปายาตฆ่าแต่พระองค์ผู้ไม่มีนี่คือการมฉันทะนิวนอนนะก็อาราธนานะว่าขอให้พระองค์ลุกขึ้นเถิดขอให้พระองค์แสดงธรรมเถอะผู้ที่พอจะรู้ทั่วถึงธรรมได้ยังจะมีดูก่อนพิสูนทั้งหลายเมื่อเท้ามาหาพรหมนั้นได้กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีก็ได้ตรัสกับเท้ามหาพรหมนั้นด้วยคาถาว่าเราได้เปิดเผยประตูคืออริยมรรคสำหรับพระนิพพานไว้แก่ท่านแลว้วผู้มีโสดคนที่มีหูจงปล่อยศรัทธาออกมาเถิดอันนันขอให้หูดีแล้วมีศรัทธานะจงปล่อยมาเลยดูก่อนพรหม เรารู้สึกลำบากจึงไม่ได้กล่าวทำอันประณีตซึ่งเราคล่องแคล่วแล้วในหมู่มนุษย์อย่างนี้นะก็คือตกว่ารับปากรับคําที่จะเปิดประตูอมตะคืออริยมรรคให้เห็นพระนิพพานเพราะฉะนั้นสื่อที่ที่จะรับรู้ข้อปฏิบัติคืออริยมรรคเพื่อแทงตลอดอพระนิพพานก็คือหูเบางคนที่มีหูขอให้มีศรัทธาจงฟังจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวเนี่ย น, นะมันเขาก็สามารถที่จะรู้แจ้งได้ เมื่อดูกานพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหละเท้าหมหาพรหมกับคี้อีกว่าเราเป็นผู้มีโอกาสอันพระผู้มีพระภาคอรหันตสตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้กระทำแล้วเพื่อจะทรงแสดงธรรมก็แปลว่าพระพุทธเจ้ารับอาราธนาเปิดโอกาสให้แล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีกระทาประทักษิณแล้วก็หายไปณนะที่นั้นเองนะ เพิ่มอีกเล็กน้อยบอกว่าคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะคนที่พระองค์จะเปิดประตูแห่งพระธรรมเนี่ยนะเปิดเหมือนกับว่าเปิดอรัตะนะให้แลว้วคนที่มีภาชนะคือศรัทธาเข้าไปเดี๋ยวเราจะช่วยสงเคราะห์เขานะช่วยให้เขาได้ตรัสรู้นะก็พระองค์ก็รับปากท้าวมหาพรหมก็ดีใจในชะ่ว่าพระพุทธเจ้ารับอาราธนาก็กลับไปสู่พรหมโลกส่วนพระพุทธเจ้าจะสอนให้แก่ใครก็คงเป็น พรุ่งนี้ ก, การรเนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้